ตอนที่หนึ่งเช้าวันนั้นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งที่ใครใเห็นต้องตะลึงนักศึกษาสองพันคนชุมนุมเราต้องเป็นกลางสำหรับประเทศที่มีประชากรเพียงสิบล้านการชุมนุมของคนถึงสองพันคนแบบนี้นับเป็นการชุมนุมที่ใหญ่พอสมควรหลายคนอดที่จะซื้อหนังสือพิมพ์นั้นมาอ่างเสียไม่ได้ แม้แต่คนที่ไม่เคยซื้อหรือประเภทหาอ่านฟรีก็ยังต้องซื้อทั้งนี้เนื่องมาจากความน่าสนใจในเนื้อหาของข่าวนั่นเองการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิหรือการแสดงพลังความคิดเห็นต่างๆหลวนเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างที่บางคนเคยเรียกมันว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานนั่นแหละในเนื้อหาของข่าวที่พอสรุปใจความได้ว่านักศึกษาจากวิทยายลัยครูดงโดกเวียงจันทร์ โดยท้าวสิทธิราชเป็นแกนนําผู้ร่วมในการชุมนุมยังมีนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทย์มโหสถนักเรียนเตรียมอุดมจากโรงเรียนโพชัยนอกจากนั้นยังมีข้าราชการประเภทครูที่สอนตามโรงเรียนต่างๆเข้ามาร่วมอีกในจํานวนนี้ดูเหมือนจะรวมกันแล้วได้ไม่ถึงพันคนแต่ที่จํานวนมันมากกว่านั้นมาจากพวกรับจ้างเดินขบวนโดยค่าจ้างเพียงข้าวหนึ่งห่อก็บผลไม้อีกเล็กน้อยพวกมาดูเขาเดินขบวน พวกชอบสนุกชอบเห็นความชิบหายของคนอื่นล้วนถูกตอนให้เข้าไปรวมกลุ่มจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชุมนุมประท้วงไปด้วยกล่าวที่ต้องการเป็นกลางโดยที่ไม่รู้ว่าความเป็นกลางที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและอยู่ที่ไหนการเรียกร้องคราวนี้ล้วนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่แอบแฝงผลประโยชน์ไว้ทั้งสิน้นผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในแบบและระบอบการปกครองการมาของพวกเขาเพียงได้รับคําชี้แนะชี้นําว่าการเป็นกลาง คือการไม่มีต่างชาติหรือประเทศอื่นๆเข้ามาอยู่ในประเทศของตนคําอธิบายเพิ่มเติมคือหากไม่มีกองกําลังต่างชาติเข้ามาอยู่ในลาวเสียแล้วย่อมไม่มีสงครามแผ่นดินจะสงบราบรื่นปัญหาภายในของลาวต้องให้คนลาวเท่านั้นเป็นคนแก้ปัญหาเพียงเท่านี้คนที่ได้ยินก็พร้อมที่จะร่วมมือด้วยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันทุกคนประจักษ์กับสายตาตัวเองแล้วว่า ความไม่สงบสุขทั้งหลายเกิดจากอะไรประกอบกับข่าวต่างๆที่ถูกประโคมในลักษณะของการเพิ่มน้ำหนักเงื่อนไขที่ฝ่ายผู้นำในการชุมนุมบัรจงสร้างเอาไว้นั้นเป็นน้ำมันที่ลาดลงไปบนกองเพลิงทำให้อารมณ์ของคนเหล่านั้นกล้าวแกล่งขึ้นอีกจนบางคนแทบจะคลุมครือด้วยจิตใจที่ฝังหรือ ก, กับการปลูกระดมงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลัง เมื่อสถานที่จัดชุมนุมคือสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวดังนั้นคนที่ชักใหญ่ก็ต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอนป้ายคำขวัญชูสโลอนอย่างเช่นคำว่าอเมริกันอันธพาลโลกหรือยงกี้โกหฮที่เป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นเพียงบางคำพูดที่เจาะจองในการด่ารูปผุ่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถูกเผาพร้อมไปกับธงชาต กระทั่งเป็นเท่าฐานร่วงหล่นลงมาให้ฝูงชนใช้เท้ากระทืบขยี้ฝูงชนที่ถูกแร่งเล้าทางอารมณ์ด้วยลีลาและท่าทางของนับปลุกระดมย่างเท้าสิทธิราชที่รู้จังหวะขั้นตอนของคนที่จะมีอารมณ์รวมสร้างความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับเสียงเรียกร้องดังขึ้นกําลังโหมที่จะบุกเข้าไปในสถานทูตแรงขึ้นกว่าเดิมอีกแม้ฝ่ายสถานทูตจะระดมกําลังทหาร น, นาวิกโยธินจํานวนนับร้อยคอยไปยันเอาไว้ที่ช่องทางเข้า กับบางส่วนที่ลายล้อมรักษาพื้นที่ตามแนวรั้วด้านไหนการชุมนุมครั้งนี้ไม่มีผู้แทนของฝ่ายชุมนุมยื่นความจำนงที่จะขอเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานทูตซึ่งเป็นการผิดปกติจากการเรียกร้องทั่วไปอย่างที่เคยมีมาความต้องการของพวกเขานั้นมีเพียงอย่างเดียวคืออเมริกันต้องออกไปจากลาวและลาวต้องเป็นกลางเท่านั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลลาวที่ต้องจัดการในเรื่องนี้ ดังนั้นกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งที่เป็นชุดปราบจราจลและชุดไล่จับแมคค้าผสมกับกําลังทหารจากค่ายปากเงิมต้องเป็นผู้เข้าสลายมวลชนกลุ่มนี้ด้วยระเบิดแก๊สน้ําตาและน้ําดับเพลิงที่ฉีดขับไล่จนแตกละเจิง่งและนั้นก็ยังไม่หวที่จะทิ้งท้ายด้วยว่างานนี้ยังไม่สิ้นสุดพวกเขาจะต้องดําเนินการที่รุนแรงกว่านี้อีกจนกว่าอเมริกันจะออกจากลาวจนกว่าลาวจะเป็นกลางตามที่เรียกร้อง ใจยุทธพงศ์ที่ใช้ความพยายามแกะภาษาเล่าจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นยังกระท่อนกระแทนบางครั้งอ่านผิดโดยไม่ตั้งใจเล่นเอาอคนฟังโ h รา o ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็สามารถจับเนื้อหาในข่าวจนเข้าใจได้มันต้องการอะไรของมันวะออกไปถามมันที่หน้าประตูสิพี่ไอ้เล็กเป็นคนตอบย้อนขึ้นมาแล้วทำหน้าตายเล่นเ อ, อจาจ่าดาวเหนือต้องขอบแล้วโ h รา o ด้วยความขันแบบไร้เหตุผลมึงไม่อยากเป็นกลางกับเขาบ้างหรือไง ไอเปี๊ยกเป็นคนถามบางไอเล็กที่ถูกถามมองหน้าคนถามแล้วตอบกูไม่อยากเป็นกลางแต่กูอยากได้ตรงกลางเว้ยไอเล็กหมายถึงส่วนกลางลําตัวของร่างกายผู้หญิงมึงแล้วมันก็ไม่ได้พ้นจากตรงนั้นเลยเอา้าแล้วมึงมาจากตรงไหนไอเปรตทําเป็นลืมคราวนี้ไอเปียกต้องเงียบไปเพราะจนด้วยเหตุผลแต่คนอย่างไอเปียกก็หาทางออกให้ตัวเองจนได้มาหันไปทางหัวหน้าชุดพี่พี่คิดว่าเราน่าทําอะไรสักอย่างไหมพี่ คงไม่ใช่อย่างเดียวเราอ่ะกูอยากทําหลายอย่างด้วยซ้ําไปโดยเฉพาะอีพโอที่หากปากแหกคอเยิ้เยิ้อยู่นั่นน่ะไม่ไหวหรอกพี่มันเยอะเกินไปเฮ้ยไม่เป็นไรยายพวกมันแตกแถวก็แล้วกันจ้าดาวเหนือพูดแบบติดตลกแต่ใจนั้นอดคิดไม่ได้ว่าถ้าพวกเขาได้รับคําสั่งให้เข้าสลายมนชนเหล่านี้เขาจะทําอย่างไรในขณะเดียวกันก็อดขวัญคิดถึงเมืองไทยของตนไม่ได้เพราะเท่าที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ที่อ่านพบนั้นหรือว่าในบ้านเมืองตัวเอง ก็กำลังอยู่ในยุคประชาธิปไตยเบยงบานเหมือนกันกรุงเทพกับเวียงจันทร์ต่างตกอยู่ในสภาพเดียวกันที่แต่ละวันมีแต่เรื่องเดินขบวนทั้งเรียกร้อ ง, องและขับไล่ทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นทั้งเรื่องในประเทศเรื่องนอกประเทศทุกๆเหตุการณ์ดูสับสนวุ่นวายไปหมดใจที่ตเตลิดไปไกลต้องสะดุ้งกลับมาอีกครั้งเมื่อดียินเสียงไอชาติพูดออกมาไม่ไหวแล้วพี่อพวกนี้นมดูไม่ได้สักคนทาไมวะกูมันไม่ให้ดูสิพี่ Oh, ไอเวนไอชาติเลยโดนจ่ายุทธพงษ์ด่าเข้าให้เมื่อรู้ความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรจ่ายุทธพงษ์ต้องเสียเซนเมื่อถูกอัมแล้วตัวเองก็ต้องกลับมาแกะอันหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นต่อไปก่อนจะหันมาปรึกษากับหัวหน้าทีมพี่ผมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับเนี้ยมันเชียร์ฝ่ายซ้ายมากไปหน่อยนะพี่ไม่มากว่ปหน่อยหรอกมันเชียร์เต็มที่เลยแหละงั้นไอพวกนี้คือไอผู้หัวแดงทั้งนั้นนะสิไม่ใช่หัวอย่างเดียวเว้ยมันแดงทั้งตัวนั่นแหละกูว่ากระดูกมันก็แดงด้วยวะ่ะ คอมมอนิสต์มาเริ่มการเผยแพร่ลัทธิจากกลุ่มคนยากจนชาวนาชาวไรกรรมกรผู้ใช้แรงงานและนักศึกษาทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มคนเหล่านี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่พร้อมสำหรับการที่จะให้เขารุกขึ้นมาทำการต่อสู้เรียกร้องจากสภาพของความยากไายทางวัตถุสภาพทางเศรษฐกิจที่บีบบังความไม่เป็นธรรมในสังคมความมักใหญ่ไฟสูงรวมเป็นสิ่งจูงใจทางสิน้น ปรามาจารย์คอมมอนิสต์อย่างมาร์กเลนินเหมาเจอตงหรือแม้แต่คนอื่นๆต่างก็ล้วนจับเอาหัวข้อเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวนําในการปลุกระดมปลุกระดมม็อบปลุกระดมแนวความคิดจนฝูงชนเกิดอารมณ์ร่วมยอมง่ายต่อการชักนําความบ้าคลั่งของม็อบเหล่านี้พร้อมที่จะทําอะไรก็ได้แม้แต่ความตายนักล่ารับจ้างต่างเกิดความคิดที่ตรงกันว่าเรื่องแบบนี้ที่กําลังแพร่ระบาดในแผ่นดินไทยก็คงมาจากสาเหตุเดียวกัน ฆ่าแม่งให้หมดเลยก็ได้นี่พี่มึงฆ่ามันได้ไม่หมดรสชาติมันต้องหมดสิพี่ดูอย่างจอมพลสลิดนั้นเป็นไงมันก็ไม่หมดอยู่ดีนั่นแหละตอนนั้นก็เพียงแต่พวกมันหยุดความเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงไอ้ที่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่ฝีมือของไอ้คนที่เคยหลบเข้าป่าสมัยจอมพลสลิดหรือไงวะจ่าดาวเหนือพยายามตอบยังมีเหตุมีผลทั้งนี้ด้วยการยึดหลักตัวบุคคลที่กําลังดําเนินงานแบบใต้ดินอยู่ในปัจจุบันคนเหล่านั้นก็คือบุคคลคนเดียวกัน ที่เคยหลบไปตั้งแต่ในยุคก่อนแล้วแนวคิดของคนรุ่นใหม่ต่างๆก็ได้รับการปลูกสร้างจากคนรุ่นเก่านั้นทางซ้นในทํานองเดียวกันก็คือถึงจะฆ่าคนใดคนหนึ่งก็ยังมีคนอื่นๆที่ยังคงดารงเจตนาหรืออุดมการต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดเราพนักงานมนแนว่าไงบางพี่ก็ยังไม่เห็นว่าไงนี่ว ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลลาวของเจ้าสุวรรณภูมานะั่นแหละต้องจัดการกันเองแต่มันก็คงไม่ง่ายนักนะที่จะให้นายกรัฐมนตรีของเราหรือประธานาธิบดีของสาธารไร้ฐของมาจัดการให้นะ่ะจริ ง, รงๆเรื่องนี้เราไม่ต้องยุ่งหรอกเป็นเรื่องของลาวเขาเราพี่ว่างงานเนี้ยใครอยู่เบื้องหลังก็คอมมอนนิสต์ไงล่ะวะจ่าดาวเหนือตอบสั้นสุดเล่นเอาไอชาติที่เริ่มจะสนใจเรื่องการบ้านการเมืองต้องอึ้งไปคนอื่นที่ฟังอยู่ตั้งมองที่ไอชาติเป็นตาเดียว ขณะที่จ่าดาวเหนือหลับตาล้มตัวเอนหลังลงราบกับผื่นไอชาติเลยได้แต่ยิ้มใแย่ๆเพราะไม่รู้จะทํายังไงกับคําตอบแบบกำปั้นทุบดินมันก็คอมทั้งนั้นแหละพี่โอ้พี่นี่ยวนชมัดเลยเอา้าก็มึงรู้ว่ากูยวนแล้วมึงมาคุยกับกูทําไมวะก็ผมอยากรู้เรื่องนี่น่ะคุยกับคนอื่นมันไม่ค่อยรู้เรื่องกันเลยต้องคุยกับพี่นี่แหละดูเหมือนไอชาติไม่ลดละที่จะคุยให้รู้เรื่องให้ได้ก็มึงบอกกูยวนมึงไม่ต้องมาถามกู ก็พี่เล่นตอบง่ายๆแบบเนี้ยใครๆก็รู้ว่าเป็นฝีมือไอ้คอมมันแต่ผมอยากรู้มันไอ้คอมพวกไหนมึงไปถามไอ้เท้าสิทธิราชมันดูสิวะผมก็ว่ามันก็ไม่รู้อย่นั้นแหละพี่ไอ้พวกเนี้ยมันหุ่นเชิดทั้งเพมันถูกเขาหลอกใช้น่ะพี่เออมึงก็รู้ดีแล้วนี่วะไม่เห็นต้องมาถามเลยเอาหน้าพี่อยากฟังเหตุผลทั้งพี่บ้างนะมึงพูดอย่างกับกูเป็นหน่วยข่าวกลองในคําพูดที่ติดตลกของจ่าดาวเหนือนั้นไม่มีใครขาไปด้วยทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ทุกคนอยากรู้ แต่ตัวจ่าดาวเหนือเองกลับทำทีเป็นทองไม่รูรลอนนั่นเป็นอาการปกติของเขาอยู่แล้วกระทั้งทุกคนต่างชาชินกับท่าทางของเขาจ่าดาวเหนือเงยหน้าขึ้นมองลูกน้องทีละคนทีละคนเพราะเห็นว่าเงียบผิดปกติงานนี้คนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคือเคจีบเว้ยคนที่ดำเนิน ง, งานก็คือนายพลกองแรงทีนี้รู้เรื่องหรือยัง ตอนที่สองความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้ยินคำตอบนั้น KGB คือหน่วยงานของโซเวียตที่มีข่ายงานการปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกับ CIA ของสหรัฐดังนั้นสองหน่วยงานนี้คือศัตรู ก, กันในพลกองแรงที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและอื่นๆจากคอมมนิสต์จึงเป็นผู้รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมาจาก KGB ก็คือเป็นลูกมือคนสาคัญในการปฏิบัติการนั่นเอง แต่ไอชาดูจะยังไม่หายกังขาในเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจพี่พี่ว่าทําไมในพลกองแลงเขาไปเกี่ยวข้องด้วยในเมื่อคอมมอนิสมีเจ้าสุพานุวงศ์เป็นผู้นําฝ่ายซ้ายอยู่แล้วและในพลกองแลงปกติก็เป็นฝ่ายกลางก็จะไปรับงานฝ่ายซ้ายมาทําได้ยังไงมึงว่าความเป็นกลางมันมีจริงหรอวะไม่รู้สิพี่ ตะนี่แหละสัจธรรมไงเล่าในโลกเนี้ไม่มีประเทศไหนที่เป็นกลางได้อย่างแท้จริงเลยมันต้องมีเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งแนะ่เพียงแต่จะเอ็นเอียงไปทางไหนแค่นั้นแหละคราวนี้ไอาชาติก็ยังไม่กระจ่างแต่ดูเหมือนไม่เพียงแต่อาชาติเท่านั้นคนอื่นก็ยังกังขาอยู่เช่นกันจากท่าทางที่ให้ความสนใจต่อคำอธิบายของหัวหน้าชุดนั้นไอาชาติก็เลยต้องถามต่อไปอีกเอางี้พี่อย่าหาผมโง่นะ พี่อธิบายหน่อยทําไมในพลกองแลที่ว่าตนเป็นฝ่ายเป็นกลางทำไมถึงไปเล่นกับฝ่ายซ้ายละ่ะไอชา ต, ต้องออกตัวว่างงก่อนที่จะถามพอรู้ใจลูกพี่ดีว่าชอบอําคนอาการของไอชาต์ก็เลยกลายเป็นโจกให้หัวหน้าชุดหัวเรากออกมาจนได้ในขณะที่ลูกน้องคนอื่นไม่ได้ขาไปด้วยจ้าดาวเหนือเลยต้องตอบแบบไม่มีการอําหรือหลอกให้เขวเอาละจะว่าให้ฟัง งานนี้หรือศึกนี้ทั้งในลาวขเขมรเวียดนามหรือแม้แต่ผอกรในบ้านเรามันเป็นการชิงอำนาจการระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียมีจีนแดงเล่นอยู่วงนอกประเทศสองข่ายเนี่ยถือดินแดนส่วนนี้เป็นสมรภูมิที่จะแผ่ขยายอำนาจของตนแล้วถ้าชาติไหนสามารถเข้าไปมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลที่ปกครองประเทศนั้นได้ชาตินั้นก็จะได้รับชัยชนะที่จะมีอิทธิพลเหนือประเทศภูมิภาคแถบนี้มาที่ลาวสามฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างมีอำนาจกันบ้างเนี่ย การที่ชาติไหนได้มาสักสองฝ่ายก็สแสดงว่าชนะไปแล้วกว่าครึ่งแล้วตอนนี้โซเวียตและเซียมันได้ฝ่ายซ้ายของเจ้าสุภานุวงศ์ไปแล้วแล้วกำลังจะดึงเอาในพลกองแรงเข้าเป็นพักพวกของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งงั้นในพลกองแหลมก็นกสองหัวสิพี่ไอชาติทะลุ ก, กางปองออกมานกสองหัวหัวสองนกเหยียบเรือสองแคมที่มึงว่าอะไรมาถูกทั้งนั้น คนอย่างในพลกองแลที่ขึ้นมาเมียอำนาจแบบมือเปล่าต้องถือว่าใครช่วยอะไรก็ต้องเอาทั้งนั้นยังไงก็ได้ขอให้ได้ชัยชนะก็แล้วกันตอนนี้ในพลกองแลเล่นทั้งสาทางเลยนุ้ยทั้งจาก CIA สหรัฐ KGB โซเวียตแล้วยังแอบรับทั้งจีนแดงอีกแบบนี้มึงว่าเรามันจะเหลืออะไรแล้วทำไมเราไม่กำจัดคนที่เป็นศัตรูเลยเหรอพี่ั้งเจ้าสุภานุวงศ์ทั้งในพลกองแรมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิวะถ้ามันทาได้เขาคงทากันไปแล้ว ผมไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยให้ผมทําก็ได้รับรองโป้งเดียวจอดจาดาวเหนือต้องหันมามองไอชาติคนที่เป็นลูกน้องอย่างเต็มตาก่อนที่จะหัวเราะในใจนั้นอดที่จะนิยมชมชอบในความมีน้ำใจลุกลบของมันเสียไม่ได้ข้าใดที่ต้องห้ามหันสังหารศัตรูแล้วเป็นต้องรับอาสาทันทีชนิดไม่มีการลังเลแต่อย่างใด การที่จะสังหารผู้นําทางการเมืองระดับประเทศสักคนนะ่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเว้ยมันมีเงื่อนไขามากมายหลายอย่างที่พวกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าถ้าในพลกองแลตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังบ้างกูว่ามันไม่ง่ายนักหรอกนะเพราะถ้ามันง่ายจริงประธานาธิบดีสหรัฐ ก, กับโซเวียตต่างคนต่างข่ากันหมดแล้วผู้นําที่ตายเพียงคนเดียวอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะักแต่พวกลูกน้องบริวานนี่สิว่ามันสําคัญที่ไอ้พวกนี้มึงดูง่ายๆก็แล้วกัน สาสตร์ลัจ้องจะสังหารฟิเดลคาสโตมันตั้งนานละยังไม่มีปัญญาจะทําได้เลยที่สําคัญอีกอย่างมึงอย่าลืมไว้ที่ประเทศต่างๆที่มันลบกันแบบเนี้ยคนที่รวยคือใครมึงรู้ไหมคนขายอาวุธไงล่ะ ว, วะทั้งศาสตรัดทั้งโซเวียตแม่งรวยกันอื้อซ่าลองแบบเนี้ยเราไม่น่าไปช่วยพวกในพลกองแลงเลยนะพี่มันเป็นเหตุผลทางการเมืองสําคัญระดับสูงวะ่ะระดับเราเอาป่วยการที่จะไปรู้เอา้าแล้วที่พี่รู้มาเนี่ยพี่รู้ได้ไงกูฝันเห็น จากดาวเหนือพยายามที่จะตลกตามประชาติแต่ไม่มีใครขัด้วยเพราะมันเป็นตลกร้องไห้ภาพของความพินาศล่มจมความเดือดร้อนของประชาชนความสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินที่เกิดจากตันหาของผู้นําที่กระหายต่ออํานาจผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาต้องมาตกเป็นเหยื่อสังเวยกฏขึ้นในความรู้สึกจากประสบการณ์การรบที่ผ่านมาเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ตกเป็นเหยื่อสงครามยังสามารถมองเห็นความเดือดร้อนทุกยากได้ ในขนาดเดียวกันถ้าเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นกับคนทั่วประเทศมันจะเป็นอย่างไรหลายพวกที่เดินขบวนอยู่นี้แหละพี่ก็ช่งางไม่ประไล่สิวะมันอยากเดินก็ให้มันเดินไปสิความจริงอะ่ะมันน่าจะจัดการกับไอ้คนที่เป็นตัวนำนะพี่จัดการแบบไหนดับสูญมันเลยจา่าดาวเหนือไม่ตอบแต่ในใจนั้นคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าหน่วยเหนือสั่งให้ปฏิบัติการดับสูญไอ้ผู้นํำพวกนี้เขาจะทํำยังไงดีเพราะในใจนั้นมีทั้งเห็นด้วยและคัดข้านการเรียกร้องของประชาชน บางครั้งก็เป็นสิ่งที่สมควรหากพวกเขาเดือร้อนกันจริงๆแต่การเรียกร้องบางอย่างก็ไม่เป็นการสมควรเมื่อการเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางจําพวกหรือเพื่อเป็นการสร้างความปั่นป่วนบั่นทอนสเสถียรภาพความมั่นคงสงบสุขของประเทศจาดาวเหนือคิดอะไรไม่ออกเลยได้แต่หัวเราะแล้วหลับตาลงเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านั้นแล้วสําหรับเวลาอย่างนี้เป็นการหลับจริงๆอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้ไม่มีลูกน้องคนไหนรบกวนกระทั่งเวลาผ่านไปจะนานแค่ไหนไม่ทราบได้ที่ตัวเองถูกปลุกขึ้นมาเพื่อให้ทราบว่ามีคําสั่งจากพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่กองกําลังทหารสาหรรัฐอเมริกาประจําประเทศลาวให้เข้าพบเป็นการด่วนจากดาวเหนือมาปรากฏตัวอีกครั้งที่นาโตทํางานของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งในที่นั้นพันตรีโรเจอร์กับพันตรีคอรลิงก็อยู่ด้วยกระทั่งคนที่ถูกเรียกตัวมาพบได้รับการเชื้อเชิญให้นั่งที่โตรับแขก ที่มีอยู่ในห้องทำงานการสนทนาจึงเริ่มขึ้นระยะ น, นี้ไม่ค่อยมีงานเหงาหน่อยนะนอสตาเสนาธิการใหญ่พูดขึ้นก่อนในลักษณะของการทักทายใบหน้าที่ยิ้มแย้มคงคนทั้งสี่ที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนั้นบง่งบอกถึงไมตรีจิตอันดีที่มีต่อกันกว่างั้นๆแหะครับคุณเนี่ยคนที่ถูกทักตอบแบบไม่มีความหมายอะไรมากนักก่อนที่จะย่อนก้นลงนั่ง กระนั้นก็ยังไม่หวที่จะหันไปยักคิค้วหลิวตากับพันตรีเมริการทั้งสองคนนั้นทั้งนี้คงรู้ใจกันดีว่าที่ถูกเรียกพบตอนนี้คงมีภารกิจนั่นเองและเมื่อคิดถึงภารกิจทีไรใจอดที่จะคิดถึงกลิ่นอันหอมหวนของคราบไอ้ดอดล่าเสียมิได้ความจริงผมก็รู้ว่าพวกคุณเซ็งกับการที่ต้องมาอยู่เฉยๆไปวันๆมีแต่นั่งกับนอนแต่มันจนปัญญาจริงๆ เพราะผมไม่สามารถหางานที่เหมาะสมกับพวกคุณให้พวกคุณทําได้เลยจ่าดาวเหนือไม่ได้ยินคํานั้นอดที่จะสะบัดเชียรในใจเสี่ยมิดยได้เมื่อเข้าใจแล้วว่าภารกิจที่มีเประเซ็นต์เสี่ยงน้อยๆ อ, อเมริกันมักไม่จ้างพวกเขาคงคิดแต่เพียงงานที่ต้องคุ้มค่าจ้างเสมอจึงจะมอบให้ผลที่คิดก็ได้แต่คิดแม้แต่ด่าก็เป็นเพียงด่าในใจปากนั้นกลับปิดสนิทและทั้งคนที่เรียกให้หาพูดต่อไปงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้อสตา ก่อนที่พวกคุณจะเซ็งเกินไปผมเลยคิดหางา น, นเบาๆให้พวกคุณได้ออกกําลังกายกันเล่นหรือคุณว่าไงพันเอกนอร์แมนอดไม่ได้ที่จะย้อนถามเป็นการขั้นบรรยากาศเคลเนีลว่าต่อไปนะครับผมกําลังฟังจานดาวเหนือหันมาจุดบุรีสูบโดยอาการเย็นชาเราไม่ได้สนใจด้วยว่าพันตรีเมริกันทั้งสองนั้นจะมองตนด้วยความรู้สึกอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามในสายตาของเมริกันทั้งสองนั้นเป็นสายตาของคนที่มองในแง่ดีมากกว่าจะคิดเป็นอย่างอื่น การที่เคยได้ออกร่วมภารกิจกันมามากต่อมากครั้งทําให้พันตรีเมริกันทั้งสองกับขบวนการนักล่ารับจ้างต่างทราบฝืนในน้าใจกันเป็นอย่างดีมาตลอดจนบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่พันตรีเมริกันเข้าร่วมวงไพ่บุญกับนักล่ารับจ้างปฏิบัติการด่าเจ้านายตัวเองเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็มีระยะนี้คุณติดตามสถานการณ์การเมืองบ้านหรือเปล่านอสตาไม่เลยครับก็ผมเป็นคุณอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาลาวบ่อยนี่นะ ก็อ่านอยู่เป็นการครับเป็นการอ่านแก้กุ้มนะในนั้นมีข่าวการเมืองให้คุณติดตามนี่นะมีครับผมทราบแต่ผมไม่เชื่อหนังสือพิมพ์นั้นหรอกหรือเครเชื่อหรอครับบางเรื่องเขาก็เชื่อได้นะครับบางเรื่องเชื่อได้แต่เรื่องนี้จะเชื่อได้หรือไม่ผมไม่เข้าใจที่ผมเข้าใจและแน่ใจก็คือผมไม่เชื่อจ้าดาวเหนือตอบด้วยเสียงที่หนักแน่นและจริงจังเลนเอาคนที่คุยด้วยถึงกับอึง ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนยังจ่าดาวเหนือแสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวด้วยการพูดแบบตรงไปตรงมาความที่เคยร่วมงานกันมาทําให้พันเอกนอร์แมนต้องยอมรับในเหตุผลที่มาจากคาพูดของจ่าดาวเหนือเสมอบ่อยครั้งที่ต้องเอาเหตุผลนี้มาคบคิดเพื่อหาความจริงแนวความคิดของจ่าดาวเหนือนั้นมีหลายแนวที่พันเอกนอร์แมนเคยนําเข้าเสนอต่อที่ประชุมของบรรดาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจ่าดาวเหนือกเกรงว่าบรรยากาศจะตึงเครียด ก็เลยต้องหาเรื่องมาโจกคเคยนลก็รู้นี่ครับวันนี่สายลาวอ่ะขี่คุยขี้โมโ้หนังสือพิมพ์มันก็คงทํานองนั้นแหละแล่นเอาเมริกันทั้งสาที่ฟังอยู่ถึงก็โผล่ออกมาไม่ได้ยินความจริงที่เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติกระทั่งพันเอกนอร์แมนพูดต่อ น, นั่นแหละคนที่หดร้อจึงเงียบเสียงลงระยะนี้ในพลกองแล ม, มีความเคลื่อนไหวมากผิดปกติการปฏิบัติการทุกอย่างเป็นไปในเชิงลุกมากกว่าลับสิ่งที่ในพลกองแลเตรียมที่จะปฏิบัติในขั้นต่อไป คือการใช้กองกาลังติดอาวุธทําการปฏิวัตริรัฐประหารยึดอานาจรัฐใครหนุนเขาครับคุณอาจไม่เชื่อนานอสตาว่าคนที่หนุนเขามีถึงสามคนด้วยกันใครบ้างครับตอนเนี้โซเวียตให้การสนับสนุนพันเวียดนามแล้วก็จีนให้เขาโดยตรงอีกคนละครับจ้าดาวเหนือทวงขึ้นเมื่อเห็นว่าคนที่พูดชะ ง, งักคําตอบเอาไว้นานเกินไปก็อเมริกาไงเล่าจ้าดาวเหนือต้องสะดุ้งเหือกไม่ได้ยินคําตอบนั้นสายตาจ้องจับที่คนพูดขม็ขงกําลังจะถามเอาเหตุผล ก็สู้เฉยนิ่งเอาไว้รอให้พูดออกมาเองผมรู้ว่าคุณต้องสงสัยในคำตอบข้อสุดท้ายนี้แนะ่เอาล่ะผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาทำกันยังไงบ้างเริ่มที่โซเวียตก่อนเลยนะจ่าดาวเหนือเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้เยมตั้งใจฟังคำอธิบายที่คงจะยาวเหยียดบุรีมนนั้นถูกอัดย่างแรงแล้วแหงนหน้าปล่อยควันเป็นวงกลมให้ลอยอยู่เหนือศีรษะในขณะที่พันเอกนอแมนเริ่มคาอธิบาย ตอนที่สโซเวียตเริ่มให้การสนับสนุนอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากปัจจุบันโซเวียตส่งที่ปรึกษาทางทหารสําหรับการปฏิบัติการรบที่ปรึกษาทางการเมืองสําหรับสงครามปฏิวัติเข้ามาอยู่ในลาวโดยเข้ามาในรูปแบบของนักการทูตแล้วก็ใช้สถานทูตนั่นแหละเป็นกองบัญชาการกําลังที่ใช้ในการรบทั้งหมดเป็นทหารเวียดนามเหนือซึ่งปัจจุบันมีจํานวนกว่า 10,000 ืคนฝังตัวอยู่ตามพื้นที่ตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของเชียงขวาง มีกองบัญชาการใหญ่อยู่ที่เมืองเชียงคอแขวงซําเหนือระยะหลังมาเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่ากําลังฝ่ายเป็นกลางของนายพลกองแรงไม่ค่อยจะมีการประท้ะกับพวก VC เลยนอกจากกําลังฝ่ายขวาเท่านั้นเรื่องนี้เป็นว่ากําลังฝ่ายซ้ายคงเหลือศึกที่ต้องลบเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือฝ่ายขวานั่นเองในปัจจุบันเนี่ยโซเวียตทุ่มเทงบประมาณสําหรับการยึดลาวโดยเฉพาะปีละก ว, ว่า150ล้านดอนลลาร์สำหรับจีนที่การสนับสนุนนายพลกองแรงแบบโดยตรง ก็มีศูนย์กลางประสานงานอยู่ที่เมืองคุนหมิงปัจจุบันเนี่ยทหารจีนจํานวนหนึ่งเข้ามาทําการฝึกสอนให้กับทหารลาวฝ่ายเป็นกลางในป่าเขตเมืองพงศาลีเท่าที่ทราบมามีกําลังทหารลาวที่ไปรับการฝึกสอนประมาณ250คนทหารเหล่านี้จะใช้เวลาในการฝึกประมาณ3เดือนและเท่าที่รู้มายังปรากฏว่าสามารถฝึกสอนจบไปแล้ว3ามี่รุ่นค่ายฝึกแห่งนี้มีทหารลาวที่เป็นหัวหน้าค่ายคือพันตรีคําผายวิไลพันธ์กรณีพันตรีคําผายวิไลพันธ์ ทางเรามีประวัติพร้อมแล้วถ้าคุณสนใจจะเอาไปศึกษาดูก็ได้การสนับสนุนของจีนที่มีให้กับกําลังฝ่ายเป็นกลางนี้ค่อนข้างจะปิดลับเพราะโอกาสที่จะถูกขัดขวางจากฝ่ายซ้ายมีมากโดยเฉพาะกองกําลังของฝ่ายขวาจะต้องปิดลับให้มากที่สุดต้องไม่ให้ทุกฝ่ายรู้เป็นอันขาดเพราะจะทําให้การสนับสนุนที่เคยได้รับนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ทีนี้มาถึงจุดไค่แม็กของเรื่องที่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนในการปฏิวัติ ร, รัฐประหาร ของฝ่ายเป็นกลางตามที่ผมพูดจ่าดาวเหนือเองตัวลุกขึ้นจากท่านางพิงพนักเก้าอี้ผ่านเอกนอแมนเห็นท่าทางนั้นเข้าใจทันทีว่าจ่าดาวเหนือกำลังมีปัญหาบางประการจึงหยุดพูดขอโทษครับคุณนิผมมีข้อสงสัยสองข้อครับตอนนี้ผมขอถามให้เคลียร์ก่อนเลยดีกว่าโอเคว่ามาเลยครับข้อแรก ที่ว่ากองบัญชาการใหญ่ของเวียดนามเหนือที่เข้ามาปฏิบัติการสนับสนุนหรือแทรกแซงเตรียมที่จะยึดอํานาจเหนือลาวที่อยู่เมืองเชียงค้อแขวงซาเหนือนะเมื่อทางเรารู้อย่างนี้ทําไมเราไม่เข้าไปยึดหรือทําลายเลยครับเรื่องเนี้ผมเห็นใจคุณกองกาลังทหารเวียดนามเหนือมีไม่ใช่น้อยปัจจุบันพื้นที่เมืองเชียงค้อและใกล้เคียงต่างตกอยู่ในอิทธิพลของเวียดนามเหนือหมดแล้วการที่เราจะใช้กําลังทางภาคพื้นเข้าทําการโจมตีหรือยึดกลับมานั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เราต้องใช้กําลังมหาศาลทั้งทางบกทางอากาศที่นั่นจะเป็นสมรภูมิขนาดใหญ่ทันทีสหรัฐจะเผชิญหน้ากับโซเวียตในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นและเชื่อว่าโซเวียตและเวียดนามเหนือก็ต้องเพิ่มกําลังให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวสําคัญที่สุดเลยก็คือประชาชนในพื้นที่จะได้รับการสูญเสียอย่างหนักสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกลองเรียนในที่ประชุมสหประชาชาติจะประนามการกระทําของฝ่ายเรานี่คือเหตุผลบางประการที่ทําให้ฝ่ายเรา ไม่สามารถปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดแบบนั้นได้เราก็เลยไม่มีการปฏิบัติการใดๆเพื่อขัดขวางพวกมันเลยงั้นเหรอครับมีสิตอนนี้เราใช้การโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งที่เราส่งฝูงบิน B-52 ไปปูปพรมต่อพื้นที่นี้แล้วได้ผลไหมครับก็ได้ผลตามภาษาของ B-52 เขานั่นแหละพันเอกนอร์แมนตอบด้วยเสียงโกรธหเลาะเพราะเข้าใจดีว่าการโจมตีทางอากาศด้วยการทิ้งระเบิดแบบปูปพรมนั้นทามันได้ผลจริงตามที่คาด บัดนี้เวียดนามเหนือทั้งประเทศต้องจมลงสู่ใต้ทะเลไปนานแล้วแต่ที่เวียดนามเหนือยังอาหาังการอยู่ได้ก็เพราะไม่ได้ละคายเครือต่อฤทธานุภาพของระเบิดเหล่านั้นเลยนั่นเองจาดาวเหนือกัด ก, ากลามกรอดด้วยความเผลอไผลด้วยความเกลียดชังต่อคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือที่จ้องหาโอกาสเข้ายึดครองประเทศต่างๆในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกกระทั่งพันเอกนอร์แมนต้องพูดมาอีกนั่นแหละสติสัมปชัญญะจึงกลับคืนมา เริ่มปัญหาข้อสงสัยข้อต่อไปของคุณได้แล้วครับขอบคุณคเนลอีกเรื่องก็คือผมสงสัยว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายซ้ายต้องการเอาฝ่ายเป็นกลางไปร่วมด้วยและในเมื่อฝ่ายเป็นกลางของนายพลกองแลที่ไปรับการฝึกสอนจากจีนที่พงสาลีหรือรับการสนับสนุนจากจีนโดยตรงทำไมต้องถูกฝ่ายซ้ายขัดขวางด้วยล่ะครับอ๋อเรื่องนี้มันง่ายมากคนที่สนับสนุนสองคนคือจีนกับโซเวียตเนี่ยเนื่องจากจีนกับโซเวียตไม่ถูกกัน ต่างคน ต, งต่างก็ต้องการที่จะมีอํานาจเหนือภูมิภาคส่วนนี้เพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อจีนยื่นมือเข้ามาโซเวียตก็ต้องขัดขวางไว้ก่อนเป็นธรรมดาโซเวียตอาจจะยอมสูญเสียกําลังที่เป็นฝ่ายซ้ายอย่างในพลกองแลได้แต่โซเวียตยอมให้จีนเข้ามามีบทบาทด้วยไม่ได้แนะ่เคลียร์หรือยังจะดาวเหนือยิ้มออกมาได้แม้จะเป็นยิ้มที่ไม่สดชื่นนักก็ตามใจนั่นคิดอยู่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์สายไหนก็ตามมันก็ไอคอมมิวนิสต์เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าจะเปรียบเป็นเหล้าที่ขึ้นชื่อว่าเหล้าแล้วเอาใส่ขวดอะไรมันก็เหล้าเหมือนกันอยู่นั่นแหละแล้วพันเอกนโนแมนก็เริ่มไล่า ย, ยาวต่อไปอีกยุทธศาสตร์การเมืองของโซเวียตนั้นต้องการที่จะปิดล้อมจีนคุณลองดูในแผนที่นี่ถ้าโซเวียตได้เวียดนามทั้งเหนือใต้ได้ขเขมรได้ล้าไปอยู่ในอิทธิพลมันหมดแล้วจีนจะกระดิกไปทางไหนได้ในเมื่อพม่า ก, ก็เล่นกับโซเวียตอินเดียก็เล่นกับโซเวียต สำหรับไทยแลนด์ประเทศของคุณนั้นน่ะกําลังของทั้งสองข่ายคอมมิวนิสต์ยังก้ากึ่งกันอยู่ยังไม่มีใครที่มีอิทธิพลเหนือกว่าอีกฝ่ายได้เรื่องนี้คงต้องดูกันไปอีกนานหรือคุณว่าไงพันเอกนอร์แมนหันมาสัพพยอกจ่าดาวเหนือบ้างเพราะเห็นอยู่ว่าเขากําลังสนใจที่จะฟังอยู่แต่ไม่มีคําตอบจากปากของคนที่ถูกถามนอกจากรอยยิ้มที่มุมปากเท่านั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าในหัวใจของเขานั้นสุดแสนจะเล่าร้อนเมื่อรู้ว่าแผ่นดินทินเกิดของตน ตกอยู่ในเป้าหมายของรัฐธิมหาอุบาทนี้ด้วยเอาละทีเนี้ยมาว่ากันต่อไปถึงข้อที่ว่าสหรัฐเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้คอมมิวนิสต์ทำการยึดครองประเทศลาวด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จากการที่เราอ่ะทั้งประเทศของคุณทั้งประเทศของผมเนี่ยคือเราต่างก็ให้การสนับสนุนฝ่ายเป็นกลางที่ในพลกองแหลเป็นผู้นําอยู่นี่นะก็ในเมื่อคนที่เราสนับสนุนอยู่เนี่ยเอ็นเอียงไปทางฝ่ายตรงข้ามมันก็คือการสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง สิ่งที่เราให้การช่วยเหลือพวกเขาคือสิ่งที่จะช่วยให้เขาไปได้เร็วและดีขึ้นเกีียวเล็บของเขาก็นับวันแต่จะแหลมคมขึ้นคุณว่าไงใช่ไหมละ่ะก็ในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วทําไมเรายังช่วยอยู่อีกล่ะครับจ่าดาวเหนือไม่ตอบคําถามพันเอกนอร์แมนแต่กลับถามย้อนเรายังไม่พร้อมที่จะทําอย่างอื่นถ้าเราทําอย่างนั้นนะแบบทันทีทันใดเขาะเตลเิดเปิดเปิงแน่เขาจะเดินเข้าสู่อ้อมกอดของศัตรูทันทีเรายังไม่ต้องการที่จะมีศัตรูมากกว่านี้ ในขณะเดียวกันเรายังคิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถดึงเขากลับมาได้ถึงกข น, นั้นก็ตามเราก็ได้พยายามที่จะระวังตัวเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการที่เขาขอเข้าร่วมภารกิจกับเราหรือเราต้องไปร่วมภารกิจกับเขาตกลงก็เป็นนั้นว่าสหรัฐหรือไทยก็ยังต้องให้การสนับสนุนฝ่ายเป็นกลางของนายพลกองแรงต่อไปว่างั้นเถอะครับก็ในทำนองนั้นแหละนอนสตาความจริงแล้วเราน่าจะหาหนทางพเดชศึก ตัดไฟแต่ต้นหลมสังหารในพลกองแลเสียแล้วก็ตั้งผู้นําขึ้นมาใหม่ทีนี้เราก็เลือกคนที่ไว้ใจได้จริงๆเขาไปเป็นผู้นําก็สิ้นเรื่องมันก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดอีกนั่นแหละฝ่ายเซนนาธิการระดับสูงเคยพูดเรื่องแบบนี้มาแล้วทุกคนก็ลงความเห็นเหมือนกันหมดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทําอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาล่ะครับไม่รู้สินั้นผมรู้คนที่จะสังหารในพลกองแรได้ก็คือคอมมิวนิสนั่นเองเอาไว้ถึงวันที่พวกเวเนซุเอลาเขายึดครองลาวทั้งประเทศได้หมดเมื่อไหร่นั่นแหะ เราค่อยมาดูเขาสังหารในพลกองแรงกันคุณจะได้อยู่ดูเลยนะสตาเอา้าถ้าผมไม่ได้อยู่ดูแลจะไปไหนล่ะครับผมกลัวเวียดนามเหนือมันไม่ยอมให้คุณดูสิคงนั้นหรืงทา้งนั้นนะครับไม่รู้จะตอบยังไงดีทั้งๆที่มีเรื่องตั้งมากมายที่อัดอั้นอยู่ในความรู้สึกอุดมการณ์ที่มีมานานในการต่อสู้กับคอมมอนิสต์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักล่าสังหารยังละอุคุกรุ่นตลอดเวลากระทั่งมารู้ถึงแผนการและวิธีการของมันเขาความเล่าร้อนเหล่านั้น ถึงเพิ่มทวีขึ้นไปอีกใจนั้นอยากจะเข้าไปห้ามหัน่นฟังหานฟังเสียให้รู้แล้วรู้ลอดไปแต่ก็จนปัญญาเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยสุดท้ายต้องหันมาทางพันเอกนอร์แมนอีกครั้งแล้วที่เคเนลเลือกผมมาเนี่ยเพียงเพื่อที่จะรับฟังเรื่องเท่านี้เหรอครับเฮ้ยไม่ใช่นะนสตานี่เป็นเพลงไตเติลเท่านั้นเองนั้นผมว่าเคเนลเริ่กงานได้คุกรุ่นตลอดเวลากระทั่งมารู้ถึงแผนการและวิธีการของมันเขาความเล่าร้อนเหล่านั้น จึงเพิ่มถอยมองที่พันตรีโรเจอร์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ต้องการคําตอบอะไรแต่คนถูกมองกลับมีความคิดเห็นที่จะเสนอแนะขึ้นมาทันทีเรื่องเงินก่อนสิครับคเอลโอเคเรื่องเงินก่อนก็ได้จริงสินะถ้าจะพูดเรื่องภารกิจมันต้องพูดเรื่องเงินก่อนไม่งั้นสมองทุกคนที่ร่วมวงคุยเลยถือเป็นเรื่องคบขันไปเสียงหัวเราะที่ไม่ได้ออกมาจากใจแม้จะแปลงไปบ้างแต่ก็ช่วยให้ใครเครียดได้เหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นการทํางานของพวกเขาหาใช้เงินเป็นสําคัญ อุดมการณ์และความเครยียดชังในรัฐที่อุบาทนั้นออกจะมากกว่าเสียด้วยซ้ํางานเนี้คนละสามพันดอลลาร์สำหรับการพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายฝึกทหารในพลกองแลและอีก2 0 0 0 0ืดอลลาร์สำหรับการนํากําลังเข้าโจมตีค่ายฝึกเท่านั้นทุกครั้งที่มีการตั้งราคาค่า ง, งวดสําหรับการปฏิบัติภารกิจผู้นักล่ารับจ้างที่มักเอ่ยถึงเงินก่อนก็ไม่เคยที่จะต่อรองในราคาที่กองทัพสหรัฐตั้งให้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเป็นเครื่องชี้บอกได้ว่า พวกเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินจนเกินไปนั่นเองดังนั้นเมื่อทราบราคาค่าเหนื่อยที่น่าจะเรียกค่าเสี่ยงมากกว่าทุกคนต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความพอใจความจริงแล้วในชีวิตทหารนั้นไม่มีการที่จะมาตั้งราคาค่าเ ง, งินสาหรับการรบแต่อย่างใดหากมีศัตรูที่จะต้องฝังหานอยู่ที่ใดผู้บังคับบัญชาสามารถจะสั่งการให้เคลื่อนย้ายกําลังเข้าปฏิบัติการได้ทันทีนั่นเป็นแบบธรรมเนียมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของทหารอยู่แล้ว ทหารจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆแม้ว่าความตายจะรอรับอยู่ข้างหน้าก็ตามจ้าดาวเหนือโหดร้อก่อนจะเอ่ยคำต่อคอณเ้วผู้ต่อให้หมดเลยครับผมว่าอย่าใส่ใจกับเมเจอร์สองคนนั้นเลยเฮ้โนสตาทำไมเอาความดีความชอบคนเดียวเล่าพันตรีคอร์ลินอุทานเสียงสูงกดเลยต้องมีการโหดร้อขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกระท่งพันเอกนอร์แมนพูดออกมาทุกคนจึงเงียบ ภารกิจคราวนี้เรามีข่าวสารน้อยมากเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างไกลเกินไปนอกจากนี้บริเวณนั้นไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวพวกเวียดนามเหนือเราจึงไม่มีกําลังวางไวการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่เราใช้หลักการสายลับนั้นเราจึงได้ข่าวสารมาน้อยแล้วข่าวสารเหล่านั้นก็ไม่ค่อยประติประต่อกันด้วยปัญหาเนี่ยนับเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเราเคยใช้การลาตระเวนทางอากาศตรวจสอบพื้นที่บ้างหรือเปล่าครับแน่นอนเราต้องใช้แต่มันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีนั่นแหละพื้นที่ที่เป็นป่าทึบขนาดกว้างใหญ่ ประกอบ ก, บกับการพลางที่ดีเลิศเครื่องบินไม่มีทางจะทำการถ่ายภาพทางอากาศได้เลยแม้แต่การใช้ดาวเทียมถ่ายภาพด้วยระบบรังสีอินฟราเรดก็เถอะตอนที่4ในสมองต้องใช้ความคิดอย่างหนักทันทีเมื่อปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของเป้าหมายมีไม่มากพอภารกิจนี้คงไม่ต่างกับตาบอดคำช้าง แต่อย่างไรก็ตามโดวยวิญญาณและสัญชาตญาณของนักล่าสังหารแม้จะอยู่ในคราบนักล่ารับจ้างก็ตามทีไม่ได้คิดเลยว่างานนี้จะยากรลวกับงมเข็มในมหาสมุทรกลิ่นไออันหอมหวนของดอลล่ายังสามารถจะยืนยันได้ว่างานนี้ต้องสําเร็จก็เลยนิ่งฝังเสนาธิการใหญ่ว่าต่อไปเอาหน้านอสตาคุณไม่ต้องกังวลให้มันยุ่งยากหัวใจหรอกนะ ผมเชื่อว่าคุณทำได้ร้อเปซสำหรับงานเนี้ยแล้วผมไม่กำหนดเวลาให้คุณด้วยผมให้เวลาคุณเหลือเฟือเลยคุณเอาเต็มที่เลยจนกว่าคุณจะพอใจงานเนี้ยเป็นงานพิสูจน์ทราบที่ตั้งบางทีคุณอาจต้องลาดตะเวนไปจนทั่วทุกตารางนิ้วของแขวงพงศาลีแล้วคุณไม่พบอะไรเลยมันก็เป็นไปได้ไงแล้วถ้าไม่พบอะไรเลยคนละสามพันดอลลาร์ก็โอ้สิครับ พันตรีคอรลินพูดถึงเงินค่าเสี่ยงขึ้นมาอีกจ่าดาวเหนือรู้ทันทีว่างานนี้พันตรีอเมริกันทั้งสองคงจะร่วมไปด้วยแน่ซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะที่เคยร่วมงานกันมานั้นพอจะคุยได้เต็มปากว่าไม่ผิดหวังไม่ต้องตกใจเมเจอร์ขอได้คําตอบมาเถิดทางเรายินดีจ่ายยังไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นงั้นเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นี่น่ะไปถึงส่งลงเราก็หลบนอนเงีสักสามเดือนแล้วก็กลับมารับเงินอันเนี้ยนอะสตาคุณว่าไง ผมไม่กล้าเสี่ยงกับพระเจ้าหรอกครับเมเจอร์พันเอกหนอแมนต้องหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อได้ยินตลกแบบอ้างพระเจ้าใจนั้นเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขาจะไม่โกหกผู้บังคับบัญชาและตัวเองเป็นอันขาดในซองเนี้ย เป็นประวัติของพันตรีคำผายวิลายพันที่เราได้มาจากกองทบกลาวเชิญพวกคุณทั้งสามศึกษารายละเอียดเราเองรายละเอียดอย่างอื่นทางผมไม่มีเลยทราบอยู่อย่างเดียวว่าที่ตั้งค่ายฝึกแห่งนี้อยู่ในพื้นที่แขวงพงสาลีทางตอนเหนือของประเทศลาวเท่านั้นจากดาวเหนือรับซองเอกสารที่มีอักษรภาษาอังกสีแดง Top ปสีเข และคำว่าในราชะการกองทัพ บ, บกแห่งสหรัฐอเมริกาประทับอยู่อย่างเฉยเมยแล้วส่งต่อให้พันตรีคอรลินที่นั่งอยู่ข้างๆเอาไปเปิดดูส่วนตัวเองกับเพ่งสายตาไปที่แผนที่ยุทธการด้วยความสนใจเมืองหรือแขวงพงสาลีมีที่ตั้งอยู่ทางเหนือเกือบจะสุดเขตแดงของประเทศอันมีเมืองวาเมืองฮาหินเมืองโอตายเป็นเมืองบริวารพื้นที่ภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ติดต่อกันเต็มพื้น ทั่วทั้งแผ่นแผ่นที่เฉลี่ยความสูงถึง 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลและไม่น่าเชื่อที่หมู่บ้านเราสซันนั้นสูงถึง 6,346 เมตรผู้น้ำหวนที่กั้นแนวชายแดนกับสั ญ, ญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวสดแสดงถึงความทึบของป่าที่จัดอยู่ในชั้นป่าดงดิบเป็นความยาวนับ100กิโลเมตร ชื่อหมู่บ้านที่ปรากฏในแผนที่ที่อ่านและสะกดจากภาษาชาวเขามาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเชื่อว่าเจ้าของภาษาทั้งสองภาษาเองก็คงอ่านไม่ออกหรืออ่านได้ถูกตองยากเต็มทนไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไม่มีบึงหรือทะเลสาบไม่มีถนนขนาดใหญ่นอกจากทางเดินเท้าหรือทางเกวียนไม่มีหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดใหญ่นอกจากจุดที่เป็นที่ตั้งของเมืองไม่มีพื้นราบไม่มีทุ่งนากว้าง นี่คือรายละเอียดเบื้องตน้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่ศึกษาจากแผนที่ยุทธการแผนที่ที่จัดทำมาจากภาพถ่ายทางอากาศในปีปัจจุบันยังมีความทันสมัยที่สามารถให้รายละเอียดที่แท้จริงได้จ่าดาวเหนือตีสีนา ม, มุยแบบบอกบุญไม่รับก่อนจะกลับมานั่งที่เดิมยิ่งกว่านกรกสิเชสเป็นไงนองสตาคิดว่าพันดอลลาร์น้อยไปไหมไม่หรอกครับคเดลผมว่ามันออกจะมากเกินไปด้วยซเอา้าทาไมล่ะ เงินสามพันดอลลาร์กับที่กองทัพสหรัฐจะต้องเสียเวลารอคอยข่าวที่นานถึงสามปีผมว่าน่าจะลดรายจ่ายลงสักหน่อยก็จะดีครับทั้งสามอเมริกันโอลล์ออกมาแบบไม่เต็มเสียงหนักเพราะเข้าใจในความหมายของจ่าดาวเหนือดีว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เ, เสียแล้วพันเอกนอร์แมนก็เลยต้องถามถึงเหตุผลคุณน่าจะเล่าเรื่องที่คุณหนักใจให้ผมฟังหน่อยนะครับคเอลมหาสมุทรใหญ่โตมากจนคิดว่าภารกิจงมเข็มครั้งนี้อาจต้องล้มเหลว ภูมิประเทศที่มีป่าดงดิบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นจะบบมีบาร์มีไนท์คลับสักแห่งไหมถนนไม่มีก็คงไม่มีรถวิ่งก็เลยอยากจะคิดว่าคนที่นั่นเขาใช้เครื่องบินเป็นพานะกันแบบที่อ阿拉斯าชาวเขาสารพัดเผ่าคงใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ภาษากรีกโบราณเป็นภาษากลางตอนนี้เป็นหน้าหนาวสําหรับภูมิประเทศที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลแบบที่นั่นผมคิดว่างานเนี้ยเราจะลืมฮีเตอร์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดยังมีอีกหลายอย่างครับ ที่จะส่งเสริมให้งานเนี้ออกรสชาติโดยเฉพาะระยะทางที่ห่างไกลขนาดนั้นการติดต่อสื่อสารที่อาจต้องขอดาวเทียมสแตนบายสำหรับพวกผมสักดวงหรือสองดวงเลยล่ะครับไม่มีใครขำขันกับโจกคนที่พูดพูดแบบหน้าตายมันมีอารมณ์สุนทรีกับคำประชดเหล่านั้น แต่คนฟังที่เชื่อมั่นในประสบการณ์ของจ่าดาวเหนือในเรื่องของการคาดการกับรู้สึกสะถานไปทั่วลางทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความยากลําบากที่มาจากธรรมชาติทางศิลิมแม้ไม่นับรวมกับภัยที่มาจากน้ํามือมนุษย์ที่เป็นศัตรูก็นับว่าเหลือที่จะทนความที่คนต่างเกิดมาในสภาพของความคลั่งพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญที่แตกต่างกันเมื่อถึงคราวต้องฆาดสิ่งเล่านั้นไปคงต้องลองเข้าไปสัมผัสดูว่า พวกเขาเหล่านั้นจะมีความอดทนเหนือกว่าคนธรรมดาสักเท่าไหร่พันตรีคอรินที่มักมีอารมณ์ขันและออกจะจริงจังกับการทำงานเอามากๆหันมากระซิบกระซาบกับจ้าดาวเหนือแบบที่ได้ยินกันเพียงสองคนนอสตาคุณจะปฏิเสธงานนี้เหรอทำไมล่ะครับถ้าเราปฏิเสธมันเ้วยสิทธิของเราอยู่แล้วนี่โอเคเรื่องนั้นนะผมเข้าใจแต่ถ้าคุณปฏิเสธนะเงินก้อนโตจะลอยหายไปทันทีเลยนะ อ๋อผมเพิ่งเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรงั้นเอ า, อางี้ก็แล้วกันผมให้อำ น, นาจเมเยอร์เลยสำหรับต้องการรับหรือปฏิเสธงานเนี้ยโอเคขอบคุณงั้นงานเนี้ไม่มีคำว่าปฏิเสธนะหมายว่าที่นั่นจะเป็นนรกขุมไหนก็ตามว้าวนอสตางานเนี้มันแน่งานหรือเงินพระเอกนอร์แนเป็นคนเอ่ยถามลอยๆเอยอทั้งสองอย่างแหละครับคุเดลงั้นขอพระเจ้าเ ข, าข้าข้างพวกคุณก็แล้วกันแต่ผมเชื่อกองทัพมากกว่าพระเจ้าครับทำไมล่ะ ก็กองทัพมีหอมีปืนพระเจ้ามีแต่คำภีไม่มีความหมายแล้วครับสำหรับสนามรบอ่ะพระเอกนอรแมนไม่ตอบอะไรนอกจากหัวเราะเราหันไปทางจ่าดาวเหนือเพื่อที่จะปรึกษากันต่อคุณต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะส่วนที่ผมไม่มีนะนะั้นน่ะคุณก็รู้แล้วแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะมีคําถามมากกว่านี้สักหน่อยนะนอร์สตาครับเคอร์เนลข่าวสารเกี่ยวกับค่ายฝึกแห่งเนี้กองทัพสาสตร์ับได้มาจากไหนครับ ข่าวเนี้ยเราได้มาจากแหล่งข่าวในกองทัพจีนที่ปักกิ่งเราทราบมาว่าปีเนี้จะมีการขยายแผนการช่วยเหลือเรื่องการฝึกสอนกําลังรบพวกนี้กําลังติดอาวุธทั้งกําลังทางการเมืองให้มากเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวปีเนี้พวกทํางานด้านการเมืองจะถูกส่งไปรับการอบรมรัฐทิและแนวทางปฏิวัติที่ประเทศจีนมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับที่ทางจีนจะส่งผู้ชํานาญการเข้ามาฝังตัวอยู่ในลาวเพื่อชี้นําในการปฏิวัติเพิ่มขึ้นอีก สำหรับพวกที่เข้ามาฝังตัวอยู่ในเมืองนั้นคุณไม่ต้องห่วงเพราะเรามีการติดตามความเคลื่อนไหวตหลอดเวลาอยู่แล้วแต่ที่เราเป็นห่วงอย่างมากก็คือไอ้ค่ายฝึกในรกหมกไหมนี่แหละผมคิดว่าถ้าเราตัดเขี้ยวเล็บของในพลกองแลอันนี้ลงได้เชื่อว่าในพลกองแลก็คงไม่ต่างกับลูกแกะตัวหนึ่งเท่านั้นเองเรามีแหล่งข่าวที่ประกบในพลกองแลที่จะคอยรายงานเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับ แรงข่าวนะมีแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นักหรอกนะเพราะในพลกองแรแกเป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆคนจะเข้าใกล้ตัวจริงๆต้องเป็นคนที่แกลเลือกมาโดยเฉพาะเท่านั้นเราก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราแต่ว่าคีเนลแน่ใจนะครับว่ามันมีค่ายฝึกอยู่ที่นี่แน่ใจสินอสตาคือเอางี้ถามีกค้งครับเคเนลมันมีค่ายฝึกนี้อยู่บนโลกจริงๆนะอา้าวอสตา เราตรวสอบข่าวนี้ที่ปักกิ่งกับการดักฟังทางวิทยุสื่อสารว่ามันมีจริงมันมีการสนับสนุนกันจริงเพียงแต่เรายังหาหลักฐานพิกัดที่ตั้งแน่นอนไม่ได้ก็เลยต้องมาใสยคุณไงเล่าโอเคโอเคครับถ้าคุณแน่วมั่นใจว่ามันมีอยู่บนโลกจริงๆอ่ะผมก็สบายใจพราะเชื่อวอาค่ายฝึกมันคงมีขนาดใหญ่กว่าเข็มแน่ คุณอย่า ก, กังวลไปเลยน้าเนาสตาผมแล้วก็ฝ่ายเสทุกคนนะมั่นใจว่าไม่เกินขีดความสามารถของคุณแล้วก็ไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับงานนี้เท่าคุณด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะทํางานพลาดไม่เป็นไม่ใช่หรอครับแต่ถึงยังไงผมก็เชื่อมั่นในตัวคุณอยู่ดีนั่นแหละความมั่นใจแบบนี้ถึงแม้จะพยายามบายเบียงอย่างไรก็ไม่มีทางคลายหรือเปลี่ยนแปลงท่าทีไปได้แน่จากดาวเหนือก็เลยไม่พูดอะไรอีกกลับหันมาทางพันตรีมรดกันทั้งสองเมเจอร์ Major. คิดว่าเราควรใช้เวลาสำหรับงานนี้สักเท่าไหร่ดีครับคงไม่เกินสามเดือ น, น, นอเนาะตาเมเจอร์เอาอะไรมาวัดความแน่ใจฝีมือคุณไงเล่าจ่าดาวเหนือต้องใส่หัวอีกใจจริงนั้นคนอย่างเขาไม่ต้องการหรือชื่นชมคำชมแบบนี้เลยเพราะมันไม่มีประโยชน์อันใดไม่สามารถจะช่วยสำเร็จภารกิจดูลอดพ้จากเนื้อมือของศัตรูได้ห้าพึงคราว อันคำชมนั้นถ้าจะเปรียบคงเหมือนน้ำตาลที่เคลือบบนบอระเพ็ดการหลงระเริงในคำสรรเสริญเยินหยอเป็นหนทางแห่งความประมาทเป็นการรู้เพียงตัวเองไม่รู้ค่าศึกรบที่ไหนแพ้ที่นั้นจ่าดาวเหนือ น, นั้นต้องการแต่คำติคำแก้ไขหรือจุดบอดจุดบกพร่องเสียมากกว่าแต่ในสภาพแบบนี้ดูเหมือนจะหาได้ยากเอาจริงๆทั้งนี้และทางนั้นมันเป็นธรรมเนียมประเพณีแบบอเมริกันในการที่พูดคุยกันมักจะต้องชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่อย่างออกหน้าออกตา จากดาเหนือย้อนกลับมาที่พันเอกนแม่อีกครั้งเหมือนจะมีคำถามให้แก่เขาภารกิจนี้คุณต้องการคนนำทางหรือล่ามภาษาหรือเปล่าคงไม่หรอกครับคเนลเพราะถึงอย่างไรมันก็คงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากไปกว่าพวกเราหรอกครับแล้วคุณไม่คิดหรือว่าคุณอาจมีความจําเป็นที่ต้องรู้เรื่องภาษาท้องถิ่นรู้ไปทําไมล่ะครับก็อย่างเช่นคราวที่ต้องการข่าวสารหรือรีดข่าวอะไรอย่างเนี้ยแล้วคเนวรู้หรือครับว่าภาษาท้องถิ่นที่นั่นมีภาษาอะไรบ้างเรื่องนี้ไม่ยากผมจัดการให้คุณได้ ที่นั่นมีแต่ชาวเขาไม่รู้เผ่าอะไรตอมิเผ่าอะไรมากมกายก่กองถ้ า, ามีสักสิบเผ่าผมไม่ต้องขดล่ามไปสิบคนหรอกครับก็อาจจะไม่มากขนาดนั้นก็ได้เราก็คัดเลือกเอาคนที่พูดได้หลายๆภาษาสิคือเนืหาไม่ได้หรอครับคนที่ดีมักไม่ใช่คนที่ปฏิบัติได้คนที่ปฏิบัติได้มักไม่ดีเป็นนั้นว่าผมตัดเรื่องนี้ออกไปดีกว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของพวกผมแก้เกมกันเองดีกว่าครับโอเคงั้นก็ตามใจคุณขอบคุณครับ จาดาวเหนือตอบสั้นๆโดยสีหน้าไม่สะเบยนักหันมาที่พันตรีโรเจอร์อีกครั้งและรับซองประวัติของพันตรีคำผายวิไลพันในทหารสังกัดกองทบกเหล่าที่จงรักภักดีต่อขบวนการฝ่ายเป็นกลางทันทีที่คลี่รายละเอียดในซองประวัติออกดูจึงเห็นตอนที่ห้า พันตรีคำผายวิไลพันธ์เป็นเผ่าลาวลุ่มมีภูมิลำเนาทิ้นทานบ้านเดิมยืนในแขวงเวียงจันท์ปัจจุบันอายุประมาณ35ปีมีการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนในประเทศที่ค่อนข้างดีความรู้ทางทหารเคยผ่านหลักสูตรสำคัญสคัญบางหลักสูตรจะ ก, กองท บ, บกไทยที่น่าสนใจอย่างมากเห็นจะเป็นการฝึกหลักสูตรพบอผ่านทหาราบและหลักสูตรเสนาธิการทหารบกจากประเทศฝรั่งเศสนี่เอง เคยเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าเมื่อครั้งในพลกองแลทําการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจรัฐแล้วสถาปนาตัวเองจากร้อยเอกเป็นนายพลโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นนายพลตรีพลโทรหรือพลเอกแต่ทุกคนเรียกแกงง่ายๆว่านายพลเท่านั้นประวัติการลบค่อนข้า ง, งจะโชคชนได้รับชัยชนะมาโดยตลอดเขาคือคนหนึ่งที่มีขีดความสามารถเป็นที่คลั่งคลามของฝ่ายซ้ายละเวียดกงเมื่อครั้งสมรภูมิทุ่งหหินพันตรีคําผายที่มียศเพียงร้อยโท จบหลักสูตรพอบอพันจากฝรั่งเศสมาสดสดร้อนๆนากําลังทหารลาวไอ้หนองจํานวนหนึ่งกองพันซึ่งมีกําลังพลเพียง200 อ, อยกว่านายเข้าทําการต่อสู้กับทหารลาวเหมือนกันแต่เวลาวฝ่ายสายของเจ้าสุพานุวงศ์ที่มีกําลังมากกว่าถึงสองเท่าแต่กําลังฝ่ายร้อยโทคําผายสามารถใช้ความกล้าหาญและหลักการทางยุทธวิธีที่ร่ำเรียนมาจากประเทศมหาอำนาจเข้าสลายกําลังฝ่ายสายจนแตกกระจุย จับเป็นและยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้จํานวนมากเหตุการณ์รบครั้งนั้นสร้างให้คนอย่างร้อยโทคำไผยวิไลพันธ์ในทหารหนุ่มโด่งดังทะลุฟ้าเขากลายเป็นวีร บ, บุรุษแห่งทุ่งไหอยหินที่ทุกคนต้องสยบให้และจากฉากการรบครั้งนั้นนั่นเองทําให้เขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เป็นฝ่ายขวาและจากแรงพลัก ด, ด้ันของฝ่ายเป็นกลางที่ส่งเขาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนาธการทหารบกจากประเทศฝรั่งเศสทันที ความจงรักภักดีที่้อยโทรคำไผยวิไลพันธ์มีให้แก่นในพลกองแลนั้นมันมากมายจนแทบจะตายแทนได้เขาจึงทุ่มเทชีวิตและกําลังทุกส่วนที่มีอยู่ให้กับความจงรักภักดีนั้นแม้ว่าผู้บังคับบัญชาที่เริ่มหลงผิดมีความเอ็นเอียงในแนวทางการปกครองแบบนิยมฝ่ายซ้ายอย่างเห็นได้ชัดนั้นร้อยโทคําผ่ไม่มีความรู้สึกตะคิดตะขวงหรือคัดค้านใดๆเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวความคิดและรูมการทางการเมืองเพื่อตอบสนองแก่คนที่มีพระคุณได้ทุกขนาดจิต หลังจากที่กำลังฝ่ายสายของนายพลกองหลัได้รับการท้าทามจากมิตรประเทศจีนคอมมิวนิสต์ที่มีเหมาเจ๋อตงเป็นประมุกให้เข้าร่วมขบวนการจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกอย่างสำหรับการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองและยินดีที่จะแต่งตั้งให้ในายพลกองหลัเป็นผู้นำประเทศต่อไปเมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงในหลักการกันได้ดังนั้นการเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงจึงเริ่มขึ้นอาวุธจำนวนหนึ่งผู้ชำนาญการทางทหาร ผู้ชํานาญการทางการเมืองการฝึกหัดนักรบสําหรับการปฏิบัติการทางอาวุธแม้กระทั่งเงินงบประมาณจีนทุ่มเทให้ยังไม่อันแต่ทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องกระทําแบบปิดลับที่สุดซึ่งจะให้รู้ไม่ได้แม้แต่คอมมอนนิสต์เวียดนามหรือโซเวียตและนี่คือที่มาของพันตรีคําพายวิไลพันธ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการฝึกสอนกาลังรบที่ค่ายฝึกพงสาลีจาดาวเหนือเก็บรายละเอียดประวัติพันตรีคําพายวิไลพันธ์เข้าสองอย่างเดิม คงเหลือรูปถ่ายสามสี่ใบที่ยังอยู่ในมือสายตาเพ่งมองอย่างพินิจพิเคราะห์อาการสงบนิ่งกับกรามที่นูนออกมาเป็นสันในบางครั้งบ่งบอกถึงอารมณ์ภายในคิดอยู่เหมือนกันว่าคนอย่างนี้ไม่น่าจะเก็บชีวิตมันเอาไว้อีกคนประเภทนกสองหัวแบบนี้อยู่ที่ไหนมิแต่ความเดือดร้อนคนแบบนี้ไม่มีความจริงใจต่อใครมันฆ่าได้แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใจนั้นภาวนาขอให้ได้พบกับคนคนนี้ ในสมรภูมิที่อาจเป็นไปได้แห้งนั้นทีเถิดเมื่อถึงเวลานั้นเขาเองเท่านั้นที่จะเป็นคนยิบยืนความตายให้กับมันเองตาดูสมองคิดกระทังคิดว่าชาตินี้จะไม่มีวันลืมเหลือนภาพของคนคนนี้เป็นอันขาดนั่นแหละจึงเก็บรูปนั้นคืนเข้าซองเอกสารอย่างเดิมพร้อมกับยื่นส่งให้กับคนที่ให้มาตั้งแต่ตอนแรกไม่มีคําพูดใดออกจากปากอีกคุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับบุคคล น, นี้ฆ่ามัน เพียงสองคำที่แสนสั้นจะปากปคนที่ถูกถามแววตาที่ชายเย็นไลซึ่งความปราณีพูจบก็ผ่าอกจากห้องเพื่อหากาแฟตามรักนิยมแบบอเมริกันไม่ได้สนใจเลยว่าพันตรีอเมริกันทั้งสองจ้องมองดู ด, ด้วยสายตาที่ค้างเติง่งคำพูดที่แสนสั้นนั้นมีความหมายที่แสนจะยาวยากนักที่จะอธิบายและไม่ใช่ของง่ายที่จะปฏิบัติกรนั้นก็ตาม ในใจของพันตรีอเมริกันทั้งสองนายยังเชื่อมั่นว่าคนที่พูดนั้นสามารถทำได้จริงๆทั้งสามอเมริกันไม่มีใครพูดอะไรกับใครในขณะที่มองแผ่นหลังคนที่พูดตั้งแต่ก้าวเท้าออกไปกระทั้งกับเขามานั่งนที่เดิ ม, มเมเจอร์ไม่สบายเหรอครับเปล่าผมไม่ได้ไปอะไรพันตรีคอร์ลินละลัมละลักตอบคาถามจ่าดาวเหนือ ราทาทีที่เลื่อนรอยของแกชวนให้ถามจากดาวเหนือก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากยกกาแฟถ้วยนั้นขึ้นจิตเบาๆแล้วตามด้วยบุหรี่ที่ถนัดคุณจะเริ่มงานเมนื่อไหร่นอสตาพันเอกนอรแมนเป็นคนถามขึ้นแต่คนที่ถูกถามกลับหันไปที่พันตรีโรเจอร์เริ่มเมื่อไหร่ดีครับเมเจอร์พรุ่งนี้หรือเมื่อนเลยดีไหมผมก็ว่าดีครับแต่กลัวจะไม่ทันใจเคอร์เนลที่จะให้ไปกันเดี๋ยวนี้เลยสิครับ จะดาวเหนือหันมาสะพยายกพันเอกนอรแมนอีกจนได้เฮ <Hey, S 1> ผมไม่ได้พูดหรือสั่งอย่างนั้นเลยนะเรื่องนี้มันแล้วแต่พวกคุณอา้าวงั้นผมก็เข้าใจผิดไปเองสักพุ่งนี้เย็นหรือรค่าเราคงออกเดินทางกันได้แหละครับโอเคงั้นตามใจคุณก็แล้วกันยังไงยังไงผมรู้ล่วงหน้าสัก30นาทีนะจะได้เตรียมหอให้กับคุณทั้ง14คนได้ทันปัญหาเรื่องวิทยุติด ต, ต่อสื่อสารไอคอมที่ใช้อยู่ผมคิดว่าระยะมันไกลเกินอาจติดต่อไม่ได้คีเนลจะแ ก, ก้ปัญหานี้ยังไงครับ เรื่องนี้ผมก็คิดเอาไว้แล้วเหมือนกันเราอาจต้องใช้เครื่องบินบินไปรับข่าวหรือไม่ก็เป็นตัวรีเลย์ให้ตามกําหนดตามเวลานัดหมายหรือคุณจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะก็คงต้องใช้วิธีนี้แหละครับขอบคุณครับจ่าดาวเหนือมักมีน้ําใจในการทํางานเสมอรู้ดีว่างานทุกชนิดย่อมมีปัญหาเมื่อมีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ปัญหาคนย่างเขามักไม่เรียกร้องให้เกินความจําเป็นบ่อยครั้งที่เขาต้องทํางานแบบช่วยเหลือตัวเองเมื่อหน่วยเหนือไม่มีสิ่งของสนับสนุน พันเอกนอร์แมนขอตัวไปตรวจงานบางอย่างข้างนอกจ่าดาวเหนือกับพันตรีเมริกันทั้งสองซึ่งบัด น, นี้เข้าสังกัดหน่วยนักล่าดลับจ้างอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากที่ร่วมงานกันมาหลายต่อหลายครั้งทั้งสามคนกลับมาที่พักสมทบกับนักล่าดลับจ้างอีกสิบเอ็ดคนที่รอรับฟังข่าวอยู่จ่าดาวเหนือใช้ เ, เวลาไม่นานนักสำหรับการอธิบายแผนงานให้ลูกน้องฟังหลังจากนั้นการเตรยียมอุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มขึ้น อาวุธและอุปกรณ์พิเศษดูไม่มีปัญหาเพราะเคยใช้หลายครั้งแล้วแต่งานนี้ต้องเพิ่มอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเข้าไปอีกจากปัจจุบันที่อุณหภูมิในเวียงจันทร์ค่อนข้างจะหนาวแล้วพื้นที่ทางเหนือของประเทศขึ้นไปอีกเป็นร้อยกิโลเมตรมีหรือจะไม่หนาวกว่านี้เพียงวันนั้นวันเดียวการเตรียมการก็เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาเพียงค่ำคืนนี้กับวันรุ่งขึ้นที่จ่าดาวเหนือรวมทั้งผู้ร่วมคณะคนอื่นๆจะมีเวลาคบคิดถึงปัญหาสําคัญของภารกิจ จากการที่ข่าวสารเบื้องต้นน้อยเกินไปแบบนี้แม้จะพยายามคิดเท่าไหร่ก็ยังคิดไม่ออกว่าทิตั้งของเป้าหมายมันควรจะอยู่ณจุดใดของพื้นที่เป็นไปได้ถ้าหากเขาจะต้องท่องป่าเปจนทั่วพื้นที่แขวงพงสาลีจนกว่าจะยืนยันได้ว่าเป้าหมายแห่งนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่เวลาที่เหลือก่อนออกเดินทางนั้น ทั้งสิบสี่คนไม่มีใครที่มีกระจิตกระจายหาความสนุกสนานไม่คิดจะออกไปท่องลาตตีดื่มเหล้าหรือทำอย่างอื่นแม้แต่สนุกเกอร์ที่ทุกคนชอบแนวความคิดของแต่ละคนที่เกิดจากประสบการณ์ถูกนำออกมากทกแถลงกันอย่างเอาจริงเอาจังแม้แต่บางครั้งที่พันตรีมริกันทั้งสองต้องใช้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดจากฝ่ายข่าวแต่แล้วทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถที่จะนามาเป็นข้อสรุปได้ มาถึงตอนนี้ดูเหมือนความพร้อมลบตามแบบฉบับของกองทัพอันเกรียงไกร ย, ยังสหรัฐอเมริกานั้นด้อยลงไปถนัดเมื่อผูยิงใหญ่ทั่วทุกมุมโลกไม่สามารถหารายละเอียดของค่ายฝึกที่มีค่าเพียงปลายเล็บได้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสำหรับการงมเข็มในมหาสมุทรคราวนี้เมื่อไม่มีทางหารายละเอียดให้ได้มากไปกว่านี้ก็มีทางเลือกอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นคือการเดินทางไปดูด้วยตาตัวเอง เกือบสี่โมงเย็นวันนั้นเฮลิคอปเตอร์แบบซีนุกจำนวนสองเครื่องเป็นพาณิชย์นส่งนักล่าหลับจางได้ทะยานขึ้งสู่ทองฟ้าเหนือที่ตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศเลาวไม่มีใครสนใจในการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่เขาพบเห็นเป็นสิ่งปกติประจําวันอยู่แล้วแม้ชายชะ ก, กันที่อยู่ในเครื่องแบบสีดําสนิทกับซองหนังที่บรรจุปืนพกรุ่นพิเศษที่เจตนาจะปิดบังจากสายตาผู้คนทั่วไป ก็ไม่มีใครสนใจอีกเช่นกันการเดินทางคราวนี้เป็นไปตามแผนที่ตกลงกันซึ่งมาเช็คระยะทางกับเวลาบินแล้วสามารถถึงจุดส่งลงพรบค่ำพอดีนั่นเป็นการพลางการลงและเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้จากดาวเหนือตัดสินใจเลือกเอายอดเนินที่สูง 5,643 เมตรจากระดับน้าทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของแขวงพงศาลีเป็นจุดเริ่มตน้นพื้นที่ที่เป็นป่าทึก ไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นดินเหนือ ย, ยอดเนินนั้นไม่ได้สร้างปัญหายุ่งยากแั่อย่างใดเมื่อการส่งลงครั้งนี้ใช้สายไนล่อนขนาดใหญ่ที่มีฮุกเกอร์เกาะเข้ากับลําตัวที่หน้าอกแล้วลอกไฟฟ้าจากเครื่องจะช่วยโรยสายไนล่อนนั้นให้คนที่เกาะอยู่ต่าลงมาเองคนแรกใช้ปลายสายแล้วปล่อยตัวให้ไหลลงมากระทั้งได้ระยะประมาณห้าเมตรคนต่อไปก็ใช้ฮุกเกอร์เกาะลําตัวแล้วลงตามมาเลย โดยไม่ต้องเสียเวลาดึงสายส่งนั้นกลับขึ้นไปใหม่รูปการจึงเป็นแบบทุกคนหลายเรียงกันมาตามลำดับใช้เวลาไม่ถึงนาทีสำหรับการลงจากทั้งสองด้านของหอคนเจ็ดคนก็สามารถสัมผัสพื้ได้ทั้งหมดพื้นดินที่โคนต้นไม้ใหญ่เป็นดินเตี้โลงไม่มีละเมาะไม้หรือไม้ซุ้มมากีิดขวางทางเดินให้ลขาขาดนักร่ารับจ้างทั้งเจคนในแต่ละลา กระจายกำลังกันเป็นลำดับแรกเมื่อไม่รู้มาก่อนว่าบริเวณนั้นจะมีเจ้าของเดิมพักอาศัยอยู่หรือไม่ถึงมีเขาจะต้อนรับหรือไม่ดังนั้นจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนหลอกและทั้งเสียงสีนุกทั้งสองเครื่องนั้นจ้างหายไปแม้ไม่เรียกกันทางวิทยุก็พอจะรู้ว่าพรักพวกอีกเจ็ดคนทูกซองลงตรงไหนดังนั้นทั้งสองพวกที่แยกลำกันมาจึงเดินเข้ามาหากันได้โดยไม่ยาก ตอนที่หจ่าดาวเหนือยังไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแม้แต่พิกัดที่ส่งลงการมองซ้ายขวานั้นไม่ใช่เป็นการหาทิศแต่เป็นการเลือกเส้นทางเดินเข้าสู่จุดที่คิดว่าจะสามารถทําการระวังป้องกันต่อที่ตั้งเมื่อจะต้องตั้งฐานลอยสําหรับการพักนอนกันคืนนี้ก่อนนั่นเองว่าแล้วก็สั่งการทางนี้ดีกว่าพวกเราออกเดินนําหน้าด้วยความมั่นใจในขณะที่ลูกน้องทั้งหมดจัดรูปขบวนเดินทันทีโดยไม่ต้องมีการสั่งการกันอีก ครั้งนี้เป็นครั้งที่เกือบลอยเราก็ได้ที่ต้องปฏิบัติกันอย่างนี้ดังนั้นทุกคนจึงทําไปโดยอัตโนมัติแม้แต่พันตรีเมริกันทั้งสองคนก็พร้อมที่จะกระจายกําลังแทรกเข้าไปในขบวนเดินและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการเกือบเที่ยงคืนของคืนวันนั้นเสียงเครื่องบินเมซาร์ยีฮอดังขึ้นเหนือท้องฟ้าระดับสูงกว่า3 0,000 ื่นฟุตตรงดิ่งกับจุดที่ตั้งฐานลอยไอวิทกับประชาที่เป็นเวรไม่ได้ปลุกคนอื่น ทางครูกดสวิตแจ้งที่อยู่อตโนมัติที่วิทยุทันทีแล้วหลอนอสตาจากสันไลเปลี่ยนเสียงนั้นเรียกมาสองสมครั้งที่ทั้งสองคนแกล้งปล่อยให้เรียกไปก่อนกระทั้งแน่ใจว่าเป็นเสียงของพันเอกนอแมนที่แท้จริงไอชาจึงเป็นคนตอบสันไลจากนอสตาเปลี่ยนโอเคตัวนอสตาไปไหนล่ะหลับครับงั้นไม่ต้องปลุกเขาก็ได้เป็งานเรียบร้อยมหเรียบร้อยดีครับโอเคดีมากผมถามข่าวเท่านี้แหละ บอกนอสตาด้วยแล้วกันพรุ่งนี้หกโมงเช้าผมจะมาใหม่ครับทราบไอชา ต, ตอบไปแล้วการติดต่อก็เงียบไปใจนั้นอดที่จะรู้สึกขอบคุณผู้บังคับบัญชายอย่างพันเอกนอร์แมนเสียไม่ได้ที่มีน้ําใจเป็นห่วงในการลบไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิใดก็ตามหากลูกน้องได้รับน้ําใจจากคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเสร็จแล้วมีหรือที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตตัวเองเพื่อที่จะแลกกับความสําเร็จของภารกิจที่ได้รับมาจากผู้บังคับบัญชาบ่อยครั้งที่ความล้มเหลวของภารกิจ เกิดจาความเห็นแก่ตัวของผู้บังคับบัญชาการสรั่งการทุกชนิดกระทําแบบกดปุ่มที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักรจะมีใครเชื่อหรือไม่ว่าที่แนวรบปัจจุบันทางด้านชายแดนไทยเขเมรที่มีเวียดนามเป็นศัตรูตัวสําคัญนั้นทั้งทหานหลักฐานพลานทั้งอสตตชดมีคําพูดคําหนึ่งที่กล่าวกันในหมู่ของพวกเขาชนิดที่คนฟังฟังแล้วอยากจะหัวเราะทั้งน้ําตาเขาพูดว่าเป็นหมวดในป่าเป็นจ่าในเมือง ความหมายของมันก็คือในยามที่อยู่ในที่ตั้งหรือในฐานปกติคนที่มียศเป็นจ่าก็ทําหน้าที่เป็นจา่าเป็นนายสิบธรรมดาๆคนหนึ่งเท่านั้นบางครั้งต้องถูกสับถูกโคกถูกด่าตั้งแต่ตัวเองไปจนถึงบรรพบุรุษจากคนที่เป็นนายที่มียศเป็นผู้หมวดผู้กองแต่เมื่อถึงเวลาต้องออกไปปะมือกับศัตรูด้วยอาวุธจริงกระสุนจริงความตายความพิการจริงผู้หมวดผู้กองเหล่านี้ไม่ค่อยออกไปหรอกแต่จะให้คนที่เป็นจ่ากออกไปโดยมอบตําแหน่ง ผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองลอยให้เขามีสิทธิ์และอำนาจสั่งการทำการลบได้อย่างเต็มที่ในสนามลบจนกระทั่งกลับมาถ้ารอดก็กลับสภาพเป็นจ่าอย่างเดิมที่พร้อมจะถูกด่าทุกโคอีกต่อไปหลายต่อหลายครั้งที่จ่าเหล่านี้ต้องพลาดท่าเสียทีแก่ศัตรูด้วยความที่อ่อนด้อยประสบการณ์หรือจะอะไรต่อเมียอะไรก็แล้วแต่ที่คนระดับจ่าจะทำอย่างคนที่เป็นผู้หมวดผู้กองจริงๆไม่ได้คืนแรกของภารกิจ ณ้ำฐานลอยกลางป่าเขาแขวงพงสาลีที่อยู่เหนือสุดของประเทศเลาวเครื่องกันหนาวทั้งแจ็กเก็ตฟิวที่มีชั้นในอีกชั้นหนึ่งไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความหนาวเนี่ยให้ลดลงได้เลยตลอดทั้งคืนไม่สามารถคมตาให้หลับลงได้ความหนาวกับความตายที่ต้องกลัวอย่างหลังไว้ก่อนนั้นทุกคนรู้ดีว่าเครื่องป้องกันความหนาวนั้นแสนที่จะเกะกะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหากถูกจู่โจมยังกระทันหันจะสลัดมันหลุดได้ทันหรือไม่ดังนั้นภายใต้สถานการณ์แบบนี้ ทุกคนจึงต้องอดทนและต้องอดทนให้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าสภาพอากาศจากเมื่อเย็นหวานกับเช้าวันรุ่งขึ้นมันต่างกันเล่ากับอยู่คนละซีกโลกในใจได้แต่ภาวนาให้ถึงเวลาแสงอาทิตย์เร็วๆซึ่งคิดว่าความร้อนนั้นจะช่วยผ่อนคลายให้ได้บางอย่างไรก็ตามเหตุการณ์คืนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถผ่านผลไปได้ด้วยดีเป็นไงโนสตาเมื่อคืนหลับสบายไหมคำถามแรกในเช้าวันนั้นจากปากของพันตรีคอริน ที่นี่มันประเทศเดียวเ ก, กับที่เราอยู่เมื่อวานหรึเปล่าครับเนี่ยใช่สินี่แหละที่เขาเรียกว่า land that got forget ไงอากาศมันถึงได้แตกต่างกันมากขนาดนี้กี่ดีกีกันเนี่ยไม่เกินสิบละพันตรีคอลินตอบในขณะที่จ่าดาวเหนือต้องหวัวเหรอเมื่อพบกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเฮ้เมเจอร์ทำไมเวลาคุณพูดต้องมีควันออกปากด้วยละ่ะพันตรีเมริกันทั้งสองยิ้มออกมาในความขายันสื่อของจ่าดาวเหนือแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรอากาศที่เย็นมากๆแบบนี้ ความร้อนภายในทําให้เกิดไอออกมาเวลาพูดจากดาวเหนือต้องชำระเลืองตาลงเพื่อดูไอที่ออกมาจากปากของตัวเองบางเราหันไปมองรอบๆเพื่อตรวจสภาพลูกน้องเป็นไงวะเล็กหนาวชิบหายเลยพี่ผมว่าขอกลับดีกว่าว่าไงเปียกไม่เป็นไรพี่ถ้ารู้สึกหนาวก็พยายามนึกถึงดนล่าไว้ก็แล้วกันจริงๆพี่เงินสัอย่างให้ร้อนให้เย็นได้ทั้งนั้นแหละ ไอชาเสริมทันทีในขณะที่กําลังเอาผ้าคนหนูพันรอบหัวรองหมวกสวมหมวกแบบไอโมงอีกชั้นอย่างคมะคำเมนเห็นไอชาทําแบบนั้นจ่าดาวเหนือเองโก็อดที่เจ้ามือขยี้บริเวณกกหูตัวเองบ้างไม่ได้หมวกไอโมงที่ด้านไหนบุก ด, ด้วยขนสัตว์ดันนอกเป็นหนังอย่างดีกระนั้นยังรู้สึกชาไปทั้งใบหูปลายจมูกของไอชาแดงก่ําซึ่งก็คงเหมือนเหมือนกันกับทุกคนคลาดไดที่ใช้ถุงมือหนังที่ใส่อยู่นั้นรูบแม่เพียงเบ า, เบา ก็จะรู้สึกเจ็บเรากับเนื้อหนังที่ปลายจมูกมันหลุดออกมาออกวิ่งสักสี่ห้าโลสิวายุทธจา่าดเหนือแกล้งพูดออกไปเมื่อเห็นคนที่เป็นรองหัวหน้าชุดกําลังออกกําลังด้วยการวิ่งอยู่กับทีวิ่งอย่างแรงเพื่อเรียกความร้อนภายในกายให้ฉีดออกมาจ่ายยุทธพงศ์ไม่ได้ตอบโต้กับเล่งความเร็วขึ้นอีกเช่นเดียวกับไอหมอมนที่ใช้วิธีชกลมแบบนักมวยก่อไฟเถะพี่ไอ้เชฟเป็นคนเสนอความคิดออกมาบ้าง พร้อมกับที่ทุกคนตั้งเห็นด้วยจากดาวเหนือมองขวาง ม, มองสายอย่างพินิษฐพิเคราะห์พอรู้ว่าแสงไฟและกลุ่มควันนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับพวกเขาหมอกเต็มปึ้ดแบบเนี้มองไม่เห็นหรอกพี่ก็คงจะจริงอย่างไอ้นบว่าพอรอบๆตัวขนาดนี้สายหมอกที่เป็นละอองน้ําไหลร่นลงพื้นเมื่อไม่มีสายลมความหนาทึบของมันทําให้การมองเห็นออกไปได้ไม่เกินห้าสิบเมตรจึงอยากจะคิดว่าโอกาสแบบนี้ถ้าถูกจู่โจมคงเตรียมรับไม่ทันแน่เมเจอร์ คุณคิดว่าสายหมอกแบบนี้จะจางลงสักกี่โมองอาจจะเที่ยงหรือทั้งวันก็ได้โอเคเรอสายไฟกันดีกว่าไม่งั้นมีหวังแข็งตายแน่ยอมได้เนาะสตารช่วงเวลาไม่นานไฟกองไม่ใหญ่นักจากดินระเบิดแบบ composition 4ฟเป็นเชื้อให้ไม้เกี่ยงที่เป็นไม้ประเภทสนเมืองหนาชวชดช่วงคืนคุณสมบัติพิเศษของไม้เกี่ยงที่มียางมากนั้นสามารถติดไฟได้เป็นอย่างดีแม้จะยังสดอยู่พวกเราแยกเป็นกลุ่มดีกว่า คือมารวมเป็นกระจุกแบบนี้กูเสียดายดอลล่าวะ่ะดังนั้นจ้าดาวเหนือก็ยังไม่ไหวที่จะห่วงในเรื่องของการระวังป้องกันรอบที่ตังทุกคนเข้าใจในความมุ่งหมายกําลังที่จะแยกกันออกไปเป็นสี่ทิศคนใดคนหนึ่งจะต้องรับหน้าที่ในการตรวจการที่จะต้องเพ่งสายตา ม, มองออกไปสําหรับจับจองมองสิ่งที่อาจแปลกปลอมเข้ามาทุกระยะปล่อยหน้าที่ให้บางคนทําการอุ่นอาหารกระป๋องที่เป็นเลชั่นสี่ความหนาวเน็บจนสั่นสถานนั้น ไม่ได้ทำให้หัวใจของนักล่ารับจางทั้ง14คนย่อท้อแต่อย่างใดปากที่บ่นหรือสาบแชงความเลวร้ายของอากาศก็เป็นเพียงการบน่นแต่หัวใจกลับกลุ่นอยู่แต่เรื่องของภารกิจเราจะเริ่มงานสักกี่โมงดีนอะสตาเมเจอร์คิวเรามีสิ่งที่ต้องคอยไหมครับคุณหมายถึงอะไรก็อากาศสิครับเราจะรอให้มันคลายความหนาวเย็นลงอีกหรือรอให้สายหมอกหมดสก่อนคงรอไม่ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละ ความหนาวจะคายลงกันนู่นบ่ายโมงไปแล้วแล้วตอนเนี้ยสายหมอกก็อาจจะจางลงบ้างก็ได้งั้นเราคงต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนสิครับตลอดภารกิจนั่นแหละนอสตาคงจะจริงอย่างที่พันตรีคอร์ลินพูดออกมาอากาศปลายเดือนกุมภาแบบนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องหนาวความจริงเราไม่น่ารีบออกภารกิจเลยนะนอสตาทำไมล่ะครับผมว่านะถ้าเรารอให้พ้นหน้าหนาวไปซะก่อนไอ้ค่ายฝึกนี้นะ่ะถ้ามันมีจริงมันก็อยู่รอเราจนได้นั่นแหละ มันคงไม่ย้ายไปไหนไง่ายๆหรอกจริงไหมหรือว่าฝึกรุ่นหนึ่งย้ายทีหนึ่งคงไม่งานหรอกเมเจอร์ฝ่ายข่าวเขาคงกานกรองแล้วละ่ะว่าเราต้องออกภารกิจในช่วงนี้ถ้าไม่งั้นแล้วมีหวังเจอแต่ค่ายล้างเท่านั้นเองงั้นเราก็ไม่มีทางปฏิเสธนะสิใครจะกล้าปฏิเสธเงินล่ะครับเท่านั้นเองทั้งสามต้องเงียบเสียงลงปากเขียวเนื้อบดจักระป่องแต่ในสมองกลับคลุ้มคิดถึงแต่เรื่องที่ต้องเริ่มปฏิบัติกันในวันนี้ว่าควรจะเริ่มที่อะไรและที่ไหนก่อน ตอนที่เจ็เสียงเครื่องบินดังแววมาให้ได้ยินภายใต้ความเงียบงันนั้นทุกคนต่างแองหน้าขึ้นมองแม้จะไม่สามารถมองทะลุสายหมอกไปได้แต่ก็ยังต้องมองเมื่อมันเป็นสัญชาตญาณได้ยินแต่เสียงที่ไกลรลีบจนไม่อาจคาดคะเนได้ว่ามันเป็นเครื่องแบบอะไรไอพอที่เป็นพลวิทยุกดสวิตสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติทันทีแล้วรอเรียกนอสตาจากสันลายเปียกไอพอปล่อยให้เสียงนั้นเรียกมาอีกสองสามครั้งจึงคิดที่จะตอบ พี่เสียงสันไลเองพี่จะพูดหรือเปล่าไอ้พรถามมาจากดาวนเหนือไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วเปิดวิทยุของตัวเองเตรียมที่จะพูดโอเคสร์ไล okay, ผมพูดเองโอเคโนสตาสวัสดีตอนเช้านะคุณเป็นไงบ้างก็สบายดีเนี่อากาศที่นี่ดีมากเลยคุณน่าจะลงมามอร์นิ่งวอล์หน่อยนะผมลงไปไม่ได้หรอกตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ยเฮ้คเนลันคุณอยู่ที่ไหนผมก็อยู่บอ ก, กอสิโอเคไอซี okay, าดาวเหนือตอบด้วยเสียงยันยานเมื่อเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมือปล่อยขีวิทยุแล้วด่าออกมาการติดต่ อ, อคราวนี้พันเอกนอร์แมนใช้เครื่องบินเป็นตัวถ่ายทอดให้ทําให้ชุดปฏิบัติการสามารถติดต่ อ, อ ก, กับบ ก, กได้อย่างชัดเจนไม่จําเป็นที่มันสมองของกองทัพระดับเสนาธิการใหญ่จะต้องบินมาด้วยตัวเองทีแรกก็คิดว่าผู้บังคับบัญชาเป็นห่วงถึงกับตื่นแต่เช้าเพื่อมาพบกับลูกน้องงั้นผมไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับเชิญซันไลท์สั่งการมาได้เลย จะดาวเหนือพูดแบบแดกดันเสียมากกว่าที่จะให้เป็นความหมายอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกนะผมอยากรู้สถานการณ์ทางด้านคุณนะ่ะทุกอย่างปกติดีครับแล้วคุณจะเริ่มงานของคุณยังไงผมว่าจะไปถามท่านเจ้าแขวงพงศารีดูนะ่ะไใ้ค่ายที่คุณต้องการนะ่ะมันอยู่ที่ไหนเออก็ดีนะับเป็นไอเดียที่ดีมากผมต้งยอมรับโนว่าผมมองคนไม่ผิดจริงๆรครับเจ้านายคุณเก่งมากสําหรับการเลือกคนที่เหมาะกับงานไม่รู้เหมือนกันว่าพันเอกนโนแมนจะเข้าใจในคําประชดนั้นอย่างไร เมื่อไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องรายงานทั้งสองเลยระงับวิทยุโดยไม่ลืมจะนัดพบกันทางวิทยุอีกครั้งหลัง2องทุ่มคืนนี้เมื่อไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรออีกจากดาวเหนือสั่งออกเดินทางทันทีเมื่อเวลาหลังเจ็ดมงเช้าเพียงเล็กน้อยแม้สภาพอากาศที่แสนจะเลวร้วายทั้งหนาวเหน็บทั้งเยือกเย็นหมอกลงทึบจนมองออกไปได้ไม่เกินห้าสิบเมตรก็ตามสายหมอกที่หล่นลงกระทบผืนจนเปียกชื้น ทำให้รอยเท้าที่ย่าไปเป็นรอยนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งสุดวิสัยจะป้องกันได้ก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยเชื่อว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาพบคงต้องฟาดฝันกันให้แหลกลานไปข้างหนึ่งแน่ถ้ามันตามรอยนั้นมาจ่ายุทธพง์กับไอเล็กต้องหันมาทางด้านหลังที่หัวหน้าชุดขอทราบแนวทิศทางเสมอเสมอความจริงแล้วชุดนําสามารถกําหนดแนวทิศเองได้เพราะเขาก็ใช้และอ่านเข็มทิศเป็นเหมือนกันแต่ในรูปขบวนเดินคราวนี้ ทั้งคู่ต้องรับหน้าที่ชุดลาตเวนนาสำหรับชุดอื่นก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับระยะการมองเห็นงานนี้เริ่มประจักษ์ว่าพวกเขากำลังจะงมเข็มในมหาสมุทรกันจริงๆสภาพอากาศที่ปิดแบบนี้ทุกคนไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดมากนักไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเป็นป่าทึบป่าโปรง่งเป็นไรเป็นนาหรืออาจจะเดินไปชนค่ายนารกแห่งนั้นใครจะรู้ รายละเอียดจากแผนที่ช่วยได้เพียงความสูงความต่ำของราดในเส้นทางเท่านั้นที่พอจะรับประกันได้ว่าพวกเขาจะไม่เดินขึ้นไปบนยอดเขาหรือตกเหวเท่านั้นเองสภาพป่าที่โปร่งมีไม้ใหญ่ป ก, ปกคลุมไม่แน่นหนานักช่วยให้เป็นไปได้ดีสําหรับการสังเกตการต่อคนข้างเคียงและลักษณะภูมิประเทศ ร, รอบข้างในสํานึกสอนให้ทุกคนต้องรามาระวังตัวอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกระยะก้าว พวกเขาต้องหมายตาหาที่กำบังเอาไว้ต้องพร้อมที่จะเข้าดําเนินกลยุทธ์ทั้งลุกรับและล่นถอยเมื่อถึงขราวพันตรีโรเจอร์เล่งฝีเท้าให้ทันจ่าดาวเหนือเมื่อมีเรื่องที่จะต้องสอบถามนอสตาคุณแน่ใจนะว่าเราจะไม่หลงทิดผมก็ไม่แน่ใจอย่างที่เมเจอร์คิดนั่นแหละครับเอา้าแล้วคุณจะเดินไปทําไมเล่าเดี๋ยวก็ต้องวกกลับมาที่เดิมอีกหรอกคงไม่หรอกมกั้งเมเจอร์ คอนตรีโรเจอร์คงไม่รู้ว่าจากดาวเหนือใช้ลักษณะของภูมิประเทศที่ไต่ลาดขึ้นของเนินยอดนั้นการสกัดกลับด้วยแผนที่ไม่มีทางทําได้แต่เขาเตรียมที่จะตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดอีกครั้งเมื่อถึงยอดเนินคุณตรวจสอบระยะทางที่เราผ่านมาแล้วได้ไหมไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวได้หลงกันบ้างหรอกหลงก็หลงสิงครับเมเจอร์เมื่อไม่มีเหตุผลอื่นที่จะใช้ตอบคําถามจากดาวเหนือก็เลยต้องตอบแบบยี่ยวนเล่นๆด้วยใบหน้ายิม้มแยม้มจนคนที่พูดด้วยถึงกับหัวเราะ อากาศที่หนาวเหน็บนั้นแม้การเดินที่เร่งรีบการก้าวขาที่ยาวเปรยหลังที่หนักกว่าทุกภารกิจที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดบ่อยครั้งที่ต้องเอาฝ่า average, มือขยี้กกหูโหนกแก้มปลายจมูกแม้แต่ขยี้ขยำกามือเพื่อให้เลือดหลมเดินสะดวกขึ้นการเดินทางดำเนินไปเรื่อยกระทั่งมีความรู้สึกว่าขึ้นมาอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของบริเวณนั้น หัวหน้าชุดจึงสั่งหยุดขบวนเดินในเวลาเกือบบ่าย2องโมงที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าอากาศจะอบอุ่นขึ้นความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่มีความหมายเพียงแต่สายหมอกเท่านั้นที่จางลงแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเพียงแค่สามารถมองไปได้ไกลกว่าเดิมอีกสักห้าสิเมตรเท่านั้นเองจ่าดาวเหนือต้องเงยหน้าขึ้นมายิ้มกับพันตรีคอรินหลังจากก้มๆเงยๆกับแผนที่ว่างให้เชฟวิกาดเราได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจงั้นก็รอให้ทางบอกกรเช็คให้นั่นแหละครับ ก็น่าจะเป็นทางเดียวที่เราเอาศัยได้ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องรีบก็ได้เรามีเวลาทั้งสามเดือนงั้นเราไม่ต้องรอจนถึงหน้าร้อนเหหรือนอร์สตานั่นเป็นการปฏิบัติขั้นสุดท้ายของเราครับถ้าจําเป็นไม่มีคําตอบใดจากปากพันตรีอเมริการทั้งสองอีกครั้งทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของคนพูดไม่ใช่อย่างนั้นทั้งสองพันตรียังมั่นใจว่าคนยังจะดาวเหนือยังมีวิธีแก้ปัญหาเพียงแต่ยังไม่พูดออกมาเท่านั้นเอง ดังนั้นการปฏิบัติตนในตอนนี้จึงไม่มีอะไรที่จะพึงได้ดีไปกว่าบุรีกับหมากฝรั่งพี่คืนนี้เราพักนอนที่นี่หรือเปล่าไอ้เล็กเป็นคนถามเพราะมันมีแผนการบางอย่างอยู่ในใจคิดว่าน่าจะที่นี่นะเอาตรงนี้ก็น่าจะได้วะงั้นผมเตรียมหลุมก่อไฟนะพี่มึงกลัวหนาวหรอวะป่าหรอพี่ผมจะเตรียมให้พี่อ่ะไอ้เล็กแก้งไขสือ่อ ทั้งๆ ท, ที่รู้มันกําลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจของหัวหน้าชุดที่ไม่ต้องการให้เกิดร่องรอยการมาของพวกตนหลุมที่ขุดลึกลงไปจะช่วยไม่ให้แสงไฟส่องออกไปได้แต่หลุมกับเศษธานไม้คงกบเกลื่อนยากหน่อยงั้นก็ตามใจเอากี่หลุมละพี่รอบตัวหรือว่าหลุมเดียวหลุมเดียวดีกว่าว้ากว้างๆหน่อยก็แล้วกันถ้าหลายหลุมนะมันชัดแจ้งเกินไปว่ามากันหลายคนเอาแค่หลุมเดียวก็พอจะได้การจานวนคนไม่ถูกครับพี่แล้วกลับระเบิดละ่ะเอาด้วยสิวะต่อไปฉายออกให้ด้วยก็ดี การเตรียมดัดแปลงฐานลอยเริ่มขึ้นทันทีโดยแรงคนเพียงห้าหกคนพอที่เหลือต้องออกไประวังรอบที่ตั้งและที่เตรียมอาหารดูเหมือนจะไม่มีใครที่จะถามถึงเรื่องน้ำกันเลยทั้งน้ำกินน้ำอาบเพราะตั้งแต่เริ่มออกเดินทางกันมายังไม่ได้อาศัยน้ำแม้แต่อึดเดี่ยวความหนาวเย็นทำให้ร่างกายไม่ต้องสูญเสียเหงือ่อกดเลยไม่เปลืองน้า ไฟถูกก่อขึ้นมานัก่ารับจ้างที่ต้องพลัดกันเข้ามาใส่ความอบอุ่นกับบางคนที่ต้องออกไปรักษาการด้านนอกกระทั่งได้เวลาที่เครื่องบินจะต้องมารับข่าวสารซึ่งสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกก็คือการตรวจสอบพิกัดเมื่อไม่มีข่าวสารเพิ่มเติมก็ต้องระงับวิทยุไปเรามาได้แค่6กกิโลเท่านั้นเองเมเจอร์พันตรีเมันการทั้งสองเป่าปากด้วยใบหน้าที่ออกจะท้อแท้เหมารู้ว่าเดินกันมาทั้งวันได้ระยะทางเพียงเท่านี้ คุณคิดว่าเราควรเดินกันสักกี่กิโลถึงจะบรรลุเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายเลยผมเดาไม่ถูกโรเมเจอร์อ Major, แต่คิดว่าถ้าเราเดินให้ได้สักระยะ50กิโลขึ้นไปเราก็อาจจะเจออะไรบางอย่าง50กิโลก็ต้องมี10วันขึ้นไปพันตรีคอรลินอุธานเมือ่อวานนั้นคือการเดาเหตุการณ์ของคนมีประสบการณ์สูงยิ่งจะเดาเหนือเพอๆหนาวตายก่อนนะนอสตานั่นสิเมเจอร์ Major, ไม่รู้เหมือนกันว่าตายแบบนี้จะได้เงินหรือเปล่า โจกนั้นทําให้คนที่ฟังหัวเราะจนลืมความหนาวเย็นไปได้ชั่วครู่เราก็ต้องคํากันต่ออีกเมื่อไอชาติกับไอเชษที่ทําตลกเมื่อเท้าเปล่าของทั้งสองคนเกิดชนกันกลางอากาศเหนือเปลวไฟความร้อนที่เกินต้องการเล่นเอาชักเท้าออกมาเกือบไม่ทันทั้งสองคนที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีใครด่าใครขอผิดด้วยกันทั้งคู่เปรียบเป็นรถยนต์ก็คงต่างคนต่างซ่อมนั่นแหละเหตุการณ์ที่สงบเงียบผ่านคืนนั้นไป การปฏิบัติของวันรุ่งขึ้นก็คือการเดินเป็นการเดินภายใตย้สภาพอากาศที่ไม่แตกต่างจากวันแรกไม่น่าเชื่อที่ชุดปฏิบัติการเหล่านั้นต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มออกภารกิจมากระทั่งสภาพร่างกายเกิดความเคยชินไม่มีเสียงปลีปากบน่นหรือกลด่าธรรมชาติกันอีกเช้าที่ผ่านจากหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วแต่จะเป็นเช้าที่เท่าไหร่ของภารกิจไม่มีใครสนใจ เครื่องบินยังบินมารับข่าวสารอย่างเคยคราวนี้ดูเหมือนพันเอกนอร์แมนจะบินมาด้วยตนเองนอสตา์จากสันไรเปลี่ยนเช่นเคยที่ฝ่ายทางพื้นดินต้องปล่อยให้เรียกฟรีไปก่อนอย่างน้อยก็สองสามครั้งจึงตอบจากนอสตา์เปลี่ยนโอเคนอสตาเรียบร้อยไนหะเรียบร้อยร้อยเรียบตอนนี้คุณอยู่ไหนผมอยู่บนหัวคุณนี่แหละเมไีได้ผมช่วยบ้างละทุกคนทางพื้นดินอดที่จะโงนใจไม่ได้ทําไมวันนี้พันเอกนอร์แมนจึงต้องมาด้วยตัวเอง ตอนที่8ปดไม่น่าเชื่อคุณจะมาที่นี่จริงๆเลยนะทำไมเหรอครับพวกผมทำงานช้าอะไรไงถึงต้องออกมาดูด้วยตาตัวเองเฮ้ hey, คุณคิดมากนะนอสตาผมไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นหรอกที่มาเพราะคิดถึงพวกเราสวิตช์เมาซาวแอสจ้าดาวเหนือดาขึ้นไปอีกความหมายที่ว่าปากหวานกลนเปรี้ยวซึ่งสำนวนนี้บรรดาเมริกันรู้ดีหลังจากที่ฝ่ายไทยแปลความหมายให้ไม่งั้นหรอกนะนอสตาผมตั้งใจจริงๆ โอเคถ้าคิดจะช่วยเหลือพวกผมจริงนะผมอยากช่วยแก้ไขเรื่องสายหมอกที่นี่หน่อยสิมันมองอะไรไม่เห็นอะไรจริงๆผมยังกลัวจะเดินหลงเข้าไปในค่ายศัตรูอยู่แล้วนะเนี่ยดูเหมือนพันเอกหน่อมันหรือทางบอกกอดจะไม่รู้ถึงปัญหานี้คงรู้แต่เพียงสภาพความหนาวเย็นของอุณภูมิเท่านั้นซึ่งก็เชื่อว่าชุดปฏิบัติการคงไม่มีปัญหาเพราะทุกคนมีเครื่องป้องกันความหนาวกันแล้วมันเป็นไงหรอโถคุณไม่น่าโง่เลยนะ หมอกมันลงมากๆใครมันจะมองฝ่าไปได้เราตอนนี้พวกผมมองอไปได้ไม่เกินห้าสิบเมตรเท่านั้นแหละแบบนี้มันเหมือนคนตาบอดชัดๆเลยนี่นาโอเคงั้นรอเดี๋ยวจะให้ท้องฝ่ายตรวจอากาศเขาเช็คให้คอยเดี๋ยวนะใช้เวลาคอยไม่ถึงนาทีสำหรับความพร้อมของกองทัพมหามนาอย่างสาร์ัฐอเมริกาคําตอบก็มีมาโอเคโนะสตาตั้งแต่สายวันนี้เป็นต้นไปอากาศจะเปิดให้คุณแล้วก็จะเปิดให้ไปถึงสิ้นเดือนเลยความหนาจะลดลงเล็กน้อยรับรองไม่มีฝนโอเคไหม ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โอเคนะครับสันไรมีข่าวอะไรหรือเปล่าจ้าดาวเหนือยอมรับกับตัวเองว่าการออกภารกิจครั้งนี้แตกต่างกว่าทุกๆครั้งที่เคยออกมาความที่ไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายทําให้การคลําทางเข้าหาเพื่อบรรลุภารกิจกระทาได้ยากมากดังนั้นจึงไม่รู้จะสอบถามอะไรจากบอ ก, กอร์แหล่งข่าวของเราของรายงานมาอีกเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณครั้งนี้ซึ่งพอที่จะยืนยันได้ว่าค่ายฝึกที่ว่ามีจริงแน่แล้วมันอยู่ตรงไหนเล่าอันนี้แหละคือปัญหา ทางเราก็ได้พยายามเล่งแหลงข่าวอยู่แล้วแล้วข่าวครั้งเนี้ยคุณได้มาจากแหลงข่าวไหนเนี่ยข่าวดักฟังทางวิทยุสื่อสารน่ะโถ่มันใกล้ข่าวเก่านั่นแหละซันไรไม่ใช่ข่าวเก่าหลงหน้านอสตาข่าวนี้ยเป็นข่าวเพิ่มเติมน่ะงั้นว่ามาเลยคือทางเราทราบมาว่าจีนได้จัดส่งอาวุธกระสุนจํานวนหนึ่งซึ่งคิดว่าคงจะมากพอสมควรไปให้กับค่ายฝึกแห่งนี้เพื่อใช้สําหรับการฝึกและการปฏิบัติการเป็นไงข่าวนี้ยน่าสนใจไหมเล่าเขาจะเริ่มส่งกันเมื่อไหร่ เราเร็วเนี่ยการจัดส่งไปคราวเนี่ยมันคงไม่ได้ใช้การขนส่งทางยานยนต์หรอกเพราะที่นั่นนะ่ะไม่มีถนนเพราะฉะนั้นนะ่ะดูแล้วมันน่าจะใช้การเดินเท้าส่งเข้าไปผมคิดว่าบนเส้นทางของคุณน่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับขบวนกองทัพมดลำเลียงอาวุธกระสุนพวกนี้ก็ได้จ่าดาวเหนือครุ่มคิดอย่างรวดเร็วสายตากวาดไปตามแผนที่แล้ววิทยุขึ้นไปถามอีกคุณพอจะค้นหาแหล่งต้นตอที่มาข อ, อาวุธพวกนี้ได้ไหม าดาวเหนือต้องการรู้พราะสามารถที่จะกําหนดเส้นทางดักได้ข่าวที่ได้มันเป็นข่าวทางวิทยุที่ใช้ดาวเทียมทำการดักฟังเรารู้ว่าที่ตั้งสถานีวิทยุที่ติดต่อกันนี้อยู่ในเขตเมืองคุนหมิงซึ่งเรารู้เฉพาะที่ตั้งวิทยุเท่านั้นแต่ที่ตั้งอาวุธพวกนี้เราจนใจจริงๆงั้นกองทัพสหรัฐก็ยังไม่เก่งจริ ง, ร ง, ง, ง, งไงสิงงอ๋อแน่นอนนอนสตาถ้าเงนินเราไม่คงไม่ขอความช่วยเหลือจากคนที่เก่งกว่าอย่างคุณหรอกจ้าดาวเหนือไม่ตอบอะไรขึ้นไป พอรู้ว่าข้างบนพูดแบบประชดลงมารายละเอียดคราวนี้รู้แต่เพียงว่าจีนคือประเทศที่ให้การสนับสนุนแต่ไม่รู้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลคนไหนที่เป็นคนปฏิบัติสรุปแล้วยังมืดแปดด้านอยู่ดีโอเคยังไงผมก็ต้องขอบคุณมากที่เอาข่าวเรื่องพระาทิ่ตกดินมาให้ผมคำตอบของจ่าดาวเหนือ น, นั้นแสดงว่าข่าวสารที่ได้มาคราวนี้ไม่มีความแปลกใหม่แต่อย่างใดเหมือนข่าวหมากัดคนไม่ใช่ขนกัดหมา เป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายสนับสนุนต้องจัดหาสิ่งของให้แก่ฝ่ายรับการสนับสนุนวิทยุของทั้งสองฝ่ายระงับไปเสียงเครื่องบินที่บินระดับสูงกว่าส0 0 0มฟุตจางหายไปแล้วจากดาวเหนือยังคงสารวนอยู่กับแผนที่หลังจากได้พลอตพิกัดที่อยู่ตัวเองจากที่บอกกอ่เป็นคนตรวจสอบให้ซึ่งเชียวเป็นพิกัดที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซน์ลงไปแล้วระยะทาง 5-6 กิโลเมตรทางเหนือคือที่ตั้งบ้านสันใส กับระยะ 30-40 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือคือแขวงพงสาลีเหนือขึ้นไปอีกที่คิดว่าระยะกว่า100กิโลเมตรคือเมืองวายังไม่รู้จะต้องไปให้ถึงที่นั่นหรือไม่จากดาวเหนือตั้งคำถามแล้วตอบตัวเองอยู่ในใจดินสอไข่ลากไปตามเส้นสีดำที่ปรากฏบนแผนที่ เคืเห็นเด่นชัดว่านั่นคือเส้นทางเดินซึ่งจะมีขนาดเล็กเพียงแค่ทางเกวียนหรือเป็นถนนขนาด12เมตรที่รถล่นสวนทางกันได้สบายๆก็ยังไม่รู้จิตสํานึกหรือลางสังหรณ์บอกว่าเมื่อมีทางเดินมันก็ต้องมีคนเดินเมื่อคนจะเดินมันก็ต้องเดินบนทางคงไม่มีหรืออาจมีมนุษย์ที่ไม่ชอบเดินบนทางอย่างพวกเขานี้ไม่มากนักหรอกนั่นคือเขาควรจะจับเส้นทางเหล่านี้ไว้สักหนึ่งหรือ2เส้นทาง เพื e então, ja ão, ่อทข้าหาจุดใดจุดหนึ่งของเป้าหมายก่อนในยามที่ยังไม่มีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นแบบนี้คิดอะไรไม่ออกก็เลยวางแผนที่นั้นลงเงยหน้าขึ้นมองพักพวกที่ต่างก็คล่ำเคลงอยู่กับอาการทาทางหนาวเน็บนั้นหันไปยิ้มกับพันตรีเมลการทั้งสองที่กําลังกํามือแล้วเป่าลมปากเข้าเหมือนกันเดี๋ยวก็หายหนาวแล้วเมเจอร์คุณเป็นความร้อนหรือไงบ้าวแต่เคเนลบอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเร็วๆนี้คุณเชื่อเขาเหรอ ก็เชื่อสิอเขาเป็นพันเอกเชียสพันเอกเขาไม่ใช่คนอย่างเราเล่านี่หรือไงหนาวจะตายชักไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยอยู่เมืองหนาวมาแล้วยังหนาวสั่นเหมือนคนไม่เคยมาก่อนจากดาวเหนือพยายามที่จะลืมความรู้สึกนั้นเสียเราเริ่มเรื่องงานต่อไปเมื่อเข็มนาฬิกาชี้บอกเกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้อากาศจะเริ่มเปิดการตรวจการการมองเห็นจะทําได้ไกลขึ้นมันก็คงไม่ต่างจากวันก่อนๆหรอมากเนาะสตาร์ เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การเดินทางเข้าหาที่ใหม่ของเรานี่สิเราต้องทําอะไรสักอย่างในวัน2วันนี้คุณมีแผนการอะไรอีกละ่ะมีสิครับเมเจอร์คิดว่าเราน่าจะจับเส้นทางในพื้นที่นี้สักเส้นดีไหมครับแล้วคุณรู้หรือว่าเส้นทางนั้นมันอยู่ที่ไหนเริ่มต้นหรือจบลงที่ไหนก็ในแผนที่นี่ไงครับผมดูไม่เห็นมีเลยครับทีแรกผมก็ว่าไม่มีผมสงสัยก็เลยให้ทางบอกเอขงตรวจสอบให้ภาพถ่ายทางอากาศที่เจาะจงเฉพาะบริเวณยืนยันมาว่า เส้นนี้เป็นทางเดินในพื้นที่แล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังใช้กันอยู่ด้วยก็นี่มันป่าทั้งนั้นไม่ใช่เหรอเนาะตาครับใช่แต่ลักษณะของร่องเขาแนวหมู่บ้านเมืองเท่าที่มีในแผนที่มันเป็นสิ่งบอกเหตุว่านี่คือเส้นทางติดต่อระหว่างของหมู่บ้านกันแล้วมันก็เข้าล็อกพอดีที่ทางบอกอยืนยันมาสองพันตีงงเป็นไก่ตาแตกอ่าปากตลึงค้างไม่เชื่อว่าจ่าดาวเหนือจะรู้ถึงขนาดนี้แผนที่ที่ตนเองก็เคยดูเคยอ่าน ไม่พบไม่เจอสิ่งที่จะดาวเหนือสงสัยหรือคาดการนั้นกระทั่งบอกกอยืนมาว่าเป็นไปได้และมีจริงจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะโต้แย้งในขณะเดียวกันเห็นด้วยในเหตุผลที่ว่าต้องยึดแนวเส้นทางสักเส้นเพื่อคลําหาสิ่งแปลกใหม่ต่อไปยึดถือแนวร้อยยี่องศาตัดขึ้นยอดเนินที่สูงที่สุดให้ได้ก่อนบ่ายวันนี้ไม่มีคําถามใดๆจะปากคนที่ได้รับคําสั่งนอกจากรอยยิ้มที่มุมปากว่าแล้วขบวนเดินก็เริ่มเคลื่อนที่ทันที แนวทิศ ท, ที่กำหนดให้ไม่มีความหมายอะไรเพราะชุดนำยังมองเห็นได้ไม่เกินห้าสิบหกสิบเมตรแต่กลับต้องตรวจสอบเส้นทางและการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่พึงประสงค์อย่างอื่นด้วยจึงจำเป็นต้องอาศัยการชีท้ทิศของหัวหน้าชุดที่มีเข็มทิศอยู่ในมือต่อไปเส้นทางที่ไต่ขึ้นสูงเรื่อยๆนั้นราบเรียบไปด้วยลานหินความสูงของพื้นที่กับเวลาที่ผ่านไปจากเช้าเป็นสายทาให้สายหมอกเริ่มจางลงการมองเห็นเริ่มไกลขึ้น แล้วแววมจุราชก็เริ่มฉายแสงออกมาบ้างหลังจากที่ทุกคนเริ่มจะหดหู่ท้อแท้เพราะตั้งแต่เริ่มเส้นทางมายังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตเลยแมย้แต่มดสตัวทุกคนหยุดอยู่กับที่พร้อมกับเพ่งมองไปที่การปฏิบัติบางอย่างของจ่ายุทธพงค์กองคารวานนะพี่จ่ายุทธพงศ์บอกเมื่อจ่าดาวเหนือไปร่วมหมอบลาบประกบคางที่ขอบชะงนผานั้นสกี่คนวะจ่าดาวเหนือถามอีกเพราะตัวเองไม่ได้ลวงออกกล้องสองตาออกมาดูคงจะขี้เกียจ ไม่ต่ำกว่าสามสิบพี่จ่าดาวเหนือพยายามที่จะเพ่งมองสายตาไปทางด้านนั้นแต่ก็จนปัญญาเพราะไม่เห็นอะไรระยะสั้เท่าไหร่วะเก้าร้อยไม่น่าเกิน 1, พันพี่ก็ดีเหมือนกันนะเราพอฟ้าเปิดก็เจอพอดีให้มันได้แบบนี้สิวะพวกมันใช้ลาใช้ร่อกันทั้งนั้นเลยพี่อาวุธที่สัน่นายให้ข่าวมาหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะพี่จ่าดาวเหนือหันมาทางพันตรีมรดกันทั้งสองบ้างเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดที่แกทั้งสองใช้กล้องส่องดู คิดว่ามันกำลังเลียงอะไรเมเจอร์ยังไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่อาวุธอย่างที่ว่านั่นแน่อะไรทําให้เมเจอร์มั่นใจอย่างนั้นแพคกิ้งที่มันบรรจุมาจําพวกเป็นกระเป๋าย่ามแบบสองใบห้อยพาดหลังลาหลังล่อถ้าเป็นอาวุธกระสุนมันต้องเป็นรังเหลี่ยมมัน่าจะถอดเป็นชิ้นแยกมาก็ได้นะไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นหรอกของที่อยู่ในแพคกิ้งนั้นก็ไม่มีลักษณะสันฐานรูปเหลี่ยมหรือขนาดยาวเอาเลยมันกลมๆธรรมดาเหมือนสัมภาระทั่วไปเนี่ยของป่าหรือเปล่าก็อาจเป็นได้เฮ้ แต่พวกมันมีปืนกันทุกคนเลยว่ะคราวนี้จ่าดาวเหนือเมมลืมฝีปากทันทีเมื่อต้องใช้ความคิดสายตามองต่ำไปจากขอบชะ ง, ง่อนผานั้นรู้สึกเสียวบุบที่ปลายเท้าเมื่อประมาณความสูงแล้วคงไม่น้อยกว่า200เมตรไม่มีทางจะไต่ลงไปดูใกล้ๆได้เลยหรือจะอ้อมไปทางอื่นก็คงไม่ทันเวลาคารวานพวกนี้มีปืนมาด้วยครบทุกคนเต็มอัตราศึกแสดงว่าธุรกิจของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือถูกต้องแน่นอน ไม่งั้นมันคงไม่ต้องคุ้มครองหรือคุ้มกันแน่นหนาขนาดนี้ตอนที่ก้าวชาวเขาทั้งหมดเลยพี่จากยุทธภงรายงานเพิ่มเติมจากการตรวจเห็นในกล้องขยายดูออกไม่ว่าเผ่าไหนน่าจะเป็นมูเซอร์ดำพี่เครื่องแต่งตัวชาวเขามีลายขาวดำที่แขนเสื้อผ้พาโพกหัวสีขาวพี่ว่าใช่มูเซอร์ดำไหมล่ะ ถ้ามันแต่งตัวแบบนั้นแล้ะก็ใช่เอาละว่านั้นไม่ใช่ปัญหามันจะเผ่าไหนเผาอะไรมันก็คนเหมือนกันผู้ชายก็สามารถฆ่าคนอื่นได้ผู้หญิงก็มีสิทธิตั้งท้องได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าของที่มันบรรทุกมานั่นต่างหากจากยุทธพง์วางกล้องขยายนั่นลงใช้มือขยี้ตาคงจละล้าสายตาหลังจากเพ่งมองมานานจากดาวเหนือที่ขี้เกียจล้วงเอากล้องของตัวเองออกมาตัดสินใจหยิบมาปรับโฟกัสส่องดูบ้างแล้วก็ได้คําตอบโถเอ้ย กูนึกว่าอะไรก o d ด a m มแมงเอ้ช hey, ่างหัวมนะันเนี่ยไม่เกินร้อยปีมันก็ตายเองนั่นแหละวะจ่ า, จาดาวเหนือดาเป็นชุดสร้างความงุนงงให้แก่พันตรีมรกนการทั้งสองเป็นอย่างมากแม่พยายามส่องกล้องมองตลอดเวลา ย, ยังไม่รู้เลยมันเป็นคารวานอะไรแต่จ่าดาวเหนือมองแพับเดียวระหว่างกล้องาย ห, หลังแผ่บิดขี้เกียจไล่ความเหน็บหนาวเหมือนทองไม่รู้ร้อนมิใหญ่ว่าจ่ายยุทธภงจะดึงออกกล้องกลับไปส่องต่อ พี่ก็ว่าเรื่อยเปื่อยไปได้ดูอยู่ด้วยกันมาพร้อมกันแพี่จะรู้ได้ยังไงไม่มีคําตอบจากจ่าดาวเหนือในขณะที่แก่เองกับจุดบุรีสูบยังสุขารลมไม่ได้หันไปมองด้วยว่าพันตรีโรเจอร์ทาปากขมุบขมิบด่ากแกอยู่ทางนี้คงด้วยความรําขานในท่าทางที่เย็นชาของจ่าดาวเหนือนั่นเองดูเหมือนคนทั้งสามที่กําลังส่องกล้องอยู่อย่างขมักขมินไม่ยอมปลิกปากถามด้วยว่าที่จ่าดาวเหนือว่านั้นมันคืออะไรต่างพยายามที่จะค้นหาคําตอบด้วยตัวเอง เห็นหรือยังยุทธเห็นแล้วพี่ปืนมีทั้งเอ็มสิอาก่าอารพจมีผู้หญิงมาด้วยสองคนพี่แล้วอย่างอื่นร่อห้าลาสจ่ายุทธพง์รายงานต่ออีกจนจ่าดาวเหนือต้องหัวเราอ ด, ด้วยความขบขันตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวอันนี้ต้องไอ้เล็กพี่มันถนัดจ่ายุทธพง์ไม่รู้จะตอบอยังไงเลยเลี้ยงไปทางไอ้เล็กที่หมอกลาบส่องกล้องอยู่ข้างๆไอ้คนที่ถูกพูดพัดผิงไม่ได้เอ่ยปากอะไรลดกองส่องลงมาคยี้ตาแล้วส่องต่อไปอยั่งเอาจริงเอาจัง ว่าไงเล็กตัวผู้ตัวเมียอย่างละกี่ตัววะถามไอ้ชาติดีกว่าพี่ส้นตีนเลยไอ้ชาติที่ถูกแยบด่ากลับมาในขณะที่ลูกน้องคนอื่นๆคล้อยหัวเราะไปด้วยพวกนั้นไม่มีโอกาสมาส่องดูทัศนียภาพครั้งนี้ก็ต้องกระจายกําลังออกไปไล่ล้อมเพื่อป้องกัน ร, รอบตัวต่อที่ตั้งยังไม่มีทีท่าว่าหูหน้าชุดจะเปิดเผยความในใจออกมาว่าสิ่งที่เขารู้เหล่านั้นมันคืออะไรและเช่นกันยังไม่มีคําถามออกจากปากคนที่สงสัยอีกด้วย ขบวนคาราวานนั้นเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งร้อนความเคยชินกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทําให้ชาวเขาในขบวนเดินไม่มีท่าทีของคนหนาวเน็บแต่อย่างใดบ่อยครั้งที่พวกเขาหลายคนต้องสอดส่ายสายตามองหาสิ่งผิดปกติตามสองข้างทางที่ผ่านไปเหมือนกวางระแวงไผ่ธุรกิจของพวกเขาย่อมมีประสบการณ์จะเป็นสิ่งเตือนว่าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างทุกสภาวะทุกสถานการณ์และทุกลมหายใจย่อมหมายถึงความสำเร็จและความล้มเหลวทั้งสิ้น คนที่คาดว่าเป็นหัวหน้าของคารวานมีการเดินหน้าเร่งและหล่อเพื่อลังทายขบวนนั่นคืออาการท่าทางของคนตัวตาความเรียบร้อยลาละล่อที่ไม่เดียงสาต่างเดินตามคนที่จูงหน้าแล่หลังไปยังไม่มีเสียงโต้แยง้งไม่ใช่อะไรหรอกก็มันพูดไม่ได้ความหนาวความเหนื่อยมันไม่รู้สึกท้ามันทนไม่ได้มันก็ไม่ใช่ลาใช่ล่อน่ะสิเราหน่าจะลงไปดูมันหน่อยนะพี่จ่ายยุทธพง์เสนอแนวความคิดขึ้นมาทำไมวะจะดูให้รู้จริงๆว่ามันเป็นอะไร ก็นั่นก็อันหนึ่งแต่ถ้ายังไงยังไงเราอาจจะเล่นเกมกับมันบ้านก็ได้แก้เซงพี่อย่าเพิ่งเซงอย่าพิ่งเซงพอาะถ้ามึงเซงเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นไหนที่จะไปเล่นเกมอะไรกับมันอ่ะอย่าเลยมันไม่น่าเล่นเท่าไหร่หรอกว่ะแล้วพี่รู้ได้ไงมันเป็นอะไรอุ๊บบะกูต้องรู้สิว่ามันเป็นอะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงเราว่ามันไม่น่าเล่นถ้ากูไม่รู้อ่ะแสดงว่าพวกมึงไม่เชื่อใช่ไหมว่ากูรู้แล้วมันเป็นอะไรแล้วพี่ว่าอะไรขบอลฟินเว้ยจ้าดาวเหนือเน้นคําตอบนนนัั้จดง่น ชนิดที่เรียกได้ว่าได้ยินอย่างชัดเจนกันทุกคนคนที่ส่องกล้องดูต้องอ้าปากค้างเมื่อรู้ความจริงไม่คิดจะโต้แย้งเลยว่านั้นไม่ใช่คาราวานฟินของพวกชาวเขามูเซอร์ดำชาวเขามูเซอร์ดำคือเผ่าหนึ่งที่ชํานาญและนิยมในเรื่องนี้รูปการมันบ่งบอกอย่างชัดแจ้งเลยต้องไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาที่คาราวานเหล่านี้กําลังล่ําเลียงไปการคุ้มกันและป้องกันจําเป็นอย่างมากที่ต้องเข้มแข็งอาวุธที่ต้องมีจํานวนมากพอ จึงจะสามารถต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้จากการศึกษารายละเอียดของขบวนการยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํานี้สราบว่าบ่อยครั้งที่มีการป้นชิงสิ่งที่มีราคาเล่ากับทองคําเหล่านี้ความตายและความสูญเสียมีเสมอๆในหมู่พวกที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันไม่ใช่ของแปลกหรือของใหม่สําหรับการทําลายล้านกันแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วและต้องเกิดต่อไปอีกรู้ทั้งรู้แต่ไม่มีใครป้องกันได้ในเมื่อไม่มีคําว่าศิทธรรมในหัวใจของคนเหล่านี้ นั้นก็ฟาดมันเลยสินนสตาปล่อยไว้ทําไมไอ้พวกบ่อนทําลายพวกนี้พันตรีคอรลินทําท่าจ้าจริงด้วยความเกลียดชังเป็นพื้นฐานอย่าดีกว่าเมเจอร์มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ไม่ใช่ภารกิจด้วยแต่มันก็เลวร้ายพอๆกับพวกหัวแดงนั่นแหละมันก็ไม่เสมอไปหรอกครับประเทศที่มีแต่ขีย้ยาก็ยังดีกว่าประเทศที่เป็นคอมมอนิสต์นะครับก็อาจจะจริงอย่างที่คุณพูดนะแต่ผมระเกียดมันจริงๆเลยโนสตาเกลียดก็ต้องโทนเมเจอร์ต้องคิดซะว่าเราไม่ได้เจอมันก็แล้วกันจะได้สบายใจ าดาวเหนือยังอยู่ในท่านอนอัดบุรีย่างเดิมในขณะที่คนที่พูดดัวต้องลุกขึ้นยืนปืนในมือถูกกำจนั่กล้งสายตาที่กล้าวแกล่งหมายถึงความเอาจริงเอาจังต้องการจะเห็นข่ามันให้ได้เมเยอร์ Major, อย่าหลงภารกิจเลครับนี่ไม่ใช่งานของเรานะครับคุณนิจใจเย็นชะมัดเลยนะนอร์สตาผมรู้ว่าคุณก็เกลียดสิ่งเหล่านี้แต่ทําไมคุณยอมให้มันเดินผ่านไปต่อหน้าต่อตาได้นะก็มันไม่ใช่ภารกิจของเรานี่เมเจอร์ พันตรีคอนลินต้องถอนหายใจแล้วหมอบราบลงอยางเก่าละความสนใจจากจาก้าดาวเหนือหันไปคว้าก้องขยายสํารวจสิ่งที่เกลียดนั้นต่อไปด้วยอารมณ์ไม่แจ่มใสนักซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะพันตรีคอนลินเท่านั้นแม้แต่พันตรีโรเจอร์ก็มีความคิดเช่นเดียวกันคือพร้อมและต้องการจะเข้าไปสังหารมันเสียให้ได้มันจะเอาไปไหนกันนะ่ะนอสตาโน่แลละครับใกล้ๆรอยตะเข็บที่เป็นรอยต่อสาประเทศนั่นแหละซื้อขายกันที่นั่นเหรอ ก็อาจจะใช่ครับแต่ที่แน่ๆคือมันต้องไปสกัดไปเฮโรอีน e ซึ่งต้องไปทํากันที่นั่นทําไมต้องไปทําที่นั่นด้วยก็ทําให้สําเร็จรูปแล้วค่อยลำเลียงไปไม่ได้เหรออุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมครับการลำเลียงเครื่องมือต่างๆมาที่นี่หรือไปให้ไกลกว่าเนี้มันลําบากกว่าการขนฝิ่นไปสกัดที่นั่นอย่างน้อยเส้นทางลำเลียงอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆที่มาตามในประเทศไทยกับพม่ามันก็พร้อมอานวยความสะดวกอยู่แล้วไงเพียงเท่านี้ก็พอเข้าใจแล้วว่าขาบวนการเหล่านี้กละทากันอย่างลึกลสลับซับซ้อน ฟินที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลในเดือนมกราคมถึงกุ้มพาพันธ์จัดถูกพื้นที่ในอนาบริเวณสามเดียมทองคําจะถูกลําเลียงเข้าสู่โรงงานพื้นที่ที่ห่างไกลออกมาแบบนี้ยากหนักที่เจ้าหน้าที่จะตรวจพบลายฟิ่นที่ทํานุบํารุงรักษากันมาสามารถรอดผลการบุกลุกทําลายของเจ้าหน้าที่ได้และนี่คือหนึ่งในจํานวนที่จะต้องมีอีกมากของขบวนคาราวานฟิ่นที่จะต้องได้พบในระหว่างภารกิจนี้ที่นี่คือดินแดนของมันเนอสตา ถูกต้องเลยครับเมเยอร์ไม่มีใครที่จะเป็นวีระบุรุษมาปราบปรามพวกนี้สิ้นซากไปได้เพียงแค่คิดเท่านั้นแหละเขาก็หมดลมหายใจแล้วแน่นอนนอสตาเรื่องพวกนี้มันเป็นเงินจํานวนมหาศาลจริงๆใครทําก็รวยใครพลาดก็ตายคิดแบบนี้แล้วเมเจอร์ยังคิดจะลงไปเล่นเกมกับมันอีกล่ะครับไม่เอาแล้วนอสตาผมเชื่อคุณดีกว่าพันตรีคอรลินวางกล้องขยายลงเราหงายหลังนอนราบกับพื้นบางในใจนั้นอดที่จะชื่นชมในการตัดสินใจของจ่าดาวเหนือเสียมีได้ การกระทําทุกอย่างมีเหตุผลสมบูรณ์ล้วนถูกต้องทุกขั้นตอนสมแล้วที่ขอรับตำแหน่งหัวหน้าชุดในการปฏิบัติการเพราะการตัดสินใจที่จะลั่นกระสุนออกไปนั้นกระสุนนัดแรกย่อมหมายถึงใช้ชนะหรือพ่ายแพ้ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์และคนอย่างเขาก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนตัดสินใจที่ถูกที่สุดเสมอเสียดายมูเซ์ผู้หญิงสองคนนั้นว่ะจายยุทธพงษ์บนกระเบเล็กที่มอบอยู่ ข, ข้าง อย่าบอกนะพิยุทธที่สองมองดูเนี่ยดูสองตัวแน่นก็เออสิวะมึงคิดว่ากูส่องดูผู้ชายหรือไงโถ่ไอเราหรือก็หลงคิดว่าส่องมองติดตามความเคลื่อนไหวหพวกนั้นมันก็เหมือนกันละวายพวกนั้นไปไหนสองคนนี้มันก็ต้องตามไปมึงไม่เห็นหรือไงจ่ายุทธพง์แกล้งเถียงน้ําคุณเมื่ถูกรุ่นน้องจับต่ได้เลไรเนาะทุกคนที่ได้ยินหัวร้อลั่นด้วยความสนุกสนานไม่ใช่ความผิดของจ่ายุทธพง์หลอกที่คิดหรือทําแบบนั้น พอเรื่องแบบนี้พวกเขาเคยทํากันมาแล้วหลายตอนหลายครั้งและทุกคนต่างก็ยอมรับว่ามันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่หาได้ไม่ง่ายนะขันละวานชุดนั้นเดินรุดหน้าไปเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดผักหรือเลี้ยวหลบไปทางไหนผูมิประเทศที่เป็นป่าทึบในบางช่วงทําให้ขบวนคันลวานคาดหายไปจากสายตาแล้วก็โผล่ออกมาให้เห็นอีกเครื่องแต่งกายประจําเผ่าที่เป็นสีขาวกับสีดํา ช่วยหเห็นได้ในระยะไกลพอสมควรกอบกับอากาศที่เปิดจนเห็นความแจมใสของท้องฟ้าช่วยให้ภาพนั้นชวนมองยิ่งหนักโดยเฉพาะในอารมณ์ของนักฆ่าอาชีพอย่างพวกเขาความเป็นไปได้อย่างหนึ่งของจ่าดาวเหนือที่อธิบายให้แก่ทุกคนฟังก็คือชาวเขาเหล่านี้เป็นคนที่อยู่เหนือขึ้นไป ข, ไปของดินแดนที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําการนําผลิตผลของตนไปขายส่งให้กับลูกค้าจนถึงที่หรือโรงงานนั้น จะช่วยให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหลายเท่าตัวเพราะโรงงานไม่ต้องมาเสี่ยงกับการถูกแย่งชิงระหว่างทางการซื้อขายกันครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ครั้งแรกทั้งสองฝ่ายต้องทำกันมานานและทางเข้านอกออกในพื้นที่บริเวณนัดหมายส่งมอบสินค้ากันได้นั่นก็คือทั้งสองฝ่ายต่างคงต้องมีความเชื่อมั่นในการละกันอย่างมากนั่นเอง ตอนที่สิบระยะที่ห่างออกไปกว่าสองกิโลเมตรแล้วนั้นผูกนักล่าหลับจางที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีใครย้ายไปไหนต่างปักหลักนิ่งอยู่ที่เดิมทั้งนี้คิดว่าอยู่ณนะเบื้องล่างของขอบน้า่านี้เป็นเส้นทางที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่สมควรแก่การเริ่มต้นคลาไปหาจุดอื่นจ่ายยุทธพงษยังไม่เบื่อที่จะมองภาพในกล้องขยายนั้นแม่ไอเล็กจะพยายามอ้ําอย่างไรก็ช่างแก่ไม่สนสักอย่าง ไม่มีใครรู้ว่าในความคิดของจาดาวเหนือกำลังคิดอะไรแต่ที่เจ้าตัวนั้นกำลังมั่นใจในลางสังหรณบางอย่างที่กำลังเกิดกับสัมพัสที่ห้าความรู้สึกเหล่านั้นเท่าที่ผ่านมามักไม่พลาดเพียงแต่ตัวเองไม่เคยเอ่ยปากให้ใครได้ยินไปหรือยังพี่ไอ้เล็กเป็นคนถามขึ้นเพราะเบื่อที่จะนั่งนั่งนอนๆที่นี่มึงจะรีบไปไหนวะเดี๋ยวก็ถูกเหยียบหรอกจาดาวเหนือพูดแล้วช่ำเลืองหางตาไปทางจ่ายยุทธพงษ์ อย่างมีความหมายแต่ใจนั้นไม่ได้คิดอย่างที่ทำเพียงน้อยนิดที่ยังไม่สั่งการให้เคลื่อนย้ายต่อไปก็พอจะรอดูผลที่เกิดจากลางสังหรณ์ขนาดนี้ต่างหากไปก็ดีเหมือนกันนะพี่อากาศกำลังดีเลยเอา้าไม่เอาอีมูเซดามนั่นแล้วงไงวะโถพี่จ่ายุทธพง์ต้องเขินเมื่อถูกอําแบบนั้นเอานะเดี๋ยวจะสั่งให้มันมาหาคอยอยู่นี่ก่อนก็แล้วกันไม่มีใครเชื่อคาพูดจากดาวเหนือ น, นั่นอีก เรารู้นิสัยในเรื่องการอำคนเป็นอย่างดีทุกคนจึงเตรียมเดินทางทันทีไปเถพี่ไอ้เล็กอ้อนอีกครั้งมาเห็นหัวหน้าชุดยังนอนทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่อย่างนั้นเอาพวกมึงนี่ไม่เชื่อกูหรือไงวะกูบอกเดี๋ยวอีมูเซอร์ดำมันจะมาหากูบอกมันมาก็ต้องมาสิวะนั่นแหละทุกคนจึงต้องกลับนั่งลงอีกโดยที่ไม่เข้าใจเอาเลยจริงๆว่าหัวหน้าชุดมีแผนการอะไรต่อไปทั้งๆที่เชื่อแน่ว่าการสั่งการอย่างนี้นั้นมันต้องมีเหตุผล แต่คนสั่งไม่ยอมบอกเหตุผลเท่านั้นเองจาดาวเหนือลงบุรีออกมาจุดสูบอีกลูกน้องที่พากันมองต่างเชื่อว่าต้องรอต่อไปอีกแน่บางคนเลยต้องอาศัยบุรีบ้างแต่ทุกคนเงียบกริบเพราะคิดไม่ออกว่าจาดาวเหนือกําลังเล่นเกมอะไรความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งขณะที่หัวหน้าชุดกับหลับตาทุกคนรู้ว่าแกไม่ได้หลับแต่กําลังใช้ความคิดอยู่จึงไม่มีใครพูดอะไรให้เป็นที่รบกวนนอกจากถอนด้วยสายตาเป็นบางครั้ง ทุกครั้งจากที่เคยร่วมงานกันมาจากดาวเหนือม่าคาดการอะไรไม่ค่อยผิดจนทุกคนยอมรับแต่การที่แกไม่ค่อยยอมย้ําคลายแนวความคิดของแกออกมานี่สิบางทีก็ทําให้คนอื่นลําคาญได้เหมือนกันและแล้วท่ามกลางความเงียบนั้นเสียงระเบิดเสียงปืนเล็กนานาชนิดดังระลัวขึ้นณจุดที่คาดว่ากองคารวานกองนั้นเดินทางไปถึงทุกคนต่างหันไปทางนั้นเป็นตาเดียวไม่ใช่เพียงชุดเดียวหรือละลอกเดียวที่ดังมา ทุกที่สองทุกที่สามตามมาอย่างต่อเนื่องมองเห็นเศษดินเศษไม้ปลิวว่อนขึ้นมาหลักลาดลำจ้างหลายคนร้วงออกกล้องส่องซอ ง, องตาของตัวเองออกมาเพื่อจะส่องดูบางไม่มีใครสังเกตที่จ่าดาวเหนือเลยว่าแกยังคงรับตาอยู่ในท่าเดิมนั่นเสียงระเบิดคราวนี้ดูจะดังกว่าครั้งก่อนเก็ดกับตาว่าชิ้นส่วนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความใหญ่โตของมันนั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยขึ้นมาพร้อมกับควันก้อ น, อนดําแล้วล่นลงพื้นไป ปล่อยให้เพียงความที่ลอยเคล้งควางไปในอากาศต่อไปเสียงปืนเล็กที่น่าจะเป็นเสียงเดียวกันกับชุดแรกที่ได้ยินเหล่านี้แนวของเสียงขยายออกไปเกือบเท่าตัวฟังอยู่แล้วปริมาณการยิงต่อกระบอกดูจะไม่มากนักแต่ที่ปริมาณเสียงมันมากคงจะเป็นจํานวนต่อกระบอกเสียมากกว่าต่อเสียงที่ต่อเนื่องกันเป็นเสียงที่ไม่ได้ออกมาจากปืนกระบอกเดียวกันคนที่ซุ่มดูอยู่ในระยะไกลพอจะเดาแนวยิงนั้นได้ว่า ไม่น่าจะน้อยกว่าหนึ่ง้อยถึงหนึ่งหเมตรปริมาณการยิงย่างต่อเ น, นื่องและเต็มพื้นที่นั้นสแสดงถึงจำนวนคนที่มากกว่าพวกที่ถูกล้อมยิงอารพี G, ีเจ้าของฉายาหัวปลีมรณะแพทย์เสียงขึ้นจุดระเบิดมองเห็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่นักค่อยๆล้มตัวลงเนื่องจากลำต้นถูกแรงอัดจนขาดกระตุยกลุ่มฟังสีงดาที่ลอยขึ้นมานั้นไม่รู้จะมีวิญญาณมนุษย์แทรกมาด้วยหรือไม่ ในขณะเดียวกันเสียงปืนเล็กก็รัวหนักขึ้นยังที่ยีบราวเข้าตอกแตกก็พอจะรู้ว่าไอ้มือพิฆาตจรวดอาพิตีลูกนั้นคงโดนลุมกินโตนั่นเองความที่มันเป็นอาวุธที่ยาวกว่า น, านาระเบิดมากกว่าย่อมต้องโดนสังหารก่อนเป็นธรรมดาไม่รู้เหมือนกันรบผลมันออกมาอย่างไรเสียงนี้พอที่จะยืนยันได้ว่าอาิตีคู่นั้นยังไม่บุบสลาย ย่งพร้อมจะหยิบยื่นความตายให้แก่ใครต่อใครได้อีกไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นการสร้างความเจ็บแขนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งสักแค่ไหนสังเกตจากเสียงที่ระดมยิงสวนออกมานั่นก็ได้ปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวชนิดแม้ประหยัดกระสุนแบบนี้หมายความว่าปืนทุกระบอกร่วมอำนาจการยิงจ ะ, ะเผด็จศึก RPG ให้ได้นั่นเองเสียงปืนเล็กที่ต่างชนิดจบทางแรกระดมออกมาพางเป็นการยิงแบบไม่เลี้ยงเหมือนกัน แต่เท่าที่จับจุดที่มาของเสียงนั้นพ่อจะรู้ได้ว่าแนวยิงย่อมมีความยาวไม่เท่ากับฝ่ายที่เปิดฉากการยิงสั่งแรงนั่นเป็นเพียงการประมวลสถ า, านการณ์จากการฟังเสียงประกอบภูมิประเทศโดยคนที่อยู่กไกลๆชัวร์เวลาไม่นานนักหลังจากที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ภายใตาเล็งขยานที่พบเท่านั้นหลายคนวางกล้องลงแล้วหันมามองที่หัวหน้าชุด บางคนถึงกับโผล่เลาะที่เห็นอาการหลับของคนที่ตอนหนองบางคนทอนความรู้สึกให้ออกจากสิ่งที่น่าสนใจแต่มองไม่เห็นนั้นกลับมาสนใจกับตัวเองบางคนนอนบางคนสูบบุหรี่แล้วแต่อัธยาศัยแต่ความรู้สึกที่เหมือนเหมือนกันก็คือคนยืนจากดาวเหนือรู้ได้อย่างไรว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกําลังดําเนินอยู่ขณะ น, นี้คือสิ่งยืนยันถึงเหตุผลที่หัวหน้าฉุดทําการล้างหน่วงยังไม่ยอมออกเดินทางนั่นเอง อะไรนะนอสตาคนยิงปืนคนตอบหลับตาตอบด้วยเสียงราบเรียบเทียบ <Here. S 1> ผมรู้แล้วคนยิงปืนหมามันยิงปืนได้ซะที่ไหนเราเอา้ารู้แล้วถามผมทำไมเล่าที่ถามนะ่ะหมายถึงว่ามันยิงกันทำไมมันไม่ถูกกันนะสิแล้วยังอื่นล่ะพันตรีคอร์ลินแม้จะรู้ว่าจ่าดาวเหนือ น, นั้นมักชอบตอบคำถามนี่โยนกวนประสาท เนื่องจากเป็นเค่องที่แกต้องใช้ความคิดการที่ยังคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องตอบคําถามแบบนั้นไปก่อนดูถึงรูก็อดจะใจร้อนไม่ได้จึงต้องถามอาจแย่งผู้หญิงสองคนนั้นก็ได้มั้งเฮ้แค่แย่งผู้หญิงสองคนไม่ต้องเปิดศึกขนาดนี้หรอกมั้งถ้างั้นก็ต้องรอไปก่อนอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงคงได้คําตอบคุณหมายความว่าไงก็หมายความว่ารอให้มันเลิกยิงกันก่อนแล้วเราเข้าไปดูเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละ พันตรีคอรลินไม่เชื่อว่าจาดาวเหนือจะมีเหตุผลเพียงเท่านี้แต่กูสาสทําใจเย็นไปมองหน้าพันตรีโรเจอร์บางก็เห็นว่าไม่ได้ต่างประจากตนมากนะักตกใจร้อนอยากจะรู้เหมือนเหมือนกันนั่นแหละจาดาวเหนือไม่อยากทรมานใจคนจนึงลุกขึ้นมาเล่าทีบายให้ฟังก็ไปนสนใจอะไรนักหนาเรามีเยอร์มันใกล้พวกมันกันเองป้นกันเองนั่นแหละชาวเขาภาคใต้ดักป้นฝิ่นชาวเขาภาคเหนือเรื่องนี้เป็นของธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ในเมื่อทุกๆต้นปีเดือนนี้เดือนหน้าจะมีการรำเริงสินออกขายไอ้พวกที่คิดรวยทางรัดมันก็ต้องใช้วิธีนี้เข้าใจหรือยังแล้วเรื่องอื่นล่ะพันตรีโรเจอร์ที่เข้าใจแล้วว่าอะไรไปอะไรก็ถามไม่อีกเทมเปอร์ผมไม่ได้ไปพวกนั้นและยังไม่ได้ไปดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงอีกเอางี้แล้วกันยุดคารวานมูเซร์ดามเมื่อกี้กี่คนมาประมาณ30มสิบพี่โอเค งั้นพวกนั้นก็ประมาณ60สิบแล้วมันก็รู้แล้วว่ามูเซอร์ดำพวกนี้ต้องใช้เส้นทางนี้เพราะใช้เป็นประจําทุกปีแล้วก็เชื่อแต่ว่าถ้าพวกดักป้นสังหารมูเซอร์ดได้หมดพวกมันก็ดักรออยู่ที่เก่าอีกเพราะยังไงยังไงเดี๋ยวก็มีเผ่าอื่นคารวาลกองอื่นเดินทางมาให้มันป้นอีกอย่างดีมันก็ จ, จะย้ายไปเส้นทางอื่นก่อนแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ทีก็ได้เคลียร์เรื่องเมเจอร์แบบนี้แล้วพวกป้นนี่เป็นพวกไหนใครจะไปรู้เล่าอเมริกันมั้งคราวนี้เล่นเอาพันตรีทั้งสองหัวลอกากไม่ได้ยินคําตอบ หรือที่ยังระงมมาอีกยังไม่ขาดระยะทําให้พวกนักล่ารับจ้างต้องหันไปส่องกล้องมองอีกที่มองอะไรไม่เห็นแต่ก็อยากจะมองผมไม่รู้จะช่วยตัวเองได้อย่างไรมันจิตใจมันพุ่งไปที่นั่นแล้วจ่าดาวเหนือต้องหันมาทางจ่ายุทธพงษ์อีกครั้งเมื่อมีคําถามแล้วพี่รู้ได้ไงว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นใครกระซิบว่จาจ่าดาวเหนือไม่ไหวจะตอบแบบติดตลกให้เพื่อนรุ่นน้ อ, องผมมันหาคําตอบที่แท้จริงไม่ได้ถ้าจะบอกว่าได้มาจากรางสังหรณ์ก็พูดไม่ได้เพราะมันเลื่อนลอยเกินไป ขณะเดียวกันก็ไม่มีคําถามใดจะปากคนที่อยากรู้อีกน อ, อกจากกลับไปสนใจกับต้องสองสองตาหน น, นต่อความจริงเราน่าไปดูสักหน่อยนะพี่ไอชาตินั้นมึงนี่นแหละเตรียมตัวไปเคลื้นที่จ่าดาวเหนือได้โอกาสสั้งการ ท, าทันทีของไอชาต์เองที่เป็นคนเสนอความคิดนี้ผมไปด้วยพี่ไอเพียงอีกคนที่อาสาจ่าดาวเหนือตอบอนุมัติของกับห้ามปรามยึดสองสามคนที่จะขอไปด้วย ร, ร้อยักพักเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวมันก็หยุดยิงถ้าไม่ใช้กระศูนย์หมดก็ตายหมดไปข้างนั่นแหละทุกคนเข้าใจในความหมายของหัหน้าชุดดีพันตรีมือนกันทั้งสองทําท่าจะอยากไปบ้าน แ, แต่จ่าดาวเดือดทัพทวงเอาไว้ว่าไม่มีความจําเป็นที่พวกตนต้องไปให้มากขนาดนั้นก็อนเป็นการเปิดเผยถึงการมาของพวกตนให้กับฝ่ายที่ยังไม่ตายได้รู้ทั้งสองพันตรีเลยต้องระ ง, งับความอยากนั้นไปกกเกือบครึ่งชั่วโมงซสีงปืนก็ยังไม่ยอมสงบแม้ปริมาณจะลดลงกว่าครึ่งค่อนแล้วก็ตาม แต่ที่แน่ๆก็คือเสียงแอพรีนั้นซึ่งไปนานแล้วผมหมดฤทธิ์แล้วนั่นเองความจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาตามรูปการแล้วว่าปืนเหล็กที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าสิกระบอกแนะ่ที่ลุมสนโวเข้าใส่ลองแบบนี้ต่อให้พระดีแค่ไหนก็คุ้มไม่ไหวยิงเาเขาไม่มีผัะมีแต่ผีก็สมควรอยู่หรอกที่มันต้องไปอยู่กับผีที่มันนับถือ ตอนที่สิอจาดาวเหนือหันมาสบตากับไอชาติไอเปียกเรายิ้มดูเหมือนทั้งสองคนรู้ดีว่านั่นคือคําสั่งให้ไปได้แล้วทั้งสองคนจัดการปลดเครื่องหลังส่งให้เพื่อนดูแลให้ตัวเองเหลือเพียงปืนกับกระสุนอาลัยและวิทยุประจำตัวที่ติดอยู่กับร่องอกเท่านั้นจาดาวเหนือไม่ต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติมอีกให้เป็นที่น้ำคานใจเพราะต่างก็เคยกับงานแบบนี้มามากแล้ว ถ้าเกิดสั่งการหรือแนะนําแนวทางการปฏิบัติกันอีกเดี๋ยวจะคิดว่าไม่เชื่อมือกันอย่าเข้าไปเสี่ยงกับมันให้มากนะ น, นะเว้ยเพียงคําเดียวที่เตือนออกไปนั่นเป็นความปรารถนาดีที่ออกจากใจจริงของคนที่เป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงานทุกครั้งจากดาวเหนือนั้นมักจะหาหนทางที่จะไม่ต้องเข้าไปแลกชีวิตกับผลงานเสมอเขายอมจะให้ภารกิจล้มเหลวแทนการสูญเสียกําลังพลมันหมายความว่าเขายังมีโอกาสกลับไปล้างแคนได้อีกการมีชีวิตรอดย่อมดีกว่าการตายเราได้เป็นวีรบุรุษ อางนี้และทั้งนั้นเขาถื อ, อยุอย่างว่าการตายคือการพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดแม้ภารกิจนั้นจะบรรลุผลแล้วก็ตามจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จ่าดาวเหนือมักห้ามกล้ามลูกน้องเสมอแมให้กระทําการอย่างบ้าบิน่นหรือกล้าหาญเกินจําเป็นแต่ขณะเดียวกันคนอย่างเขาก็ไม่เคยคิดจะถอยเพียงอย่างเดียว ท, ทุกสถานการณ์เขาจะค่อยๆพิจารณาหาจุดแข็งจุดอ่อนของฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้ามแล้วอาศัยความได้เปรียบทะลวงเข้าจุดนั้นกลาดใดที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่าง หรือกําลังจะเข้าสู่สภาพนั้นเขาจะถอยก่อนทันทีการถอยก็ไม่ใช่การถอยหนีแต่เป็นการถอยให้ฝ่ายตรงข้ามติดตามแต่ติดตามและทั้งมันเสียเปรียบครานั้นแหละจึงจะเป็นโอกาสทองของเขาจะไม่มีคําว่าไม่ตาปราณีจากใจเขาอีกไม่มีคําว่าละเว้นหรือให้โอกาสถึงวินาทีของการปฏิบัติการล้วนเป็นเวลาแห่งความเป็นความตายของฝ่ายตรงข้ามทั้งสิน้นทั้งสองคนตัดย้อนหลังเพื่อหาทางลงสู่พื้นล่างของยอดเนินนั้น เราเตรียมตัดตรงไปยังพื้นที่เกิดเหตุทั้งคู่เปิดวิทยุสแตนบายเพื่อรอรับคําสั่งที่อาจมีมาไอ้เล็กเดินนําไปในขณะที่ไอ้เปียกเดินตามระยะห่างกันประมาณ2 0่สถึงสาก้าวทั้งนี้เพื่อเป็นการลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายร่วมกันนั่นเองกระทั่งทั้งคู่หายรับไปกับราวป่ายุดไม่สั่ไอ้สองคนนั้นเอาใบหูมาฝากวะไม่เอาเราพี่ไม่ใช่ฝีมือเราอะเมเจอร์คอนลินะไม่เอาหรือไงจ่ายยุทธพงษ์ คอยสะสมชิ้นส่วนใบหูของศัตรูคราวนี้ไม่เอาแต่กลับตอบย้อนไปที่พันตรีเมลงกันที่เคยชอบเรื่องนี้เช่นกันซึ่งก็ปฏิเสธอีกด้วยเหตุผลเดียวกันเมเจอร์โรเจอร์ดูจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเกมนี้อยู่อีกเมื่อขยับตัวมานั่งใกล้ๆจ้าดาวเหนือนอสตาเส้นทางข้างหน้าเนี่ยคุณคิดว่าเราจะพบคาราวานแบบนี้อีกไหมห้า50บห้าิครับพบหรือไม่พบก็ได้แล้วถ้าพบอีกคุณจะทํำยังไงตัวผมเองผมไม่รู้แต่เมื่อถึงเวลาพวกมันนั่นแหละจะเป็นคนบอกให้เราทํา คุณหมายความว่าไงที่พวกมันจะเป็นคนบอกเราก็หมายความว่าการมาของเราครั้งนี้เป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะพวกมันไม่เกี่ยวเราต้องการปิดลับในเรื่องของเราแต่ว่าถ้าความลับของเราต้องเสียเราก็จําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นกองคาราวานฝิ่นหรือใครก็ตามนี่คือแนวทางการปฏิบัติมาถึงคร่าวที่ต้องเผชิญกับไอ้พวกนี้แนวอื่นไม่มีหรอว่าอาจจะมีถ้าจําเป็นแต่ความจําเป็นนั้นต้องเกี่ยวกับการที่เราต้องคืบคลานเข้าหาเป้าหมายซึ่งหมายความว่าเราอาจต้องใช้พวกนี้เป็นสะพานข้ามไป ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละไม่เจืรอโรเจอตอบแบบง่ายๆและตรงๆพร้อมกับหันหน้าไปทางพันตรีคอร์ลินบางไม่มีคำตอบใดออกจากปากของพันตรีคอร์ลินอีกเช่นกันแกก็ยังเดาไม่ออกกระนั้นทั้งสองพันรีก็ไม่ได้มีความหนักใจแต่อย่างใดจากประสบการณ์นั้นจ่าดาวเหนือที่มีพรสวรรค์ไม่เหมือนใครมาแก้เกมได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง การคาดคั้นให้เขาพูดถึงแผนการปฏิบัติในขั้นต่อไปอย่างละเอียดนั้นไม่มีทางทำได้คนยังเขาจะพูดอะไรเพียงเท่าที่แน่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรจะพูดอีกก็เลยต้องหันไปความวิทยุเล็กเตี้ถึงไหนแล้วบอกเส้งทางเราพี่จ่าดาวเหนือมองย้อนไปทางทิศนั้นด้วยแววตาที่ไม่เสเบยนะักใช้เส้นทางไหนนะ่ะตัดขึ้นยอดเนินเลยพี่โอเคเระงว่ามันจะยังไม่ได้ถอนตัวด้วยนะครับพี่ บางทีมันอาจจะยังไม่ย้ายไปไหนเลยก็ได้มันอาจจะยังฝั่งตัวอยู่ที่เดิมเตรียมดักรอยเหยื่อไลต่อไปเพราะฉะนั้นบนยอดเนินนั้นต้องดูให้ดีด้วยครับพี่อย่าเพิ่งตัดขึ้นยอดเนินโดยตรงเลยใช้บริเวณกลางเนินสำรวจพื้นที่ก่อนแล้ค่อยว่ากันส่วนการเข้าถึงเป้าหมายถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าไประวงัรวงรองรองเท้าหน่อยแล้วกันไม่ไงั้นมันจะรู้มีสามพวกที่มาที่นั่นครับพี่มึพูดคำอื่นเป็นกันไหมวะหรือแม่งไม่ได้สอนมาครับพี่ไอ้เล็กพูดอยู่คำเดียวแม้คาสุดท้าย เพราะมันไม่อยากพูดนั่นเองท่าที่ย่างก้าวไปกับการตรวจการพื้นที่ข้างนาไอ้เล็กต้องทําอย่างระมรัดระวังที่สุดคําเตือนที่หัวหน้าชุดสั่งไปนั้นมันทําอยู่กอดแล้วจึงไม่น่าต้องเป็นกังวลเหลือระยะทางอีกไม่กี่ร้อเมตรที่จะถึงลานสมนรภูมิชิงฟิน่นเสียงปืนที่เงียบสนิทนั้นเป็นนิมิตหมายว่าได้มีการแพ้การชนะแบบเด็ดขาดไปแล้วนั่นเองกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแก่สายตาชุดเคลียร์พื้นที่ใ น, นระยะ 400-500 เมตรไอ้เล็กรายงานเหตุการณ์ทันที เจอแล้วพี่เจอใครอิมูเซดามสองคนนั่นเหรอไม่ไหวที่จ่าดาวเหนือจะโจกไปก่อนดี๋ยวความมุ่งหมายที่จะผ่อนคลายความเครียดของลูกน้องทั้งสองในโอกาสทํางานอย่างอิสระต่อหน้าศัตรูอย่างนั้นไม่ใช่หรอกพี่บอกพิยุทธเด้วยหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ไงวะหมอคอปโดหมาคาบไปแดกกัดิไอพวกนี้ออกไปแล้วพี่เออเสีย ด, ดายไหนว่ารายละเอียดมสิครับพี่อมูเซดามนอนตายเกลื่อนเลยสงสัยไม่มีใครรอดแน้่ลาลอก็ไม่เหลือ ภาพการตายของมูลโซดาพวกนั้นเข้ามาในห่วงสานึกผมไม่ต่างกับที่เคยพบมาแน่ฝ่ายที่ถูกโจมตีต้องเสียเปรียบทางภูมิประเทศรวมทั้งเสียเปรียบด้านจำนวนคนอาวุธและโอกาสอีกด้วยแบบนี้จะมีอะไรเหลืออีกพวกเป็นใครดูไม่ออกหรอพี่หน้าตาผิวพรรณเหมือนคนจีนแต่งเครื่องแบบสีเขียวแบบทหารรองเท้าคอมแบตแบบเราใช้ปืน M16 ก็มีอากาก็มีมีเป้หลังด้วยที่เอวคาดมีเดินป่ายาวเกือบแขนทุกคนเลย โอเคพวกเคมทีจาดาวเหนือพูดอย่างเรื่อนลอยคนที่ฟังรู้สึกงุนงงต่อคำนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ยังไม่ซักไซส์อะไรปล่อยให้เขาติดต่อวิทยุหารายละเอียดกันต่อไปอีกอะไรพี่เคมทีแหละเออนะ่เช้าวมนก่อนตอนนี้มันกำลังทำอะไรพูกมันห้าสิบคนตรงตามที่พี่ว่าเปียบเลยกำลังทยอยกันลงไปที่ร่องเขาที่มันซุ่มยิงอะพี่รู้สึกจะระมัดระวังมากเลยค่อยๆก้าวลงแล้วหลบทอที่กำบางก่อน รู้สึกว่าคนสั่งการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ผมอยู่ไอ้พวกลูกน้องมันแผดกัะชากลงทีละชุดทีละชุดตามคําสั่งหัวหน้ามันอีกนานนะพี่กว่ามันจะลงไปถึงมูเซอรดามอะโอเครายงานต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มึงอยู่ห่างระยะเท่าไหร่วะสะ500ักห้ารอเมตรครับพี่บนสันเนินรู้สึกว่าที่กำบังดีมุมตรวจการก็ดีน่าน่าจะน่าจะปลอดภยัยแล้วพี่โอเคงั้นปากหลักตรงนั้นเลยไม่ต้องไปให้ไกลวันนี้หรอกเอาแค่ให้รู้ว่าใครเป็นใครกําลังทําอะไรเท่านั้นทอคอยดูมันต่อไปครับพี่ ความคิดที่สับสนในหลายๆเรื่องเริ่มประดังเข้ามาในสมองยังวาดภาพไม่ออกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เพิ่งจบลงไปนี้จะเกี่ยวพันกับภารกิจของตนหรือไม่อย่างไรพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เต็มไปด้วยทรัพยากรประเภทยาเสพติดพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจำนวนที่ไม่กี่แห่งของโลกการเข้มค่าล้างผ่านเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามเราทำกันอย่างโหดเหี้ยมและทารุณจ่าดาวเหนือใช้เวลารอคออยู่หลายนาที แต่ทางไอ้เล็กลายงานเข้ามาอีกพี่พี่พวกเคมทีอะไรของพี่ตอนนี้มันลงไปกันหมดแล้วพี่แนวยาวเหยียดเลยมันใช้ล่าหนึ่งทั้งสองด้านโจมตีพวกมูสดํานะพี่ไอ้หัวหน้ามันโผล่มาแล้วนะไอ้นี่ร่างกายมันออกจะใหญ่โตคนอื่นอายุสักสี่สิเห็นจะได้หน้าตาเป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเคมทีที่เคยสงสัยมานานเริ่มประจักษ์ออกมาให้เห็นพอนี้คือหลักฐานที่เป็นสิ่งยืนยันไอ้เล็กลายงานต่อทันที พีไอ้หัวหน้ามันมาดมัอนพี่เปี๊ยบเลยจ่าดาวเหนือต้องยิ้มออกมาด้วยความสนใจผมไม่เคยได้ยินคํานี้มา ก, ก่อนจากปากลูกน้องเป็นไงวะมาดเหมือนกูเปี๊ยบมันไม่ลงมาหรอกพี่มันนั่งอยู่บนก้อนหินเอาปืนพาดเข่าจุดบุหรี่สูบมองดูลูกน้องทํางานแต่มันก็ไม่ได้สั่งการอะไรนะพี่โถ่ไอเปรตแบบนั้นน่ะดีเลยคนเป็นหัวหน้าแล้วไม่ควรจะมาแย่งงานเล็กงานน้อยลูกน้องทําปล่อยให้เป็นผลงานลูกน้องบ้างพี่ ไอ้พวกแคมทีมันชูมีดหล่าลงไปเลยพี่โหพี่มันเล่นตัดคอพวกมูเซดามกันเลยมันหิ้วหัวมาเลยอืพี่เราเจอคู่แข่งคนสำคัญซะแล้วไม่มีคําตอบหรือความเห็นจากปากของจ่าดาวเหนือไม่ได้ยินรายงานอย่างนั้นทุกคนต่างมองภาพเหตุการณ์นั้นอย่างทะลปุปุกโป่งความเยี่ยมที่พวกเขาเคยมีนั้นนับว่าจริงยิ่งที่อเล็กต์รายงานเข้ามานั่นคือคู่แข่งมันเล่นแบ่งกันคนละหัวเลยพี่ ย่ามผ้าที่สภายมาบนหลังลาหลังลอ่อตอนนี้พวกมันยึดมาเห็นมันก้มลงมองของที่อยู่ข้างในแล้วมันก้าวมาสะพายบ่าคนของมันสิบกว่าคนกําลังเก็บปืนกับกระสุนจากพวกที่ตายพี่แต่มันไม่แยกจะค้นเอาของในตัวคนตายหรือมันไม่ต้องการก็ไม่รู้นะจ้าดาวเหนือ ย, ยังอ่านสถานการณ์ได้ไม่โปร่งว่าทําไมพวกเคเอ็ทีพวกนั้นจึงไม่ค้นเอาของมีค่าที่อาจจะมีในตัวของคนตายแล้วหัวคนตายแล้วมันเอาไปทําไมสมองต้องคบคิดแต่ปากไม่พูด ปล่อยเป็นหน้าที่ของไอ้เล็กเท่านั้นที่จะรายงานเรื่องราวต่างๆที่เห็นมาให้ได้ทราบเรียบร้อยโรงเรียนช า, าวเขาแล้วพี่หมูเซอร์ดํกากลายเป็นศพไม่มีหัวหมดแล้วพวกมันไม่ยุ่งกับศพอีกเลยนะหัวหน้ามันลุกขึ้นมาพี่มันสร้างสองกําลังแล้วไอ้หัวหน้าใหญ่เดินนําไปก่อนมันเดินลงไปทางใต้นะพี่โอ้โหพี่แม่งหน้าขยะขยงที่สุดเลยไอ้คนหิ้วหัวคนไปด้วยมันปล่อยเลือดจุดไปตามทางท่าทางพวกมันชอบพอใจกันมากนะพี่แม่งคุยกันหัวเราะ ตอนนี้เริ่มถอนตัวจากพื้นที่แล้วคนของมันสามคนเป็นส่วล่วงหน้าออกเดินไปก่อนแต่ด้านท้ายขบวนไม่มีส่วนระงป้องกันไอ้พวกสะพายย่ามเดินอยู่กลางขบวนรู้สึกขบวนของมันเนี่ยจะไม่ค่อยมาระวังสักเท่าไหร่หรอพี่กี่แบบเนี่ยแท้จะเล่นเกมกับมันนะสบายเลยพี่ไอ้เล็กแรงงานถี่ยิบการกระทําของบุคคลในเป้าหมายมันแรงงานมาหมดคนที่ฟังอยู่สามารถวาดภาพเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ไม่มีวิ่แววมันจะรู้เรื่องพวกเราเลยหรอวะไม่มีเลยพี่ มันเดินทางกันตอนนี้มันคงคิดว่ามีลําพังพวกมันพวกเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ระวังอะไรเลยโอเคดูต่อไปอย่าเพงเสือกโผล่หน้าไปล่ะจ้าดาวเหนือออกจากสบายใจที่รู้ว่าการมาของพวกตนยังเป็นความลับอยู่ขอภาวนาให้มันรับต่อไปเถิดเราคิดว่าหากไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ยอมพบหน้ากับขบวนการพวกนี้อย่างเด็ดขาดน่าจะตามมันไปอีกสักหน่อยนะพี่จะได้รู้มันไปไหนกันไม่ต้องหลอกเล็กง่ายๆเราไปคนละทางกับมันอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วถอนตัวกับมันได้เลยครับพี่ ไอ้เล็กกลับไเปเบียดเพ่งมองเหตุการณ์ต่างๆในกล้องส่องขยายนั้นออกไปอีกคนที่หิ้วหัวคนด้วยความชื่นชมนั้นบางคนมีการยกหัวนั้นขึ้นมาดูหน้ามันอีกบางคนก็มีการสนทนากับหัวซึ่งเป็นการพูดแบบพูดคนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพูดทําไมแต่ที่แน่ๆก็คือมันพูดด้วยความแข็งหรือสมใจปรารถนาเสียมากกว่าที่จะพูดด้วยความสงสาร ตอนที่สิบสองทั้งสองคนกวาดกล้องส่องกลับมาที่ลานเลือดมูเซอร์ดำอีกครั้งมันจะจดจําภาพผีหัวขาดที่กลัดเกลื่อนในบริเวณนั้นเอาไว้มองไม่เห็นเหมือนกันว่าร่างไร้วิญญาณของมูเซอร์ดำผู้หญิงสองคนนั้นอยู่ที่ไหนแม้แต่ตอนที่ถูกตัดหัวก็มองไม่เห็นใจส่วนหนึ่งอยากจะให้สองคนนั้นรอดปลอดภัยจึงพยายามไล่กล้องไปตามพื้นที่ต่างๆเพียงหวังจะพบร่างนั้นบางแต่ก็ไม่พบแม้แต่ตามซากร่างของลานและาลอ่อ อ จ, จะมีคนแอบแฝงกำบังก็ไม่มีนานเท่านานที่สำรวจอยู่อย่างนั้นตามปภาษาของคนมีเวลากระทังแน่ใจว่าไม่มีอะไรน่าสนใจต่อไปอีกแล้วไอเล็กจึงลดกล้องขยายลงจากตาหันมาพูดกับไอเปียกบ้างเมื่อหาอะไรของมึงวะไอเล็กถามในขณะที่เห็นไอเปียกยังเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นอยู่ในกล้องขยายนั้นคนที่ถูกทักยังไม่ตอบแต่กลับพยายามจัดระดับกองให้พลาดกับโขดหิน เพื่อให้มันนิ่งด้วยความมุ่งหมายอะไรสักอย่างมือขวาจับกล้องแล้วใช้มือสายคว้านหาเศตหินเศษดินก้อนเล็กๆเพื่อจะเอามาหนุนระดับกองให้นิ่งอยู่กับที่ก่อนจะวางมือกระทั่งเรียบร้อยกูเห็นคนว่ะแอบซุ่มอยู่ในซุ้มไ ม, ม้มึงดูในกล้องกูสิมึงดูมุมฉากระยะนะนะกูจัดภาพไว้ตรงนั้นพอดียายกล้องเคลื่อนเว้ยเอากล้องมึงมาให้กูแล้วมึงลองดูในกล้องกูนี่ไอ้เล็กส่งกล้องของตัวเองให้ไอ้เปียกแล้วมันเองก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปส่องกล้องนั้นแทนไอ้เปียก หลังแรกยังไม่ยอมจับกล้องเพราะกลัวว่าภาพที่จัดไว้นั้นจะเคลื่อนไอ้เล็กค่อยๆเลื่อนหน้าเข้าไปใกล้ช่องมองกระทั่งได้ที่จึงใช้มือจับกล้องนั้นในขณะที่อเอ้เพียกเอากล้องอันใหม่ขึ้นมาส่องจัดการปรับโฟกัสให้เขากับสายตาสม้มาย้สีเขียวเข้มยาวประมาณสักสิบเมตรมีไม้แห้งรูปตัววีพาดอยู่หางตัววีข้างขวายาวกว่าข้างซ้ายเลยจะส่วนต่าสุดของตัววีมาทางซ้ายประมาณครึ่งหนึ่งของซุม้มมีหญ้าแห้งมึนกระจุกมึงเห็นไหมเห็น ไอ้เปียกพยายามอธิบายภาพที่มันจัดเอาไว้ให้เล็กค้นหาตามซึ่งก็ได้ผลเมื่อภาพของคําอธิบายนั้นปรากฏให้เห็นในกล้องเล็งอย่างครบถ้วนไอ้เล็กเริ่มขยับกล้องแล้วปรับโฟกัสอีกครั้งในขณะที่ไอ้เปียกอธิบายต่อกูเห็นมันขยับขยื่นมานานล้ะตั้งแต่ตอนเรามาทีแรกกูว่ากูเห็นคนคลานเข้าไปตอนนั้นโฟกัสกล้องมันยังไม่ค่อยดีกูก็เริ่มไม่แน่ใจตอนหลังกูมาจับตาดูตรงนั้นนี่ตอนที่ไอ้พวกโจมตีมันเข้าไปตัดคอคนตายกูก็เห็นมันไหวๆตรงนั้นนี่ ไอ้เล็กล้าสายตาจากช่องมองเราใช้มือขยี้ตาเพราะเมื่อสายตาเต็มทีมันมองนอกกล้องอีกครั้งจึงเห็นว่าจุดที่กําลังเพ่งพินิษอยู่นี้ห่างไปทางท้ายขาบวนของพวกที่ถูกซุ่มโจมตีมากและเชื่อว่าเหยื่อสังหารที่รอดตายนั้นคงไม่ได้อยู่ส่วนกลางของขบวนเดินจึงไม่เ ป, เป็นเป้าที่น่าสนใจหรืออาจจะรอดพ้นจากการมองเห็นได้การที่เขาสามารถรอดพ้นได้นั้นเป็นเพราะตอนที่ฝ่ายซุ่มโจมตีเริ่มเปิดฉากการยิง เขามาถึงซุ้มไม้นั้นพอดีจึงถือโอกาสชาร์จตัวเข้าไปแอบซ่อนได้โดยเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่ไวกว่าคนอื่นที่ต้องชาร์จยาวกว่าจะหาที่กำบังได้และการที่ซุ้มไม้ใหญ่ซุ้มนั้นอยู่นอกเขตหรือสุดเขตพื้นที่ฝังหารพวกซุ้มโจมตีเลยไม่สนใจแล้วความจริงก็ประจักษ์ออกมาไอ้เล็กขวาวิทยุทันทีพี่พมีมุสดมล่อตายด้วยน่าใจาน้ยดูให้ดีสิ แน่ใจพี่ผมเห็นมันขยับตัวอยู่ในสุ้มไมที่ท้ายสุดของขบวนเดินนะพี่โอเคแล้วตอนเนี้พวกเคมทีนไปไกลยังวะน่านจะไปสักกิโลแล้วพี่โอเคจับตาดูไว้ก่อนเดี๋ยวให้คนไปเสริมจาดาวเหนือพูดแบบเลื่อนลอยเหมือนสติไม่อยู่กับเหนือกับตัวในสมองกําลังคบคิดอย่างหนักว่าถ้าได้ตัวพวกนี้มาเขาจะสแสวงประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆก็คือหากเอาตัวมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วต้องเพิ่มภาระแ ก, ก่พวกเขาเป็นอย่างมากอย่างแรกก็คือเรื่องอาหาร เรื่องต่อไปก็คือเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยของคณะปาทที่ต่อไปนั้นจะส่งคนไปเสริมเพื่อเป็นการประวิงเวลาสำหรับการตัดสินใจที่แน่นอนอีกครั้งพี่ผู้หญิงวะพี่โอโ้โหพี่นี่ยอดจริงๆทำนายได้แม่นยำยังกับตาเห็นคนที่ยิ้มออกมาแก้มแทบปริก็คือจ่ายยุทธพง์ที่คิดจะเคลมยีสาวมูเสอดาตั้งแต่แรกเห็นคราวนี้ทุกคนต่างหันมามองที่หัวหน้าชุดเป็นตาเดียวกันหมด ไม่น่าเชื่อเลยว่าฮูและตาตัวเองจะได้พบกับเรื่องแบบนี้จากดาวเหนือที่เคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวอีมูเซอร์ดำมันจะมาหาเองเรื่องนี้มีแววความเป็นไปได้เกิดขึ้นอีกแล้วแน่ใจนะมึงสองคนนะมึงดูดีๆนะไม่ใช่ผีหลอกองตององวานละแยะเลยนะหน้าพี่ผีเหรอที่ไหนกันผีนะผมไม่กลัวอยู่แล้วคนจริงๆพี่พี่มันขยับตัวเแล้วขานิก็ขยับเต็มที่เลยสงสารมันจะออกมาไม่ได้อพี่เอ้า ออกมาไม่ได้แล้วมันเข้าไปได้ไงวะโผพี่ความกลัวตายยากแค่ไหนก็ต้องเข้าไปให้ได้นั่นแหละพี่สงสัยซุ้มนั้นเป็นหนามทั้งนั้ น, ลนเลยออกยากหน่อยพี่จ่าดาวเหนือพยายามแกล้งพูดโยกโย่เพื่อให้สองคนนั้นตรวจดูให้แน่ใจจริงๆแต่ทั้งเชื่อแน่ว่ามันคือความจริงจึงหันไปทางพันเตรีม ร, มริการทั้งสองเอามันมาไห ม, มเจ้แน่นอนเอามาเถอะเอามารีดข่าวกันก็ได้ไหนจะนั้นไม่ยากอะไรถ้าจะสังหารมันทิ้งผู้หญิงก็ไม่เจอก็ไม่แปลก ไม่เจอร์่าผู้หญิงลงเหรอแล้วผู้หญิงค่าเราได้ไหมเล่าพันตรีโรเจอร์เห็นด้วยกับการที่ต้องเอาตัวมันมาเพื่อประโยชน์ทางด้านข่าวสารซึ่งจากดาวเหนือเองก็ยังดูไม่ออกว่าจะเอาข่าวอะไรจากผู้หญิงมูเซอร์ดำเห็นหรือยังว่าเล็กกี่คนน่ไม่แน่ใจว่ากี่คนพี่แต่คนจริงๆผมรับรองลายขาวดำที่แขนเสื้อผมก็เห็นนะตอนเนี้ภาพโพหัวสีขาวมัุดเห็นเส้นผมยาวเฟื้อยพี่จะว่าผมตาฝาดได้ไงโอเคดูดีๆไว้ก่อนนั่นมีอายุตดมันนะมึง ถ้มียมัเป็นไรไปอะผมมันเอาเมืองตายกูไม่รับรองด้วยโอยเมียใครก็เมียใครเถอะพี่พี่สั่งการมาแล้วไม่ได้ผมทายังไงตอนเนี้ปวกระบอกตาจะแย่อยู่แล้วไอ้เล็กร้องโวยออกมาพอะเห็นว่าโอหน้าชุดมรโยกโยไม่ยอมสั่งการอะไรสักทีชักลาคาดจากดาวหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรกับการโวยวายนั้นหันมาทางจ่ายยุทธพงศ์อีกครั้งว่างยุทธเปลี่ยนใจเปล่าหน้าไปเอาตัวมาหน่อยเลยเว้ยครับพี่ชาตไปไปกันจ่ายุทธพงศ์กับไปชาติพลาออกไปทันที โดยเท้าที่9้าวยาวเมื่อตรวจสอบแล้วว่านนะพื้นที่สังหารไม่มีอันตรายจะฝ่ายตรงข้ามแน่ทั้งหมดใช้เวลาคอยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่เห็นจยุทธภงค์กับไอชาติขวาผู้หญิงมูเซอร์ดำมาด้วยคนละคนโดยพักพวกอีกสองคนระวังท้ายมาให้พันตรีในการทําท่าเหมือนไม่เชื่อสายตาตัวเองนองตาคุณเป็นผีเป็นคนหรือเป็นพระเจ้ากันแน่ทาไมหรือเมเจอร์ก็ที่คุณพูดไวนะ้น่ะทําไมมันเป็นจริงได้เล่า จกดาวเหนือหัวล้อในลำคอโดยน้ำเสียงไม่แจ่มใสนักไม่ตอบคำถามของพันตรีโรเจอร์เพราะในใจเริ่มเห็นเขารางของความวุ่นวายแล้วเรื่องแรกก็คือภาษาที่จะพูดกันในเมื่อเขาเองตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยได้ยินภาษามูเซอร์เลยแม้แต่คำเดียวตอนนั้นทุกคนยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้นอกจากจ้องมองยิงสาวเผามูเซอร์ดาทั้งสองนางนั้นที่ผิวกับขาผ่องเป็นยองใหญ่ ตรงกันข้ามกับชื่อเผ่าเลือดสาวออกจากเปล่งปังตามวัยที่คงไม่เกิน18ปีเสือพาธีรุ่มล่ามช่วยบทบางส่วนสัตว์ที่แท้จริงไว้ภายในเสียสินความอ่อชรออ่อนแอตามลักษณะหญิงสาวทำให้หลายคนไม่คิดเลยว่านางจะมีความสามารถถึงขนาดหยิบยื่นความตายให้แก่คนอื่นได้ความรู้สึกที่ได้พบเห็นจึงกลายเป็นความสงสารขึ้นมาทาทางที่ห ว, ดวาดหวาดต่อสิ่งใหม่ที่พบเห็น กับการที่ถูกพาที่เคยพกพันหัวพันตัวเองผูกมัดข้อมือควายหลังให้สิ้นอิสรภาพนั้นทำให้ต้องเดินก้าวเทวาตามแรงที่คนคอยขยุ้มคอเสื้อด้านหลังผักส่งกระทั่งทั้งสองนางเข้ามาถึงใจกลางวงล้อมของชนจากถิ่นอื่นไม่ต้องสั่งหรือบอกอีกนางทั้งสองนั่งลงทันทีเมื่อคนมีมารยาทดีจ่าดาวเหนือสารวจหน้าตาเรือนรางและบุคลิกท่าทางมูเซอร์ดาทั้งสองนั้นอย่างใกล้ชิด กลิ่นกายสาวชาวเขาที่ค่อนข้างจะเหม็นสาบเพราะไม่ค่อยอาบน้ำช่วยมากระทบจมูกบางครั้งกลิ่นนั้นแรงจนต้องการลมหายใจก็ไม่ได้บ่นหรือว่าอะไรเพราะคุ้นเคยกับกลิ่นพวกนี้เสียแล้วโดวยเฉพาะเผ่ามงที่ต้องคุกครีกันบ่อยๆสําหรับการปฏิบัติภารกิจในลาวสองสาวที่ก้มหน้านิ่งมองดินมองหินต่างรู้ตัวว่าตกเป็นเป้าสายตาของบรรดาชายทั้งหมดที่ล้อมวงอยู่ห่างๆนั้นนางคงไม่เข้าใจหรอกว่า คนที่อยู่ใกล้นางจริงๆเพียงสามคนแต่ที่เหลือส1บคนทําไมจึงต้องอยู่ให้ห่างออกไปบางคนห่างไปตั้งยี่สบสเมตรเราก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าจากท่าทางที่สั่นเทิมไปทางล่างนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวภาพของพักพวกร่วมเผ่าพันธุ์ที่มาถูกฆ่าตายอย่างทารุณที่เพิ่งผ่านพ้นไปจากสายตาแล้วตนต้องกลับมาตกอยู่ในอุ้งมือของคนไม่ทราบฝ่ายอีกไม่รู้นะอนาคตตัวเองหรอกว่าจะเป็นเช่นไร จ่าดาวเหนือมองหน้าพันตรีเมรดกันทั้งสองแล้วหันไปทางจ่ายยุทธพง์ก่อนที่จะพูดอะไรเอาซิเมเจอร์จะรีดข่าวไม่ใช่เหรอผมพูดภาษาของเขาได้สัเมื่อไรหร่เล่าเอา้าก่ไหนว่าจะรีดข่าวไงเล่าจ่าดาวเหนือพูดปนหัวเราะพอรู้แล้วต้องได้คําตอบแบบนี้จึงหันไปทางจ่ายยุทธพงบ้างว่าไงยุทธจะรีดข่าวหรื อ, อยังมึงผมไม่ได้บอกว่าผมจะรีดข่าวนี่พี่ผมจะรีดอย่างอื่นมึงรีดลงเหรอวะ น้อยไปสิพี่รับรองไม่มีเหลือจใจยุทธพงศ์พูดจริงเราก็ทําจริงพอเรื่องแบบนี้แกไม่เคยเว้นป่าดงพงไพรที่มีแต่ผีสางกับเทวดาเท่านั้นที่จะมารู้มาเห็นแกจึงไม่กลัวเรื่องทํำนองนี้ไม่เคยรู้ไปถึงหูคนอื่นพอผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของแกหมกไม่มีชีวิตออกไปเล่าหรือบอกแกใครได้ครั้งนี้ก็เช่นกันที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์คงไม่แตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาจากดาวเหนือที่เป็นหัวหน้าชุด ก็มีคิดที่จะว่าหรือห้ามปรามตะย่างใดแม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบวิธีการแบบนี้ก็ตามแต่ความที่โตนรักเพื่อนร่วมงานรักลูกน้องมากกว่าจึงต้องปล่อยให้เขาตัดตวงความสุขเอาเองเมื่อต้องการบางครั้งการรักษาน้ําใจกันกับการรักษามนุษยธรรมนั้นนักรบอย่างพวกเขาต้องเลิกเอาสิ่งแรกเพราะเมื่อบวกลบคูณหารแล้วมันคุม้มค่าเราจะเริ่มรีดเมื่อไหร่อย่างโลบพี่ร้อยทางพี่เรียบร้อยก่อนนั่นแหละ เฮ้ยกูไม่ได้รีดอย่างเดียวกับมึงนะผมก็ไม่ได้รีดอย่างพี่อา้าวแล้วมึงจะให้กูรีดอะไรวะก็แล้วแต่พี่เถอะพี่จะต้มยำทำยําแกงยังไงก็เชิญแต่ตอนที่จะส่งให้ผมอะขอยมีลมหายใจหน่อยก็แล้วกันจ้าดาวเหนือไม่ว่าอะไรหันมาทางพันเตรีเมริการทั้งสองอีกครั้งเมเจอร์เราไม่มีทางติดต่ อ, อ, บอกบกได้เลยเหรอเดี๋ยวนี้น่ะเหรอใช่ไม่มีอ่ะคุณมีแผนการอะไรเหรอก็จะรีดข่าวให้เมเจอร์นี่แหละครับคุณคิดจะให้บกช่วยยังไง ก็ยังไม่รู้เหมือนกันคงทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ยังไงอ่ะเรารอกระทั้งติดต่อบอ ก, อกอให้ได้เสือก่อนถึงตอนนั้นก็คงรู้ว่าเราจะรีดข่าวได้หรือไม่ถ้ารีดไม่ได้ก็ต้องให้ยุทธพงศ์เข้าใจการรีดของเขาเองจ้าดาวเหนือหมดอารมณ์ที่จะพูดเล่นเมื่อเห็นปัญหามองซ้ายมองขวาแล้วแก้มัดที่ข้อมือของสองนางนั้นออกจัด ก, การส่งกระติกน้าให้แม้ไม่ต้องพูดอะไรเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใจกันผ่าทางใจดีของจ้าดาวเหนือ ทำให้สองสามูเซอร์ดำรับกระติกน้ำแล้วดื่มคนละอึกสองอึกวางกระติกน้ำลงแล้วบิดข้อมือเพื่อขับไล่ความเมื่อยขบสายตาที่เปี่ยนไปด้วยแววขอความเมตตาจับจ้องอยู่แต่ที่จาดาวเหนือตอนที่13ทั้งสองนางค่อยๆขยับตัวจาท่านัง่งผับเพียบมาเป็นท่านั่งคุกเขา่าสองมือยันพื้นก้มศีรษะลง จนหน้าผากจะหลดผื่นแล้วเงยขึ้นทำซ้ำอย่างนั้น4ี่ห้าครั้งจึงหยุดมือที่ยันพื้นขึ้นกลับมากุมกันไว้ที่หน้าอกด้วยอาการสํารวมทุกคนมองอาการนั้นยยอย่างเฉยเมยพอรู้ว่านั่นเป็นวิธีคารวะอ ย, ย่างสุดซึง้งที่ชาวเขาหลายเผ่ า, า, าปฏิบัติกันน้ําตาไหลเ อ, อ่ อ, อกมาจากเบา้าปากคลําด้วยเสียงที่สันเครือพลังผูดคําพูดออกมาด้วยภาษาของตัวเองหลายคนที่ฟังอยู่หัวล้อเบาๆ คำตรงที่ตนนั้นฟังภาษานั้นไม่รู้เรื่องมากกว่าที่จะคำในอาการท่าทางดูเหมือนความหมายที่นางทั้งสองพยายามพูดนั้นเป็นการขอชีวิตและเป็นการขอบคุณที่ช่วยชีวิตเอาไว้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าขอร้องให้ปล่อยนางไปหรือเปล่าไม่มีใครพูดหรือตอบคำถามใดๆกับนางทั้งสองแม้จะพร่ำววนสักเพียงใดคาพูดเริ่มน้อยลงทั้งสองนางก้มศีรษะจะลดพื้นอีกวาระหนึ่งแล้วลุกขึนทาท่าจะจากไป คงหมายถึงว่านางได้รับอนุญาตให้จากไปได้แล้วนั่นเองพวกที่นั่งมองอยู่ต้องงงกับเหตุการณ์หยุดเว้ยเขาจะไปแล้วนะเว้ยร้อนถึงใจ ย, ยุทธพงศ์ที่ต้องลุกมามือทั้งสองขยุมที่ปกเสื้อด้านหลังของทั้งสองออกแรงกดให้นั่งลงอย่างเดิมภาษาไทยที่พูดออกมาแม้จะไม่รู้ความหมายแต่อาการและท่าทางคนที่พูดก็บ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าไม่ให้ไปไหนให้นั่งอยู่ที่นี่ ทนางเก่งพอก็คงจะรู้ว่าคนที่กระชากให้นั่งลงนั้นขู่ที่จะเอาชีวิตนางหากคิดหลบหนีจ่าดาวเหนือได้แต่ ห, วหัวเราะพอรู้ว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้รู้เรื่องที่จ่ายุทธพงษ์พูดขู่เลยแต่ก็ต้องทําตามเพราะแรงที่กระชากลงนั้นมันรุนแรงพอจนไม่อาจทัดทานได้ทั้งสองนางหันมาสบตา ก, กับจ่าดาวเหนือที่นางคิดว่าคงเป็นที่พึ่งได้ทังนี้คงสังเกตจากน้าเสียงและท่าทางที่ออกจะใจดี อาการที่โหดร้ายอยู่เสมอๆก็พอจะเชื่อได้ว่าไม่น่าจะมีพิษมีภัยดังนั้นจึงต้องเข้าหาที่พึง่งด้วยการคืบคลานเข้ามาใกล้คนที่คิดว่าใจดีนั้นจ่าดาวเหนือไม่ได้พูดอะไรขอบพูดไม่เป็นก็ได้แต่พยักหน้ายกมือขึ้นแล้วทาท่าให้นั่งลงอยู่อย่างสงบเท่านั้นเองนั่นแหละทั้งสองนางจึงยอมทําตามแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะหันไปมองทางจ่ายยุทธพงศ์ด้วยสายตาที่หวาดหวัน่นนอสตา ที่คุณว่า KMT นั้นอะอะไรของคุณพันตรีโรเจอร์เห็นว่าได้โอกาสจึงถามในสิ่งที่ข้องใจจากดาวเหนือหันไปมองหน้าแกนิดหนึ่งแล้วหันมาทางหญิงสาวอีกครั้งหัวเราะเบาๆแล้วส่งหมากฝรั่งให้พร้อมกับทําตัวอย่างในการกินให้ดูหญิงสาวรับไว้ในมือมองหน้ากันเองก่อนจะยอมทําตามแล้วจากดาวเหนือจึงหันไปตอบคาถามแก่พันตรีโรเจอร์และคนอื่นที่สงสัย KMT ก็กบมีนตั๋งไงเล่าคุณอธิบายรายละเอียดหน่อยสิ ก๊กมินตัง๋งก็คือทหารจีนคณะชาติหรือจีนไต้หวนันหรือจีนไทยเปยหรือจีนเจียงไคเชกแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อไหนจีนพวกนี้เป็นทหารสังกัด ก, ก, กองพล93ที่จอมพลเจียงไคเชกส่งมาเตรียมที่จะตีตลบหลังกองทัพของเหมาเจ๋อตงพวกนี้อยู่ที่รอยต่อ3ประเทศไทยลาวพมา่าอยู่มานานแล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่พวกนี้ไม่ใช่นิยมรัทธิคอมมิวนิสต์จึงคิดที่จะต่อต้านพวกที่อยู่ที่นั่นด้วยการค้า ฟ, ฟิ่นทําเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่ด้วยการร่วมมือกับชาวเขาทุกเผ่าพันธุ์ พวกนี้มีอิทธิพลค่อนข้างมากในการเดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่าง3ประเทศเนี่ยบางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธและเงินจากประเทศทั้ง3นี้ด้วยพวกนี้รู้จักกับขบวนการขายยาเสพติดมานานสามารถดําเนินการได้เองทุกอย่างตั้งแต่ปลูกสกัดกระทั่งจัดจําหน่ายผู้ใหญ่ในรัฐบาลบางคนยังมีส่วนร่วมกับพวกนี้ก็เคยมีสร้างความสะดวกสบายให้กับพวกมันก๊กมินตั๋งกระทาการครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งแรกคงทํามานานแล้วมันเป็นวิธีโดยทางรัฐอย่างดีเลยแหละ แล้วคมทีพวกนี้ยังไม่คิดจะกลับไปผืนแผ่นดินตัวเองเหรอคงไม่หรอกอยู่มานานจนมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วว่าที่จริงนะพวกนี้ก็เคยมีแผ่นดินอยู่ในผืนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เมื่อมาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะกลับไปเอาได้ยังไงก็เลยต้องหาทางตั้งโลกลากอยู่ที่รอยต่อ3ประเทศนั่นแหละดีที่สุดแล้วรัฐบาลไทยว่าไงไม่รู้ผมไม่ได้เป็นนายกงั้นเราก็น่าจะคบกับพวกนี้ทําการต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรไม่ได้เหรอผลได้ผลเสียมันจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้สิคุณมีรายละเอียดเรื่องนี้ไหม มีแต่ถ้าจะให้เล่าอ่ะผมว่าอีกสามวันก็ไม่จบโอเคแล้วคุณรู้ได้ไงว่าพวกนั้นเป็นพวกเคเมทีเครื่องแต่งกายของมันที่ทําเป็นเครื่องแบบทหารที่พวกมันทําเอาไว้สําหรับเป็นสีสร้างฐานอานาจให้กับตัวเองไงเล่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าพวกเคเอมทีจะดักป้นพวกมูเซ่ดาพวกนี้ทีแรกก็ไม่ได้คิดหรอกครับผมคิดแต่เพียงว่าถ้าเป็นฟิ่นหรือเฮโรอีนหรือแม้แต่ทองเพชรหรือของมีค่าอื่นๆมันมักจะมีการดักป้นกันอยู่เสมอ แล้วเมเจอร์ลองคิดดูว่าที่เนี่ยจะมีกฎหมายอะไรมาคุ้มครองคนโดนป้นกับคนที่ป้นมันใกล้พวกเดียวกันผมก็เดาๆไปงั้นเองแหะครับแล้วทําไมมันถูกล่ะอันนี้เมเจอร์ต้องไปถามพระเจ้าถึงจะรู้ไม่ต้องหรอกผมถามคุณนี่แหละผมว่าบางทีคุณรู้ดีกว่าพระเจ้าซะอีกนะเฮ้เมเจอร์ผมว่ามันจะโอเวอร์ไปหน่อยแล้วนะโอเคแล้วผู้หญิงสองคนนี่แหละคุณรู้ได้ไงเขาต้องเข้ามาหาเราอันนี้ผมพูดเล่นๆจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นไปได้ยังไง ผมว่าคุณต้องรู้เลยเนาะตาพิยงแต่คุณไม่ยอมพูดเท่านั้นเองเฮ้ยเมเจอร์นี่พิกลจริงก็ผมบอกแล้วไงไม่รู้จะมาบังคับให้รู้ได้ยังไงนั่นแหละพันตรีเมันกันทั้งสองจึงต้องเงียบไปยอมรับว่าตนได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนอีกมากโดยเฉพาะขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่สามเหล่มทองคำํำขบวนการอู้ชาติของจีน KMT ก๊กมินตั๋งที่ฝั่งตัวอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยและใกล้เคียง แม้แต่ความประหลาดของคนยังจ่าดาวเหนือที่สามารถร่วงรู้เหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้แล้วผู้หญิงสองคนนี้คุณคิดว่านาคตเขาจะลงเอยแบบไหนจ่าดาวเหนือโหดเลาะแล้วหันไปมองหญิงสาวทั้งสองซึ่งดูเหมือนจะรู้ตัวว่าตนเองถูกพูดถึงมาจ่าดาวเหนือหันไปมองท่าทางที่สงบสงเงี่ยมอยู่แล้วกลับเป็นท่าทางที่หวาดวันออกมาอีกไม่รู้จ่าดาวเหนือตอบสั้นที่สุดเท่าที่คิดว่าจําเป็น ผมไม่ต้องการทำตัวเป็นผู้วิเศษที่สามารถทักทายหรือทำนายอะไรต่อมีอะไรให้วุ่นไปหมดจัดการล้วงสมุดพกออกมาจากเป้หลังแล้วเขียนอะไรต่อมีอะไรลงไปมากมายก็เลยไม่ต้องถูกใครรบกวนสอบถามโน่นนี่อีกเวลาผ่านไปเลยกระทางคำสาวมูเซอร์ดำสองคนสร้างความหนักใจเป็นที่สุดหนักลบรับจ้างใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นทานรอยสําหรับการพักนอนและดําเนินงานตามแผนของจ้าดาวเหนือที่ไม่มีใครรู้เรื่อง อาหารและน้ำจำนวนหนึ่งต้องเกดแบ่งไปให้หญิงสาวทั้งสองคนนั้นเป็นหน้าที่ของเวทและยามที่ต้องประกบตัวเอาไว้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับอนุญาตให้พักนอนอยู่ข้างๆหัวหน้าชุดก็ตามความจริงแล้วจ่าดาวเหนือไม่ได้อยากอยู่ใกล้ชิดกับทั้งสองคนนั่นสักนิดเพราะกลิ่นตัวที่แปลกของชาวเขาฟร้งความปวดหัวปวดประสาทเป็นอันมากแต่ที่ต้องทําอย่างนี้ก่อนก็เพราะจากการที่สังเกตดวงตานางแล้วนางต้องการจะอยู่ใกล้กับเขาดังนั้น จำเป็นต้องตามใจนางไปก่อนเพื่อประโยชน์บางอย่างที่อยู่ในแผนขั้นต่อไปเวลาสองทุ่มพอดีที่เครื่องบินแววเสียงมาให้ได้ยินคราวนี้จากดาวเหนือจัดการเตรียมวิทยุเองแทนที่จะเป็นไอพรที่เคยทำมาในทุกๆวันนอสตาจากซันไลท์เปลี่ยนเสียงเรียกลงมาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวซันไลท์มาเองหรือใช้เครื่องบินลานั้นเป็นตัวถ่ายทอดอีกรอกระทั่งเสียงเรียกมาสอสาครั้งจึงตอบโอเคซันไร์ตอนนี้คุณอยู่ไหน ผมอยู่ที่บอกอคุณมีปัญหาได้เหรอมีสิมีมากด้วยแต่คุณอยู่บอกอ ก, อก็ดีแล้วผมต้องการล่ามภาษามูเซ่ดำหนึ่งหรือสองคนภายในคืนนี้เลยคุณจัดการผมได้ไหมได้สินออสตา์ว่าแต่คุณจะให้ผมจัดส่งไปให้ได้หรือไงจัดส่งมาแต่ไม่ต้องส่งมาหาผมหรอกคืนลงมามีหวังผมเสียรับหมดเอา้าแล้วจะผมทําไงคุณเอาล่ามใส่เครื่องแล้วบินมาหาผมผมจะถามมทางวิทยุเองถามเป็นเพียงบางคําเท่านั้นแหละพอได้มาแล้วผมจะเอามาพูดเองโอเคไหม ผมไม่เข้าใจนะว่าคุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเอาหน้าคุณอย่าเพิ่งถามอะไรให้มันมากเรื่องเลยคุณทำตามที่ผมบอกก็แล้วกันคุณหาคนพูดภาษามูเซอร์ดามให้ได้สักหนึ่งหรือสองคนถ้าพูดภาษาอังกฤษหรือลาวได้ด้วยยิ่งดีคุณเอาเขาใส่เครื่องบินมาเลยมาบินอยู่เหนือหัวผมนี่แหละแล้วผมจะถามคำพูดภาษามูเซอร์ดามจากเขาเองหลังจากนั้นน่ะผมจะเอาคำพูดภาษามูเซอร์ดามที่ได้มาเนี่ยไปสอบถามแหล่งข่าวของผมด้วยตัวผมเองโอเคไหมโอเคโอเคเริ่มเข้าใจละ แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคุณเอาแรงข่าวมาจากไหนอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิผมอยากรู้เหมือนกันนะเชื่อ <ier> คุณยังมีเวลาแต่ผมไม่มีเวลาผมต้องการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดคุณจัด ก, การเรื่องนี้ผมก่อนระหว่างที่คุณเดินทางมาที่เนี่ยตอนนั้นเขาติดต่อกันอีกทีก็ได้ไอเครื่องที่กําลังบินอยู่ขนาดนี้ปล่อยให้มันบินไปเรื่อยๆก่อนเข้าใจหรือยังเชื่อจ่าดาวเหนือต้องด่าก่อนพูดพูดแล้วก็ต้องด่าอีกเป็นการด่าก่อนจบเล่นเอาพันเอกนองมันต้องอึ้งไป เป็นธรรมดาอยู่ดีที่แกต้องอยากรู้ความคืบหน้าของงานโดยเฉพาะงานที่นักลาดหลับจ้างทํากันอยู่ในตอนนี้หญิงสาวต้องงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณนะนี้เสียงเครื่องบินที่ดังอยู่เบื้องบนบนความสูงที่ไม่สามารถคํานวณได้นั้นมองไม่เห็นตัวแม้แต่แสงไฟที่ควรจะมีก็ไม่มีภาษาที่ทั้งสองได้ยินก็ไม่รู้เรื่องอีกว่าเขาพูดอะไรกันการติดต่อระหว่างชุดปฏิบัติการกับบกกต้องเงียบไปในช่วงที่พันเอกนอร์แมนต้องไปเตรียมการตามสิ่งที่ถูกร้องขอ นั้นเกือบชั่วโมองที่เสียงเรียกจากพันเอกน้องมันกลับมาอีกครั้งนอสตาจากซันไรต์เปลี่ยนจากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตามูเซดามที่คุณว่าอะเป็นคนเผ่ามูเซดามผมหาไม่ทันแต่ผมมีคนเผ่าอื่นที่พูดภาษามูเซดามได้คุณจะขัดข้องไหมเอซันไรต์คุณนี่ไม่น่างโง่เลยนะผมบอกว่าผมต้องการคนที่พูดภาษามูเซดามได้ส่วนจะเป็นใครอะผมไม่ได้สนใจถ้าพูดได้ก็เอามาเลยเ ร, เร็วเวลาผมมีน้อย โอเคงั้นผมมีก็เลี่ยงสองคนพูดภาษาลาวได้ภาษาอังกฤษพอได้ไอ้นี่เป็นนักบินอยู่กับนายพลวางเปลานะ่ะใช้ได้เอามาเลยคุณย้ายเขาบินนะคุณต้องนักบินของคุณเองเอาไว้ที่มือแน่ๆหน่อยเพราะที่นี่ตอนนี้อากาศปิดมากแล้วถ้านักบินมือไม่ดีบินหลงเข้าไปในประเทศจีนแล้วโดนจรวดสอยออกมาผมไม่รู้ด้วยนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคุณคอยผมอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงผมจะไปถึงที่นั่นโอเคขอบคุณวิทยุ ข, ของทั้งสองฝ่ายระงับไปอีกครั้งเมื่อต้องรอเวลา จากดาวเหนือเตรียมไฟฉายแบบพลางแสงออกมาจากเป้หลังให้พร้อมที่จะใช้งานหลังจากนั้นต้องหันไปพึ่งบุหรี่เพื่อผ่อนคลายความเครียดแต่นั้นก็ไม่ไหวที่จะหันไปมองสาวมูเซอร์ดำทั้งสองอจนได้แววตาหนั้นแฝงไปด้วยความชื่นชมและปรารถนาดีพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆที่มุมปากความขมุกขโมวของแสงสว่างที่มีน้อยช่วยขับให้ผิวที่ขาวอยู่แล้วแลดูเด่นในเงามืดสิ่งนี้แหละที่ชวนให้ชายต้องเคลิ้มหลงไปกับมัน ยิ่งยามที่ล้างห่างกับความชื่นมื่นแบบนี้บางครั้งหัวใจที่กล้าวแกลงก็ไหวหวั่นได้เหมือนกันความคุ้นเคยแม้จะไม่รู้กันด้วยภาษาพูดแต่ภาษาของกริยาที่แสดงต่อกันนั้นทำให้สาวมูเซอร์ดำผ่อนคลายความหวาดกลัวลงกลายเป็นความไว้วางใจขึ้นมาได้ตอนที่14ี่ เวลาที่รอคอยเป็นไปตามนั้นจริงๆเสียงเครื่องบินเครื่องแรกหายไปชั่วครู่กลับมีอีกเสียงมาแทนนักบินทั้งสองเครื่องคงจะติดต่อกันเองเครื่องแจ้งสัญญาณที่อยู่อัตโนมัติจากพวกทางพื้นดินปรากฏที่บนจอเรดาร์บนเครื่องที่พันเอกนอร์แมนบินมาอย่างชัดแจง้งนั่นเป็นผลพวงจากการใช้เครื่องมือที่สูงไปด้วยเทคโนโลยีที่กองทัพมหาอำนาจอย่างสราหรัฐอเมริกาจะพึงมีโอเคนอสตาทุกอย่างท้งผมพร้อมแล้ว ขอบคุณสันไลจ่าดาวเหนือเช็คในเรื่องของภาษากับกระเรียงที่ไม่รู้ว่าเป็นกระเียงเผ่าไหนก่อนโดยการใช้ภาษาอังกฤษดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องเท่าใดนักเพราะถึงจะเป็นกระเียงก็ยังเป็นกระเียงลาวที่ราคาคุยออกจะมากเกินไปสักหน่อยเลยต้องหันมาอาศัยภาษาลาวที่ตัวจ่าดาวเหนือเองพอจะรู้เรื่องบางคราวนี้รู้สึกดีขึ้นการปฏิบัติขั้นตอนนี้ก็คือ จ่าดาวเหนือจะส่งคำพูดที่เป็นภาษาลาวขึ้นไปเราให้ล่ามกะเรียงแปลคำนั้นเป็นภาษามูเซดําลงมาให้ไม่ต้องอ้อมขอมพูดคําไหนแปลคํานั้นออกมาเลยเช่นลาวว่านางมูเซดําว่าะลาวว่านายมูเซดําว่าจ่าลาวว่าบ้านมูเซดําว่าอะคอลาวว่าป่ามูเซดําว่าแฮร์บอกขอลาวว่าคนไทยมูเซดําว่าไทยป่าลาวว่าต้นไม้มูเซดําว่าเผา ล่า ว, ว่าลาวมูเซดร์ดว่าโลลา ว, ว่าไฟมูเซดร์ดว่าอามีจะดาวเหนือพยายามเลือกเอาแต่คําที่คิดว่าจะต้องใช้ก่อนโดยการเตรียมการเอาไว้แล้วตอนนี้ก็เลยต้องเสียแรงจดเอาหน่อยเท่านั้นเองการที่ตนเองเคยชินกับงานสักถามมาบ้างทําให้รู้ว่าคําไหนประโยคไหนที่คิดว่าจะเป็นทั้งคําพูดแบบชมเชยเยินยอยกย่องให้สัญญาขอร้องบังคับ หรือแม้แต่คำขู่ถึงกับตายนับว่ากะเลี่ยงที่รับหน้าที่ล่ามคราวนี้ก็ทํางานได้ดีเกินคาดไม่รู้มันเป็นกะเลียงเผ่าไหนถึงได้คล่องเรื่องภาษาของเผ่าอื่นจากการทดสอบด้วยการจัดประโยคสั้นๆพูดกับสาวมูเซอร์ดำนั้นแล้วปรากฏว่าใช้ได้กระทั่งคิดว่าพอเพียงแล้วสําหรับคําพูดภาษามูเซอร์ดํจาจ่าดาวเหนือต้องต่อด้วยการรายงานสถานการณ์ที่พบมาตลอดทั้งวันให้พันเอกนอร์แมนฟัง ซึ่งหมายรวมถึงที่มาของสาวเผ่ามูเซอร์ดำที่ต้องเดือดร้อนในการจัดหาล่ามครั้งนี้ด้วยสิ่งที่ยังให้คำตอบกับพันเอกนอร์แมนไม่ได้ในตอนนี้ก็คือการจัดการเรื่องสาวทั้งสองในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเองจ่าดาวเหนือเองอดที่จะชื่นชมในน้ำใจแห่งมนุษยชาติของพันเอกนอร์แมนนั้นเสียไม่ได้ โดยว่าหากหมดความจําเป็นที่จะใช้นางให้เกิดประโยชน์หรือนางจะก่อให้เกิดความลําบากต่อภารกิจแล้วละก็ให้เขาเป็นคนเข้าช่วยเหลือทั้งสองนั่นเองเขาพร้อมเสมอและในทุกๆสถานที่จะไปรับหญิงสาวทั้งสองนั้นมาอุปการะหรือช่วยเหลือให้รอดชีวิตต่อไปจ่าดาวเหนือไม่ได้บอกหรอกว่าทั้งสองสาวนั้นเป็นที่หมายปองของจ่ายุทธพงศ์เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมและยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินชี้ขาดว่าความสําเร็จของภารกิจกับมนุษยธรรมนั้น ควรเลือกเอาสิ่งไหนก่อนวิทยุถูกเลยงับไปพร้อมกับการเดินทางกลับไปของพันเอกนอร์แมนและไม่ลืมที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อสว่างในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมกับลามกาเรียงคนเดิมที่อาจต้องเพิ่มเติมภาษากันอีกจากดาวเหนือก้มมองเวลาที่นาฬิกาเห็นว่าเพิ่งจะสี่ทุมเลยหันมาทางสาวมูเซอร์ดำเพื่อที่จะซักถามต่อไปเจ้าชื่ออะไรเหรอข้าชื่อจลาเป็นพี่สาวคนนี้จะพือเป็นน้อง บ้านเจ้าอยู่ที่ไหนบ้านข้าอยู่หางยาเมืองหาดหินเจ้ามาที่นี่เจ้าจะไปไหนกันข้าจะไปเมืองเมืองเมืองเมืองที่หลวงน้ําทานน่ะเหรอใช่ข้าจะไปที่นั่นจ้าดาวเหนือพยักหน้ารับทราบเหมือนไม่เชื่อว่าระยะทางกว่าหนึ่งรอกิโลเมตรพวกนี้ยังอุตส่าห์เดินกันอีกไกลนะพวกเจ้าจะเดินกันไหวเหรอข้าเดินไหวข้าไปทุกปีนั่นกี่วันถึงจะถึงสามสิบวันแล้วพวกเจ้าไปที่นั่นทําไมข้าเจ้าฝิ่นไปขาย เอ้าแล้วทำไมไ ม, ไม่ขายที่บ้านเอาไปขายที่นั่นทำไมที่เมืองเมืองราคามันแพงที่บ้านราคามันถูกราคามันต่างกันยังไงที่เมืองหาดินกิโลไม่ถึง100ร้อยบาทแต่ที่เมืองเมืองกิโลละ1น0่บาทแล้ววันนี้เจ้ามีมากี่กิโลข้ามีมา120กิโลที่เมืองเมืองเจ้าไปขายให้ใครขายให้จางเหมยเหลงจ้าดาวเหนือหยุดถามเพื่อยห้คนที่ถูกซักถามได้พักบ้าง อีกทังเพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศไม่ให้ตึงเครียดจนเกินไปส่งมาฝรั่งให้กับสองสาวที่ บ, บัดนี้รู้จักกับวิธีเคี้ยวมันแล้วและออกจะชอบเพราะรู้สึกเพลินดีแต่ใจและสมองของคนที่ซักถามนั้นไม่ได้หยุดพักผ่อนไปด้วยชื่อของจางเหมยเหล่งที่คุ้นเคยมาพอสมควรเขารู้ว่าคนคนนี้คือหนึ่งในจานวนสี่สมุนมือขวาของขุนซาที่มีชื่อจริงว่าจางซ่ฟู่หรือจางฟูหยางนี่คือสาขาหนึ่ง ของขบวนค้ายาเสพติดขุนศ่าได้รับฉายาเป็นราชาแห่งยาเสพติดของโลกจึงไม่แตกเลยที่คนยังขุนส่าจะมีชื่ออยู่ในแฟ้มประวัติของตารวจสากลการให้ราคาแพงกว่าราคาพื้นบ้านถึงสิบเท่า ต, ตัวแบบนี้มีหลือที่ใครจะไม่ยอมเสี่ยงกับความร่ำรวยการรับซื้ออย่างไม่อันทำให้สถิติจำนวนยาเสพติดที่ออกไปจากพื้นที่นี้นับจานวนเป็นร้อย้อยตันในแต่ละปีการสั่ถามเริ่มดาเนินต่อไปอีก แล้ววันนี้เจ้ามาใครบ้างข้ามากับพ่อพี่ชายแล้วก็พวกเพื่อนบ้านเจ้ารู้ไหมพวกที่ป้นเจ้าวันนี้เป็นพวกไหนจีนฮอ้กงบินตางเคยมีใครถูกป้นแบบนี้มาก่อนไหมมีพวกจีนฮอ้ชอบบ อ, อกป้นเสมอๆบางทีป้นไปถึงเขตบ้านเลยก็มีรู้อย่างนี้แล้วทําไมจึงยังใช้เส้นทางแบบนี้เราไม่มีเส้นทางอื่นเพราะเราไม่รู้จักเ้า แ, แหล่งรับซื้อที่อื่นไม่มีเหรอนอกจากแหล่งที่เมืองเนะมืองน่ะมีแต่เราไม่เคยค้าขายกับเขาขอให้ราคาไม่ดีอืม แล้ววันนี้พวกเจ้าตายกันหมดเลยใช่ไหมคําถามครั้งนี้ไม่มีคําตอบจากหญิงสาวอาการที่ก้มหน้านิ่งบ่งบอกถึงความเสียใจอย่างสุดซึงภายใต้ความสลดล่างางนั้นคนที่อยู่ข้างๆเห็นหยดน้ําที่ใส่เหล้ากับเพชดไหล ย, ย้อยลงมาที่ร่องแกม้มกับอีกจํานวนหนึ่งที่เอ่ยทนอยู่ในเบ้าตาใบหน้าที่บูดบึ้งกับเสียงสะอื้นในลําคอที่ไม่ดังหนักสองสาวโผเขากอดกันยังไม่ตั้งใจพรานเสียงร้องร่ําโหยหาอาดูลพรางพลูกมาจากปาก สะอื่นหักหักจนตัวโยนดูเป็นที่น่าเวทนายิ่งหนักจ่าดาวเหนือหรือแม้แต่คนอื่นก็ตามต่างหมดกระจิตกระใจที่จะสอบถามต่อไปอีกมองดูหญิงสาวเผ่ามูเซอร์ดำที่ในยามนีสิ้นไรแล้วซึ่งทุกสิ่งไม่มีวี่แววว่าจะมีอันตรายใดแก่ใครกระคิดว่าคงไม่มีปัญญาที่จะหลบหนีไจากกลุ่มชายชะกันที่รวมอยู่ในตอนนี้ได้จ่าดาวเหนือลุกจากที่ออกมาเดินเล่นใจนั้นเริ่มอ่อนลงด้วยความมีมนุษยธรรม เดินผ่านจ่ายุทธพง์ที่มีแผนในใจอยู่เกี่ยวกับสองสาวนี้ก็ต้องถอนใจออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าจ่ายุทธพง์นั้นจะกระทาการได้ลงคอหรือไม่ไม่ได้พูดห้ามปลามล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะยังไม่อยากคิดเรื่องนี้ก่อนเวลาอันควรแล้วก็พลันต้องหันกลับมาเมื่อมีเสียงเรียกจากด้านนั้นตาฟูเยช่วยข้าด้วยเถินนะอย่าปล่อยข้าไปเลยช่วยข้าช่วยพาข้าไปส่งบ้านด้วยเถิด สาวจราที่เป็นพี่เข้ามานั่งคุกเข่าก็ดขาจ้าดาวเหนือปากก็พร่ำขอความช่วยเหลือคำว่าตาฟูเยนนั้นหากแปลตามตัวแล้วไม่ถึงเทพเจ้าการที่หญิงสาวจราใช้คำนี้เนื่องมาจากการนับถือยกย่องเป็นอย่างมากนั่นเองระยะทางที่ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งรกิโลเมตรท่ามกลางป่าถึบและขุนเขาไม่มีทางที่หญิงสาวตัวเล็กๆ เ, เพียงสองคนจะเดินทางกลับตามลาพังได้ ความยากลําบากจากภัยสารพัดชนิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นทําให้ทั้งสองรู้ดีจึงจําเป็นที่ต้อง อ, อ้อนวอนขอความเมตตาจากคนที่ตนคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้จ่าดาวเหนือค่อยๆแก่มือที่กุมขานั้นออกเราเดินนําหญิงสาวทั้งสองให้กลับมานั่งที่เดิมเห็นว่าความโศกเศร้าพ่อนคลายลงบ้างแล้วเสียงสะอื้นมีเพียงเบาๆสายตาที่ละห้อยกับอาการนั่งคุกเข่าผับเพียบ แสดงว่าพร้อมจะพูดคุยด้วยแล้วจ่าดาวเหนือจึงเริ่มการซักถามทันทีโดยไม่เปิดเผยท่าทีให้ทั้งสองคนรู้ตัวว่าเขากำลังซักถามเอาข่าวสารทงางทหารอยู่จราจะพือเส้นทางที่เจ้ามากันเนี่ยจากที่นี่ไปแล้วมันไปได้ถึงไหนมันขึ้นไปได้เรื่อยๆแหละไปจนถึงเมืองซานออยสุดเขตประเทศลาวเลยเข้าประเทศจีนได้เลยเจ้าเคยไปไหมข้าไม่เคยไปแต่พ่อข้าเคยไปบ้านที่เจ้าอยู่อยู่ห่างจากเมืองหาดหินมากไหม บ้านค้าต้องเลยทางเหนือไปอีกเดินอีกสาวันถึงจะถึงจ่าดาวเหนือส่องไฟฉายไปที่แผนที่อีกครั้งเพื่อกลุยพิกัดที่ตั้งบ้านแห่งนั้นตอนเจ้ามาเจ้าต้องผ่านเมืองวาด้วยหรือบ่าข้าผ่านแล้วข้าพักอยู่ที่นั่นสองวันแล้วจึงเดินทางต่อพันตรีเมันตรการสองคนที่ร่วมฟังอยู่ด้วยไม่รู้หรอกว่าคนที่กําลังพูดคุยกันนั้นพูดเรื่องอะไรบางเพราะจ่าดาวเหนือไม่ได้แปลให้ฟังบางครั้งที่จ่าดาวเหนือต้องอ่านคําพูดภาษา ม, มูเซอร์ดําในสมุดโนด้ต แต่นั้นก็เป็นเพียงการโนดด้วยภาษาไทยเสียอีกเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันพันตรีคอร์ลินเลยตัดความลำแขาญด้วยการออกไปเดินเล่นกับผักพวกที่วงรอบด้านนอกบ่อยครั้งแวะเข้ามาหาไออุ่นจะกองไฟที่อยู่ในหลุมลึกเพื่อไล่ความหนาวเสตทีแต่อย่างไรก็ตามนับว่าอากาศค่อยๆ ค, คลายความเน็บหนาวจากวันแรกมากแล้วทุกคนจึงอยู่อย่างไม่ทรมานมากนักแม้น้ำขางจะแรงราวสายฝนย้อยๆก็ตาม ตอนที่ 15, สิบห้าเสียงจากดาวเหนือกับสาวมูเซอร์ดำยังดังมาพอให้ได้ยินเจ้าเคยพบเห็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเผ่าเดียวกับเจ้าบ้างไหมที่นี่มีคนทุกเผ่าข้าเห็นมาตลอดข้าหมายถึงคนเผ่าอื่นที่มาจากที่อื่นอย่างพวกข้านะคนเผ่าอื่นที่มาจากที่อื่นสาวจราพูดทวนคําถามนั้นยังใช้ความคิดความจริงนางไม่เข้าใจในคําถามนักหรอกเลยหันไปส่งภาษากับเจาผือน้องสาวเป็นการสอบถามกันก่อน ข้าเคยเห็นคนที่มาจากประเทศจีนคำตอบนี้คนที่ซักถามมีอาการหูพึ่งทันทีจึงถามต่อไปอีกแล้วคนเราจะพักกลางพวกที่มาจากเวียงจนันทร์เจ้าเคยเห็นบ้างไหมเคยพวกเขายู่ลมๆกันที่ทางตะวันออกของเมืองหาดหินเจ้าเคยไปถึงที่ที่เขาอยู่กันไหมไม่เคยตาฟูเยท่านถามถึงพวกเขาทำไมนับเป็นคำถามแรกที่ฝ่ายถูกซักถามถามขึ้น นั่นแสดงว่าความเป็นตัวของตัวเองมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาแล้วเมื่อการพูดคุยเป็นไปตามปกติวิสัยที่ต้องมีทั้งถามและตอบข้ากำลังตามหาพวกเขานะ่ท่านตามหาเขาทำไมเหรอข้ามีทุราของข้าเจ้าใหญ่รู้เลยว่าแต่ว่าคนที่มาจากประเทศจีนที่เจ้าว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันเขาก็อยู่กับพวกคนลาวที่มาจากภาคกลางนั่นแหละหมู่บ้านที่พวกนี้อยู่นะ่เจ้ารู้จักไหม ข้าไม่รู้จักหรอกแล้วก็ไม่มีใครรู้จักด้วยขอห้ามคนเข้าไปที่นั่นทุกคนรู้แต่ว่าอยู่ที่ภูน้ําหุ้นเท่านั้นเองพวกที่มาจากประเทศจีนมากันมากไหมข้าไม่รู้แต่ข้าเคยเห็นว่าพวกเขาเดินในเมืองหาหินเขาไปเที่ยวหาซื้อของกันเจ้ารู้ได้ยังไงพวกนั้นเป็นคนจีนภาษาพูดไงพูดไม่เหมือนกันแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยพวกเขาแต่งตัวกันยังไงพวกเขาแต่งตัวคล้ายๆท่านตาฟูเยนนี่แหละแต่เป็นสีเขียว ไม่มีเหตุผลที่จะคิดเป็นอย่างอื่นไปได้นี่คือเป้าหมายที่เขากำลังคลาหากันอยู่น่าจะเป็นไปได้ว่านั่นแหละคือทหารจีนที่เข้ามาช่วยเหลือในการฝึกกำลังล้ของทหารฝ่ายในพลกองแลจาดาวเหนือรู้สึกชาว่าไปทั่วไขสันหลังเกิดมโนภาพสมรภูมิลบขึ้นมาทันทีความตายและการหลั่งเลือดจะต้องอุบัติขึ้นการทำลายล้างและทารุณกรรมจะบังเกิดแผนการซักถามต้องได้รับการปรปับปรุง เขไม่ให้ผู้ถูกสักถามละแค้นละข่ายถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงดังนั้นจึงต้องเสแสงแกล้งถามเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของชาวบ้านชาวเขาเผ่ามูเซดัมบางเช่นการประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่แนวความคิดในภายภาคนาแม้แต่ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองหรือบางครั้งก็ต้องสอดแทงเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับหญิงที่เป็นสาวถึงคราวที่ต้องมีความรักมีคู่ก็ไม่แปลกที่จะเห็นหญิงสาวถึงกับต้องหน้าแดงด้วยความสะเทืนอนอาย นั่นเป็นกลอุบายของคนซักถามท่าทางที่ติดตลกแบบไม่ตั้งใจของคนที่ซักถามเช่นต้องอ่านคำถามจากที่จดให้หญิงสาวฟังการอ่านการออกเสียงสำเนียงที่ผิดเพีย้ยนคนฟังที่เป็นเจ้าของภาษาฟังแล้วต้องขำขันหัวเราะเสียงใส่ด้วยอารมณ์ดีเราสอดการพูดที่ถูกต้องให้ใหม่ ทั้งสาคนที่คุยกันกับคนนอนฟังอีกหนึ่งคนคือพันตรีโรเจอร์คุยกันเพลินไม่ได้สนใจเลยว่าเวลาตอนนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้วด้วยซ้ําจากดาวเหนือแม้จะเริ่มง่วงนอนบ้างแล้วแต่ไม่ยอมพลาดโอกาสทองแบบนี้ไปได้โดยเด็ดขาดยามที่หญิงสาวมีความคุ้นเคยและพร้อมที่จะพูดคุยด้วยเขาควรถือโอกาสนี้ตักตวงเอาข่าวสารเพิ่มเติมอีกจราจะพือข้าใหญ่จะไปหาพวกคนจีนกับคนที่มาจากภาคกลางที่อยู่ที่ภูน้ําหุนนั้นเจ้าจะมีคนพาข้าไปได้ไหม ข้าไม่รู้จักใครที่เคยไปเลยที่หมู่บ้านค้าก็ไม่มีคนทางยังไม่เปิดดีนะักสําหรับการคืบคานเข้าหาเป้าหมายแต่คุณยังจ่าดาวเหนือที่แคลว่วคล่วไปด้วยเลเหลี่ยมสําหรับเรื่องอย่างนี้มาัหาทางออกได้เสมอตอนที่เจ้าเคยเห็นคนจีนที่เมืองวานนั่นนานหรือยังเมื่อสิบวันที่แล้วนี่เองข้ามาในเมืองหาซื้อของที่จะมากับพ่อข้านี่แหละตอนนั้นเจ้าเห็นพวกนั้นกี่คนทั้งหมดหกคนก่อนหน้านี้เจ้าเคยเห็นพวกเขามาก่อนหรือเปล่า ข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อหกเดือนก่อนที่เมืองว้าเหมือนกันเมืองว้ากับภูน้ำหุนที่ได้จากการซักถามคราวนี้คือปากประตูที่จะเดินทางเข้าสู่ค่ายฝึกแห่งนั้นแน่นอนเพียงขอให้รู้เถิดว่าพวกมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนบ้างเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ยากเลยสําหรับคิดความสามารถระดับนักล่าหลับจางที่จะตามไปล้วงคอมันโอบมาจากรูหรือถ้าคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสําหรับการซักถามในวันนี้เอาละนะจะราจะพือ ข้ารับรองจะพาเจ้าไปส่งให้ถึงบ้านข้าต้องขอขอบคุณตาฟูเยเป็นอย่างมากข้าจะไม่ลืมบุญคุณเลยจนช่วชีวิตตาฟูเยต้องการให้ข้ากับน้องสาวตอบแทนยังไงขอให้บอกมาเถิดแม้แต่ชีวิตข้าก็มอบให้ได้ทั้งสองหยิงสาวระล่ำระลักตอบออกมาด้วยแววตาที่แสนจะปราบปลืม้กมก้มหน้าใช้มือยันผืนแล้วโขงให้หน้าภาคจะหลดผืนทําการคารวะอย่างสูงส่งประเพณีชาวเขาเกือบทุกเผ่าที่อารยธรรมจากโลกภายนอกยังเข้าไปไม่ถึงนั้น พวกเขายังคงไว้ซึ่งความสัตย์จริงการพูดแบบตรงไปตรงมาไม่เปาปหมดเท็ดสำนึกในบุญคุณของคนที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมจะตอบแทนแก่คนที่เขาเคารพนับถือแม้ชีวิตของตนการยืนยันของจาดาวเหนือในครั้งนี้ทั้งสองมีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะเหตุการณ์ข้างหน้านั้นต้องการความช่วยเหลือจากคนที่มีความสามารถเป็นอันมากหากไม่แล้วทั้งสองคนคงไม่มีทางที่จะได้คืนกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเดิมได้เลย คืนนั้นทั้งสองสาวต้องอาศัยเครื่องป้องกันหนาวเท่าที่พวกนักด่านรับจ้างจะเจียดแบ่งให้ได้ความขัดสนนั้นต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปนอนใกล้กลองไฟที่ก่อให้ลุกอยู่ตลอดเวลาในหลุมขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ขุดเตรียมไว้จากดาวเหนือลับไหลลงไปด้วยความอ่อนเพลียและเครื่องเครียดเสียงคร่นเบาๆสแสดงถึงการหลับต่างกับสองยิงสาวที่ต้องกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาตลอดเวลาไอเชดที่รับหน้าที่เวียนยามเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของสองยิงสาวนั้นอย่างเงียบๆ ไม่ปลิกปากได้ใดนานๆครั้งที่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวโดวยเฉพาะตอนที่ต้องเติมเชื้อฟืนเข้าไปในกองการมีคนอื่นเข้ามาอยู่ร่วมแบบนี้พวกนักล่ารับจ้างต่างรู้ดีว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรบ้างความปลอดภัยในหมู่คณะความสําเร็จของภารกิจล้วนเป็นสิ่งสําคัญดัะนั้นก็ไม่ได้สอบพิรุตให้คนที่เข้ามาอยู่ดูรู้ตัวแต่อย่างใดว่าเขานั้นต้องถูกจับตาดูความประพฤติหรือพฤติการความสงบยังเป็นเช่นเดิม แม้แต่ความหนาวเย็ยนของอากาศยามเช้าสายหมอกเท่านั้นที่ดูจะผ่อนปลนลงบางเวลาแค่8ปดโมงเช้ก็สามารถตรวจการได้ระยะไกลพอสมควรเสียงเครื่องบินจากบอ ก, กอมมารับข่าวสารเช่นเคยนวพันเอกนอมแนเข้าใจในหลักการพลางเป็นอย่างดีหลังจากที่บินผ่านตรงหัวพวกทั้งภาคพื้นแล้วสั่งให้นักบินนำเครื่องออกไปให้ห่างจากบริเวณเกือบ30กิโลเมตรโดยการบินตรวจการเหนือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเท่าที่เห็น ดังนั้นจากการพบเห็นของคนนอกจึงคิดว่าเครื่องบินมาบินเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นเองโอเคสันไลท์วันนี้คุณมาเองหรือเปล่าจ้าดาวเหนือถามขึ้นหลังจากที่ตรวจสอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนผมมาเองอยู่แล้วเพราะผมอยากเห็นหน้าผู้หญิงของคุณน่ะไม่นานหรอกคุณคงได้เห็นหน้าหรือไม่หน้าคุณอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นะทําไมล่ะนอสตา์อันนี้ผมไม่รู้นะคุณต้องไปถามพระเจ้าเอาเองโอเค งั้นผมจะคอพระเจ้าที่คุณว่าว่าแต่เรื่องราวไปถึงไหนแล้วล่ะคุณจเจ้ากระเลี่ยงคนนั้นไม่อีกรึว่างละเนี่ยเอามาถ้าคุณต้องการคุณดําเนินการได้เลยจาดาวเหนือตรวจสอบภาษากับกะเลี่ยงแหกเผ่าที่อยู่กับมง้งล้วก็เริ่มเพิ่มเติมคําพูดที่ติดค้างเอาไว้เพราะนึกไม่ออกกระเลี่ยงมันก็แน่เหมือนกันที่สามารถแปลคําว่าตาฟูเย่ได้อย่างถูกต้องตามความหมายของคนพูดรวมถึงคําพูดอื่นๆแม้แต่คําที่ใช้ในการเกี้ยงสาวการรับรูปประเพณีเบื้องตน้น นี่ใส่ใจคอของคนเผ่านี้เวลาเกือบชั่วโมงในการเตรียมศัพท์ที่จะใช้พูดเครื่องบินต้องบินห่างออกไปบางในบางครั้งแล้วกกลับมาใหม่เรื่องของภาษาคงจะเพียงพอแต่จาดาวเหนือมีแผนการที่จะมอบให้ทางบกช่วยดําเนินการให้อีกโอเคสันไลร์เรื่องภาษามูเซ่ดำคิดว่าพอแค่นี้ก่อนเราค่อยเพิ่มเติมทีหลังผมมีแผนการบางอย่างจะขอให้ทางคุณช่วยดําเนินการให้นะ่ะว่ามาเลยนสตา จากการซักถามของผมเมื่อคืนเนี่ยทราบว่ามีทหารจีนกับทหารลาวที่ไปจากทาภาคกลางคาดว่าเป็นทหารชุดที่เราต้องการเข้ามาเคลื่อนไหวปรากฏตัวที่ตลาดเมืองว้ากับตลาดเมืองหาดหินบ่อยๆผมอยากให้คุณส่งคนของเราไปฝังตัวอยู่ที่นั่นคอยดูว่าวันไหนมีพวกที่ว่านเข้ามาคอยรายงานว่าเข้ามาเท่านั้นแหละโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นแล้วทุกวันตอนดึกๆคุณก็ส่งเครื่องบินไปรับรายงานคุณคิดว่าโอเคไหมทำได้ไหมไม่ยากเลยเรื่องเนี้ยว่าแต่ว่าผมควรเอาคนประเภทไหนล่ะ เคียคุณไม่น่าโง่เลยหรือคุณจะเอาอเมริกันไปฝังตัวอยู่รวมกับชาวเข่าแล้วไม่ให้ใครเขารู้ว่านั่นคืออเมริกันผมไม่ได้งโง่อย่างนั้นผมก็กลังจะถามว่าผมควรจะเอาเชาวเขาผ่าไหนเท่านั้นแหละมันก็ไม่ต่างกันหรอกหน้าก็ในเมื่อคนที่อยู่กับผมเขาให้ข่าวกับผมเนี่ยเขาเป็นมูเซอร์ดําแบบเนี้ยคุณยังจะเอาเผ่าไหนอีกล่าโอเคมันก็ต้องเอามูเซอร์ดำนะสิผมไม่มีคําตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพิจารณาเองสิ่งที่ผมต้องการคือการเข้ามาของเป้าหมายของเราเท่านั้น เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่เร็วที่สุดสําหรับการคํำข้อหาเป้าโอเคไหมความมุ่งหมายของจ่าดาวเหนือสําหรับการจัดคนเข้าไปฝั่งตัวอยู่ในพื้นที่นั้นก็คือเอาใครก็ได้ที่คนในพื้นบ้านพบเห็นแล้วไม่หลูไม่สงสัยไม่ต่อต้านวันนี้คือสายลับของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนคนนั้นต้องฉลาดเฉลียวพอที่จะทําตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภาษาพูดความประพฤติพฤติกรรมพฤติการอาชีพหรืออื่นๆที่จําเป็น คนที่เป็นสายลับต้องทำได้แม้แต่ถึงคราวต้องตายเพราะความลับของตนถูกเปิดเผยก็ต้องพร้อมที่จะตายไม่ใช่กลัวตายแต่ทั้งเปิดเผยหมดว่าตนคือใครทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พันเอกนอแมนต้องเป็นคนจัดการทางศิลป์ชุดปฏิบัติการไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ความสําเร็จหรือล้มเหลวนั้นอาจเกี่ยวพันมาถึงอย่างแน่นอนหากสายลับทางานสาเร็จภารกิจก็มีทางสาเร็จ ในขณะเดียวกันถ้าสายรับล้มเหลวภารกิจก็อาจจะล้มเหลวได้ถึงไม่ล้มเหลวก็คงต้องช้าลงเมื่อไม่มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมอีกผ่านเอกนอร์แมนก็ต้องบินกลับพราะน้ํามันในเครื่องมีจํากัดขบวนเดินเริ่มขึ้นลังเวลานั้นเล็กน้อยคราวนี้สาวมูเซอร์ดัมที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ย, ยังไม่ตั้งใจเป็นคนกําหนดทิศทางให้เมื่อหัวหน้าชุดตรวจสอบกับแผนที่แล้วเห็นว่าเชื่อได้ถึงสั่งชุดระวังนาใช้แนวนั้นเป็นเส้นทาง ตอนที่สิบหกบนเส้นทางสู่เมืองหาถินซึ่งจะต้องผ่านเมืองว้าก่อนนั้นระยะทางกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรยังไม่รู้เหมือนกันว่าบนระยะทางที่แสนจะยาวไกลนี้ต้องพบกับเกมอะไรอีกหรือไม่พันตรีคอร์ลินเดินใกล้เข้ามาแสกเข้ามาระหว่างสาวจลาคนพีเพื่อจะเข้ามาคุยกับจาดาวเหนือนอสตาระยะทางยังอีกไกลแบบนี้เราเรียกคอมาไม่ดีกว่าหรอมเมเจอร์อหมายความว่าไงครับผมก็หมายความว่า เอาหอมารับเราที่ไหนก็ได้แล้วให้ไปส่งที่ไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันใกล้เป้าหมายที่สุดนะแบบนั้นก็ดีครับง่ายดีแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะเพราะพื้นที่เนี้จะมีใครอีกบ้างเราก็ยังไม่รู้เลยตอนเราจะไปก็ จ, จะมีพวกหนึ่งเห็นตอนเราลงก็ จ, จะมีอีกพวกหนึ่งเห็นแล้วถ้ามันส่งข่าวถึงการละครับเพราะระยะ50ากิโลหรือระยะร0อยกิโลตอนนี้มนไม่ต่างกันมากในเรื่องระยะทางอีกอย่างก็คือข่าวสารที่เราได้มาเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเพราะมันยังไม่ได้กลอง เพราะฉะนั้นผงเทียวเราจําเป็นต้องหาข่าวสารอื่นๆตามรายทางเข้ามาประกอบมันถึงจะใช้ได้นะครับงั้นเราต้องเดินทางด้วยเท้าตลอดร้อยกิโลเนี่ยเหรอคําตอบตอนนี้คือใช่แต่ถ้าอนาคตไม่แน่ครับทําไมเหรอคุณมียานวิเศษค่าการอะไรอีกผมไม่มียานวิเศษอะไรหรอกครับแต่ผมมีพันเอกนอร์แมนต่างหากเอคุณยิ่งพูดผมยิ่งไม่เข้าใจอะนอสตาผมก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเลยนี่ครับทําไมล่ะเคอรเนียลจะเข้ามาช่วยอะไรได้ในยามเนี้ย เมเยอร์ Major, ไม่รู้อะไรอีกแล้วตอนเนี้ผมให้ทางบอกอจัดวางสายรับของเราไว้ที่เมืองหาดหินแล้วก็เมืองว้าให้คอยรายงานถ้าพบทหารจีนหรือทหารลาวที่นั่นเฮ้ hey! คุณพูดกับเคอรเนลเมื่มอไหร่ทําไมผมไม่ได้ยินเลยก็ตอนที่เมเยอร์ไปขี้ไงจ้าดาวเหนือตอบไปแบบสุ่มเสี่ยงเวียงแห่ผมไม่รู้จะตอบยังไงทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าตอนที่เขากําลังติดต่อกับพันเอกโนแมนนั้นพันตรีคอรลินแกไปไหนคําตอบของจ้าดาวเหนือเลยทําให้พันตรีโรเจอร์ต้องโหยร้อไปด้วย ขบวนเดินเป็นไปอะย่างราบลืนความหนาวเย็นของฤดูหนาวลดลงบางตามเวลาที่สายขึ้นกับสายหมอกที่ลดปริมาณจนสามารถมองเห็นได้ในระยะที่เกือบเป็นปกตินั้นทําให้ได้พบกับทัศนียภาพของคุณเขาใหญ่น้อยที่ติดต่อกันเป็นพื้นยาวสุดลูกขูลูกตาหากไม่มีพื้นที่ที่ขึ้นขึ้นลงลงตามลาดเสร็จแล้วพื้นที่ตรงนั้นคงไม่ต่างกับพื้นราบ ท, ทั่วไปเพระยอดเขาที่มากมายจนไม่มียอดใดยอดหนึ่งสูงเด่นกว่ากัน หมาใหญ่กับหมายสูง ม, มีสลับกันเป็นช่วงช่วยให้การเดินสบายขึ้นจ่ายุทธพง์นำห่างออกไปมากเพราะพื้นที่บังคับให้ต้องทำอย่างนั้นในขณะที่ไอชาดกับไอเชษที่รับหน้าที่ระวังหลังก็ต้องถิงห่างออกไปเหมือนกันตอนกลางขาบวนต้องจัดเป็นสองชุดโดยที่จ่าดาวเหนือรับหน้าที่ประกบสองสาวมูเซอร์ดนั้นพันตรีมนการ ก, กับไอพอตามไปห่าง ทางนี้เพื่อเป็นการปล่อยโอกาสให้หัวหน้าชุดทําการซักถามไปเรื่อยๆเท่าที่โอกาสจะอำนวยเส้นทางตอนนั้นขบวนเดินไม่ยอมใช้เส้นทางเดิมที่มีอยู่กลับใช้แนวสันเนินเป็นแนวทางแทนสร้างความสงสัยให้กับมูเซอร์ดำสองคนนั้นเหมือนกันแต่คนตอบก็ฉลาดพอโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการหลบให้ผลพวกที่อาจจะดักปนความคงเข้าในการเดินป่าของคนที่เป็นผู้หญิงไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะทั้งสองคนนั้นเกิดมาคู่กับป่าและภูเขาอยู่แล้ว บางครั้งเสียอีกที่ออกจะคล่องแคล่วกว่าพวกเขาที่สามารถก้าวขามหรือมุดลอดตามภูมิประเทศที่สุดแสนจะวิบากไปได้ไง่ายๆวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเท่าๆกับความสนิทสนมที่ทั้งสองสาวมูสเตอร์ดำเข้ามาร่วมขบวนเดินด้วยสามวันเต็มที่เห็นอกเห็นใจกันนักลาลับจ้างหลายคนเริ่มเล่นรูภาษาชาวเขาได้บางเมื่อมีเวลาความบริสุทธิ์ในน้าใจและกิริยา ที่สาวเจลากับสาวเจผือสองพี่น้องแสดงออกมานั้นสามารถหล่อมหัวใจน่าเล้าวแกล่งของจ่ายุทธพงศ์ให้ละลายลงได้แกไม่มีความคิดที่จะผด็ดื่นฝีหญิงสาวนั้นอีกเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในตัวแกเองไม่ได้มีการห้ามปรามหรือขอร้องจากคนหน้าชุดแม้แต่น้อยเราก็ไม่ได้คิดที่จะกีดกันแต่อย่างใดอีกด้วยชาวเขาไม่เหมือนชาวเมืองไม่มีจริตจัดการไม่มีสะดิสะดิงไม่ยั่วยวนให้ชวนหม่นใส ดังนั้นคนที่มีความเป็นมนุษย์อยู่ที่พื้นของจิตใจยอมไม่คิดทำลายให้เขาต้องระ ก, กำมูเซอร์ทุกเผ่ามีความสามารถมากในการล่าสัตว์ดังนั้นตลอดเส้นทางที่ผ่านมาสองสาวสามารถบอกแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าน่านาชนิดได้เมื่อผบก็ไม่ยากอะไรที่คนอย่างพวกนักล่าหลับจางจะเอามาเป็นอาหารหรือสเสบียงกลาง แม้แต่การทำอาหารประเภทเนื้อยางนักล่าหลับจางยังต้องยอมรับฝีมือของสาวมูเซดัมทั้งสองว่ายอดเยี่ยมราวกับอาหารในเหล่าชั้นหนึ่งเลยทีเดียวไม่มีใครคิดเลยว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งพวกนักล่าหลับจ้างไม่ได้อาบน้ำกันเลยนั้นสามสี่วันที่สองสาวมาร่วมด้วยก็ไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันความใกล้ชิดทําให้ลืมกลิ่นอับกลิ่นเหม็นไปได้อย่างน่าสัจจ์ ดูเหมือนกินกายสาวเจ้าหอมฟุงออกมาแทนที่ด้วยซ้ำไปเรือระยะทางเดินอีกสองวันหรือไม่เกินสามวันจะเข้าเขตเมืองวา้าบ่ายวันนั้นขณะที่จ่ายุทธพง์กับไอเล็กที่เป็นชุดนำต้องให้สัญญาณหยุดหม่พบกับกองคารวานอีกขบวนโดยไม่ตั้งใจจ่าดาวเหนือชักชวนสองสาวออกไปดูด้วยเพื่อจะสอบถามถึงรายละเอียดเผ่าไหนนะจราเผ่ า, า, ายายิงสาวตอบสั้นๆขณะที่หมอบราบกับผืน จองภาพขบวนคนเดินที่เบื้องต่ําตีนเนินนั้นรู้ได้ยังไงดูที่ผู้หญิงสามคนนั้นแต่งตัวชุดสีดํากับผ้าไหมพรมสีแดงผักพันุ์ที่คอแล้วก็ผ้าโพกขวารายแดงกับดําผู้ชายล่ะผู้ชายเย้าไม่แน่นอนไม่ได้ใส่สีดําอย่างเดียวแล้วรู้ไหมเขาจะไปไหนกันเอาฝิ่นไปขายขายที่ไหนก็คงที่เดียวกับที่ข้าเคยไปนั่นแหละแล้วพวกนี้มาจากไหนรู้ไหมเมืองวะเจ้ารู้จักพวกเขาไหมรู้คนที่เป็นหัวหน้ามาชื่อเราหลาง ผู้หญิงสามคนชื่อส่างเฟยเหลาเจาแล้วก็ยางเหมยสามคนนี้เป็นลูกของเราหล่างเราหล่างคนนี้เป็นคนที่ทําฝิ่นเก่งที่สุดของเมืองว้าเลยฟิ่นของเขาจะขายได้ราคาดีที่สุดเพราะเขาทํามานานแล้วนอกจากนี้เขายังรับซื้อจากคนอื่นแล้วไปทําขายเองด้วยวันนี้เจ้าคิดว่าเราหล่างมีฝิ่นมาสักกี่กิโลอย่างนี้ไม่น่าจะน้อยกว่าห้าร้อยกิโลแน่เขาไม่กลัวถูกป้นเหรอเหยาไม่ค่อยกลัวถูกป้นหรอกเขามีพวกมาก ที่เราเห็นตอนเนี้เป็นเพียงเล็กน้อยเยาจะตามหลังไม่กลุ่มใหญ่พวกคุ้มครองฟิ่นของพวกเขานอกจากนี้ยหยาวตามหมู่บ้านต่างๆจะคอยช่วยเหลือกันด้วยเหยาวพวกนี้จะเดินทางช้าๆพักค้างคืนตามหมู่บ้านเข้าไปตลอดทางแล้วเหยาตามหมู่บ้านนั้นก็จะร่วมเอาฟิ่นของตัวเองไปขายด้วยก็เลยจะกลายเป็นขบวนใหญ่บางทีไปกันถึง200คนพวกป้นก็เลยไม่กล้าปนแล้วพวกเจ้าทําไมไม่ทําอย่างพวกยาวบ้างล่ะเผ่าของเรามีคนไม่มากฟิ่นของเราก็ไม่มากด้วยก็เลยทําอย่างนั้นไม่ได้ แลาวทำไมไม่ไปร่วมกับเผ่าอื่นเขาจะได้มีคนมากๆพวกเราที่ต่างเผ่ากันจะไม่ร่วมกันเรานับถือผีไม่เหมือนกันเรื่องอื่นๆก็ไม่เหมือนกันด้วยจ่าดาวเหนือพอจะเข้าใจในเหตุการณ์ได้ดีแม้จากคําอธิบายที่แสงกระท้อนกระแท่นนั้นสายตาจ้องมองไปที่กองคารวาลที่มีจํานวนคนกว่าห้าสิบคนหมาลอกว่ายี่สิบตัวเดินตามกันเป็นขบวนยาวเหยียดในขบวนเดินไม่ค่อยระมัดระวังกันเท่าใดนัก ในขณะเดียวกันที่เขาใช้กล้องส่องในระยะที่ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเพื่อจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้พบจนได้ขบวนคุ้มกันตามมาด้านหลังสายชกันประมาณสามสิบคนที่มีอาวุธครบมือเดินตามมายังเป็นระเบียบยุทธวิธีของเยาก็คือหากพวกป้นคิดจะพ้อนออกของพวกเขาก็จะถูกพวกคุ้มกันที่ตามมาข้างหลังเข้าโจมตีทันที แต่ถ้าจะโจมตีพวกคุ้มการเสียเองก็จะไม่ได้อะไรเพราะขบวนฝิ่นล่วงหน้าไปก่อนแล้วนับเป็นวิธีการง่ายๆด้วยการแยกสองสิ่งให้ออกจากกันเหมือนการหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายร่วมกันนั่นเองนักล่ารับจ้างมองดูขบวนเดินเหล่านั้นอย่างไร้ความหมายความคิดที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดพวกนี้ไม่มีอีกต่อไปเพราะตระหนักในความคิดที่หัวหน้าชุดเคยพูดเอาไว้ว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะเป็นวีรบุรุษได้ เพราะคนที่นี่มันมากมายเหลือเกินที่จะฆ่าหรือกวาดล้างให้หมดความจริงแล้วหากคิดเพียงว่านี่ไม่ใช่ภารกิจและนี่ไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยตรงก็พอจะสบายใจได้บ้างแต่าดาวเหนือเกิดความคิดขึ้นมาบางอย่างเกี่ยวกับสองสาวนี้จาราจะพือเจ้าสองคนรู้จักกับพวกนี้เจ้าไปกับพวกเขาไหมไม่หรอกตาฟูเยเราเป็นคนละเผ่ากันพวกเขาไม่ยอมให้เราไปด้วยหรอกเราข้าก็ไม่ต้องการไปกับพวกเขาด้วยและถ้าข้าไปกับพวกเขาพวกเขาต้องฆ่าพวกข้าแน่ เสียงนั้นอ่อนลงไปถนัดพร้อมแววตาที่สลดลงเพราะเกรงว่าจะถูกผักใส่ให้ไปกับพวกนั้นจากดาวเหนือก็เลยได้แต่ถอนหายใจเมื่อรู้ว่าได้มีภารกิจแฝงเข้ามาให้รับผิดชอบอีกและด้วยความที่มีมนุษยธรรมก็เลยต้องจำยอมมีเส้นทางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกันกบขบวนคารวานเผ่าหยาวเพราะอยู่กันคนละระดับความสูงไม่มีทางที่คนในขบวนคารวานนั้นจะเห็นคนที่อยู่สูงกว่าได้จากดาวเหนือจึงสั่งให้ออกเดินทางต่อ บ, บนเส้นทางนั้นทันที โดยการมุ่งสู่เมืองหวาบนเส้นทางที่ค่อนข้างลับตามคําบอกของสาวมูเซอร์ดำทั้งสองนั้นทางนี้จากดาวเหนือต้องอำพรางวา่าไม่ต้องการที่จะพบกับพวกปนที่อาจจะมียร์ตรายเพราะพวกเขาเองมีคนน้อยกว่าด้วยความกลัวตายเหมือนกันสองสาวจึงเข้าช่วยในการแนะนําทางให้เป็นอย่างดีการเดินทางผ่านมาถึงขั้นที่จ่าดาวเหนือจะต้องตัดภาระที่หญิงสาวติดตามมาด้วยนี้ออกไปเสียทีเมื่อตอนที่หยุดพักอยู่บนยอดสูงสุดของภูเขา ลูกที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองวา้าเขตตัวเมืองที่มีบ้านเรือนประมาณสองพันกว่าหลังคาเรือนอยู่เบื้องหน้านี้แล้วผู้คนคึกคักกลับจากไร่นาที่ลาดไปตามไหล่เขายาวสุดลูกหูลูกตาจู่ๆใ จ, จ, จ ย, ยุทธพง์ก็เข้ามาเพื่อหาหรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งปกติไม่ค่อยจะมีบ่อยนักพี่พี่จะปล่อยสองสาวนี้ที่เมืองว้านี่หรออืม จ่าดาวเหนือตอบรับด้วยเสียงอื่นในลําคอขณะที่ง้วนอยู่กับแผ่นที่พร้อมกับชําเลืองไปที่หญิงสาวที่ทุกคนอื่นพูดถึงเห็นกําลังอุ่นเนื้อกวางยางที่กองไฟเพลินอยู่ผมว่าไม่เหมาะนะพี่ทําไมวะก็เขาพร้อมจะไปนี่ว่าจ่าดาวเหนือก็ยังไม่ได้หันมามองหน้าคนที่พูดด้วยเลยคงคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญนั่นเองไม่ได้นะพี่อันตรายนะพี่จ่าดาวเหนือวางแผ่นที่ทันทีเราหันมามองหน้าจ่ายุทธพงษ์บ้าง ผมไม่มีอะไรหรอกมกั้งหินเขาบอกเขามีญาติอยู่ที่นั่นญาติพี่น้องเขาสามารถพาเขาไปส่งที่เมืองหาดหินได้ถึงตอนเนี้ยถ้าจะมีอันตรายก็เรื่องของเขาเป็นไรเรื่องของพี่น้องเขาเขาจัดการกันเองนะ่ะไม่ใช่อันตรายอย่างนั้นพี่ไม่ใช่ตัวเขาจะมีอันตรายแต่เราตั้งหากที่จะมีอันตรายอันตรายอะไรวะโถพ่พี่พี่คิดดูนะการที่สองคนนี้รอดมาได้โดยที่คนอื่นตายหมด แล้วตอนที่ชาวบ้านที่นี่ถามว่าใครที่ช่วยพาสองคนนี้กลับมาพี่คิดว่าผู้หญิงสองคนนี้จะตอบชาวบ้านว่าไงจ้าดาวเหนือต้องคบคิดอย่างหนักทันทีความคิดของจ้ายุทธพงศ์ถูกต้องแล้วที่เชื่อว่าสองหญิงสาวนี้คงไม่โกหกญาติพี่น้องของตัวเองแน่ว่าใครเป็นคนช่วยเหลือนั่นหมายความว่าข่าวการมาของพวกนักล่าลับจางในนามทหารจากภาคกลางจะแพร่สะพัดไปทันทีและเชื่อว่าข่าวนี้จะต้องไปถึงหูคนที่เป็นเป้าหมายอย่างแน่นอน เมืองวัดและเมืองหาดหินคือพื้นที่เป้าหมายที่พวกนักล่าหลับจางจะให้ข่าวการมาของพวกตนเผยแพร่ออกไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดหากจะเปิดเผยก็ต่อเมือกระสุนนัดแรกได้ลั่นเข้าสู่เยื่อสังหารแล้วนั่นเองซึ่งเวลานั้นคงไม่มีความหมายหรือความจำเป็นแต่อย่างใดที่จะต้องมาปิดลับกันอีกตอนที่17 การที่จ่ายุทธพงศ์ต้องถัดทวงว่ายังไม่สมควรที่จะปล่อยสองสาวนี้ไปนั้นไม่ใช่ที่จะมาคิดเคลมสวาสดหญิงสาวก็หาไม่เพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นก็ได้เอ่ยปากแล้วว่าจะไม่ทําอะไรพวกนางเราก็ไม่ทําจริงๆทั้งนี้คงด้วยแรงสงสารที่มีมากกว่าตันหาราคานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามจ่ายุทธพงศ์ก็ยังไม่ได้เสนอแนวความคิดที่จะขัดขวาง ไม่ให้หญิงสาวทั้งสองคนนี้ได้พบกับบุคคลที่สามอย่างไรกระทั้งหัวหน้าชุดที่ยอมรับในเหตุผลพูดออกมาโอเคพี่เข้าใจแล้วทำไงดีวะข้ามันทิ้งงั้นเหรอจา้าดาเหนือพูดสั้นๆง่ายๆล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับพวกเขาเพราะเคยทำกันมาแล้วเมื่อคิดว่าภารกิจนั้นเป็นเรื่องของความอยู่รอดของประเทศชาติเมื่อหมดหนทางจะช่วยคนของฝ่ายตนได้แล้วนอกจากนั้นยังจะทาให้งานในภารกิจเสียไปอีก ที่จําเป็นอยู่จึงต้องทําอย่างนั้นเราไม่มีทางอื่นเลยเหรอจ่ายยุทธพงศ์ยังไม่เห็นด้วยกับวิธีนั้นซึ่งคิดว่าเป็นวิธีสุดท้ายเหล่าพันตรีเมริกันทั้งสองก็ต้องออกความคิดบางเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้จ่าดาวเหนือต้องอธิบายถึงที่มาของเรื่องนี้ตั้งแต่ได้พูดกับเจ้าตัวสองสาวนั้นแล้วว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองนี้ซึ่งสามารถจะนําพาตัวส่งถึงบ้านเกิดได้พร้อมทั้งเหตุผลของจ่ายยุทธพงศ์ในเรื่องของความลับของพวกตน ก็เคเนี่ยเคยบอกไว้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสองคนนี้ให้บอกเขาเขาจะมารับไปเองไม่ใช่เหรอพันตรีคอนลินแย้งออกมาก่อนในขณะเดียวกันพันตรีโรเจอร์กลับไม่เห็นด้วยในวิธีการนี้ไม่ได้หรอกคอนลินการมาประกรวดตัวของฝ่ายเราไม่ว่าเป็นใครก็ตามทั้งหอทั้งคนรับรองข่าวเนี่ถึงหูพวกมันแน่แล้วเราจะให้ฮอลงมารับตอนกลางวันทําไมก็ลงกลางคืนสิแล้วหอคุณไม่มีเสียงหรือไงเล่าเออคือจริงสินะเออถ้างั้นทําังไงดีละ่ะ ผมว่าคงไม่พ้นหน้าที่นอสไตายแน่ที่ต้องออกความคิดเรื่องเนี้ยส่งเขาซ่องไปเลยวายุตจ้าดาวเหนือพูดลอยๆแบบติดตลกเพาะยังคิดอะไรไม่ออกเลยพลาออกแล้วตรงดิ่งไปที่กองไฟที่สาวมูเซอร์ดํากําลังย่างเนื้ออยู่รับไม้เสียบเนื้อนั้นมาแล้วแท้ยังอารมณ์ดีพร้อมกับจ้องมองหน้าสองสาวยังมีความหมายจลาจะพือเจ้าสองคนกลัวตายไหมกลัวสิทําไมตาฟูเยทําอย่างนั้นล่ะจะลาเป็นคนตอบ คำว่าตาฟูเยตที่ปกติใช้เรียกคนที่ตนเคารพอย่างสูงก็ยังใช้ต่อมาอีกสายตาที่มีแต่ความซื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าทําให้จิตใจของคนที่กําลังจ้องมองอยู่เกิดความไหววั่นยังบอกไม่ถูกใจนั้นไม่ได้มีความคิดทั้งชู้สาวแฝงอยู่แม้แต่น้อยนิดความสงสารตั้งหากที่เขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างที่จะช่วยของสาวนี้ให้รอดปลอดภัยได้เนื้อไม้แรกหมดไปแล้วต่อด้วยไม้ที่สอง วความดีใจของสองสาวที่มีโอกาสรับใช้คนที่เป็นตาฟูเยของตนจากดาวเหนือก็ยังคิดไม่ออกว่าจะจัดการแก้ปัญหานี้อย่างไรไอชา ต, ตามมาพอดีมันคงจะหิวเหมือนกันรับหมายเนือย่างแล้วมานั่งเคียงข้างกับหัวหน้าที่กําลังยิ้มต้อนรับมันอยู่ด้วยความรักใครหิวหรอวะหัวหน้าใหญ่ถามขึ้นแต่คนถูกถามไม่ตอบกับเรื่องข้อหาเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาขณะนี้อย่างเอาจริงเอาจังเอานี้สิพี่ เอาสอคนนี้ไปในภารกิจด้วยจนกว่าเราจะเสร็จภารกิจลราค่อยพาเขาไปส่งเหลือให้ใครไปส่งก็ได้ความจริงผมว่าส่งคนนี้ก็เก่งเรื่องเดินป่านะพี่ผมว่าน่าจะเอาไว้ใช้งานกว่านก็ได้นี่นาความคิดของจาดาวเหนือแล่นปรับขึ้นมาทันทีที่ได้แนวความคิดจากลูกน้องยิ้มที่มุมปากนั้นคนที่รู้ใจย่อมรู้ว่านั่นเป็นยิ้มแห่งความพอใจเขาพอใจที่มีเพื่อร่วมความคิดคลาใ ด, ดที่เหตุการณ์ร้ายจะเกิดคนของเขาไม่คนใดคนหนึ่งต้องทัดทวงขึ้นมาก่อนเสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกันคนที่เป็นต้นตอความคิดคือจายุทธพงศ์กระทั่งไอชาติที่เด็กที่สุดในชุดได้เสนอแนวความคิดออกมาเอาไว้ใช้งานอย่างเดียวหรอวะอันนี้ก็แล้วแต่พี่เธอผมเสนอพี่ผมไม่ได้สั่งพี่ไอชาติก้มหน้ากลมตาแทนเนื้อติดกระดูกนั้นโดยไม่เหลียวไปมองหน้าหัวหน้าชุดเพราะกลัวถูกอั่มเรื่องของเรื่องก็คือมันดนมาจนเข็ดงั้นเราก็ต้องจัดคนคอยชื่อยเหลือเขาแล้วใครหรอวะจะรับงานนี้ก็พี่นั่นแหละ ไอชาติพูดเสร็จกระลุกขึ้นออกเดินจากไปใช้มือปัดฝุ่นที่คนยังไม่สนใจว่าหญิงสาวสองคนนั้นจะมองตามด้วยความขำขันส่งเสียงเป็นภาษามูเซอร์ดำว่าอิ่มแล้วหรือแต่ไอชาติไม่ตอบเพราะฟังไม่รู้เรื่องจ่าดาวเหนือเองยังต้องหัวเราะในท่าทางของไอชาติมันไปด้วยก่อนจะหันมาพูดกับสองสาวตัวเจ้าปัญหาว่าจะพาไปส่งถึงบ้านที่เมืองหาดหินเลยไม่ต้องห่วงเลยว่าทั้งสองจะยินดีปรีดาเพียงไหน ดูเหมือนจะไม่มีความดีใจอะไรเท่านี้อีกแล้วแววตาที่แจ่มใสกับกิริยาที่ล่าเริงเบิกบานเหมือนเด็กได้ของเล่นถูกใจกระทั่งเวลาค่าที่ชุดปฏิบัติการยึดยอดเนินนั้นเป็นที่ตั้งฐานลอยสําหรับการพักนอนเวลาที่เครื่องบินควรจะมาก็มาถึงเมื่อเสียงที่กระหึ่มคลางเบาๆด้วยความสูงสูงสุดเพดานบินที่เครื่องสามารถไต่ขึ้นไปได้เมื่อเรียกขานนำรหัสกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการส่งรับข่าวจึงเริ่มขึ้น โอเคสัญล okay, เรื่องสายลับอ่ะที่ย้ายไปฝังตัวอยู่ในเมืองเป้าหมายเป็นไงนี่แหละนอสตาพอเรื่องนี้นี่แหละวันเนี้ผมถึงน้บินมาหาคุณด้วยตัวเองไงงั้นก็ว่ามาเลยสายลับของเรารายงานมาว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นพบทหารลาวที่ไปจากภาคกลางจํานวนสิบสองคนไปหาซื้อของกินที่เมืองหาถิ่นพวกนั้นอยู่ที่เมืองหาถิ่นหนึ่งคืนรุ่งึ้นเช้าจึงออกเดินทางไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองไม่รู้ว่าไปที่ไหนกัน แล้วสายลับที่เมืองว้าก็ราย ง, งานมาอีกเหมือนกันว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆเหมือนกันเจอทหารจีนจากประเทศจีนจํานวนสิคนเข้าไปที่เมืองว้าคืนนั้นไม่รู้พวกเขาพักที่ไหนกันตอนเช้าเห็นออกมาที่ตลาดอีกพอตอนสายๆก็เดินหายเข้าป่าไปไปทางเหนือของเมืองว้านั่นแหละไม่รู้ไปไหนอีกเหมือนกันโอเคไหมข่าวแบบเนี้จา้าดาวเหนือตรวจทิศทางบนแผนที่ตามข่าวที่ได้รับแล้วหัวเราะเมื่อฝ่ายบนเครื่องทามลงมา เฮ้ซันไรคุณไม่รู้เหรอพวกเขาไปไหนกัน importe. ก็ไม่รู้อะสิก็สายลับมันไม่รายงานมานี่นาความจริงคุณไม่น่าจะโง่งงเหมือนสายลับของคุณเลยนะผมบอกให้ก็ได้ทั้งสองพวกอะทั้งลาวทั้งจีนอะมันเดินทางกลับไปที่ค่ายของมันนเรสเชื่อเนียนะความฉลา่ยของคุณจ่าดาวเหนือไม่ได้ยินคําด่านั้นเพราะปิดวิทยุเสียก่อนทั้งนี้แกรู้ตัวดีว่าทั้งนั้นต้องด่าลงมาเมื่อตอบไปแบบนี้แน่เสียงข้างบนพูดอะไรตอมีอะไรลงมาอีก แต่ครางล่างไม่ได้ยินแล้วไม่สนใจด้วยกระทั้งพันตรีโรเจอร์ต้องพูดวิทยุเองนั่นแหละพันเอกนอร์แมนจึงต้องหัวเราออกมาด้านลัานวิทยุเมื่อรู้ว่าคนที่ตนด่าไปนั้นไม่ได้ฟังเรื่องจึงไม่ได้เข้าหูคนถูกด่าเลยการติดต่อวิทยุระงับไปเมื่อจบข่าวจ่าดาวเหนือต้องมาคลั่งแคลงกับแผนที่อีกครั้ง โดยมีพันตรีบริกันทั้งสองร่วมวงด้วยแม้แต่สองสาวที่นั่งอยู่เคียงข้างซึ่งไม่ได้เกะกะอะไรยังมานั่งมองตาแป๋วเพราะฟังไม่รู้เรื่องด้วยเมเจอร์ Major, คิดอย่างผมไหมคุณยังไม่ได้บอกเลยคุณคิดอะไรผมคิดว่าค่ายฝึกของมันน่ะต้องอยู่ห่างจากเมืองทั้งสองเมืองนี้ยเท่าๆกันคุณเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิดผมเอาระยะเวลาเดินทางของมันมาคิด มันเข้าถึงเมืองตอนบ่ายแล้วออกเดินทางจากเมืองในตอนเช้าเหมือนกันทั้งสองเมืองแสดงมันต้องใช้เวลาเดินทางเช้าถึงบ่ายไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับพวกนี้เดินทางได้เร็วเท่ากันหรอถึงไม่เท่าก็คงไม่แตกต่างกันมากนะหรครับถ้างย่างแบบนี้เราพอประมาณที่ตั้งค่ายของมันได้สิก็น่าจะได้ครับเมืองหาดหินลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้เมืองว้าขึ้นไปทางเหนือแบ่งระยะเท่าเทกันมันก็น่าจะอยู่บริเวณน่าจะบริเวณนี้นะ โนตตาคุณใช้เส้นทางกําหนดแนวทิศทางเดินของมันยังไงก็ไม่ได้กําหนดอะไรหรอกก็กะเอาเท่านั้นเองละครับตอนเนี้ยเราเชื่อว่าค่ายแห่งนี้ยมันต้องอยู่ระหว่างเมืองทั้งสองเมืองส่วนที่ตั้งจริ ง, รงๆอ่ะเราคงต้องคลำหากันอีกทียังไงยังไงผมว่ามันคงต้องใช้เส้นทางเดินที่มีอยู่แน่ถึงไม่มีมันก็คงเดินกันจนเป็นทางให้เราสังเกตเห็นจนได้แน่จ่าดาวเหนือส่งแผนที่แผ่นนั้นให้พันตรีคอร์ลินที่ขอไปพิจารณาบ้างถ้าเรายึดเส้นทางที่เห็นในแผนที่นี้ละ่ะ กาจเป็นได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ห0 5 0ิบหาิคอเมเจอร์ความเป็นจริงใกล้เข้ามาจากดาวเหนือแก้งหลวงแบงกลินดอลลราออกมาดมเล่นๆ เ, เหมือนกับพิศวสวัสดในเงินนั้นอย่างที่สุดมันเป็นเพียงกำลังใจที่ทำให้ลืมความเหนื่อยยากไปได้ในยามที่สมองปลอดโปร่งสถานการณ์ไม่ตึงเครียดอย่างนี้คนอย่างเขามักมีอะไรทาที่แปลกไปกว่าคนอื่นเสมอนอสตาคุณนี่มันบ้าเงินเหมือนกันนะเนี่ย ไม่รู้สิเมเจอแต่ผมคิดของผมเสมอนะถ้าจะบ้าก็ต้องบ้าให้จริงถ้าบ้าไม่จริงคนก็จะหาว่าบ้ามันก็บ้าเหมือนๆกันนั่นแหละไม่เหมือนเมเจอร์คิดให้ซึ้งแล้วคุณจะรู้ว่าสองบ้าเนี่ยไม่เหมือนกันโรงงานนี้คุณแน่ใจนะว่ายังไงก็ต้องพบค่ายฝึกมันแน่งานนี้ผมเชื่อ 99.99 สิเศษสี่ส่วนร้อยเจอแน่นอนจบคําพูดจะดาวเหนือเอ็นตัวลงนอนทันที จากท่าทางนั้นแม้สองสาวจะฟังไม่รู้เรื่องก็สามารถหัวเราะได้เสียงใสๆของเพจตรงข้ามช่วยให้บรรยากาศชื่นมื่นไม่ใช่หน้อยคิดแล้วน่าเสียดายแทนจ่า ย, ยุทธพงศ์ที่จำใจละเว้นเหยื่อสวาัลายนี้เพราะมนุษยธรรมนั่นก็เรื่องที่ดีถือเป็นส่วนดีของชีวิตคนตลอดชีวิตที่เป็นหนุ่มใหญ่มาคงมีแต่ฆ่ากับฆ่าแม้จะเป็นการฆ่าศัตรูก็เชื่อวอยมมาบานก็คงไม่ละเว้นที่จะบันทึกเอาไว้แน่ การได้ทำเรื่องดีๆใส่ชีวิตบางก็เป็นเรื่องดีตอนที่สิบดรุ่งเช้าวันใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่า ง, งยังปกติแต่หลายคนกลับสงสัยว่าทำไมหัวหน้าชุดจึงไม่ออกคำสั่งเคลื่อนย้ายในขณะเดียวกันกลับโมตส่นใจพูดคุยกับสองสาวมูเซอร์ดำยังทุกปากทุกคอเสียงหัวเราะลงลูกขอเพราะรู้เรื่องภาษาที่พูดอยู่คนเดียว ไอ้เปียกทนไม่ได้เลยต้องแยบไปบางเอาเอาตะจีบกันอยู่นั่นแหละฟันก็ไม่ฟันวันนี้สงสัยล้มเลิกภารกิจว่ะพวกเราหลายคนมองตามไปที่เสียงนั้นพร้อมเสียงโหดร้องหนักบาลมึงหรือไงเล่าไม่นากหรอพี่แต่อยากจะรีบๆไปเดี๋ยวไม่ทันใช้เงินมึงจะไปไหนของมึงวะไอ้เปียกเอ้าก็ไปตามภารกิจสิพี่หรือล้มเลิกแล้วอะ่ะจะได้ให้พรมาเรียคอ ม, มารับโถไอ้เปลดิดเรื่องโง่แล้วก็ฉลาดนักงน้พวกมึงเนี่ยอะไรจ้ะพี่ ไอ้เปี๊ยกทำเสียงยานเพรไม่รู้ตัวเองปล่อยความโง่อะไรออกไปแม้แต่คนอื่นก็งงเหมือนกันนั่นแหละกระทั่งคนด่า พ, พูดออกมาจึงได้รู้มึงดูรอบๆตัวมึงสิดูป่าที่มึงเข้ามาสุ่มอยู่เนี่ยมันเป็นป่าที่ย้อนกลับหลังไปที่เก่าไอ้ทางที่มึงจะเดินต่อไปข้างหน้ามันมีแต่ไร่ฟินไร่ข้าวโพดมึงเห็นไหมแล้วในไร่ฟินนั่นนะ่ะตอนนี้พวกเขากำลังกรีดยางมันอยู่ ไล่ฝิ่นกว้างสุดลูกหูลูกตาแบบเนี้ยมึงไม่มีทางรอดพ้นสายตาพวกเขาไปได้เลยเปลยมึงดูสิทุกคนเงียบกริบหันไปมองทางด้านหน้าด้านข้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่หัวหน้าฉุดพูดทุกประการไอเปี้ยกลงทุนล้วงก้องส่องสอ ง, สองตาขยายสิบหกเท่าออกจากเป้หลังแล้วส่องดูไล่ฝิ่นเขียวขจีจุดแต้มสีแดงกับขาวของดอกฝิ่นด่าระดาษทั่วทั้งลายชาวเขาไม่รู้เผ่าไหนต่เผ่าไหนเดินกันให้โยียไปหมด สายกล้องตรวจไปทางทิศอื่นบางก็เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยไม่มีทางที่พวกเขาจะสามารถเดินผ่านไปโดยไม่มีคนใดคนหนึ่งเห็นไอเปียกลดกล้องลงหันมายิ้มแย่ๆแล้วหลบฉากไปนอนทางทิศที่ตนต้องรับผิดชอบต่อการระวังป้องกันที่ตั้งเป็นไงไเปียกซึมเลยหรือไงไอเปียกไม่ตอบพร้อมกับที่คนอื่นๆต้องทําการปรับปรุงที่ตั้งของตนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ตั้งเข้าใจดีว่าสถานการณ์แบบนี้ พวกเขาทุกคนต้องพร้อมที่จะถอนตัวได้ในทุกวินาทีโดยต้องไม่ทิ้งร่องรอยไว้ด้วยไอ้เล็กกับจ่ายยุทธพงศ์ต้องรับหน้าที่ตรงทางเขาจะเขตบ้านสู่ป่านั้นจุดนี้ต้องใช้คนสองคนสำหรับสังเกตการ์ถึงไม่บอกว่าไหลเป็นอะไรให้มากไปกว่านี้จากประสบการณ์ที่ทุกคนมีจึงรู้ว่าสภาพภูมิประเทศแบบนี้ต้องเดินทางในเวลากลางคืนเท่านั้นจึงจะผ่านไปได้ ลูกฝิ่นที่กลมขนาดจาปั้นมือเด็กสีเขียวคล้ำยามที่แก่แล้วคนกรีดต้องใช้มีดทองเหลืองเล่มเล็กๆและคมกรีดที่ลูกฝิ่นให้เป็นรอยจากบนลงล่างของลูกฝิน่นหนึ่งลูกจะกรีดประมาณ 4- ถึงห้ารอยเพื่อให้ยางฝิ่นไหลออกมาจากรอยกรีดที่เป็นแผลนั้นแผลที่คมและมีความลึกพอดีจะให้ยางมากกว่าแผลที่ช้าหรือลึกเกินไปคมกรีดจะปล่อยให้ยางไหลออกมาเป็นเวลายี่ี่ชั่วโมงหมายความว่า กรีดแผลเช้าวันนี้ก็จะมาเก็บยางในเช้าวันรุ่งขึ้นการเก็บก็จะใช้มีดเล่มเดิมโดยใช้ส่วนคมของมีดปาดที่ผิวลูกฟินเบาๆเอาเพียงแค่สามารถปาดยางฟินนั้นออกมาจากผิวของลูกได้ยางที่ออกมาตามร่องแผลที่กรีดไว้แล้วนั้นแต่ละร่องจะได้แค่ก้อนเท้าหัวไม่ขีดเท่านั้นปาดยางเก่าออกไปแล้วก็จะกรีดรอยใหม่ข้างๆรอยเดิมให้ยางไหลออกมาอีกเราก็มาปาดเอาในวันรุ่งขึ้นทําอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าลูกฝิ่นลูกนั้นจะถูกกรีดจนเป็นแผลทั่วทั้งลูกแล้วแห้งไปเองยางฝิ่นที่ทิ้งไว้นานเกิน24ชั่วโมงจะแห้งเกินไปทําให้ยางเสียคุณภาพคนกรีดฝินจะกรีดรอไว้เพียงเท่าที่สามารถมาปากเก็บได้ทันเท่านั้นฝินหนึ่งลูกจะใช้เวลากรีดประมาณ 10-15 วันจึงจะหมดอย่างฝิ่นที่มีคุณภาพดีนั้นนอกจากน้ำํำยางที่มีคุณภาพดีแล้วกรรมวิธีในการเคี่ยวก็ต้องดีด้วยบางคนอาจไม่เชื่อ ว, ว่า หนังหมูที่เรากินกินกันสามารถทําให้เปอร์เซ็นต์ของฟินที่เคี่ยวนั้นสูงหรือต่ําได้นี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ชาวเขาแต่ละเผ่าเขาใช้กันการปลอมตอนนั้นไม่ใช่เป็นการทําให้ฟินมีคุณภาพดีขึ้นแต่อย่างใดการกระทําแบบนั้นเพียงเพื่อต้องการน้ําหนักและปริมาณสําหรับการขายเท่านั้นเองส่วนการนําไปสกัดเป็นเฮโรอีนหรือยาเสพติดชนิดอื่นๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้เทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือและความชํานาญที่สูงมาก อุปกรณ์นั้นนะับเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เฮโรอีนนั้นอยู่ในเกรดไหนมีราคาหรือเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ราคาเฮโรอีนที่สูงหร็บยิ่งกว่าทองคํานั้นเป็นราคาที่คํานวณจากการขายปลีกในท้องตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งราคาขายแบบยกเหมากันเลยนั้นจะน้อยกว่า 50-100 เท่าดังนั้นคนที่หลงกับตัวเลขที่ผ้าดหัวข้าวหนังสือพิมพ์ว่ามากมายก่ายกอง จะสามารถโดนบันดาลให้เป็นมหาเศรษฐีได้ในพริบตาก็คือโทษที่เป็นความตายกับคุกเท่านั้นเองไม่มีสัจจะใดๆจะคนที่อยู่ในขบวนการยาเสพติดก่อนที่ตนจะพลาดต้องให้คนอื่นพลาดก่อนนั่นคือทุกคนต้องคอยจ้องหักหลังซึ่งกันและกันตลอดเวลาหลังจากขายสินค้าของตนและได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วยังมีเงินสินบนนาจับแกกกฎหมายอีกก้อนหนึ่งที่คนขายคนจะได้รับ คนที่เข้าไปร่วมในขบวนการใหม่ๆจะถูกให้เป็นหนูทดลองงานจนเอเย้นร่ำรวยแล้วนั่นแหละถึงจะมีโอกาสรวยบางมายความว่าเอเย้นหมักไม่ให้ใครรู้จักกับสายใหญ่ในขบวนการของตนทั้งนี้เพื่อเป็นการปิดลับนั่นเองกระทั่งคําที่ชุดปฏิบัติการเริ่มออกเดินทางความมืดและความเงียบช่วยอำพรางการเคลื่อนที่ได้อย่างดีที่สุดไม่มีแม้แต่หมาสักตัวที่จะมาเห่าหอน ขอระยะที่ทุกคนเดินไปนั้นห่างจากเขตบ้านเขตเมืองกว่าสงกิโลเมตรเป็นการปัดอ้อมไปทางตะวันออกเพื่อหาจุดหรือเส้นทางที่คาดหมายเอาไว้ในแผนที่ความที่ห่างไกลจากหน่วยจรยุทธ์หรือชุดปฏิบัติการลบของฝ่ายซ้ายหรือเวียดกงทําให้สามารถตัดเรื่องความปลอดภัยจากกับระเบิดไปได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีแต่เพียงร่องรอยการเดินทางมาเท่านั้นเองแสงเดือนที่สลัวรางจากสายหมอกยามค่าดูอึมคลึมไปมากความหนาวเย็นเพิ่งจะเริ่ม แต่ก็พอที่จะใช้วิธีการเดินเหลวช่วยเรียกความร้อนออกมาจากภายในได้ทุกคนพร้อมที่จะทําอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่บางคนถึงกับเหงื่อไหลใครย้อยเหงื่อไม่ได้ไหลออกมาหลายวันพอไหลเข้ากับช่วยกระปีก้กระเป๋าไม่ใช่น้อย2 ส, สาวเผ่าบูสเตอร์ดำเต็มไปด้วยท่าทางร่าเริงเมื่อรู้ว่าทิศทางนั้นคือทางที่จะไปสู่บ้านเรือนของตนเวลาที่ผ่านไปหลายๆวันทําให้ทั้งสองสาวคลายความโศกเศร้าจากความสูญเสียได้บาง มีบางขณะเหมือนกันที่ยังสะท้อนสถานกับความรู้สึกที่หวาดหวั่นเมื่อความสยดสยองในการตายเข้ามาถึงความรู้สึกเพื่อร่วมเดินทางที่บางครั้งก็ปลอบบางครั้งก็ปล่อยปล่อยให้ร้องไห้สิบางเพื่อผ่อนคลายความเครียดในอารมณ์เกือบเที่ยงคืนที่เดินทางกันมาจนคิดว่าผลระยะที่ชาวบ้านจะตามมาทันในเช้า ว, วันรุ่งนั่นคือเมื่อเริ่มเชา้าพวกเขาต้องออกเดินทางต่อไปอีกเพื่อให้ห่างผลสายตาคนที่นี่ ทิ้งแล้วทุกคนต้องการจะเดินทางต่อไปไปจงกว่าจะผลไปจากพื้นที่โดยมิคิดว่าจะต้องพักผ่อนหลับนอนแต่อย่างใดแต่หัวหน้าชุดที่ตรวจสอบแนวทิศตลอดเวลานั้นรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเลยสําหรับการใช้เข็มทิศในเวลากลางคืนกับการที่ไม่สามารถมองเห็นภูมิประเทศให้ไกลออกไปได้โอกาสเช่นนี้ย่อมมีหวังที่จะเดินทางกลับไปที่เก่าที่เพิ่งจากมาได้ง่ายๆนั่นแหละจึงต้องหยุดขบวนเดินเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นที่เริ่มเคลื่อนย้ายกระทั่งสาย ทังสิบคนหยุดพักขบวนอีกครั้งไม่ใช่เพราะความเหนื่อยอ่อนแต่เป็นคําสั่งของหัวหน้าชุดกําลังทั้งหมดกระจายกันออกทันทีตามหน้าที่กระนั้นก็ยังไม่ไหวที่จะเหลือบสายตาไปมองที่จาดาวเหนือว่าการหยุดขบวนเดินครั้งนี้มาจากสาเหตุอะไรแม้แต่คนที่เป็นชุดระวังหน้าที่เห็นว่าเหตุการณ์ยังปกติดีอยู่ก็ออกจะงงๆต่อสถานการณ์เหมือนกันจาดาวเหนือที่มักมีความคิดไม่ค่อยเหมือนใครอยู่เสมอยังไม่ปลิ่ปากพูดอะไรกับใคร ตรวจดูทุกคนเห็นว่าพร้อมตามนาทีก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้เรื่องฝืนเรื่องจริงอ่ะพี่ไอ้วิทเป็นคนพูดขึ้นมาตามที่ไอ้มนมันบอกจากดาวเหนือแกล้งทาหูทวนลมเพราะขี้เกียจอํามันกลับหันไปมองสองสาวมูเซอร์ดำแล้วสอบถามบางเรื่องที่นี่ภูเขาอะไรจราจระพื้ภูสี่ก้องมูเซดร์ดคนพี่ตอบทันทีด้วยความมั่นใจเจ้าสองคนเคยมาที่นี่ไหมเคยมาหาของป้ากับพ่อนานแล้วตาฟูเยถามทําไมหรอ แล้วลูกหน้าโน่นล่ะผู้หัวร้านกับภูเฟยที่นั่นมีเผ่ารีซอกับเผ่ายีกอ้อยอยู่กันเยอะแยะเลยเจ้ารู้จักพวกเขาไหมรู้จักความคิดของจ่าดาวเหนือในตอนนี้ก็คือเขากําลังหาเหตุผลเพื่อที่จะนํามาเป็นข้อพิจารณาว่าที่ตั้งค่ายฝึกแห่งนั้นมันควรจะอยู่แห่งใดประการแรกคือมันไม่ควรจะตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความลับประการที่สองมันควรจะอยู่ในบริเวณที่มีอาหารโดยเฉพาะน้ําอุดมสมบูรณ์ และอีกประการคือระยะที่ห่างจากเมืองวาเมื่อออกมานั้นมันควรอยู่ในระยะที่เดินไม่เกินหนึ่งวันหากเป็นไปได้น่าจะเชื่อได้ว่าบัตรนี้ชุดปฏิบัติการได้เหยียบเข้ามาถึงเทียนเสือแล้วดังนั้นจําเป็นอยู่ดีที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นอีกจากดาวเหนือและความสนใจจากชนเผ่าพอคิดว่าถึงเวลาจะเป็นเผ่าไหนมันก็คนเหมือนกันกับมาสนใจกับภูมิประเทศต่อไปอีกเส้นทางสายนี้ไปถึงไหน ไปถึงบ้านข้าแล้วเลยต่อไปเขตแดงก็ได้ในป่าแถบนี้มีเส้นทางหลายสายไหมมีมีมากเลยเพราะชาวเขาเข า, ขาต้องเข้าไปหาของป่ากันประจําเจ้าเคยเห็นถ้าเคยเห็นน้ําตกใหญ่ๆ ใ, ในป่านี้บ้างไหมเคยเคยเห็นข้าเคยไปภูรังผาลูกงโนนมีถ้าใหญ่ภูน้ําชาลูกนะมีน้ําตกน้ำไหลแรงมากข้าเคยไปหลายหดแล้วจ้าดาวเหนือมองตามที่มือชี้เราบันทึกชื่อเหล่านั้นลงบนแผนที่ทั้งนี้เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้ก่อน ก้มๆเงยๆระหว่างแผนที่กับภูมิประเทศก่อนที่จะสั่งการเคลื่อนที่ต่อไปไปภูลังผานั่นก่อนตอนที่19คําสั่งพร้อมชี้ทิศทางให้ยอดเด่นที่เห็นไม่จําเป็นต้องบอกมุมทิศทางคนนาสามารถเคลื่อนที่มุ่งเข้าสู่จุดหมายนั้นได้ด้วยตาตัวเองเลยขบวนถูกสั่งหยุดอีก มาออกเดินรัดล้อแนวป่าที่ค่อนข้างทึบมาได้ 4-5 กิโลเมตรคราวนี้จ่ายุทธพงศ์ที่เป็นชุดระวังหน้าเป็นคนให้สัญญาณให้สัญญาณนั้นหมายความว่ามีค่าศึกจากดาวเหนือทําตัวต่ําเข้าไปร่วมตรวจการด้วยทันทีภาพที่ปรากฏระยะห่างประมาณ 1,500 เมตรในทุ่งโล่งที่เป็นร่องเขาชายชะกัน6คนที่เห็นในกล้องสองสองตานั้นแต่งกายด้วยเสื้อตึงเกงที่เหมือนกันหมดจนเรขได้ว่านั่นคือเครื่องแบบสีเขียวมนที่เก่าคำคลา กับหมวกกระเพาะหมูแบบนี้เท่าที่เคยรู้เคยเห็นมาก็มีแต่ทหารเวียดนามเหนือกับทหารจีนเท่านั้นที่ใส่กันอาการ์ี่สิคนละกระบอกกับประสูนอะไรคนละสองสมแม็กคาดอยู่ที่เอวไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนี้กําลังจะเดินทางไปไหนไปเที่ยวหรือออกระดับเวนแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ก็คือพวกนั้นไม่มีอาการระแวงภัยแด่อย่างใดจ้าดาวเหนือคิดแผนการบางอย่างอยูอย่ในใจเราย้อนมาที่สาวมูเซอร์ดําทั้งสองอีกครั้ง จะลาจะพือนแถวนี้มีพวกจีนฮอ่อยู่บ้างไหมไม่มีเลยตาฟูเยจีนฮอนี่มันชอบฆ่าคนแล้วต้องตัดหัวเหรอใช่มันเอาไปไหว้ผีของมันไหว้คนตายนั้นเรียกพวกมันมาให้จีนฮอ่ฆ่าอีกแล้วจีนฮอเคยมาฆ่าคนแถวนี้บ้างไหมจีนฮอชอบเดินทางไปทั่วทุกแห่งพวกนี้ชอบป้นชอบฆ่าที่นี่มันก็เคยมาเมื่อปีที่แล้วมันฆ่าหมูเสือแดงไปเจ็ดคนมันฆ่าผู้ชายแล้วมันคมเหงืผู้หญิงแล้วฆ่าทิ้งเรารู้ได้ไงว่าเป็นพวกจีนฮอเป็นคนทําอ่ะ รู้สิเพราะมีจีนห้อพวกเดียวที่ฆ่าเราต้องตัดหัวคนตายไปด้วยช า, าวเขาเผ่าอื่นเขาไม่ทำกันจา่าดาวเหนือเอามือลูบขางกับเขาที่ลบคลึมนั้นยังใช้ความคิดบุหรี่ถูกจุดแล้วตามด้วยหมึกฝรั่งอีกเม็ดแต่ก็ไม่ลืมที่จะส่งให้หญิงสาวทั้งสองด้วยหันไปทางพันตรีเมาริการทั้งสองคนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแววตาในรอยยิ้มนั้นซามูสไตร์ดำยอมรับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีแววแห่งความตายแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม นคนมองไม่กล้าสบตาด้วยเมเจอร์ Major, อยากเล่นสไต์บ้างไหมครับหมายความว่าเราจะเล่นเกมกับพวกนี้เหรอครับคุณมีความมุ่งหมายยังไงตอนนี้ยังไม่มีครับขอเวลาคิดสักสองสาวินาทีเวลาแค่เนี้หายใจยังไม่พอเลยจ้าดาวเนือโหลเล็อพร้อมกับพันตรีเมายกันทั้งสองซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างที่พูดปพราแกกําลังใช้ความคิดคิดอยู่ว่าคนจะเล่นเกมนี้ยังไงแต่เรื่องเล่นนั้นต้องเล่นนะ่โอเคเมเจอร์ เมเยอร์อยากจะลงเล่นเองหรือเปล่าล่ะเล่นอะไรล่ะสังหารมันสิครับว้าวชัวร์นอสตาผมไม่พลาดแน่พันตรีคนรลินร้องออกมาด้วยความเริงล่ากับเกมที่กำลังจะได้เล่นจากดาวเหนือโฮะเล้วเรเริ่มเรียกคนเข้ามารับแผนยุดชาติเปรียกเคตเล็กห้าคนก็พอว่ะอะไรหนึ่งทั้งห้าคนเข้ามาพบตามคาสั่งทันทีคนที่ไม่ได้ถูกเรียกตั้งมองด้วยสายตาผิดหวัง เพาทุกคนล้วนอยากลงสนามด้วยกันทั้งนั้นคงเป็นพราะว่างเว้นมานานนั่นเองโอเคครับเมเจอร์ Major. ไปกันเจ็คนคงพอสําหรับเหยื่อสังหารแค่หกคนเหลือเฟือนอสตาคุณว่าแผนของคุณมาได้เลยครับงานนี้ดับศูนย์มันทั้งหมดแล้วตัดหัวมันเอาไปทิ้งสร้างสถานการณ์ว่าเป็นการกระทําพวกจีนห่อหลังจากนั้นให้เฝ้าศพนั้นไว้จนกว่าพวกมันจะออกมาตามแล้วทีนี้ไอ้พวกที่ออกมาตามนี่แหละก็จะพาเราไปที่ค่ายของมันเองโอเคไหมจ่าดาวเหนืออธิบายแบบง่ายๆ แต่ความหมายนั้นรวมไปถึงแผนที่ภารกิจจะสําเร็จด้วยทั้งเจ็คนรับคําสั่งและเตรียมการทันทีสิ่งติดตัวมีแต่อาวุธที่เหลือทอดฝากเพื่อนไว้เราขบวนคนเจ็คนชุดดับสูนก็เคลื่อนทีป่าเขาโพด์กับซุ้มไม้ที่สูงเกือบท่วมหัวช่วยเป็นฉากกาําบังการเดินเข้าสู่จุดซุ้มที่อยู่ทางด้านฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีชุดดับสูนคาดการว่าเยื่อสังหารทั้งหกคนนั้นคงต้องเดินเข้ามาในราวป่านั้นแน่ เส้นทางที่มันต้องอ้อมกว่าย่อมถึงที่หลังนั่นหมายความว่าชุดดับศูนย์จะมีเวลาสําหรับการวางตัวไรโอโพี่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวถึงดูร้างลาผู้คนนับเป็นโอกาสทองแก่ภารกิจนี้ที่จะสามารถเดินทางผ่านไปได้โดยไร้กังวลไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกับระยะทางกิโลเมตรกว่าๆที่ไปถึงพื้นที่ดับศูนย์จากยุทธพงศ์ที่รับผิดชอบงานแทนหัวหน้าใหญ่กราดายตาตรวจไปรอบๆเล็กอีกไกลไหม เกือบ5้าร้อยเมตรพี่ไอ้เล็กที่เป็นคนล้างท้ายและรับผิดชอบท้ายขาบวนรายงานระยะห่างของเยื่อสังหารก่อนที่มันจะมาถึงพื้นที่สังหารจ่ายยุทธพง์ยิ้มเครียดแล้วมองเลยจุดตรงนั้นไปอีกหน่อยตรงโน้นดีกว่าของเปียกก็ดีพี่ที่แบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลให้เหนื่อยจ่ายยุทธพง์เห็นด้วยตามที่เปียกพูดในใจนั้นมีแต่คิดที่จะฆ่าเขาเพียงฝ่ายเดียว ไมนเลยคิดเลยว่าเขาก็มีมือแล้วที่มือเขาก็มีปืนเหมือนกันเขาคงไม่มีปัญญาจะมาต่อสู้ด้วยแน่กำลังใจที่มีแต่ลุกลบนั้นสามารถจะช่วยได้รับชัยชนะไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นทัางเลือดและชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนที่ทับถมลงบนแผ่นดินจึงไม่มีคำว่าหวาดวันหรือเกร่งเกร่งใดๆกระทั่งคิดว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมแล้วจ่ายุทธพงศ์จึงจัด ก, การแบ่งคนลงจุดซุ่มเล็กมึงอยู่ท้ายนะ เปียกชาติเมเจอร์คอรินเทศเมเจอร์โเเรโเจอร์ปิดท้ายกันแล้วกันเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เองชุดดับศูนย์วางตัวเขาจุดซุ่มทันทีที่ได้รับมอบหมายไม่มีข้อโต้แย้งอันใดออกมาจากปากใครงานแบบนี้ทุกคนทําได้ทุกนาทีจุดซุ่มที่วางห่างกันจุดแล้วประมาณ5้าก้าวโดยการพิจารณาว่าเมื่อมาถึงตรงนี้ระยะต่อของมันควรจะห่างกันเท่านี้มุมยิงที่กว้างจนสามารถตรวจการพื้นที่ได้ทั้งหมด กับที่กําลังที่มีระยะยิงห่างเพียง 3-40 เมตรไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อ M16 X m a 1ติดกล้องเล็งขยาย16เท่ากระบอกเก็บเสียงทําให้เสียงปืนนั้นดังค่อยกว่าเสียงดีดนิ้วมือกระทั่งเหล่าศัตรูที่เคยลิ้มรสมาแล้วต้องคิดว่าเขากําลังลบอยู่กับปีศาจที่ไม่สามารถเห็นตัวและไม่มีเสียงความพร้อมในอาวุธในเรื่องของพลานุภาพบวกกับประสบการณ์ช่วยให้กําลังใจฮึกเขิมนักขึ้นไปอีก อีก200อเมตรพวกมันเดินกันตามสบายคุยกันมาตลอดทางเลยไอ้เล็กราย ง, งานความเคลื่อนไหวของเยื่อสังหารเข้ามาอีกตามตำแหน่งหน้าที่มันคุยเรื่องอะไรกันวะเรื่องญาติมึงเสียมั้งไอ้เล็กตอบไอชาติที่ดันถามไปได้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันไอ้เล็กตอบแบบไม่ต้องหันมามองเพราะมัวสนใจอยู่แต่ภาพในกล้องสองสองตาอันนั้นอยู่อีกร้อยเมตรเหตุการณ์เหมือนเดิม ไอ้เล็กรายงานมาอีกโดยไม่ต้องให้เตือนระยะใกล้เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่จุดซุ่มพร้อมแล้ว M16 XM1 ทุกตรวจความพร้อมยิงอีกครั้งแผ่นบังคับการยิงอยู่ที่ตำแหน่งซิงเกิลพร้อมเมื่อเช็คระเบเ็บเสียงแล้วห้ามยิงแบบอัตโนมัติโดยเด็ดขาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกระสุนแบบหัระเบิดรุ่นพิเศษถกบรจุจนเต็มแม็กกาซีน20นัดเมื่อคนพร้อมอาวุธพร้อมแ้วแบบนี้อะไรมันจะไปเหลือ ไอ้เล็กให้สัญญาณไม่กครั้งคราวนี้เป็นสัญญาณมือเพราะไม่สามารถส่งเสียงได้แล้วมือดับสูดที่จุดซุ่มหันไปมองทางต้นทางเป็นตาเดียวกันพรานเห็นเหยื่อสังหารรายแรกโผล่ออกมาก่อนคนต่อไปตามมาติดๆคนที่สามกำลังหันไปคุยกับคนที่สี่พร้อมกับคนที่ห้ายื่นหน้าเสนอมาเทียบกับคนข้างหน้าคนสุดท้ายก้มหน้าก้มตาหัวเราะในลําคอคงจะขาขันในเรื่องที่ไอ้คนข้างหน้ามันคุยกันนั่นเอง ทหารลาวสี่คนทหารจีนสองคนไม่รู้เหมือนกันมันคุยกันรู้เรื่องได้อย่างไรไอ้เล็กมือปืนปิดถ่ายตรวจสภาพเป้าหมายแล้วให้เป็นงงระยะต่อที่มันควรจะเดินตามกันนั้นผิดพลาดไปหมดเมื่อคนที่สามสี่ห้ามันดันเดินจับกลุ่มคุยกันทิ้งให้คนสุดท้ายเดินห่างไปในระยะสามถึงสี่ก้าวอยู่คนเดียวปืนจากจุดซุ่มพยายามจับตามเป้าหมายที่ได้รับการแบ่งมอบยังไม่คลาดคลาไอเชตเริ่มจะมีปัญหา เมื่อที่กำบังสำหรับการซุ่มในตอนนี้นั้นทำท่าว่าจะใช้ไม่ได้ระยะต่อของเป้าหมายที่ผิดพลาดทำให้มุมตรวจการและมุมยิงมีผลกระทบไปด้วยลากองที่ว่าตามร่างเป้าหมายไปตลอดนั้นไอเชตต้องขยับตัวเพื่อหามุมยิงใหม่อีกแค่ห้าเก้าที่เยียดสังหารกำลังจะถึงจุดเริ่มสัญญาณไอเชตกลายเป็นตัวพลิกเกมไปเสร็แล้วเมื่อการขยับตัวของมัน ทำให้คนนาหันมาเห็นพอดีไม่รู้ว่ามัสั่งการว่าอย่างไรเพราะเป็นภาษาจีนผลก็คือทั้งหกคนกระโดดตัวลอยเตรียมเข้าที่กำบัง oh, oh. อ้ออ้อเยือสังหารคนที่สี่กับคนที่ห้าที่จับกลุ่มคุยกันไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันลางของมันโดนกระสุนร้อยเข้าอย่างจังร้องลั่นป่าปืนหลุดจากมือล้มกิ้งกับพื้นทันทีจ่ายุทธพงศ์ที่รับเหมาคนที่สามของขบวนเดินปล่อยกระสุนเข้าไปเพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาที กระสุนนัดนั้นพลาดจากยอดอกไปเข้าที่ไหล่ขวาแทนแต่ด้วยความรุนแรงของกระสุนหัวระเบิดที่กระจายตัวเองหลังจากกระทบเป้าส่งผลให้เหยื่อสังหารต้องได้รับความเจ็บปวดมากกว่าโดนกระสุนธรรมดาหลายเท่าเช่นเดียวกันกับปืนอีกสี่กระบอกของพวกซุ่มที่ต้องพลาดเป้ากันไปหมดไม่มีใครว่าใครในกรณีอย่างนี้นัดแรกพลาดก็ปล่อยให้พลาดไปนัดต่อไปยังมี เมื่อปากลากองที่ใส่าตามการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเดิมไปยังกระชั้นชิดนั้นพร้อมที่จะร่นไกต่อไปอีกซิกระบอกแรกไม่รู้เป็นของใครปล่อยกระสุนออกไปก่อนเป็นการยิงชนิดที่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้เหยื่อสังหารได้ตั้งตัวกัน เ, เลยกระสุนชุดนั้นก็พลาดอีกจนได้เมื่อเป้าหมายเคลื่อนทีชาร์จเข้ากำบังหลังซุ้มไม้อย่างรวดเร็วแต่นั้นก็ตามยังเปิดโอกาสให้แกฝ่ายซุ่มจนได้ พันตรีคอร์เลนที่ใจเย็นวาดลำกองตามร่างเหยื่อสังหารที่เป็นทหารจีนคนนั้นเห็นอยู่หลัดๆว่าเข้าไปในซุ้มหนามพงดอกอนั้นตัดสินใจลั่นไกออกไปทันทีอออได้ผลเกินคาดโดยที่มือซุ้มยิงคาดการเอาง่ายๆบวกคนเราเมื่อเข้าไปถึงที่กําบังแล้วย่อมหยุดเคลื่อนทีนั่นแหละคือหนทางพลาดของมันร่างนั้นโดนกระสุนพุ่งเข้าที่ชายโครง จนถึงกับเกลือกกิ้งตัวเองออกมาให้เห็นเดือสดสดๆทะลักออกมายังกับพ้อกน้ำเสียงอากาตสองกระบอกยิงสวนออกมาบ้างแต่ว่ามันใช้เวลาไม่นานเลยสําหรับการเข้าที่กําบังแล้วทําการตอบโตการยิงชุดนั้นไม่มีผลแต่อย่างใดเพราะคนยิงไม่สามารถกําหนดทิศทางที่ตั้งของพวกซุ่มโจมตีได้กิ่งไม้ใบไม้ปริววอนหล่นลงพื้นนักล่ารับจางจ้องมองจุดที่มีเสียงปืนกับกุมควันดินปืนปากลํากล้องที่รอยรอดออกมาจากซุ้มหมายอย่างใจเย็น ตอนที่ยีสไอเล็กที่ล้างท้ายหมายตาที่อยู่ของเหยื่อสังหารได้แล้วตามเสียงจัดการกิ้งเร็วลุกไปทางซ้ายเพื่อเข้าหามุมยิงแห่งใหม่อาก้ากระบอกหนึ่งซันโวตามล่างที่กิ้งของไอเล็กไปคนที่กิ้งรอดไปได้เล่าปฏิหารฝุ่นดินเศษหินปลิวว่นจนฟุ้งไปหมดกระสุนบางนัดเฉียดลังไปจนรู้สึกร้อนวาบอาก้ากระบอกเดิมตามจองล้างจองผ่านจองเวนจองกรรมต่อไอเล็กอีกแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเพราะเป้าหมายของมัน หลบหลังต้นไม้ใหญ่ไปแล้วแม้จะนอนตีขีมเล่นก็ไม่มีทางที่กระสุนขนาดเพียงอาการจะทะลุทะลวงเข้าไปได้นักกล่าเราจางไม่เคยรอเสียงศัตรูเกินสองชุดสําหรับการค้นหาที่อยู่ของมันฉับพันนั้นโอ้ยโอ้ยพันตรีลอเจอร์ที่อยู่ตรงหน้าพอดีกระสุนนัดนั้นเข้าเป้าหมายชนิดที่เรียกได้ว่ายิ่งกว่าพอดีเสียอีกมองเห็นกับตาว่ามันสมองของเหยื่สังหารที่เป็นทหารจีนหรือลาวก็ไม่รู้หลุดกระเด็นออกมาก้อนเบอร์เลม เหลือกี่คนวะชาติคนเดียวครับพี่คนของใครของผมเองครับโถไอเวนเราไม่ได้จะจัดการผมรอของพี่ก่อนนะ่ะของกูมันพิการไปแล้วไม่มีทางรุกขึ้นมาได้หรอกนะ่ะใจยุทธพง์ต้องหันไปตรวจพื้นที่ด้านหน้าของต้นอีกครั้งเพราะเหยื่อสังหารของต้นยังไม่ตายกระสุนเข้าที่ไหล่มันเพียงแต่พิการเท่านั้นเองแต่ก็เชื่อว่าอํานาจการยิงจากมันคงไม่มีความหมายอีกต่อไปแนะ่ความเงียบเขาปกคลุมทหารพวกนี้นับว่ารบเก่งพอสมควร การที่มันไม่สามารถจับทิศทางที่มาของเสียงปืนฝ่ายซุ่มยิงได้มันก็เล่นหมอกราบนิ่งเฉยรอดูเหตุการณ์ต่อไปแต่เกมนี้จายุทธพงศ์ไม่ต้องการที่จะให้มันยืดเยื้อและโดยเฉพาะจะต้องไม่มีมันคนใดคนหนึ่งลอดกลับไปได้เป็นอันขาดเพราะในคำสั่งคือดับศูนย์ให้หมดทุกคนดังนั้นแผนการดำเนินกลยุทธ์จึงต้องเริ่มขึ้นเล็กอมบอกหลังไม่ได้สิวะจายุทธพงศ์สั่งการค่อนข้างดังโดยการหวงผลสองอย่างคือ ให้เล็กอ้อมออกหลังมันกับเป็นการล่อมันด้วยอาก้าสองกระบอกระดมออกมาทันทีเข้าใส่จุดที่จ่ายยุทธพงษ์ซุ่มอยู่เล่นออกจากยุทธพงษ์ออกจะงงงพอเช็คกับไอชาติแล้วว่าเหลืออีกคนเดียวถึงกระนั้นก็ยังนับว่าคุ้มค่าเมื่อเสียงร้องของมันดังออกมาอีกพอไอเล็กได้พบโอกาสทองร่างนั้นเป็นทหารลาวที่ต้องแอนตัวเมื่อกระสุนเจาะเข้าถึงกระดูกสันหลังฟังคาอยู่ ความเจ็บปวดรวดเหล่าไปทั่วสัตวพางกายทําให้มันต้องร้องครวญครางบิดตัวไปมาเมเจอรออมมองอหลังไปอีกพันตรีโรเจอร์ชาร์ดเร็วทันทีอาการที่เป็นกระบอกสุดท้ายของชาติการลบนั้นยิ่งเข้าที่ทันทีแต่พอเห็นล่างที่สูงใหญ่เป็นอเมริกันวิ่งเร็วอยู่ทางด้านซ้ายมันเลยเปลี่ยนจากร ย, ยุทธพงศ์ไปจับเป้าหมายนั้นแทนแต่ถึงคราวที่มันต้องสิ้นเสร็จแล้วไออาการเอี้ยวตัวตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่นั้น ทำให้ส่วนหัวของมันโผล่มานอกที่กำบังเข้าทางปืนไอ้เปียกอีกพอดีเพราะเตรียมจ้องอยู่ก่อนแล้วนับว่าได้ผลพราะมันไม่ทันที่จะปล่อยกระสุนแม้แต่นัดเดียวไปที่ล่างของพันตรีโรเจอร์พวกเราระวายคนที่ยังไม่ตายหน่อยนะอม อ, ออกหลังนหน่อยสิวะจายย่ายยุทธพงษ์ย้ำเตือนอีกครั้งแล้วตะโกนสั่งให้คนที่อยู่ทางปีกอม อ, ออกไปทางด้านหลังหมายประเด็ดสุดคันเด็ดขาดต่อไปว่างเมเจอร์โอเคโซกุต so พันตรีคอลินที่คานลุกข้อหาแนวกำบังของเยอสังหารตอบกลับมาขณะกำลังยกปืนขึ้นเล็งแกะเล่นเล็งเข้าไปในซุ้มไม้นั้นเราลั่นไกอ๋ออ๋อเยอสังหารที่เป็นทหารจีนนอนหมอบราบจมกองเลือดจากบาดแผลที่ช่องท้องคราวนี้มันไม่มีโอกาสรอดชีวิตแน่เมื่อกระสุนนัดหลังนี้เจาะเข้าที่ใบหน้ามันพอดีเลยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ามันอีกแบบนี้แล้วจะตามไปทวงนี่ใช้นี่กันในนรกได้อย่างไรอ๋อ ไอ้เล็กเป็นคนจัดการคนที่เคยรอดจากน้ํามือจ่ายยุทธพงค์แต่นั่นเป็นคนสุดท้ายของชาติการลบครั้งนี้จริงๆไอ้เล็กลุกขึ้นยืนเต็มตัวแล้วกล้าสายตาไปตามร่างไร้วิญญาณจํานวนครบทั้ง6ชีวิตนั้นแต่ทั้งแน่ใจเรียบร้อยร้อยเรียบพี่เฮ้ยเดี๋ย ว, วเอาหูก่อนเดี๋ยวก็ตัดคอมันไม่ใช่นคนเล่นเอาหูหรือเปล่าถ้าเอาก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้เลยจ่ายยุทธพงศ์ชาร์จออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ไอ้เล็กจะจัดการตามคําสั่งในแผนของหัวหน้าชุด เป็นอันว่าจ่ายยุทธพง์เอาใบหูข้างขวาส่วนพันตรีคอรลินเอาข้างสายเพราะมันมีแค่นั้นหลังจากนั้นไม่เป็นการยากที่จะดําเนินการขั้นต่อไปอาวุธกระสุนริบแล้วทําลายรางที่ไหลวิญญาณถูกลากออกมาจากทีซุ่มให้โชติาเด่นอยู่ที่ทางเดินเพื่อเจตนาให้คนเดินผ่านมาเห็นได้ง่ายจ่ายยุทธพง์วิทยุรายงานผลให้หัวหน้าชุดทราบก็ต้องโดนตําหนิบางที่ปล่อยให้ฝ่ายศัตรมูมีโอกาสได้ใช้กระสุน งานนี้ไม่ควรที่จะให้มีเสียงออกมาแต่อย่างใดพรกะเกรงว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นจะได้ยินเสียงแล้วมาพบเสียก่อนการที่ชาวบ้านมาพบอาจาไม่มีผลอะไรมากนะักแต่ที่เกรงก็คือชาวบ้านจะเคลื่อนย้ายศพเรานี้เสียก่อนเท่านั้นเองทั้งเจคนที่แยกตัวไปปฏิบัติภารกิจพิเศษกลับมาสมทบกับพรรคพวกอีกครั้งหลายคนโดนคนที่ไม่ได้ไปกระเซาเยาอแย่ว่าฝีมือไม่ถึงคั้นคนที่ถูกกระเซาก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานอะไรให้มากเรื่อง งานขั้นต่อไปคือการหาจุดซุ่มสำหรับการเฝ้าตรวจที่ศพเ่านั้นหรอว่าวันใดที่พวกมันต้องออกติดตามค้นหาคนที่หายไปกระทั่งมาพบนั่นแหละจึงจะมีงานทํากันอีกระหว่างเดินทางสู่จุดซุ่มแห่งใหม่เป็นธรรมดาอยู่ดีที่สาวมูเซอร์ดําทั้งสองต้องสงสัยบ้างในเสียงปืนตาฟูเยมันมีเสียงปืนอะไรอะ่ะก็พวกจีนฮ อ, อสิจีนฮอทําไมเหรอมันดักรอเล่นงานเราเรารู้สิ ก, ก็เลยต้องฆ่ามัน ดีดีดีดีมากเลยตาฟูเยดีมากเลยพวกนี้มันชอบทำร้ายคนอื่นจ้าดาวเหนือจำเป็นต้องปลดออกไปอย่างนั้นเพราะไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะภารกิจของพวกเขาอย่างไรก็ตามความหนัดใจที่ต้องมีสองหญิงสาวเข้ามาร่วมอยู่ด้วยแบบนี้ก็ไม่ได้เบาบางลงเลยตลอดเวลาเขายังคิดหาหนทางให้พ้นไปจากวิถีชีวิตการงานของพวกเขาอยู่เสมอแต่ดยหลักมนุษยธรรมแล้วเขายังไม่มีหนทางใดที่จะทาได้ เหตุการณ์ที่ปกติผ่านไปอีกกระทังมืดคําที่ชุดปฏิบัติการต้องกลายมาเป็นชุดเฝ้าตรวจต่อศพทั้งหกนั้นเส้นเครื่องบินบินมาเช่นเคยนั่นหมายถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารโอเคนอสตาวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกให้คุณทราบข่าวดีไรซันไรจะให้ถอนตัวกลับลหรือไงเดี๋ยวจะเพิ่มเงินค่าเสี่ยงไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าไม่ใช่ผมถือว่าไม่ใช่ข่าวดีหรอกนะเฮโนสตาผมมีข่าวเกี่ยวกับเป้าหมายคุณนะ่ะ คื อ, องี้วันนี้หน่วยข่าวทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์เขารายงานมาว่าพบคนของฝ่ายตรงข้ามจํานวนหกคนที่พิกัด472 689ผมเห็นว่ามันไม่ห่างจากจุดที่คุณอยู่เลยคิดวคุณน่าไปดูหน่อยนะคนหกคนผู้หญิงหรือผู้ชายชื่ออะไรอาชีพอะไรร่างข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมันบอกหรือเปล่านี่ผมพูดจริงๆเนอะคุณไม่เชื่อผมเหรอผมไม่ได้ว่าไม่เชื่อแต่ผมกําลังตรวจสอบกับคนที่ผมสังหารไปวันนี้ว่ามันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าต่างหากเราอะไรนะ คุณสังหารมาไปแล้วเหรอถูกต้องวันนี้ผมสังหารไปหกคนเป็นทหารลาวสี่ทหานจีนสองหลักฐานพร้อมที่พิกัดใกล้กับที่คุณบอกผมมานั้นแหะผมถึงอยากได้รายละเอียดามาตรวจสอบไงเรายังไงยังไงต่อไปขอใหแหล่งข่าวสารพัฒชนิดที่คุณมีให้มันรายงานข่าวเร็วกว่านี้ละเอียดกว่านี้หน่อยอู้โห่โนสตาคุณ น, นี่ยังเยี่ยมเหมือนเดิมจริงๆผมต้องยอมรับเลยเอาเถอะอย่าโมยเยิยนยอกันอยู่เลยวันนี้มีข่าวอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีเลย แล้วสายรับของคุณที่เมืองหาดหินก็เมืองว้าล่ะนั่นก็ไม่มีเหมือนกันคือไม่มีคนของฝ่ายนั้นเขาไปเคลื่อนไหวในเมืองน่ะงั้นผมว่าคุณกลับเลยดีกว่าเสียเวลาเมกเลฟเฮ้เมกเลฟก็ใครสามูสะดำมอเหรอเชียอผมไม่ได้หน่ามืดเหมือนคุณลงนะโอเคงั้นผมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันเครื่องบินจากไปเช่นเดียวกับที่ต้องแะครับวิทยุด้วย ความเงียบเขาปกกลุมอีกครั้งท่ามกลางอากาศที่หนาวน้อยกว่าวันแรกๆซึ่งไม่ต้องอาศัยไฟผิงก็พอทนไหวแล้วก่อนหลับไปในคืนนั้นแม้จะพยายามคิดมาหลายวันแล้วว่าพันเอกโนแมนจะฝากเสาวมูเซอดมสองคนนี้ไวเพื่ออะไรและแม้แต่การที่เขาเองจะส่งให้คืนกลับบ้านเดิมก็ยังไม่รู้จะทําได้ยังไงอีกด้วยที่เคยคิดไว้ว่าเอาไปในภารกิจด้วยเราหาทางส่งคืนเมื่อภารกิจเสร็จนั้นจะทําอย่างไรเมื่อคิดไม่ออกก็เลยไม่คิด ข่ม ค, ความรู้สึกแล้วเข้าสู่ห่วงนิทราไปเลยชุดปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาค่อนข้างมากรู้ดีว่าความใจเย็นเท่านั้นที่จะช่วยสําเร็จภารกิจโดยเฉพาะการรบกับกองกำลังที่สันทัดในการลบแบบกองโจรยังคมนิต์ทั้งหลายโอกาสนี้ก็เช่นกันที่นักล่ารับจ้างต้องนั่งคอยนอนคอยเป็นเวลาถึงหวันอากาศที่เย็นช่วยให้ศพอยู่ได้นานกว่าอากาศร้อนกระนั้นก็ยังไม่ผลสภาพที่ต้องขึ้นอืดจนกลายเป็นศพขนอ้วน กิ่นเหม็นรอยลมมาในบ้างครั้งมะแรงหวานมะแรงอื่นๆตอมจนเต็มทั่วทั้งศพเห็นแล้วชวนคลื่นเหียนอาเจียนมากกว่าแต่เรื่องแบบนี้นักล่าหลับจ้างชาชินเสร็จแล้วศพผีหัวขาดนอนคอยเพื่อนอยุยงนั้นไร้ความหมายและคำว่ากลัวผีก็ไม่เคยเกิดในความรู้สึกรุ่งขึ้นของวันที่6กนักล่าสังหารเริ่มเข้าสู่ความกระปีก้กระเป๋ากระชับกระเชงกันอีกครั้ง เมื่อรู้จักสัญญาณแจ้งเตือนของคนที่ทำหน้าที่เฝ้าตรวจเลือดในกายฉีดแรงจนรู้สึกร้อนใบหน้าทหารทั้งลาวและจีนจำนวนสิบสองคนเดินทางมาถึงและพบเข้ากระสบพวกมันทั้งหกนั้นอย่างบังเอิญหลังจากที่ตระเวนหากันมาหลายต่อหลายที่ไอ้มนที่เป็นยามเฝ้าตรวจตอนนั้นรายงานมาทางวิทยุอีกฐานลาวหก่านจีนหก แต่งกายอาวุธเหมือนกับที่เราสังหารไปแล้วทหารจีนคนหนึ่งมีดาวสีแดงบนพื้นเหลืองติดที่ปกเสื้อทั้งสองข้างสงไัยจะเป็นหัวหน้ามันเข้าไปตรวจศพจนใกล้เสียงมันสั่งการเป็นภาษาจีนคนของมันมองไปรอบๆเหมือนจะหาอะไรสักอย่างมันเลิ่บอกค้นหาละทหารราสองคนทหารจีน3าคนกระจายกันไปรอบๆพื้นที่หัวหน้ามันก็เหม็นเหมือนกันเห็นมันเอามืออุจจุมูกแล้วถอยห่างออกมาตอนเนี้ย คนที่ฟังอยู่ต้องยิ้มออกมาด้วยความพอใจในราย ง, งานที่ได้ยินนั้นไอ้มนเล่นแบบบรรยายถ่ายทอดวิทยุและแจเสียงที่มีคนทางบ้านคอยฟังอยู่เลยเจอแล้วพี่ไอพวกนี้คนหารอบๆพื้นที่มันเจอจุดที่เราตัดคอมันมันเห็นรอยเลือดมันเริ่มตามรอยลากศพมันเดินตรวจตรงมามันออกมาหมดแล้วพี่เจอแล้วพี่ตอนนี้มันเจอปอกกระสุนของเรามันหยิบขึ้นมาสองสมาร์ทเรามาส่งให้หัวหน้ามันไอหัวหน้ามันเอาขึ้นมาดมแล้วเก็บใส่กระเป๋าสงสัยเอาไปเป็นของที่ระลึกอะพี่ เสงมันพูดกันนี่แต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้มันแยกย้ายกันอีกแล้วไม่รู้มันจะทําอะไรอ๋อดูแล้วพี่เห็นมันชักมีดออกมาทีแรกคิดว่ามันจะสู้กันเองมันเอามาตัดไม้พี่ไม้อันโตเหมือนกันนะพี่แต่เอไม่รู้มันเอามาทําอะไรนะพี่คงไม่ได้อามาเผาศพหรอกเพราะว่าไม้มันยังสดอยู่ถ้าจะเผาก็น่าจะเอาแต่ไม้แห้งๆแถวนั้นไม้แห้งก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันไม่เอาเอามาเอาเถาวันมาด้วยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันเอามาทําแคร่หามศพพี่ าดาวเหนือยิ้มอกมาด้วยความพอใจกับแผนการขั้นต่อไปยังไม่คิดจะทักทวงไอ้โคศกแทะทอดวิทยุพอระยะที่มันซุ่มอยู่นั้นห่างจากจุดที่เกิดเหตุกว่าหนึ่งร้อยเมตรพร้อมโดยที่กำบังอย่างดีคำว่าแคร่หามศพนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือบอกทิศให้พวกเขาตามมันไปได้เป็นอย่างดีคิดแล้วก็ดีดนิ้วมือดังลันจนคนที่อยู่ข้างๆสงสัยว่าเป็นอะไรจ่าดาวเหนือไม่สนใจสายตาเหล่านั้นหลวงบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วตามด้วยหมาฝรั่งตามสไตล์ คราวนี้สามูเซอร์ดำทั้งสองแ บ, บมือขอบ้างด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมเสียงไอโคโสกลายงานถ่ายทอดมาอีกเรียบร้อยแล้วพี่ข้า น, นี้หน้นอนชมัดเลยมันเริ่มยกศพลากขึ้นนอนบนแคร่มันเอาเชือกมัดตัวศพติดกับแคร่เอากิ่งไม้ามาปิดบังศพไว้โอเคมันเริ่มออกเดินทางไปแล้ะโอ้โหแจ๋วจริงพี่แคร่าลาวแบบเนี้ยด้านหัวมันรวบมัดเอาเชือกใส่แล้วค้องกับบ่าแล้วใช้คนลากไปแบบวัวควายอพี่ ส่วนอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันปล่อยคลุ ด, ดินไปเป็นทางเลยรอยแค่ตั้งหกรอยแบบนี้ปล่อยมันล่วงหน้าไปก่อนสัก3ามวันตามยางทานเลยพี่ตอนที่ยี่สิบเอ็ดไอ้มนอธิบายคุณสมบัติมาพร้อมเสร็จพร้อมด้วยหนทางปฏิบัติกระทั่งขบวนแคร่เหล่าไปหมดแล้วนั่นแหละไอ้โคศกจึงถูกเรียกให้กลับมาไม่ต้องรายงานผลการเฝ้าตรวจอีก ขอที่รายงานมานั้นมันเกิดละเอียดเสียอีกไอม้มนออกจะแปลกใจที่เมื่อกลับมาแล้วทําไมไม่มีใครถามผมไม่ได้ว่าอะไรเห็นทุกคนนอนพักมันก็เลยนอนบางหยิบเอาที่ข้างๆไอชาตนั่นแหละเหมาะดีเพราะมีขอนไม้ใช้เป็นหมอนได้ด้วยจ่าดาวเหนือปล่อยเวลาให้ผ่านไปเกือบชั่วโมงจึงสั่งเคลื่อนที่ไอม้มนที่เป็นคนเห็นเหตุหการณ์ใกล้ชิดที่สุดถูกสั่งให้ไปเป็นชุดระวังหลังกับไอชาติ ความที่มันรายงานได้ละเอียดเกินไปคนที่ฝั่งสามารถวาดภาพได้อย่างทะลุ ป, ปลุกโปร่งโดยถูกแกล้งให้ไปคอยระวังถ่ายในระยะ1 0 0่งรถึงสองเมตรส่วนคนที่ทําหน้าที่ลาดตะเวนนาก็ยังคงเป็นจ้ายุทธพง์กับป๋อเล็กตามเคยรอยไม้แคล่ที่คลุบไปกับพื้นดินที่คิดว่าแม้คนตาบอดก็สามารถใช้เท้าคลำตามไปได้ดังนั้นบนเส้นทางเคลื่อนที่จึงตัดเรื่องนี้ออกไปได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือกับระเบิดเท่านั้นเอง เชื่อว่าที่ตั้งค่ายฝึกแบบนี้มันต้องวางดักเอาไว้ห่างจากขอบค่ายออกมาไม่น้อยกว่า500ห้าร้อยเมตรเป็นแนาไอ้เล็กให้สัญญาณหยุดขบวนหลังจากที่ตามรอยมานานแล้วจากดาวเหนือดึงวิทยุออกมาจากซอกอ ก, กเตรียมสอบถามพร้อมกับหันไปดูเห็นไอ้ผ่อนที่เป็นพลวิทยุดึงสาวมูเซอร์ดำให้หลบเข้าไปในซุมไม้อย่างเงียบเชียบไอเ้เล็กเรียกมาจุดตรวจของม น, นพี่ลาเรี ก, ก่อนสิมันมียามเป็นคนเฝ้าตรวจตามลายทางพี่ ไอ้นั่นอยู่บนที่สูงมันบางโคลดหินอยู่ตอนนี้มันออกมาดูขบวนแหกแค่คนตายมันออกมากันสองคนนะเพะ่มีอาก้าคนเราก็บอกฆ่าเราทั้งคู่จะดาวเหนือคบคิดทันทีไม่ได้คิดหรอกว่าจะสังหารไอ้ยามเฝ้าตรวจสองคนนี้ไม่ได้แต่กลัวว่าจะคนหายยามเฝ้าตรวจจุดต่อไปไม่ได้ถ้าขบวนแคร่ล่วงหน้าไปก่อนการที่มีขบวนแคร่นี้จะช่วยให้ยามตามจุดตรวจมันเปิดเผยตัวออกมาทั้งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของมันนั่นเอง ัานนี้ต้องสุขุมรอบคอบและใจเย็นอย่างที่สุดจากดาวเหนือจะไม่ยอมทิ้งไอ้พวกขบวนแคร่ให้คนตายขบวนนี้แน่เพราะมันคือตัวนําทางที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเหลือบดูนาฬิกาที่ข้อมือแล้วคิดอยู่ว่าไอ้ขบวนแคร่นี้มันจะพักเดินกันบ้างหรือไม่เวลาเพิ่งจะเลยสี่โมงเย็นมาไม่มากนักเชื่อว่ามันไม่หยุดพักแน่ยุดหาทางเข้าถึงตัวมันแล้วเก็บเงียบได้ไหมก็พอมีทางพี่ นิสัยใจ ย, ยุทธพง์นั้นไม่มีการปฏิเสธอยู่แล้วสําหรับการสังหารศัตรูยากเย็นหรือเสี่ยงเพียงใดก็จะพูดตเพียงคําว่าได้เสมอคราวนี้ก็เช่นกันทั้งๆที่ยังไม่ได้ตรวจสภาพภูมิประเทศเลยแกก็พร้อมซะแล้วจ่าดาวเหนือรู้นิสัยนี้ดีความที่ไม่ชอบเกมที่เสี่ยงโดยไม่จงเปล็ดเลยต้องคิดงั้นคอยก่อนจ่าดาวเหนือพราออกไปคนเดียวเพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปสําหรับจุดตรวจที่อยู่สูงกว่าแบบนั้น กำลังที่เหลือกระจายกันออกไปสามมูเซอร์ดำทั้งสองเป็นหน้าที่ของไอพรกับพันตรีมรรการที่จะช่วยกันดูแลช่วงไม่ถึงอืดใจร่างของจ่าดาวเหนือก็หายรับไปเสียแล้วด้วยความรวดเร็วบวกกับความชำนาญแกะรัดล็อกเข้าไปในดงหมายแล้วไปโผล่ตรงที่ลูกน้องทั้งสองซุ่มอยู่ก่อนพอดิบพอดีภาพที่ปรากฏก็คือ ทหารลาวสองคนที่กําลังวิาพากษ์วิจารณ์การตายของเพื่อนที่ไม่มีหัวรละว่านั้นเป็นฝีมือของจีนฮ่ออย่างแน่นอนไอสองคนนั้นไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มากนักแทนที่มันจะอยู่แบบซุ่มซอนเพื่อสังเกตการความเคลื่อนไหวทุกชนิดที่เดินผ่านเส้นทางนี้และจําเป็นอยู่ดีที่มันจะต้องปิดลับตัวเองแต่มันกลับขึ้นไปนั่งบนโขดหินชื่นชมกับแสงอาทิตย์สลัวรางด้วยสายหมอก บ, บนภูเขาสูงนั้นเสียฉิพจากดาวเหนือส่งสัญญาณลุกข้อหามันทันที โดยการนำหน้ารัดอ้อมโคถิหินกับซุ้มไม้ใหญ่หน้อยตามรายทางบางครั้งต้องอ้อมวกให้ห่างเพื่อต้องการกำบังที่ดีถาวาที่ย่ำไปเบาๆและเงียบยิ่งกว่าแมวเข้าหาหนูสายตาจ้องจับไปที่ล่างเยือะสังหารตลอดเวลาไอ้เล็กจ่ายยุทธพงศ์ตามไปในแนวทางด้านข้างขวาละสายด้วยอาการเดียวกันเพียงไม่ถึง20นาทีที่มือพิคาตทั้งสามาปรากฏกายทังด้านหลังของมันมองเห็นร่างที่บดบังแสงอาทิตย์ ดูดำเด่นเป็นสง่าราวกับรูปปั้นเพียงแค่รูปนั้นมันเคลื่อนไหวได้เท่านั้นเองเสียงพูดคุยยังดังอยู่แสดงว่าเรื่องยังไม่จบจา่าดาวเหนือทำท่าเอามือปากดึมฝีปากด้วยความพอใจที่ปืนประจำกายของมันยังพาดอยู่ที่ก้อนหินห่างจากตัวไปหลายก้าวนับเป็นความบกพร่องอย่างมหันาลที่ทหารต้องห่างจากปืนแบบนี้ทั้งสามย่างเท้าต่อไปด้วยการเบียดกายไปตามซอกหินที่ระเกะระกะนับได้ร้อยนับได้พันก้อนในพื้นที่ตอนนั้น ความสูงขนาดท่วมหัวคนพอที่จะสายบางได้จัดการแบ่งมอบหน้าที่ให้จ่ายุทธโผงเอาคนทางซ้ายส่วนไอเล็กเอาคนทางขวาสำหรับตัวหัวหน้าเองคอยสลับผลงานนี้โดยการเป็นตัวอะไรคอยเสริมให้แก่คนที่อาจจำพลาดความใจเย็นที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งของมือสังหารทั้งสมในยามนั้นเขาสามารถที่จะยืนพิงหินก้อนเดียวกันกับเหยื่อสังหารที่นั่งอยู่ด้านบนได้อย่างไม่สะทกสถาน โบวีในมือทุกนิ้วหัวแม่มือคลึงเรากลิ้งในอุ้งมือราวกับนักเลงมีดยังงั้นแหละมือสังหารมือแรกแนวประกบที่ด้านหลังเยื่อสังหารพร้อมแล้วจะดาวเหนือพยักหน้านิดนึงเป็นสัญญาณเริ่มมือสังหารทั้งสองคนอาจารย์เดียวกันมือสายอ้อมขึ้นไปขวาเข้าที่ลูกกระเดือกเหนี่ยวร่างนั้นลงมาก่อนที่จะได้สัมผัสผืนและก่อนที่จะได้ร้องเพราอมือที่จับรุดจะกคออีกทั้งเป็นการเปิดกระเดือกให้ว่างด้วย โบวี้ในมืออีกทางก็พุ่งปักเขาที่กระเดือกคนอย่างแม่นเหมาะมือสังหารออกแรงตวัดปลายมีดเล็กน้อยโบวีเ้เล่มนั้นแทนที่จะถอนกลับออกมาตามทิศทางที่เข้าไปกลับกลายเป็นสวนคมบุกเบิกออกทางด้านหน้าลำคอผลก็คือกระเดือกทั้งลูกต้องขาดระจุยเสียงที่ต้องออกมาทางปากด้วยผ่านลำคอเลยไม่มีเสียงที่ร่างของมันตกลงพื้นดูจะดังกว่าเสียงร้องเสียอีกดังนั้นขบวนแห่แคลรที่ห่างไปกว่า500เมตรแล้วจึงไม่มีทางได้หยิบ ความไวของใจยุทธพงษ์ยังคงเส้นคงวาแต่ก่อนที่ล่างของเหยื่อสังหารจะได้มีโอกาสลงไปเกลึกนิ่งกับพื้นดินใบหูข้างขวาของมันก็หลุดไปเสียแล้วจากดาวเหนือมักฟอร์มสดเสมอสําหรับการฆ่าทันทีที่ฝ่ามือของมือสังหารสัมผัสเขาที่ส่วนหัวของเหยื่อสังหารเตรียมที่จะโน้มขอมันลงมารับกับคมโบวีนะ่นั้นแก่ก็ก้าวขาออกจากจุดซุ่มหันไปคว้า M16 XM1 เตรียมเดินทางกลับทันที ไม่ได้หันไปมองดู ว, ว่ามือสังหารกระทำการอย่างไรบ้างและเหยื่อสังหารจะรู้สึกเจ็บปวดเพียงใดเท้าที่ก้าวมาหันหลังให้กับการชักดิ้นชักหมอกับมือที่กุมกระเดือกเพราะต้องหายใจคัดคัดเศษหินเศษดินทุกตะกุยตะกายออกมาเป็นแปรงด้วยแรงของคนก่อนจะขาดใจแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละที่ลูกน้องสองคนก้าวขาตามออกมาไม่ต้องสำเติมสำหรับการดับสูบคราวนี้เพราะอาการนั้น ต่อให้พ่อของหมอเทวดาก็ไม่สามารถต่อรอดขอให้ติดกันอย่างเดิมได้จ่ายยุทธพงสศบัตใบหูของชมด้วยจากสมรภูมิเข้ากับขากางเกงเป็นการเช็ดเลือดที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยก่อนยัดเท่าที่เก็บให้เล็กจัด ก, การยึดอากากับะสุนเจ้า ก, การถอดลูกเลื่อนเราควางทิ้งไปในดงซุ้มไม้ใหญ่ที่เชี่ยวคงไม่มีใครหาพบเป็นการกำจัดเขี้ยวเล็บป้องกันศัตรูพี่ปล่อยศพไว้เงี้ยเลยทําไมล่ะ แต่ถ้าเกิดคนที่มาเปลี่ยนเวรมาเห็นเข้ามันก็ต้องรู้สิมีศัตรูเข้ามาในพื้นที่มันแนะ่กว่ามันจะรู้มันก็สายซะแล้วละวายุทตก็ดีพี่จะได้ไม่เหนื่อยจ่ายุทธพงษ์นั้นไม่รู้ถึงความในใจของขณาาชุดหรอกว่าภายในวันสองวันนี้ฉากการถล่มค่ายฝึกกองกําลังฝ่ายในพลกองแลจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถึงเวลานั้นถึงมันจะรู้ว่าเป็นการกระทำของใครมันก็ไม่มีโอกาสแก้ไขสถานการณ์ได้อีกแล้วในระหว่างทางจา่าดาวเหนือสั่งทางวิทยุ ให้กำลังทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่ได้กระทั้งทั้งหมดพร้อมหน้าพร้อมตากันในรูปขบวนจุดธวิธีการเดินอีกครั้งซาวมูเซดามสองคนสงสัยมานานว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะถามคนอื่นแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะติดขัดเรื่องภาษาพูดกระทั่งมาพบกับตาฟูเยของนางนั่นแหละจึงต้องถามอีกครั้งตาฟูเยเกิดอะไรขึ้นคนที่ถูกเรียก ว, ว่าตาฟูเยหันมายิ้มด้วยอารมณ์ดีที่พยายามข่มเพราะไม่ต้องการให้ทั้งสองต้องอกซันขวัญแขวน ไปกับเรื่องที่กําลังดําเนินไปในทุกวันนี้จีนฮอ่นะสิเจลาทําไมจีนฮอมันมาอีกหรือไงใช่มันมาอีกมันจะมาแก้แค้นที่เราไปฆ่าคนของมันน่ะแล้วเราฆ่ามันได้หรือเปล่าไม่ได้มันหนีไปกอดแล้วทั้งสองสาวตกลุมคลางทันทีใบหน้ามีอาการวาดกลัวยังเห็นได้ชัดจากการที่จีนฮอได้สร้างสมบัตมีด้วยการแผ่อิทธิพลครอบงําเหนือชาเข่าเผ่าต่างๆไปทั่วพื้นที่ซึ่งกระทํามานานแล้วนั้น ความโหดเหี้ยมที่มีต่การฆ่าและฆ่าเพียงอย่างเดียวมันฆ่าทุกคนทุกเผ่าที่ขัดขวางการแผ่ขยายอิทธิพลไม่ว่าจินฮอจะไปปรากฏตัวที่ไหนที่นั่นจึงมักมีแต่ความหวาดกลัวเพราะความตายมักตามมาหลังการปรากฏตัวเสมอจินฮอยึดอาชีพขายยาเสพติดเป็นหลักทาทุกอย่างตั้งแต่ปล้นชิงจําหน่ายผลิตแม้แต่คุมกันคารวานขนยาเสพติดไม่ทําอยู่อย่างเดียวคือลงทุน จีนฮอมไม่ปลูกฝิ่นเองแต่จะคอยปล้นเขาเอาพอยซื้อเขาเอาบ้างต้นเอาบางนับเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่รับรู้มาจากปากของสาวมูเซอร์ดำทั้งสองเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้มีหลือที่สองสาวจะไม่กลัวจ่าดาวเหนือจึงต้องพูดสั่งทัพเข้าไปอีกต่อไปนี้จะลากับจะพื้ต้องคอยระวังตัวให้มากต้องคอหลบซ่อนตัวให้ดีถ้ามีการต่อสู้กันพวกของข้าจะต่อสู้เองเจ้าสองคนแอบซ่อนให้ดีก็แล้วกันเข้าใจไหม ทั้งสองเข้าใจดีกับสถานการณ์ที่ถูกปั้นขึ้นมาและพร้อมจะปฏิบัติตามความจริงแล้วพวกนักด่านหลบการก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนักเพราะคนทั้งสองกำเนิดมากับป่าดังนั้นการเดินทางการดํารงชีวิตหรือแม้แต่การสแสวงประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างในป่าทั้งสองกระทําได้ดีอยู่แล้วสิ่งที่จะขาดก็เพียงแต่ความแข็งแรงของร่างกายที่มีไม่เท่าชายเท่านั้นเอง ขบวนเดินรุดหน้าไปเรื่อยๆยังไม่มีวี่แววว่าจะถึงที่หมายแม้เวลาใกล้จะคําเข้าไปทุกทีแล้วก็ตามขบวนแหกแค่คนตายก็ยังเดินต่อไปดังนั้นขบวนนักล่าหลับจานก็ต้องตามต่อไปเช่นกันรอยไม้ปลายแลคที่ครูดไปกับพื้นดินยังคงประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับการแกะรอยในครั้งนี้ สภาพภูมิประเทศเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงยังเห็นได้ชัดช่วง3 4 0ถึงเมตรต่อไปนี้จะเป็นการเดินขึ้นลาดที่เป็นลาดสม่ำเสมอสองข้างทางลกทึบด้วยไม้ใหญ่ไม้ราคาดีประเภทพยุงมะคา่ากระดูและตะเคียนยืนต้นอวดอายุกว่าร้อยปีเป็นสง่าความร่มเย็นของราวป่าทำให้อากาศชื้นขึ้นไปอีกกับความมืดของเวลาที่เร็วกว่าพื้นที่โล่งอื่น ขบวนเดินต้องลดความเร็วลงเมื่อมุมตรวจการจะขบวนแคลสามารถหันกลับมาเห็นได้เพียงแวบตาเดียวขบวนส่วนใหญ่ที่ตามหลังมาก็ต้องหยุดหลบเข้าป่าถึบข้างทางแต่จ่ายยุทธพงศ์กับไปเล็กต้องอาศัยราวป่าข้างทางแทรกซึมตามต่อไปอีกความมุ่งหมายนั้นไม่ใช่เกรงมันจะคลาดสายตาหรอกพอถึงอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วพอรอยครูดที่พื้นดินมันฟ้องตลอดเวลาแต่ที่ต้องตามอย่างกระชั้นชิดเพราะต้องการที่จะรู้ว่า ตามลายทางหนีมีที่ตั้งจุดตรวจของมันตรงไหนอีกบ้างเท่านั้นเองเรื่องแบบนี้หัวหน้าชุดไม่ต้องสั่งคนปฏิบัติรู้เองจะประสบการพี่เจอไอ้ร้าจุดตรวจรายละเอียดสิเดี๋ยวก่อนพี่ขอเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยตอนที่ยี่สิบสองที่สุดระยะของลาดขึ้นนั้นมีเพิ่งหมาแงนปลูกอยู่ใต้ต้นตะเคียนหยัก ทหารเหลาสองคนอาก้าครบมือทําหน้าที่ประจําจุดตรวจเป็นธรรมดาอยู่ดีที่มันต้องสนใจกับขบวนแห่แคล ى, ที่กําลังจะผ่านหน้ามันไปเรื่องเหล่าก็เหมือนกับจุดตรวจที่แล้ววันนั้นเป็นผลงานของจีนฮอขบวนแห่แคลเคลื่อนที่ต่อไปอย่างไม่เร่งรีบนักจ่ายยุทธพงกับไอเล็กรัดล้อนในป่าอ้อมออกเตรียมตลบหลังไอายามจุดตรวจสองคนนั้นพี่กลับระเบิดจ่ายยุทธพงชาววาบที่ใส่สันหลังเมื่อได้ยินคําเตือนจากไอเล็ก คิดไม่ถึงว่าจุดตรวจจุดนี้ต้องมีกับระเบิดวางป้องกันไว้ด้วยการปฏิบัติหลังคําเตือนก็คือต้องหยุดเท้าทันทีหันหน้ามามองที่เอเะไรเพื่อจะถามว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วจึงกว่าสายตาตรวจไปตามที่เอเะไรเข็มทันทีหูสะดุดวะไม่ใช่กับระเบิดหรอกปลดเลยไหมพี่เป็นธรรมดาอยู่ดีสําหรับชุดปฏิบัติการที่ต้องเคลื่อนทีผ่านเส้นทางนี้ใครพบคนนั้นควรแก้ปัญหา ขอเรื่องอย่างนี้ไม่เหมาะจะบอกให้คนอื่นไปแก่ถึงอธิบายละเอียดแค่ไหนคนอื่นก็ไม่เข้าใจดีเท่ากับคนที่ได้พบเห็นด้วยตาตัวเองดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของจ่ายุทธพงศ์ที่อยู่ไกลอยู่แล้วต้องทำการแก้ไขสายตามองกลาดไปทั้งขวาและซ้ายเพื่อหาจุดที่ตั้งที่แน่นอนของมันกระทังรู้ว่าด้านไหนเป็นปลายรวดสะดุดด้านไหนเป็นตัวพลุสัญญาณ จ่ายุทธภงที่มีตำแหน่งหัวหน้าส่วนทำลายของชุดปฏิบัติการอยู่แล้วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถอ่านระบบการทำงานของพลุสดุดชนิดนั้นได้จัดการถอดสลักแล้วปลดมันออกจากที่ตั้งเท่านี้ก็ไม่มีพลุสดุดอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นอีกแล้วทั้งสองคนลุกคืบหน้าต่อไปทันทีกระทั้งวกอ้อมมาอยู่ทางด้านหลังของเพิ่หมาแงนได้เป็นผลสำเร็จจัดการวิทยุให้หัวหน้าชุดทราบโอเคพี่มันอยู่ทั้งสองคนมีเพืงหมาแงนเป็นที่พักโอเคคอย ตาดาวเหนือรับทราบข่าววิทยุจะชุดรตัตเวนหน้านั้นแล้วสั่งให้คอยก่อนสําหรับการปฏิบัติขั้นต่อไปตัวแกเองล้วงแผ่นที่ออกมาจากซอกอกด้วยความสงสัยในบางสิ่งบางอย่างกลมกลมเงยเงยอีกครั้งทงั้งๆที่ไม่ได้เห็นอะไรเลยในภูมิประเทศนอกจากต้นไม้ขนาดลําต้นกว่าสองคนโอบ ก, ก่อนจะหันไปทางสองสาวมู่เซอร์ดามอีกครั้งจะลาจะพือที่นี่พูอะไรภูสามอ๋อยที่นี่เคยมีจีนฮออยู่เยอะเลยแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ข้าไม่รู้ เจ้าเคยมาที่นี่ไหมข้าไม่เคยแต่พ่อกับพี่ข้าเคยมาเจ้ารู้ไหมว่าเส้นทางที่เราเดินไปนี่ไปสุดที่ไหนพ่อข้าเคยบอกว่าเส้นทางเนี้ไปสุดที่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเราจะเดินลึกเข้าไปในประเทศจีนได้ใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นจะกภูซ้ำอ่อยนี้จากดาวเหนือเมมริมสีปากจนเป็นเส้นตรงเผอ่อดินสอไขแท่งนั้นเข้าปากแล้วกัดมันจนขาดเป็นสองท่อน นั่นเป็นอาการที่แกกำลังใช้ความคิดอย่างหนักตัวเองกำลังรวบรวมสติที่จะค้นหาร่างสังหรณ์ให้ปรากฏออกมาในความรู้สึกแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววอะไรในความที่ไหลกังวลเป็นเวลาหลายๆวันนั้นมักไม่ค่อยปรากฏสิ่งผิดปกติในประสาทส่วนที่ห้าเลยแต่คราวใดที่สถานการณ์ตึงเครียดกับมักสะท้อนให้รู้สึกเสมอจากดาวเหนือสะบัดหน้าสองามครั้งเรียสติสัมปชัญญะให้กลับคืนมาพร้อมกับความคิดที่น่าสงสัยในตอนนี้ก็คือ จีนฮอเคยใช้ที่นี่เป็นฐานสําหรับการออกสร้างอิทธิพลในพื้นที่ดังนั้นที่ตรงนี้มันน่าจะมีเชยภูมิที่ดีที่เหมาะสมทางการพักผ่อนการพลางการตั้งรับหรือเข้าตีเมื่อจําเป็นจากจุดนี้ใช้เวลาเพียงวันเดียวสามารถเดินทางเข้าสู่แผ่นดินจีนได้สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งบอกเหตุได้ว่ามันควรจะเป็นอะไรสักอย่างความคิดกลับมาที่ยามจุดตรวจสองคนนี้ครั้งเขาไม่ควรจะปล่อยมันไว้ ไม่มันนั่นแหละที่จะเป็นภัยในภายหลังทามันคิดจะตรบหลังพวกเขาดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟ ต, ต้นลมจึงสร้างการทันทีหยุดขบวนแห่ผีหัวขาดไปไกลอย่างลงหุบหายไปแล้วพี่ฮะลงหุบหมายความว่าไงว่าข้างหน้าเป็นหุบเหรอครับพี่ข้างหน้าเป็นหุบก้นกระทะกว้างร้อยสองกิโลเห็นจะได้นะพี่ลักษณะก้นหุบล่ะเป็นป่าทึบมากเลยรู้สึกจะทึบที่สุดเท่าที่เราเคยผ่านมาเลยละพี่โอเคนั่นแหละค่ายฝึกของมาละ จริงไม่จริงเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องไร่สองตัวที่จุดตรวจนี่แหละพี่เก็บมาใช่หรือเ่าเอาไว้ทําไมมีทางไหมสบายมากพี่ขอเวลายี่สิบนาทีเคยบอกเราว่าเรื่องแบบนี้จ่ายุทธพงศ์ไม่เคยปฏิเสธหรือมีข้อแม้คําใดไม่ว่ายากหรือไม่ยากทําดังนั้นจึงรับสนองอย่างทันทีทันใดระวังเรื่องเสียงปืนให้มากที่สุดนะไม่งั้นมันแห่กันมาทั้งกองทัพแน่เชื่อมือนะพี่เงินเก็บเงียบที่นักดาดับจ้างได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนัก เมื่อครั้งทํางานเป็นนักล่าสังหารในประเทศถ่ายเขตอีสานนั้นทุกคนต่างถนัดกันทางซีนคราวนี้มือสังหารที่จะทําการเก็บเงียบทั้งสองคนตกลงใจจะใช้สลิงอ่อนเป็นเครื่องมือลวดสลิงที่มีขนาดโตพอๆกับตะปู2นิ้วที่อ่อนตัวไหวไปมาได้ราวกับเชือกแต่ความเหนียวกับมากกว่าหลายร้อยเท่าที่ปลายทั้งสองข้างมีที่จับกระชับมือตามความต้องการของคนใช้โดยความยาวประมาณ70เซนติเมตร ทางนี้ยาวมากยาวน้อยก็ตามถนัดของคนใช้เช่นกันปืนที่ประจำกายถูกซุกซ่อนเอาไว้ก่อนโบวีที่ติดเอวไม่มีปัญหาปล่อยไว้ของติดตัวต้องระวังเรื่องเสียงขณะเจ้าของเคลื่อนที่เพิ่งมาเงียนที่ใช้กันแดดกันน้ําค้างหลังนั้นชายคาด้านหลังย้อยต่ำลงจนบางการมองเห็นถึงเป็นช่องทางที่มือสังหารเจ้าแฝงตัวกําบังเข้าไปได้เพียงแค่29เท่านั้น ทั้งสองมายืมซุ้มอยู่ที่ชายคาเพิงทางด้านต่ําเสียงทหารลาวดวงขาสองคนคุยกันมาดังให้ได้ยินอย่างชัดเจนจากเรื่องการตายของพวกมันด้วยฝีมือจีนฮอเมื่อคุยกันจบหรืออาจจะเป็นเรื่องตายที่ไม่ค่อยจะมันในการคุยเลยเปลี่ยนมาเป็นคุยเรื่องผู้หญิงแทนคราวนี้ถึงกับหัวเราลั่นด้วยความทุกอกถูกใจเสียงขยับตัวบนพื้นฟากไม้ไผ่ดังเอี๊ยดอาตลอดเวลา มือสังหารแอบยืนหน้าไปตรวจสภาพเห็นว่าอากายังนอนสงบราบอยู่อีกทางหนึ่งที่มันนอนคุยกันทั้งสองย่อตัวให้ต่ำเด้หน่อยแล้วก้าวต่อไปทั้งปลายเท้าเพียงสามก้าวก็มายืนอยู่ค้ำหัวเยือกสังหารยังอาหังกาจ่ายยุทธพง์เงยหน้าขึ้นมองเพื่อนร่วมทีมพยักหน้าเป็นสัญญาณเริ่มแล้วมาจุดลาดทั้งสองก็ปรากฏกายให้เห็นทหารราวสองคนนั้นมีอาการตกใจสุดขีดเมื่อคนไม่รู้จักโพน้ามาให้เห็นแวบแรกของสติบอกให้มันรู้ว่า นี่คือศัตรทูที่พร้อมจเจ้าชีวิตมันปากต้องอ้าขางขณะที่ยันกายเตรียมจะลุกขึ้นพลังสลิงอ่อนที่จับแบบควยมือกระโ s มครอบหัวลงมาที่คอยังเหมาะเหม่งมือสังหารออกแรงดึงสลิงอ่อนทําให้ท่าจะคว่ยมือนั้นกลับมาอยู่ในท่าทางปกติที่สามารถออกแรงดึงได้อย่างถนัดถนีความรุนแรงทําให้สลิงที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักฝังเข้าไปในเนื้อที่ลำคอจนมิดเยือสังหารใช้มือกุมและกำที่คอ หวังผ่อนคลายแรงรัดปากที่อ้าตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อจะร้องยังอ้าค้างอยู่อย่างนั้นไม่มีเสียงได้รุดจากลําคอแม้แต่คำเดียวเวลาผ่านไปที่ต้องตกอยู่ในสภาพก่อนตายล่างเหยื่อสังหารเริ่มดินดินแล้วก็ดินเป็นการดินเพื่อให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดและเป็นการดินเพื่อช่วยในการหายใจกําลังแรงมีเท่าใดดูเหมือนจะใช้จนหมดล่างของมือสังหารที่ใหญ่โตกว่าเกือบเท่าตัวแทบจะทานแรงดินไม่ไหว ฝากไม้ไผ่ที่ปูพื้นต้องกระเด็นขึ้นมาหลังคาด้านหลังที่ต่ำกว่าโดนเท้าที่เหวี่ยงไปสเปรสะบักและจุยกระจายยาแฝกใช้ทําผนังปริววอนมือสังหารยังไม่ยอมผ่อนคลายความแรงที่ดึงสลิงนั้นในขณะเดียวกันกลับออกแรงเพิ่มขึ้นอีกจากท่าที่ประชิด ต, ตัวธรรมดากลายเป็นท่านั่งขี่คล่อมแผ่นหลังโดยน้าหนักทั้งตัวที่โถมลงไปเราออกแรงตลอดเวลาดึงแขนลังสลิงอ่อนจนตัวเองแอนหลัง เป็นเหตุให้เหยื่อสังหารต้องหงายหลังตามแรงดึงนั้นขึ้นมาเหยื่อสังหารดวงตกใบหน้าเริ่มดำคล้ำพอเลือดที่คลังเลือดเริ่มทะลักออกมาเกือบจะเต็มปากดวงตาโปนจนแทบถลนออกมานอกเบลาเบิงกวา้างจนมองเห็นเส้นเลือดที่บวมเป่งจวนเกล็นจะแตกการหายใจ ข, ขัดขัดแรงขึ้นเหมือนอากาศกําลังจะหมดไปจากผิวโลกแรงเริ่มอ่อนสแสดงว่าวาระสุดท้ายกําลังจะมาถึงไอสัตว์นี่แข็งแรงจริงๆ จ, จายยุทธพง์สะบดออกมา มาแข่งให้แข่งซิวะไอ้เล็กที่มีอาการเดียวกันเปลี่ยนท่านั่งคลอมเป็นท่านั่งทับใช้เท้าทั้งสองกดสายสลิงให้ตึงขึ้นอีกเป็นอันว่าไอเล็กต้องใช้ทั้งแรงมือแรงตีนทำการดึงสลิงอ่อนสายนั้นคราวนี้ได้ผลเพราะเยือสังหารทําเสียงครอกครอกในลําคอแล้วปล่อยคอให้อ่อนลงกับผืนมือที่เคยกุมกับปล่อยเท้าหยุดไหวร่งางขงร่างเข้าสู่อาการนิ่งยังดุดสี จ่ายยุทธพง์ปล่อยมือจากสลิงอ่อนเส้นนั้นใช้เท้าเหยียบแขนไว้ด้วยความแรงเท่าๆกันแกาลุกขึ้นยืนเต็มตัวเพื่อที่จะปลดโบวีจากซอกเอวและทันทีที่ได้มาด้วยความชํานาญเพียงกับทิศทางใบมีดเท่านั้นใบหูข้างขวาก็ติดมือมาเท่านั้นยังไม่พอแกยังเอื้อมือส่งโบวีเล่มนั้นไปที่เหยื่อสังหารที่กําลังจะตายในอ้อมอกไอเล็กอีกคนไม่มีการปาดใบมีดซ้ำสองเพราะเชื่อมั่นในความคมซึ่งที่จริงแล้วโบวีเล่มนั้น จ่ายุทธพงศ์กสามารถใช้ปาดหรือโ้นขนนักแข่งได้ด้วยซ้ำวาระ ส, สุดท้ายของเยือสังหารเสร็จสิ้นไปไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่น้อจากร่างทั้งสองจากยุทธพง์ถือโอกาสนั่งอยู่บนแผ่นหลังหลวงวิทยุออกมาเตรียมรายงานผลฮันไปดูเห็นไอ้เล็กต้องหอบอย่างหมาบ้าด้วยความเหนื่อยก็ได้แต่ยิ้มเท่านั้นเองเรียบร้อยร้อยเรียบแล้วพี่บอกเมเ ย, ยอร์คอรลินเมาของช่วยได้ดีมากดีมากงานนี้เงียบดีว่ะใช่พี่เงียบดยีแต่เหนื่อยชิบหาย กำลังทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่ต่อทันทีพันตรีคอรลินชอบใจที่มีข่าวของชมลวยจะดาวเหนือวิทยุสั่งให้ทั้งสองคนเอาศพออกไปจากพื้นที่นั้นเพราะไม่ต้องการให้สาวมูเซอร์ดำเห็นและจะใช้เป็นจุดดักรอเล่นงานไอเวียนยามคนต่อไปที่จะมาเปลี่ยนหรือมาเสริมได้กระทั่งถึงภาพที่ปรากฏแกสายตาท่ามกลางความสลัวของแสงสว่างยามใกล้ค่าสันขาที่ลายล้อมเป็นวงกลมอ้อมหุบขนาดใหญ่ที่เบื้องล่างนั้น ตรงตามรายงานทุกอย่างจะลาจะพือที่นี่เขาเรียกว่าอะไรหุบสามอ่อยตาฟูเยจะลงไปเหรอลงอย่าเลยตาฟูเยในนั้นอันตรายมากมีทั้งจีนห้อมีทั้งสัตว์ป่าดุร้ายจ้าดาวเหนือยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูในความไม่รู้เรื่องรู้ราวของสองสาวนั้นสแสดงว่าการปิดลับและการอำพรางความจริงกระทาได้ดีในเมื่อทุกคนที่ต้องตายด้วยน้ํามือของพวกเขาต่างก็เป็นจีนห้อทั้งนั้นถ้าเราไม่ไปเราจะปราบปรานจีนห้อได้ยังไงเล่า แต่ข้าอยากกลับบ้านน่ะตาฟูเยเซิงนั้นล่ำร้องด้วยความน่าสงสารจากดาวเหนือเองต้องรับหน้าที่ปลอบก็บอกแล้วไงเสร็จงานเดี๋ยวข้าไปส่งแต่ข้ากลัวตายข้ากลัวจีนฮอข้าไม่กล้าไปกับตาฟูเยไม่ต้องกลัวเจ้าอยู่กับข้าข้าคุ้มครองเจ้าได้ข้ารับรองให้ข้าปราบจีนฮอให้ได้เสียก่อนต่อไปจะไม่มีจีนฮอมาลังแกพวกเจ้าอีกเจ้าต้องทําใจให้เก่งเขาไว้เจ้าต้องกล้าหานเข้าใจไหมเข้าใจตาฟูเยคําที่เรียกตาฟูเยนั้น บ่งบอกแล้วว่าจะยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามทุกอย่างตามกระเพณีที่ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษดังนั้นเมื่อออกปากหรือยกให้เป็นอย่างที่เรียกสองสาวจึงต้องเชื่อฟังและทำตามตอนที่23จ่าดาวเหนือตัดสินใจที่จะเลือกเอาจุดตรวจ จุดสุดท้ายที่สันเนินหรือขอบกระทะนั้นเป็นที่ตั้งฐานลอยสำหรับข้าคืนนี้กำลังส่วนหนึ่งออกค้นหากับระเบิดในรัศมี100เมตรแล้วจัดการวางใหม่โดยใช้ของตนเองจากคำรายงานที่มีเข้ามาตลอดระยะนั้นแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าเพียงพื้นที่ไม่กว้างขวางนักสามารถพบแล้กกู้มันมาได้ ก, กว่า10ลูก ปริมาณขนาดนี้น่าจะเรียกว่าดงกับระเบิดเศษด้วยซ้ําไปนับเป็นสิ่งบอกเหตุได้อีกอย่างที่กับระเบิดเหล่านั้นล้วนเป็นของที่ผลิตจากประเทศจีนทั้งสิน้นความเกี่ยวพันระหว่างทหารลาวกับทหารจีนในภารกิจนี้ดูเหมือนจะใกล้ความจริงเข้ามาจากดาวเหนือที่มารอบครอบเสมอในการอ่านแผนของฝ่ายตรงข้ามเขากําลังตั้งคําถามกับตัวเองอยู่ว่าถ้าเขาเป็นพวกนั้นเขาควรจะเลือกที่นี่เป็นค่ายฝึกดีหรือไม่ สายตากลาดมองภูมิประเทศ ร, รอบๆตัวแล้วกว้างเลยไปจนทั่วสันเนินที่เลี้ยวเข้ามาบรรจบกันเหมือนวงกลมกลนหุบที่ลึกลงไปนั้นเป็นพื้นที่ราบเรียบทางเข้าออกทําได้รอบตัวแต่หากมีการดัดแปลงหรือเสริมแต่งบ้างก็อาจจํากัดจํานวนช่องทางเหล่านั้นได้คําว่ามีเส้นทางเดินที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็สามารถทะลุเข้าไปในแผ่นดินจีนได้ขอหนีนับเป็นเรื่องดีมากการห่างไกลจากหมู่บ้านที่ไม่เกี่ยวข้องในระยะที่ต้องเดินทางเป็นวันก็เช่นกัน มันน่าจะมีเหตุผลมากกว่านี้จึงหันไปหาสองสาวอีกพร้อมกับรับไม้เนื้อกวางยางจากมือของสาวจะพือคนน้องเนื้อเรายังเหลืออีกมากไหมยังกินได้อสามวันตาฟูเยจะลงไปหาในหุบนี่ไหมจ า, ดานดาวเหนือไม่ตอบแต่หันไปมองทางทิศนั้นอย่างไม่ตั้งใจพร น, นี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่เขาควรจะรู้จะลาจะพื้ในหุบนี่มีสัตว์มากใช่ไหมเยอะแยะเลยตาฟูเยในนั้นมีแหล่งน้ํำไหมมีเป็นบ่อที่น้ําซึมขึ้นมาจากพื้นดิน บ่อใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากด้วยนะไม่แห้งตลอดทั้งปีเลยเหตุผลที่สําคัญในการประกอบการพิจารณาออกมาแล้วที่ต่างทงางทหารทุกแห่งเรื่องน้ํานับว่าสําคัญมากขาดน้ํำสี่อย่างเดียวความลําบากทั้งหลายจะตามมาสําหรับอาหารนั้นยังสามารถหาจากแหล่งอื่นได้ในหุบนี้มีผีไหมมีป่าทุกแห่งต้นไม้ทุกต้นภูเขาทุกลูกต้องมีผีประจําทั้งนั้นตาฟูเยกวัวผีไหมจะาดาวเหนือแกงป้านเรื่องขึ้นมาถาม เพื่อเป็นการหาเรื่องคุยซึ่งก็ได้ผลเมื่อมูเซรดร์ผู้น้องเป็นคนตอบแล้วยังย้อนถามมาอีกจ่าดาวเหนือคิดไม่ถันว่าควรจะตอบรับหรือปฏิเสธก็เลยได้แต่ยิ้มยิ้มปากเขียวเนื้อย่างไม้นั้นจนหมดแล้วขอไม้ใหม่อีกในขณะที่พันตรีเมลิกันทั้งสองคุยกันด้วยภาษาของตัวเองอย่างเงียบๆจ่าดาวเหนือรู้เรื่องที่เขาคุยกันแต่อีกสองคนนั้นไม่รู้เรื่องด้วยและดูเหมือนทั้งสองสาวชอบที่จะพูดคุยกับคนที่เป็นตาฟูเยเสียมากกว่า คงจะด้วยที่ว่าจ่าดาวเหนือนั้นมักมีอารมณ์ดีเสมอทุกครั้งที่พูดมักพูดแบบปนหัวเราะทำให้คนที่ร่วมคุยโดยไม่หวาดกลัวไม่เคล่งเครียดในขณะเดียวกันกับได้รับความเพิดเพลินกอบกับกิริยาท่าทางที่แสดงออกต่อสองสาวนั้นไม่มีท่าทีเรื่องชู้สาวออกมาเลยอันความจริงแล้วขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแม้จะเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์ภาษาหรือพวกใดก็แล้วแต่ เรื่องที่จะมีความสัมพันธ์ทางใจมักต้องยกไว้ให้เป็นเรื่องต่างหากที่ต้องถือเอาความสมัครใจเป็นหลักการจะใช้กําลังขัดขืนคุ้มคืนไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่ตามมานั้นมันแสนจะปวดร้าวทรมานเหมือนหนามแหลมที่คอยทิ่มแทงใจความรู้สึกจะมีแต่คาว่าเกลียดและสาบแช่งมาบัดนี้แม้เวลาจะผ่านไปแลมวันแลมคืนจากที่รู้จักกันอย่างผิวเผินมาเป็นความคุ้นเคยและทั้งๆที่มีโอกาส แต่คนที่เป็นตาฟูเยไม่เคยกระทําในสิ่งที่ผู้หญิงวาดกลัวนั้นเลยจ่าดาวเหนือเอ็นหลังแบบครึ่งนั่งครึ่งนอนบนแคร่ไม้ไผ่เพิงหมาแงน่นั้นส่วนพันตรีบมริการทั้งสองกำลังลุกออกไปสํารวจพื้นที่รอบๆนั้นและดูเหมือนเขาต้องการจะคุยกับลูกน้องเสียมากกว่าดังนั้นในกระทอมเพิ่องหมาแหนยามมืดค่าจึงเหลือชายหนึ่งยิงสองคุยกันอยู่ตามลําพังตาฟูเยเมื่อยไหมเจล า, าที่เป็นคนพี่ถามขึ้นพร้อมกับเลื่อนตัวเข้ามาใกล้ ทำไมเหรอคนที่ถูกถามไม่ได้มองหน้ากับอัดบุรียังแรงเข้าปอดแล้วพ้นควันเป็นทางยาวลอยขึ้นไปในอากาศมองเห็นควันสลัวสลวรอยอยู่ก่อนที่จะมวนตัวเองเป็นกอนสลายไปตัวแกเองไม่ได้หันมามองด้วยซ้ำไปไม่ใช่สาวคนพี่เพียงคนเดียวที่เลื่อนกายเข้ามาจะผือคนน้องก็ดูจะเลื่อนเข้ามาจนชิดกว่าเสียด้วยซ้ำค้าจะนวดให้ค้าด้วยเจ้านวดเป็นเหรอ เป็นข้าเคยนวดให้ปู่ข้าเวลาแกสูบฝิ่นแกนชอบให้นวดจ่าดาวเหนือโหดร้องหึๆหึในลำคออย่างไรความหมายออกจากทึ่งในความไร้เดียงสานั้นใจไม่ได้คิดเลยว่านี่เขากำลังจะเจอม่านยาหญิงจึงตอบไปแบบจริงใจไม่ต้องหรอกจะาจะพือข้าเดินมาจนชินแล้วข้าไม่เมื่อยหรอกขอบใจมากตามใจตาฟูเยงั้นตาฟูเยคุยอะไรข้าสองคนฟังบ้างสิหึมคุยอะไรข้ะคุณไม่เก่งหรอก ถ้าสองคนอยากฟังเรื่องทางบ้านเมืองของตาฟูเยบ้างเน่ะจ่าดาวเหนือหลบสายตาทันทีความรู้สึกของสองสาวนั้นคิดว่าเขาเป็นคนลาวที่เกิดและอยู่ในแผ่นดินลาวงานที่เขาทําอยู่นี้เขาคือเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศลาวที่ออกมาปราบปรามพวกจีนฮอจ่าดาวเหนือไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ใครฟังได้ในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ในตอนนี้ขบคิดปัญหาเรื่องภารกิจของตอนเสียมากกว่า แต่ขันจะปฏิเสธเเลยทีเดียวก็ดูไม่สมควรจึงต้องหาทางหลีกเลี่ยงข้าเราไม่ไหวลอกเรื่องมันเยอะเอานี้สิถ้าเจ้าสองคนอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวข้าพาไปดูเองไปไหมล่ะไปไปทั้งสองคนรับปากพร้อมกันด้วยความเต็มใจจะผือคนน้องดูจะมีอาการแสดงออกจนนอกนาความยินดีและดีใจจนถึงกับคว้า ม, มือของตาฟูเยเอาไปแนบอกเหมือนกับจะบอกว่าอย่าโกหกนะตามท่าทางของเด็กเล็ก จาดาวเหนือต้องดึงมือกลับมาเขาไม่ชอบสิ่งที่มาสัมผัสกำลังมือในตอนนั้นเอาเสียเลยเราเสีแสงว่ากําลังดูเวลาที่นาฬิกาพอดีเหลือเกินที่พันเอกนอม์แมนเป็นใจเมื่อเสียงเครื่องบินแว่วมาให้ได้ยินจึงคว้าวิทยุขึ้นมาแล้วกดขี่แจ้งที่อยู่อัตโนมัติให้บนท้องฟ้าทราบตรวจสอบสัญญาณกันเรียบร้อยจึงเริ่มส่งข่าวสบายดีเะนอโนสตาผมไม่รู้จักความสบายหรอกซันไลท์ก็เลยตอบข้อนี้ไม่ได้อ่ะ เอา้างั้นก็ตามใจคุณวันนี้มีข่าวอะไรไหมมีสิเรื่องสําคัญมากด้วยโอเคว่ามาเลยวันนี้พวกมันมากันอีกสิบสองคนทหารลาวหกทหารจีนหกมันออกตามหาพวกมันที่หายไปนะ่ะวันนี้มันมาพบก็เลยเอาศพของพวกมันนนั้นกลับไปผมเลือกโ อ, อกาสแกะรอยตามมาระหว่างทางเจอจุดตรวจเข้ามาสองจุดมีทหารลาวประจําอยู่จุดละสองคนผมเลือกโ อ, อกาสเล่นเกมแล้วก็จัดการมันซะสองจุดก็รวมสี่คนโอ้โห คุณ น, นี่ยังยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะนอสตา์อ้าวแล้วตอนที่คุณเข้าไปสังหารมนะันอะผู้สิบสองคนไม่รู้เรื่องเลยหรือไงก็ใครจะไปทําหรือโง่ๆเราผมก็ใช้วิธีเก็บเงียบสิเสียงพันเอกนอร์แมนเป่าลมออกจากปากดังมาให้ได้ยินทางวิทยุเพราะเข้าใจสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเขารู้อย่างแจ่มชัดว่าชุดปฏิบัติการพิเศษชุดนี้ล้วนมีขีดความสามารถชนิดที่ชุดปฏิบัติการอื่นๆทั่วไปมักทําไม่ได้โอเคว่าต่อไปเลย ก็พื้นที่ที่ผมอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นหุบที่ไม่ใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณสองกิโลเมตรเห็นจะได้จากที่ผมสอบถามผู้หญิงดูแล้วว่าจากขุมนี้ใช้เวลาเดินทางเพียงวันเดียวก็สามารถเข้าประเทศตีนได้ผมอยากตรวจสอบเส้นทางนี้หน่อยดูซิว่ามีทางเปินไปได้หรือไม่โอเคพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงคุณต้องได้คําตอบสําหรับทางผมวันนี้ก็มีเท่า น, นี้ล่ะแล้วทางคุณล่ะทางผมก็มีตอนเนี้เราทราบมาว่าพันตรีคําผายวิไลพันธ์ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเราอยู่ในค่ายฝึกแห่งนี้ หัวหน้าค่ายที่แท้จริงอเป็นทหารจีนยศพันตรีชื่อจ่างวันหยงฐานลาวที่กำลังรับการฝึกมีอยู่สองร้อห้าสิคนฐานจีนที่เป็นครูทั้งครูทหารและครูการเมืองยี่บสีคนโดยประมาณและยังมีข่าวมาอีกว่าท้าวสิทธิราชที่เป็นผู้นำนักศึกษาลาวกับพรรพวกจำนวนหกคนก็ไปรับการฝึกอบรมทั้งการเมืองอยู่ที่ค่ายนี้ด้วยแล้วเฮ้ย hey, มันมาได้ไงไวจังกว้วนที่ผมออกเดินทางมามันยังเย้ยเย้อยู่ในเวียงจันทร์อยู่เลยนี่น่ะมันเดินไวจนซางผมไปได้ไง มันไม่ได้เดินเท้าหรอกนอสตามีหอลิกลับไม่ปรากฏสัญชาติมารับพวกเขาที่ภูเขาควายนะเข้าใจหรื อ, อยังโอเคไอซี่ okay, น่าว่ามันยอดมากนะก็ดีที่มันไปรวมกันอยู่ที่เดียวกันงานนี้จะได้ ส, สังให้เสร็จไปพร้อมกันทีเดียวเลยนี่แหละที่ผมต้องการแหละนอสตาคุณต้องการงานเพิ่มเงินไม่เพิ่มหรือไงไม่ต้องห่วงนะนอสตาผมเข้าใจดีรับรองเรื่องงานคราวนี้คุณมีทิปยังจุใจเลยทีเดียว ทางงันก็ค่อยลื่นหูหน่อยแล้วข่าวที่ว่าทางจีนน่ะจัดอาวุธยุโทโธปรกรณ์ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนทางเราที่คุณว่าไวนะ้น่ะตอนนี้ข่าวคืบหน้าไปไหนละการประมาณการเรื่องอาวุธของศัตรูนั้นนับเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องรู้เอาไว้พวกข่าวนั้นเป็นเรื่องของการสนับสนุนแก้ไขฝึกแห่งนี้ก็จริงปริมาณอาวุธกระสุนที่มากจะสามารถเป็นตัวชี้ให้เห็นความยากง่ายในกา ร, รเผด็จศึกที่ต้องการเอาชนะจึงต้องสอบถามเรื่องนี้ครั้งโอเค เรื่องนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนนะว่าเป็นอาวุธที่จะส่งมาค่ายฝึกแห่งนี้แต่เรากําลังติดตามอยู่ว่าตอนเนี้ยของเรานั้นไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละครับขอบคุณมากผมต้องการรู้เรื่องนี้โดยเร็วนะคุณช่วยหน่อยก็แล้วกันเฮนอสตาแล้วผู้หญิงสองคนของผมละเฮ้ hey, คุณเป็นเจ้าของเขาตั้งแต่เมื่อไหรนะ่น่ะเอานะคุณดูแลใหผมด้วยก็แล้วกันว่าแต่คุณในใการเรียบร้อยหรือ ย, ยังเชื่อผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ ผมว่าคุณเน่ะเก็ตบกได้แล้วแล้วก็อย่าลืมถ้าไม่จำเป็นอ่ะอย่าบินไปเข้าใกล้เป้าหมาของผมเป็นานขาดไม่งั้นฐานผมเสียหายหมดโอเคงั้นผม ก, กลับไก็แล้วกันพบกันพรุ่งนี้ทั้งสองระงับวิทยุไปแต่จ่าดาวเหนือ ย, ยังต้องคบคิดอีกว่าพันเอกนอร์แมนต้องการสาวมูเซอร์ดำสองคนนี้ไปทำไมในเมื่อแกเองก็ไม่เห็นจะยุ่งกับผู้หญิง ในขณะที่ตนมาปฏิบัติการเลยนอกจากสาวชาติเดียวกันที่บินมาจากสหรัฐอะเมริกาเพื่อมาส่งสวยหรือหาลำไพ่พิเศษเสริมอาชีพก็อาจจะมีบ้างทั้งนี้ก็อาจจะนับเป็นการเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนพันเอกนอร์แมนนั้นต่างกับอเมริกันอื่นๆที่ไม่นิยมเมียเช่าแล้วแกจะเอาหญิงสาสวสองคนนี้ไปทําไมรวมทั้งการที่แกต้องคอยย้ำเตือนสอบถามข่าวคราวเสมอๆ น, นั้นมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเป็นแน่ ตอนที่ยีบสีพันตรีเมริการสองคนกลับเข้ามาพอดีจากดาวเหนือไม่ต้องอธิบายว่าได้ติดต่อส่งข่าวอะไรกันบ้างเพราะทั้งสองคนสามารถที่จะเปิดวิทยุของตัวเองรับฟังได้อยู่แล้วคุณจะเริ่างานนี้ยังไงนอสตาคนที่ถูกถามหัวร้อนในลําคอแต่แทนที่จะตอบกลับถามย้อนไปเมเยอร์ทําไมที่นี่กลับระเบิดมาถึงมากมายจังล่ะก็นั่นน่ะสินี่ก็เป็นคําถามที่ผมอยากถามคุณอยู่เหมือนกันนะเป็นอันว่าคนถามยังไม่ได้คําตอบอยู่ดี สมมตินะสมมติที่เนี่ยเป็นค่ายฝึกของมันจริงเราจะใช้กำลังคนสักเท่าไหร่ใช้อาวุธหนักเบาอะไรสักเท่าไหร่เราต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ถึงจะยึดมันได้คราวนี้พันตรีทั้งสองถึงกับต้องกุ่มขมับสายตาที่มองกลาดไปทั่วพื้นที่หุบที่เห็นเป็นสีดำสนิทในความมืด B52 ปูพรมเลยเป็นไงเราก็ตายด้วยสิครับเราก็ถอยห่หางออกไปก่อนสิเราค่อยกลับเข้ามาใหม่ เราก็ต้องถอยห่างอย่างน้อยสิบกิโลเดินออกไปใช้เวลาหนึ่งวันเดินกลับเข้ามาอีกหนึ่งวันพอดีมันสร้างค่ายใหม่เราไม่ต้องให้บีหสบสองมาปูพรมใหม่ถอยไปใหม่วนอยู่อย่างนี้เหรออืมมันก็จริงอย่างคุณว่านะว้าวผมนี่โง่ชะมัดเลยจ่าดาวเหนือไม่ตอบอะไรเพราะไม่มีอารมณ์ตลกด้วยเมื่อแกคิดว่าแกงโงก็ปล่อยให้แกงโง่ของแกไปคนเดียวเพราะบางทีแกก็น่าจะทําอะไรในสิ่งที่เรียกว่างโง่อย่างเช่นคราวนี้ได้บ่อยๆอยู่เหมือนกัน ความเงียบเขาปกคลุมบรรยากาศของสามคนนั้นอีกครั้งพอดีมีสัญญาณวิทยุเรียกมาพี่พวกมันมาเป็นเสียงไอวิทมันรับหน้าที่ยามสังเกตการบนเส้นทางที่ลึกเข้าไปในหุบที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นที่ตั้งค่ายฝึกหรือไม่นั้นไอวิทหลําเข้าไปเกือบหนึ่งร้อยเมตรจากเสียงีิสังเกตนั้นเมื่อใช้กล้องส่องกลางคืนตรวจดูจึงพบรายละเอียดสิคอยก่อนพี่ เรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนต้องรู้ว่าตนจะต้องรับฟังข่าวนี้ทางวิทยุพร้อมกับหุ่หน้าชุดไปเลยการรับฟังนั้นเป็นการรับฟังเพียงอย่างเดียวหากจะไม่มีการเรียกไม่พูดเป็นอันขาดเรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าตนจะต้องรับฟังข่าวนี้ทางวิทยุพร้อมกับหุ่หน้าชุดไปเลยการรับฟังนั้นเป็นการรับฟังเพียงอย่างเดียวหากจะไม่มีการเรียกไม่มีการพูดเป็นอันขาดเพื่อป้องกันความสับสนการที่วิทย์รายงานว่าคอยนั้นแสดงว่าเป้าหมายยังอยู่ไกล แต่การที่มันสามารถล่วงรลุตั้งแต่ระยะไกลนั่นคือขีดความสามารถของมันเองทั้งหมดสี่คนนะพี่อาก้าครบเดินมาตามสบายมาตามเส้นทางที่มันไปเมื่อเย็นคาดว่าวมันต้องมาที่นี่แนะ่ระยะห่าง 3-400 สี่รอเมตรครับพี่จ่าดาวเหนืออ่านแผนออกทันทีแล้วอธิบายให้ลูกน้องรู้เอาล่ะรู้แล้วแต่ว่าให้ฟังไอ้สี่คนเนี้มันเป็นชุดเสริมจุดตรวจสาหรับเวลากลางคืนวันนี้มันมาช้าไปหน่อย พร้อมมัวแต่วุ่นวายกับศพผู้มันหกศพนั้นร้อยสองคนที่เราจัดการไปก่อนแล้วนั้นปกติมันจะถอนตัวมาสมทบกับพวกที่นี่เหมือนกันงานนี้ผ่านไม่ได้อย่างเด็ดขาดเกมที่เริ่มมาตั้งแต่ไอ้หกคนแรกนั้นต้องดําเนินต่อไปหาไม่แล้วพวกชุดปฏิบัติการจะอยู่ไม่ติดการถูกลาจะเกิดขึ้นชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียด้วยสําหรับที่จะคิดว่าเป็นการแยกระให้งูตื่นนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจากดาวเหนือจึงสั่งการทันทีเมเจอร์เรามีเพื่อนมาเยี่ยมสี่คนคุณต้องการม โอเคนตาผมต้องการเอาละยุดเล็กเมเจอร์ไปด้วยกันนะไอวิทย์อีกคนงานนี้5้าคนถ้าเก็บมันไม่ได้เวลาหมาแก่ตายซะเก็บเงียบหรือเก็บดังพี่ดังให้แม่มันดังสิว่ามันคงไม่ได้ยินหรอกนะไงๆก็เอาชนิดที่มันร้องไม่ดังนะั่นแหละดีแล้วงั้นเล่นปากมันเลยแล้วกันพี่แต่เรื่องของมึงปกติมันก็ฉลาดอยู่แล้วนี่หว่าเปี๊ยกไอเปีย ก, ยกหัวลอแห่เมื่อถูกยับอย่างนั้น ทั้งสองคนที่รับงานลุกออกจากที่ทันทีเตรียมที่จะพบกับพันตรีมรการทั้งสองผู้กระหายเลือดที่ริมฐานรอยนั้นระยะทางของฝ่ายมือสังหารกับระยะทางของเยื่อสังหารถึงพื้นที่สังหารเป็นแบบสามตอนหนึ่งซึ่งพอเพียงที่ฝ่ายมือสังหารจะเข้าถึงที่เราเตรียมการวางตัวได้ก่อนงานนี้วิทเป็นตัวอะไรในขณะที่สี่คนนั้นเป็นตัวหลัก M16 XM1 ที่ติดกองสองเวลากลางคืนและย่นระยะด้วยแรงขยายสิบหกเท่านั้น บัดนี้เปิดสวิตช์พร้อมแล้วเสียงเครื่องกลไกาภายในดังเบาๆด้วยพลังแบตเตอรี่แห้งชนิดพิเศษที่ออกแบบสร้างมาโดยเฉพาะจอภาพสีม่วงจางๆช่วยให้เห็นสรรพสิ่งเป็นรูปสันธานที่สามารถบอกได้ว่านั่นคือต้นไม้นั่นคือก้อนหินนั่นคือเนินดินและนั่นคือคนหมอบหรือคนเดินกกะบะกับมาตราวัดระยะที่ใชในการกะ ร, ระยะเป้าหมายได้สะท้อนแสงเรืองเหมือนลอยอยู่บนอากาศ ภาพที่ปรากฏระยะ80เมตรนั้นคือร่างของคนสี่คนกำลังเดินระยะต่อที่ตามกันมาสมถึง4ี่ก้าวไอ้คนนำเงยหน้ามองทางส่วนอีกสามคนหลังก้มหน้าบางหันหน้าออกบางเสียงคุยกันชัดจะดังเข้ามาทุกทีราะความคุ้นเคยกับสถานที่และมีแต่ความปลอดภัยมานานทำให้ทั้งสี่คนนั้นไม่ค่อยระวังในเรื่องที่ควรระวังความจริงที่เคยรู้อยู่แล้วก็คือ ทาหารลาวนั้นมักไม่ค่อยมีวินัยไม่ว่าจะเป็นในที่ตั้งปกติหรือในสนามรบและที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือประจักษ์พยานอีกห้าสิบก้าจะถึงจุดตายสำหรับทั้งสี่คนนี้ที่จ่ายุทธพง์ผู้ที่จะเป็นคนเริ่มสัญญาณเมื่อสังหารทั้งห้าใช้รูปหน้ากระดานวางตัวคว้างทางเดินเอาดือด้องานนี้กะชนเต็มทีไม่มีการซ้าสองเป็นอันขาดทุกคนต่างตั้งใจว่าขอใช้กระสุนเพียงหนึ่งนัดเท่านั้น ทางนี้ด้วยการเอาศักสีฝีมือมาเป็นประกันเหยื่อสังหารที่เดินตามกันมาห่างๆทาให้เกิดช่องว่างระหว่างบุคคลสําหรับการมองจากตรงหน้าเหยื่อรายนําหน้าเป็นของไอเล็กที่วางตัวอยู่สายสุดเหยื่อรายรองลงมาเป็นของพันตรีคอรินเหยื่อรายที่สามเป็นของพันตรีโรเจอร์และรายสุดท้ายเป็นของจ่ายยุทธพงษ์เองไอวิทย์ที่ทําหน้าที่อะไรต้องใส่ปืนไปมาระหว่างคนแรกถึงคนสุดท้ายหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเขานั่นแหละจะต้องเป็นคนซ้ํา จาก59เข้ามาที่40แล้วก็30ที่มือสังหารยังใจเย็นพอที่จะหล่อได้เย็นไว้พวกเราอีกนิดนึงบัตรนี้ M16 x m a 1ที่พาดกับต้นไม้สำหรับการเล็งประณนีตมีอาการนิ่งกลราวกับยึดตรึงให้ติดกับหลักผลยิงที่ประคองการลมหายใจกับนิ้วที่พร้อมจะกดลงบนแผ่นไกเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนที่ต้องตั้งใจแบบนี้เขายังหายใจอยู่หรือไม่จิตใจและความรู้สึกทั้งหมด เพ่งไปยังจุดรวมของเป้าหมายที่เลือกไว้ไม่มีความคิดอื่นใดเข้ามาปะปนแม้แต่น้อยและระยะเป้าหมายที่เข้ามาจนคิดว่าไม่เกิน1ิก้าแน่ยิ่งจ่ายยุทธพงษ์สั่งไม่ดังนักเพราะถ้าสั่งดังเกินไปอาจไปกระทบกระเทือนภาดศูนย์พอดีของต้นได้อ๋ออ๋อออเสียงปืนทั้ง4ี่กระบอกดังขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันด้วยความเบา จนคิดว่าระยะเวลาที่ห่างกันนั้นไม่มีนาฬิกาชนิดใดในโลกสามารถแยกเวลาห่างกันออกมาได้เสียงร้องที่ไม่ดังนักออกมาเพียงสามเสียงเมื่อกระสุนเจาะเข้าที่ปากของมันพอดิบพอดีจากยุทธพง์ที่เลือกเอากรามข้างขวาของเยื่อสังหารเป็นจุดแหล่งผลก็คือฤิ์เด็ดของกระสุนแบบพัวระเบิดนั้นแบ่งแยกกรามมันออกจากล่างไม่มีโอกาสได้ใช้ริมฝีปากแคกปากร้องได้ก่อนเลยไม่มีการซ้ำจริงๆสําหรับงานนี้เยื่อสังหารลม้มลงกองกับพื้นณนะจุดที่มันโดนกระสุนนั่นเอง ความช่างคุยของมันก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะมาสั่งเสียหรือสอบถามกันด้วยซ้ําอาการในมือค่อยๆหลุดลงไปกองราบกับเพื้นเท่ากับร่างของคนที่เป็นเจ้าของตามลงไปทีหลังเสี ย, ย์ได้วาไม่ได้ยิงเลยกูเห็นก่อนแทๆ้ๆไอวิทย์เป็นคนบ่นเสียดายแล้วนั่งเอามือกอดเข่าปรงอันนี้จังเอานะาอยู่เพิ่งเสียดายไปเลยมึงอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันมาอีกกูยกให้มึงหมดเลยไปยสิพี่เมเจอร์ไปเอาของชุด้วยกันจ่ายยุทธพงศ์ไม่สนใจคําร้องของไอวิทย์ เดินตามไอ้เล็กที่ลุกไปก่อนเพื่อจัดการเรื่องศพอาก้ากระบอกนั้นถูกดำเนินการสลายอำนาจศพที่เละทั้งใบหน้าแถมหูแหวงทั้งสองข้างถูกลากเข้าไปซ่อนในซุ้มไม้ใหญ่ข้างทางอย่างมิดชิดจ่ายยุทธพงศ์กับพันตรีโรเจอร์ต้องช่วยกันเคลียร์พื้นที่ตอนนั้นโดยเฉพาะรอยเลือดจะต้องไม่ให้เห็นคราวนี้สองสาวได้ยินเสียงร้องของคนจึงเป็นหน้าที่ของจ่าดาวเหนือที่ต้องบอกว่า คนของเขาเจอกับพวกจีนห่ออีกแล้วที่กำลังจะเข้ามาที่นี่เลยต้องฆ่าพวกมันเสียก่อนบอกกล่าวอะไรต่อมีอะไรไม่มากนักจ่าดาวเหนือก็เอ็นตัวลงนอนไม่สนใจว่าพันตรีเมริกันทั้งสองนั้นจะนอนหรือไม่นอนตรงไหนสาวจาราที่ออกจะ ก, กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าสาวจะผือผู้น้องจ้องมองการกระทำของพันตรีคอรินอย่างไม่วางตาในความมืดนั้นนั่งเห็นชิ้นส่วนบางอย่างที่พันตรีเมริกันคนนั้นกำลังยัดลงหอ่อแล้วปิดใส่ในกระเป๋าข้างขากางเกง่ง นางไม่รู้หรอกว่านั่นคือชิ้นส่วนของคนระดูเหมือนพันตรีคอรินก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะถูกมองอย่างไรจัดการเสร็จก็เอนตัวลงนอนมาทางด้านปลายตีนของจ่าดาวเหนือนั้นจนพันตรีโรเจอร์คิดว่าที่นอนมันออกจะคับแคบไปก็เลยลงไปนอนกับพื้นดินที่หน้าเพิงหมางเงีนนั่นเองสองสาวมูเซ่ดำรู้สึกนอนไม่หลับภาพการตายของคนที่นางคิดว่าเป็นจีนฮอกาลังหลอนอยู่ในประสาท ความที่เคยได้ยินกิตติศัพท์ความร้ายกาจของจีนฮอกับภาพของคนที่ตกเป็นเหยื่อของมันย้อนกลับเข้ามาในสํานึกสองสาวที่นอนกระนาบสองข้างจากดาวเหนือมีอาการกระสับกระส่ายจนคนที่นอนโดยต้องตื่นขึ้นมาเป็นอะไรจะล้าจะพือนข้ากลัวข้าก็กลัวสองคนตอบอย่างเดียวกันจากดาวเหนือต้องเอื้อมมือมารูปหัวเป็นการให้กําลังใจข้หลับซีจะได้ไม่ต้องกลัวข้าเห็นพ่อเห็นพี่ข้ามาหา เอาล่ะสิความยุงยากเริ่มส่อเขาอีกแล้วชาวเขาทุกเผ่าเชื่อในเรื่องผีเป็นชีวิตจิตใจผีนั้นมีที่พลสูงมากในด้านขวัญและกำลังใจผีให้ทั้งคุณและโทษสามารถทำเรื่องรลายให้กลายเป็นดีหรือเรื่องดีให้กลายเป็นเรื่องร้ายได้ไม่มีอะไรหรอกเขามายินดีกับเราที่เราแก้แค้นให้เขาได้นะ่ะตาฟูเยจลาคนที่ลุกขึ้นนง่งเรียกชื่อคนที่นางนับถือดุจพระเจ้านั้นออกมาดัง เาฟูเยต้องฆ่าจีนห่อให้หมดเลยนะอย่าให้มันเป็นลังแกคมเหงืใครได้อีกแบบนี้แสดงว่าขวัญและกําลังใจเริ่มจะกลับมาแล้วคําพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและปักใจออกมาจากน้ําเสียงที่เน้นหนักนั้นแน่นอนข้าจะฆ่ามันเองนอนเถอะนะเสร็จงานนี้แล้วข้าจะพาสองคนไปเที่ยวบ้านข้าเจ้าไม่ไปเหรอ นี่เป็นแผนหรือวิธีเบนความสนใจให้ออกจากเรื่องที่กำลังเขย่าวขวัญของสองสาวนั้นให้มาสนใจในสิ่งหนึ่งที่นางก็ให้ความสนใจอยู่ก่อนเหมือนกันนับว่าได้ผลเมื่อสองสาวนั้นยอมจะนอนอย่างสงบกระทั้งเช้าที่ได้เวลาสำหรับการรับส่งข่าวเครื่องบินก็บินมาอย่างเคยตอนที่ยี่สิบห้านอตมีข่าวดีเปลี่ยนเอาอีกแล้วสไล ข่าวดีที่ว่าจะให้ผมกลับใช่ไหมไม่ใช่คืออย่างนี้นะเมื่อคือนเนี่ยเราใช้ดาวเทียมทําการถ่ายภาพด้วยระบบหลังสีนโาเรตตามพื้นที่ที่คุณกําลังปฏิบัติการอยู่นะ่ะจุดหรือหุบที่คุณอยู่น่ะมีดวงไฟไม่ต่ํากว่า20ดวงแสดงมาต้องมีคนอยู่จํานวนไม่น้อยเลยแล้วก็เลยไปทางเหนือที่รอยต่อเขตประเทศเนี่ยเราพบร่องรอยแบบเดียวกันอีกไม่ต่ากว่า4ีหจุดคาดว่าต้องมีคนอยู่แถวนั้นเมื่อมาตรวจสอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วบริเวณนั้นไม่มีหมู่บ้านคน เพราะนั้นจุดที่ไฟพวกนี้อยู่มันต้องเป็นอะไรสักอย่างแนะ่แล้วผมจะไปรู้ได้ไงมันเป็นอะไรแนะ่ไม่เป็นไรที่หุบของคุณนั้นน่ะคุณจะต้องเข้าไปพิสูจน์ทราบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสำหรับที่เขตแดนเดี๋ยวผมส่งเครื่องบินไปตรวจสอบเองพ้อมกับหาเส้นทางที่คุณสั่งมานั่นด้วยไงยังไงยังไงวันนี้ถ้ารู้เรื่องอ่ะคุณก็สอบถามจากเครื่องบินลํานั้นได้เลยโอเคไหมไม่โอเคก็ต้องโอเคล่ะเพราะผมไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่การติดต่อกับบ ก, กและงับวิทยุไปเมื่หมดสิ้นข่าวสารที่ต้องรับส่งกัน ดาวเหนือก็สัญญาเรียกวิทยุถึงลูกน้องทุกคนต่อไปจะเป็นการสั่งการแบบทั้งทีมการที่ไม่ใช้วิธีเรียกทุกคนมารวมแล้วสั่งการนั้นเพราะเห็นว่างานที่สําคัญสุดตอนนี้คือการระวังป้องกัน ร, รอบตัวเองเรื่องแบบนี้ทุกคนมีความรับผิดชอบตามที่มอบหมายหากโมแต่เรียกมาประชุมสั่งการพร้อมกันทั้งหมดมีหวังละลายทั้งชุดแน่กระทั่งทุกคนพร้อมจึงเริ่มสั่งการเอาละพเราฟังให้ดีนะ ที่จุต ร, จตรวจตรงนี้ยปกติสี่คนที่จะมาเสริมเนี่ยมันต้องกลับไปในตอนเช้าแต่เมื่อไม่มีมันกลับไปอีกแล้วก็ยังไม่รู้ข้างในมันจะคิดหรือทําอะไรคิดว่าภายในเย็นวันนี้พวกข้างในคงออกมาติดตามข่าวแน่แม้แต่สองคนที่อยู่จุดนอกนั้นด้วยวันนี้เราออาสำรวจพื้นที่รอบๆผุบเราจะแบ่งกําลังออกเป็นสองชุดออกคนละข้างแล้วมาพบ ก, กันฝั่งตรงข้ามทีนี้ท่านะท่ากูพูดคําว่าท่านะท่าที่นี่เป็นค่ายฝึกของมันจริงที่ขอบกระท้าขูบซามอ๋อย อาจจะต้องมีพวกปืนกลหรือปต อ, อประจำอยู่แล้วก็คงมีชุดระวังป้องกันที่ประจำอยู่ในบังเกอร์ด้วยเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยจะทะลุผ่านหุบซามอ่อยไปออกฝั่งโน้นแล้วเลยไปเขตแดนลาวจีนได้เพราะฉะนั้นคิดว่าบนเส้นทางด้านโน้นคงมีจุดตรวจเหมือนฝั่งนี้ด้วยถึงตรงเนี้ยมีใครจะพูดอะไรไหมจ้าดาวเหนือทิ้งช่วงให้สําหรับคนที่มีความคิดเห็นบ้างปรากฏว่าไม่มีเอาละ่ะงานที่เนี้ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติคาดว่าที่เนี้ยคงไป็นที่ตั้งค่ายฝึกของมันค่อนข้างแน่นอน คอยทุกคนเรามัดระวังให้มากก่อนอื่นเราต้องคิดเสมอว่าเขาก็ลบเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสีมือคู่ต่อสู้เป็นอันขาดอย่าลืมที่เคยบอกอยู่เสมอว่าวีแล้วบุลุษแบบคนที่ตายแล้วมันไม่มีความหมายชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่แท้จริงคนชนะต้องยังไม่ตายเนื่องจากเรามีผู้หญิงติดมาด้วย2คนอันนี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมที่เรารู้กันดีอยู่แล้วผู้หญิง2คนนี้คนจะอยู่ที่นี่กูกัไปพอแล้วก็เมเจอร์โรเจอร์จะประจําอยู่ที่จุดตรวจนี้เองกําลังที่เหลือแบ่งออกเป็น2ชุดชุดออกซ้าย ยุดเล็กมลเชษนกชาตหกคนคงพอนะพวกเรายี่ห้าคนที่เหลือไปกับเมเจอร์คอร์รินออกขวาก็แล้วกันการปฏิบัติสําหรับที่ขอบกระทะถ้าพบที่ตั้งปืนกลหรือปตอของมันจัดการดับศูนย์มันทันทีถ้าทําได้นะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนเมื่อดับศูนย์ปืนกลของปตอมันได้แล้วยังไม่ต้องจัดกําลังเข้ายึดครองเอาคนทั้งหมดลุกหน้าต่อไปกระทั่งรู้รายละเอียดที่ขอบกระทะทั้งหมดค่อยกลับมายึดครองทีหลัง สำหรบเส้นทางฝั่งโน้นจะสั่งการอีกทีเมื่อสำรวจพื้นที่ขอบกระท้เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เครื่องบินกำลังสำรวจเส้นทางนั้นอยู่ก็คงจะรู้เรื่องภายในชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เดี๋ยวเริ่มงานกันได้เลยใครมีปัญหาอะไรไหมในเวลางานนั้นจ่าดาวเหนือเป็นคนที่พูดสั้นที่สุดผิดกับการพูดเล่นที่มักพูดยอกหย่อนสร้างความปวดหัวแก่คนฟังตลอดเวลาคำพูดแบบทีเล่นทีจริงสองแง่สองงามนั้นคนฟังต้องคิดให้ดีไม่งั้นมีหวังเข้าตัว เรื่องทำนองนี้ลูกน้องทุกคนต่างทราบฝึงเป็นอย่างดีเสียงเครื่องบินชนิดหนึ่งที่ไม่หลูยี่หอครางหึ่งฮึ่งอยู่บนอากาศเบื้องสูงเหนือหัวบนความสูงนั้นมันสูงมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านักล่าหลับจางไม่สนใจเมื่อกําลังที่จัดแบ่งเริ่มเคลื่อนที่ยอวอ ก, กันแล้วรูปขบวนทุกจัดตามลักษณะของขบวนเดินทางยุทธวิธีประสบการณ์สอนให้เขาต้องระวังในทุกๆสิ่งทั้งที่เป็นอันตรายแก่ตัวและที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัว ต่อขณะนี้พวกเขาเพรือบเสมือนมาเดินอยู่ที่ปากถ้าเสือแล้วที่กลนหูบเบื้องล่างนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีความตายชนิดใดคอยรับหรือยื่นส่งมาให้ได้บ้างจ้าดาวเหนือที่อัดบุหรี่แบบมวลต่อมวลเมื่อคราวที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักร่างสังหรณ์ที่เกิดในส่วนลึกของความรู้สึกสะท้อนออกมาให้รู้ว่าเวลาแห่งการลังเลือดฉลมดินกําลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเขามองเห็นความตายและได้กลิ่นข่าวเลือดชนิดที่อยู่ข้างกายนี้เอง กับบางครั้งที่ได้ยินเสียงร่ําร้องยั่งหยหวนของคนที่ต้องพบกับความทารุณแสนทรมานการเกินข้ากันของมนุษย์ที่ต่างเพียงความคิดไม่มีการเล่าเว้นไม่มีความเมตตาสงสารจิตใจความเป็นคนไม่มีหลงเหลืออยู่ดั่งกับสัตว์ที่ต้องเอาชีวิตอื่นให้ด่าวดิ้นลงให้ได้ชั่วครู่ที่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นพันตรีโรเจอร์มองเห็นอาการเหม่อลอยจึงอดที่จะถามไม่ได้นอสตากําลังคิดอะไรอยู่อ๋อ oh ผมกำลังทบทวนความคิดที่ว่าที่นี่จะใช้เป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับคุณทบทวนได้ความว่าไงบ้างทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าคนยังจ่าดาวเหนือนั้นไม่เคยตอบคําถามแบบนี้สักทีเพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถยืนยันได้แต่ด้วยความที่มีใจจดจ่อของพันตรีโรเจอร์จึงต้องถามกระทั่งจ่าดาวเหนือถามย้อนมาบ้างแล้วมเมเจอรล่ะครับคิดยังไงถ้าเป็นผมนะผมว่าใช่เพราะลักษณะภูมิประเทศลักษณะจุดตรวจลักษณะการเคลื่อนไหวทั้งภายในภายนอก มันบ่งบอกได้ชัดเจนมากเลยนะจ่าดาวเหนือพยักษนาสแสดงว่าเห็นด้วยแต่ไม่ตอบว่ากันไรขณะเดียวกันกลับหันไปมองทางไอ้พอนที่รับหน้าที่สังเกตการจากทางด้านซ้ายขวาปากทางเข้าออกนั้นเห็นว่าเรียบร้อยดีหันมาทางสาวมูเซอร์ดำทั้งสอ ง, ท, ง, สองที่เป็นตัวปัญหาอีกครั้งจะลาจะพือเจ้าสองคนมีผัวยังคนถามเล่นถามแบบตรงๆเราไม่มีปีมีครุยด้วย คนที่ถูกถามมองจ้องหน้าคนถามแล้วหน้าแดงกล่ำไปลูกตำลึงสุกเรื่องแบบนี้ไม่ว่าผู้หญิงชาติไหนเผ่าพันธุ์ไหนภาษาไหนต่างมีอาการเดียวกันทั้งนั้นยังตาฟูเยถามทำไมจะลาคนที่เป็นคนพีเป็นคนตอบในขณะที่จะผือคนน้องต้องกลมนาเอาเล็บกิกดผืนฟากไม้ไผ่เล่นเปล่าคิดอะไไม่ออกก็เลยถามไปงั้นแหละแล้วตาฟูเยลรมีเมียหรือยังยังเจ้าถามทำไมเปล่า คราวนี้ทั้งสามคนต้องหัวเราขึ้นพร้อมกันแต่พันตรีโรเจอร์หัวเราไม่ออกเพราะไม่รู้เรื่องด้วยแต่ก็ไม่ได้ถามสายตากลับมองกลาดไปรอบๆ บ, บริเวณด้วยอาการคลุ่นคิดไม่เจอรมองหาอะไระครับอ๋อผมกําลังมองดูว่าถ้าจะต้องเข้าโจมตีค่ายฝึกเนี่ยต้องใช้อาวุธและกําลังคนสักเท่าไหร่เมเจอแน่ใจขนาดนั้นชเฉลยว่าที่นี่ยคือค่ายฝึกของมันผมแน่ใจคุณไม่แน่ใจหรือไงจ่าดาวเหนือไม่ใส่ใจคําถามนั้นเท่าใดนัก หันมายิ้มรล้หัวเราะกับสาวมูเซอร์ดำต่อไปแล้วจึงตอบก็รอผลละตะเวนทางภาคอากาศของเครื่องบินเช้านี้ก่อนครับพันตรีเราเจอร์ก้มมองเวลาที่ข้อมืออีกครั้งเมื่อเวลายังไม่ถึงเก้าโมงเช้าดีสายหมอกจางลงเกือบจะหมดแล้วกับความหนาวเย็นของอากาศที่สบายๆพลันเสียงเรียกวิทยุก็กดังมาว่ามาเลยจ้าดาวเหนือตอบไปก่อนทั้งทที่ยังไม่รู้ใครเป็นคนเรียกทางหนีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่เจอแล้วไอเราเป็นคนปตอเนะ่ะ โอเครายละเอียดสิเป็นเสียงของไอเปียดที่เป็นชุดทางขวาจากดาวเหนือเตรียมแผนที่ทันทีจากที่ผมออกมาระยะประมาณ2กิโลเห็นจะได้ถ่านเราสองคนเฝ้าอยู่เป็นโกลนขนาด 12.7 มีบังเกอร์แบบเปิดแข็งแรงมากอาวุธอื่นเห็นมีอา้าประจํากายเท่านั้นเองพี่ตอนนี้มันกำลังกินข้าวในหลุมบังเกอร์มีหมาด้วย2ตัวโอเคคอย จ่าดาวเหนือพลัดพิกัดที่ตั้งบังเกอร์ปืนกลปตอแห่งนั้นลงในแผนที่แล้วคว้าอดินสอมอากัดเล่นก่อนที่จะเรียกวิทยุปทิจ่ายุทธพง์บางจุดเป็นไงบ้างยังไม่พบอะไรเลยพี่ทายเปรี้ยวมันเจอบังเกอร์ปืนกลแล้วนะคิดว่าฝั่งนี้ก็คงมีเหมือนกันครับพี่จ่ายยุทธพงษ์รับทราบเรื่องแบบนี้เคยเจอมาแล้วหลายครั้ง ในประสบการณ์ลักษณะการวางอาวุธสำหรับการต่อสู้กับเครื่องบินที่อาจมีมานั้นถาวางเพียงกระบอกเดียวคงไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่ที่กว้างขวางของค่ายฝึกแห่งนี้มันต้องมีการวางเป็นวงรอบล้อมบริเวณสำคัญนี้เอาไว้จนสามารถรับมือจากการถูกโจมตีทุกด้านได้การวางกำลังแบบนี้หากตรวจพบที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งก่อนก็สามารถที่จะหาที่ตั้งแห่งต่อไปได้ไม่ยากนักด้วยการอาศัยหลักการในการวางกำลังป้องกันภัยทางอากาศนั่นเอง จ่าดาวเหนือหันมาทางไอ้เปียอีกครั้งเพื่อจะสั่งการโอเคเปี๊ย okay, มีทางดับศูนย์มันได้ไหมมีทางครับพี่เดี๋ยวนี้เลยก็ได้มันกาลังกินข้าวกันพอดีไอทหารลาวสองคนนั่นนะ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่หมาสิจะเป็นปัญหาถ้าเจ้าของมันตายมันกลับไปหาพักพวกทั้งที่เป็นหมาเป็นคนของมันในค่ายแล้วมึงคิดไหมว่าถึงเจ้าของมันตายแล้วแล้วมึงเข้าไปมันจะต้อนรับมึงหรือมึงคิดมึงพูดกับหมามันรู้เรื่องครับพี่เข้าใจโอเคทั้งหมาทั้งคนปล่อยไว้ไม่ได้จัดการ ให้เปียกระ ง, งับวิทยุไปเราเริ่มปรึกษา ง, งานกับคณะทันทีทหารราวสองคนที่เป็นยามกลางวันกําลังนั่งอยู่ที่ขอบบังเกอร์ตรงปากทางเข้าปันข้าวเหนียวกําลังเปิบกับเนื้อเค็มย่างที่จัดว่าเป็นอาหารหลักประจําชาติสร้างความอร็ดอร่อยไม่ได้คิดเลยว่าข้าวมือนั้นคือมือสุดท้ายของตนอากาพาดอยู่ที่ริมขอบหน้าต่างบังเกอร์อย่างไร้ความหมายมาสองตัวที่เข้ามาร่วมเข้าเวรมอบอยู่ใกล้โดยสายตาที่จับจองอยู่แต่ที่ก้อนเหนือไม่เจอะสักคนไหมครับ เอาสิไอคนทางซ้ายน่าให้ผมก็ได้โอเคครับคนทางซ้ายคนทางขวาอนิดมึงจัดการก็แล้วกันหมาตัวซ้ายเดี๋ยวกูเองไอวิทย์มือเอาตัวขวานะไอพลมืออะไรแน่นอนเมือม่มออเป้าหมายกันเสร็จมือสังหารทั้งห้า ก, ก็เตรียมเข้าที่กำบังซึ่งหาไม่ยากนักสำหรับภูมิประเทศที่เป็นสันเขาแบบนั้นระยะเพียงสองสามเก้าก็พอเพราะเป้าหมายอยู่แบบเป็นกลุ่มก้อนระยะหกเจ็ดสิบเมตรกับกล้องขยายสิบหกเท่าจากการเล็งประนีดผลก็คือ ไม่มีชีวิตไหนรอดไปได้แม้แต่หมาคนละนัดหรือตัวละนัดนับว่าพอเพียงเสียงร้องที่ออกมาจากปากดังได้คนละครั้งด้วยเสียงที่ดังพอได้ยินเท่านั้นแม้แต่หมาที่มักต้องร้องอย่างครวนครางตามราษาของมันกลับไม่มีโอกาสร้องแม้แต่เอ่งเดียวเพราะการยิงครั้งนี้เป็นการยิงแม่นแบบจับวางนั่นเองตอนที่ยี่สิบหก มือสังหารทางฮย่างสามขุมเข้าไปยังบังเกอร์แห่งความตายนั้นไอเปียดรับนาทีที่จะต้องรายงานผลให้หัวหน้าชุดได้รู้จึงต้องเดินตามหลังเรียบร้อยแล้วพี่รายละเอียดสิคราวนี้ไอเปียต้องเป็นเงงก่อนในเมื่องานเรียบร้อยแล้วทํำไมต้องมีรายละเอียดอะไรอีกรายละเอียดอะไรเหรอพี่ก็ทั้งคนทั้งหมาตายเรียบเหตุการณ์ปกติไม่เห็นมีอะไรนี่นาโถยเปลดิดแล้วใบหูแล้วก็เห็น Major, เมเจอร์กระเบาทั้งสองข้างนั่นแหละคงจะข้างขวาไปฝากพิยุทธ์ด้วยละ่ะ แล้วไปหูเหมาระอ๋อโถ่นึกว่าอะไรเดี๋ยวผมถามกันทุกคนนะพี่พันตรีคอนลินหัวร้ะรันเมื่อถูกถามเกี่ยวกับหูหมาคําตอบก็คือแกเห็นใจยุทธพงศ์ไม่เอาแกก็เลยไม่เอาบ้างเท่านั้นเองไอ้เปรตฉลาดพอที่จะทําการกบเกลื่อนล่องลอยในพื้นที่นั้นรอยเลือดจะมีไม่ได้เป็นอันขาดอาคากับปืนกลขนาด12บจุ จำเป็นต้องวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมก่อนแต่ภายในนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นจึงต้องถอดลูกเลื่อนของมันออกแล้วคว้างทิ้งไปเวลาเพียงไม่ถึง15นาทีโดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีชุดปฏิบัติการของไอเปียกก็พร้อมที่จะเดินทางต่อตามแผนที่ได้รับมอบใหมาเสียงเลขทางวิทยุของเครื่องบินดังมาพอดีที่เสร็จงานเล่ากับนัดกันไว้หรือไม่ก็มีการประสานการปฏิบัติของทุกฝ่ายโ okay, อเคบลูสกายส่งข่าวได้เลย จ้าดาวเหนือตอบวิทยุไปเมื่อตรวจสอบนาเรียกขานกันแล้วจาก Blue ก k y ผมตรวจสอบเส้นทางแล้วปรากฏมีจริงตามที่คุณสงสัยเส้นทางสายนี้เลยทะลุเข้าไปในประเทศจีนไกลลิบเลยเปลี่ยนเป็นเส้นทางคนเดินทางเกียนหรือทางรถเปลี่ยนคงได้ทั้งนั้นนายกเวนทางรถยนต์เปลี่ยนโอเคขอบคุณมากแล้วคุณมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีซินนสตาเป็นข่าวสาคัญมากด้วยเปลี่ยนงั้นว่ามาเลย ผมพบกขบวนคาราวานมีคนประมาณเจสิบถึงร้อยคนที่พิกัด4ี่สี่สามแปดเจ็ดเกมีทั้งคนลาล่อผมไม่แน่ใจนะเพราะดูจากข้างบนบนหลังสัตว์เหล่านั้นมีสิ่งของที่มีความยาวเท่าๆกับลําตัวของมันบรรทุกมาทุกตัวเลยแล้วคนแบกก็ยังมีอีกเปลี่ยนโอเคคอยจ่าดาวเหนือจัดการตรวจสอบพิกัดบนแผนที่พันตรีโรเจอร์เป็นคนพลัดพิกัดให้อีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าคาราวานนี้เป็นพวกไหนแล้วแกเองก็ต้องใจหายวับ เมื่อนึกถึงบางเรื่องขึ้นมาได้จึงจัดการเรียกวิทยุอีกทันทีบลูสกายคุณมีอะไรเพริ่มเติมอีกไหมไม่มีไม่มีเปลี่ยนโอเคไม่มีแต่ตอนนี้ผมต้องการติดต่อกับซอนไร์คุณช่วยจัดการให้หน่อยสิไม่ยากเลยนอสตาตอนนี้ซอนไลพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวผมโอนสายไปเลยนะโอเคขอบคุณซอนไร์จากนอสตา์เปลี่ยนว่ามาเลยนอสตา์ผมฟังคุณอยู่ตลอดแล้วว่ามาเลยแมผมนี่ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะที่สนใจเป็นห่วงลูกน้องแม้แต่อยู่บอกอ ก, อก็ยังไม่ยอมพักยอมผ่อน เชื่อว่ามัเลยดีกว่าผมรู้ว่าคุณกําลังสวิตเมาส์ซาวแอสเอาว่าเลยก็ได้ไอคารวานที่บลูสกายรายงานเข้ามานั่นน่ะนั่นแหละพวกคนอาวุธและกระสุนตามข่าวของคุณล่ะจากพิกัดปัจจุบันผมว่าพวกนั้นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสาสิบกชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่งานนี้อยู่นอกเกมผมนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณ น, นั่นแหละคุณเป็นคนจัดการเรื่องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองแต่สถานการณ์นี้คุณอยู่ใกล้ชิดกว่าคุณคิดว่าผมควรจัดการยังไงดไีเห็นจะยากอะไรเลยนี่น่ะ คุณก็ส่งคนไปจับมันฐานลักลอบเข้าประเทศมีของผิดกฎหมายมีอาวุธสงครามโอ๊ยอะไรตรงนีอ้อะไรเยอะแยะที่คุณจะตั้งข้อหามันได้เฮ้ย hey, นี่ผมไม่ใช่ตำรวจนะเราเป็นทหารเราต้องจัดการแบบทหารสิความจริงนั้นจันดาวเหนือมีแผนการทั้งหมดอยู่ในใจแล้วแต่ที่แกล้งพูดแบบยี่ยวนไปเพราะอารมณ์ดีนั่นเอง ความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นเมื่อจ่า ย, ยุทธพงศ์จัดการกับบังเกอร์ปืนกลปตอ อ, อันที่สองต่อจากของไอ้เปี๊ยกเรียบร้อยแล้วประสบการณ์บอกให้รู้ว่าบังเกอร์แบบเดียวกันนี้มีสามจุดวางรอบขอบกระทะเป็นรูปแฉกตาเบนสำหรับบังเกอร์จุดที่สามนั้นแม้จะยังไม่เห็นกับตาแต่ก็เชื่อว่ามันต้องอยู่บริเวณนั้นแน่เพียงเท่านี้ก็พอประมาณการได้เลยว่านี่คือเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการควานหามาเป็นเวลาแลมเดือนโอเคซอนไรงั้นคุณเอาแผนไปเลย คุณมีเวลาเตรียมการสร้างการและปฏิบัติการภายในเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้คุณจัดกําลังสัก100คนก็พอการชิปสักสองลำไปจัดการกับไอ้คารวานขาบวนนั้นหน่อยนะคุณต้องจัดการให้เด็ดขาดนะเพราะอาวุธนั้นนั่นแหละที่มันจะมาเสริมให้กับพวกในค่ายนี้ถ้าไม่มีอาวุธเสริมงานโจมตีค่ายคงไม่ยากแล้วก็ไม่ยืดเยอะอันนี้โอเคไหมโอเคนอสตาว่าต่อไปเลยสําหรับที่ตั้งค่ายฝึกที่ว่าเนี่ย ผมพิสูจน์แล้วมันน่าจะเป็นที่นี่จริงๆล่ะตอนนี้ยึดที่ตั้งบังเกอร์ปืนกลปตอ 12.7 ที่สันเนินเวลาสองจุดคาดว่าน่าจะเหลืออีกจุดหนึ่งอันนี้คงไม่ยากคงได้ภายในบ่ายวันนี้ถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงคืนนี้ยังไงคุณจัดกําลังฐานราบสักห้าร้อยคนส่งลงเข้าทําการโจมตีได้เลยการส่งลงควรจะได้ในทันทีที่แสงอาทิตย์ปรากฏโดยการลงทางด้านหลังสันเนินซึ่งจะมีคนของผมคอยรับอยู่มาถึงตรงเนี้ยโอเคไหมโอเคนอสตา ตามที่คุณว่ามาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะการว่าต่อไปเลยขณะทําการส่งลงนะคุณคุณใช้ฮ อ, อกันชิปทาการระดมยิงเข้าใส่ที่ตั้งค่ายของมันเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวและการดําเนินกลยุทธ์เขต่อต้านแต่คุณต้องโจมตีให้หนักและอย่างต่อเนื่องด้วยโอเคไหมโอเคไม่ขัดข้องว่าต่อไปทั้งผมหมดแล้วทั้งคุณล่ะเอาปืนใหญ่ไปด้วยไหมคมไม่ทานอนะ่ะแล้วลักษณะเป้าหมายมันทึบมากผมตรวจการให้ไม่ได้คมไม่เหมาะโอเคแล้วนาปามล่ะย่อนลงไปสักโปรครึ่งดีไหม แทนดูถ้านักบินคุณมือแน่พอเป้าหมายกว้างยาวประมาณ2องพันเมตรพื้นที่เป็นหุบก้นกระทำไม่ลึกนักโอเคงั้นอันนี้ผมจัดการเองแล้วคุณไม่มีคําแนะนําอย่างอื่นหรอมีก็ได้ในคล้ายนะมันเต็มไปด้วยกับระเบิดอันนี้คุณจัดการเอาเองก็แล้วกันอีกอย่างนะถ้าคุณทําได้สองชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เลยผมอยากจะให้มีเครื่องมารับการติดต่อสื่อสารตลอดไปทุกสองชั่วโมงเลยโอเคผมจัดการให้ครับทางผมมีเท่านี้ คิดว่าพบกันชั่วโมองหน้าคงมีข่าวคืบหน้าอีกทั้งสองระ ง, งับวิทยุไปจ่าดาวเหนือหันมาทางลูกทีมที่แยกปฏิบัติการกันอีกครั้งยุดว่าไงเป็นไงบ้างตอนเนี้ยทั่วไปปกติพี่ภายในค่ายเท่าที่ตรวจพบตอนเนี้ยเห็นร่องเลสขนาดแข็งแรงมากสงสัยทอดยาวตลอดแนวค่ายเลยพี่อ๋ออันนี้มันต้องแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมันอยู่กันนานๆแบบเนี้มันก็ต้องสร้างไว้ขุดไว้เป็นธรรมดาว่าแต่รอบค่ายข้างในยังมีบังเกอร์หรือเปล่าเท่านั้นแหละระดงกับระเบิดล่ะ เต็มพืชเลยพี่ตั้งแต่สันเนินนี่เลยไม่รู้มันออกมาจากไหนของมันมากมายก่กองไม่แน่น่ะยุทธมันอาะมีโรงงานผลิตของมันเองก็ได้ว่ะโดยเฉพาะ้กับระเบิดแสวงเครื่องที่มันต้องเรียนรู้กันมันทําเสร็จก็มาวางสารได้ประโยชน์ดีด้วยโอเคมีอะไรอีกไหมยังไม่มีครับพี่เป๊ยเป็นไงบ้ า, างวะจ้าดาวเหนือเปลี่ยนมาทางไอเปียดโดยความถี่เดียวกันเหมือนทางพิยุทธละพี่โอเคงั้นไปเรื่อยๆกันแล้วกันครับพี่ ตาดาวเหนือเอหลังลงพิงเสาเพิงหมาแงนด้วยความเหนื่อยอ่อนความล้าจากการใช้สมองมากทําให้มีอาการปวดหัวข้างเดียวผลทางแก้ที่ไม่ชอบพึ่งยาเม็ดก็คือหลับตาแล้วหยุดความคิดทุกชนิดสักครู่อาการก็จะทุเลาลงเองตาฟูเยไม่สบายหรือเปล่าไม่หรอกจะพือไม่น่าเชื่อที่สองสาวมูเซอร์ดำถึงกับเอื้อมมือมาอังดูไอร้อนจากหน้าผากของตาฟูเยด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จาราคนพี่ยกกระติกน้ําส่งให้ คนที่เป็นตาฟูเยยิ้มแล้วยกตัวขึ้นมารับน้ำนั้นไปดื่มด้วยมารยาทยิ้มที่สองสาวตอบมาช่างแสนบริสุทธิ์อะไรอย่างนั้นเป็นยิ้มที่คนเมืองยังตาฟูเยต้องรับกับตัวเองว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มหลัตัวว่าจิตใจชักจะไหววันตัดสินใจลุกโคลดพลาดเอื้อมมือขยี้ลงบนหัวหญิงสาวทั้งสองด้วยความเอ็นดูก่อนที่จะเดินเลยไปหาไอ้พรที่กำลังอัดบุหรี่ขณะตรวจการระยะไกลอยู่ตลอดเวลาเห็นไรไม่ว่าพรไม่มีเลยพี่ เออตอนนี้คงไม่เท่าไหร่หรอกว่ะแต่ค่ำนี้สิไม่แน่ไม่มันก็เราลหรพี่คิดได้งั้นก็ดีว่ะพรสบายใจดีไอ้พอรไม่ตอบอะไรเพรตามปกติแล้วมันเป็นคนพูดหน้อยแต่ด้วยความรักเคารพที่มันมีกระจาดาวเหนือนั้นทําให้มันไม่รู้สึกเบื่อเลยที่จะคุยกับเขาความจริงจังและจริงใจในการทํางานและการแสดงออกที่ลวนออกมาจากใจจริงของจาดาวเหนือหลวนเป็นสิ่งเสริมสร้างศรัทธาที่ลูกน้องมีให้จาดาวเหนือไม่ใช่คนประเภทรับแต่ความชอบไม่ยอมรับความผิด บ่อยครั้งที่คนยังเขาต้องกล่าวคำว่าขอโทษแก่ลูกน้องเมื่อเขาเป็นคนทำผิดการทำงานทุกชนิดเขาจะรับทราบในปัญหาข้อขัดข้องเสมอเขาไม่เคยสั่งแล้วปล่อยคอยแต่เวลาที่งานจะเสร็จเท่านั้นตลอดเวลางานเขาจะติดตามเพื่อรู้ถึงความยากง่ายของงานรู้ถึงขั้นตอนความเป็นไปได้ของมันสิ่งสำคัญที่ลูกน้องทุกคนยอมทุ่มเทหัวใจให้กับเขาก็คือเขาเป็นคนเปิดกว้างสำหรับความคิดของคนอื่นทุกครั้งที่เขารับทราบถึงแนวความคิดที่มาจากสมองคนอื่น มักจะนํามาทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของมันผลที่สุดก็คือเราจะมีสิ่งใหม่ๆเสมอในการทํางานไอพอรปล่อยความคิดนั้นตเตลิดเปิดเปลืงไปในขณะที่สายตาทอดไปตามความยาวของเส้นทางที่ผ่านมาเมื่อวานบางครั้งหันกลับไปทางทิศ ท, ที่ออกมาจากค่ายฝึกนั้นบางแม้เป็นการมองแย้งไร้ความหมายแต่ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคนสังเกตการอย่างหนึ่ง ส่วนจ่าดาวเหนือเองกลับเงี่ยหูฟังพันตรีโรเจอร์ที่กำลังติดต่อวิทยุกับจ่ายุทธพงศ์โดยจับใจความได้ว่าสามารถพิชิตบังเกอร์ปิงกลปตออันที่สามได้แล้วด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนลาวเราเริ่มเคลื่อนทีเตรียมที่จะไปให้ถึงปากทางเข้าด้านนั้นต่อไปกระทั้งการดำเนินงานของจ่ายุทธพง์เป็นไปอีกครั้นเมื่อมองเห็นกระท่อมเพิงหมาแงานแบบเดียวกันกันกบทางเข้าอีกด้านที่เข้ามาเมื่อวาน ตอนที่ยี่สิบเจ็ดเจ๋งแล้พี่โทรางานแบบเมื่อวานอ่ะโอเครายละเอียดสิก็เหมือนกันทุกอย่างอีนั่นะหละพี่คนสี่คนอาก้าครบมือนั่งเล่นนอนเล่นสบายอารมณ์ไอ้บ้านั่งกํลาลังเพลินกับกัญชาน่าจะตาปือแล้วละพี่งั้นจะการเลยสิวะจาว่าดาวเหนือสั่งการแบบง่ายๆหละรู้ว่าการปฏิบัติก็ง่ายสําหรับฝีมืออย่างนักล่ารับจ้างเสียงให้เปียกวิทยุมาบ้างพี่งานนี้น่าจะเป็นของผมนะพี่ยู่เล่นมาสองจุดแล้วนะ จ้าดาวเหนือหวัวล้อเบาๆเมื่อรูไหว้เปียกก็ไปถึงจุดนั้นแล้วเห็นเป้าหมายนั้นด้วยงั้นปล่อยอเปี๊ยกมันเดีว่ายุธโอเคพี่มึงเอาไปได้เปียกขอบคุณทียุทธน้องจะไม่ลืมเลยถอยเปลตไอ้เปียกไม่ได้ต่อปากต่อคําอะไรด้วยอีกจัดการแบ่งสันปันส่วนทันทีมเมเยอรเอาไปที่กําลังพีกันชานั้นแล้วกันไอวิทย์เอาคนที่นั่งติดเขียงไอ้นิดมึงเอาไอคนยืนไอพลมึงเอาไอคนที่นั่งหลับพิงหัวเสานั่นเดี๋ยวกูคอยซ้ําเองเดี๋ยวเราไว้ไลายฝีมือเยอะพ่ยยุทธนอ เอางี้ทุกคนเรงเตรียมไว้เลยเพอกูสั่งยิงทุกคนยิงออกไปพร้อมกันเลยเอาให้สี่คนนี่มันล้มลงไปพร้อมกันให้ได้ทุกคนตอบตกลงทันทีในของเล่นใหม่นั้นน1 6 XMA1 ที่พาดเลงไว้อย่างถนัดถนีทั้งห้ากระบอกโดยระยะยิง780เมตรหลังที่กำบังอย่างดีทุกคนรายงานว่าพร้อมยิงโอ๊ะโ อ, ะอะได้ผลจริงๆตามแผนไอเปียก คิดวิธีสังหารศัตรูแบบใหม่เหยื่อสังหารทั้งสี่มีอาการทางร่างกายเกือบจะพร้อมกันต่างส่งเสียงร้องที่ดังไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่ดูเหมือนไอ้คนที่เมากัญชาจนนั่งหลับนั้นไม่มีโอกาสาได้ร้องเลยแม้แต่คำเดียวผิดกับไอ้คนที่ยืนอยู่มันร้องได้ถึงสองคำยอดเลยเว้ยยอดเลยเว้ย่ยยยา ย, ยุทธพงศ์ก้าวชมออกมาดังๆด้วยความจริงใจที่เห็นฝีมือของเรานักล่าสังหารรุ่นน้องชุดปฏิบัติการอิสระทั้งสองชุดแบบนี้เชื่อว่าปลอดภัยในพื้นที่ ตางเดินทยอยออกจากที่ซุ้มซอนมารวมกันอีกครั้งเป็นการออกมาเพื่อตรวจสภาพพื้นที่เท่านั้นเองไม่มีใครสนใจกับร่างไรวิญญาณเพราะเป็นหน้าที่ของชุดไอเปียกที่ต้องจัดการเคลียร์พื้นที่ตามแผนของหัวหน้าชุดจายุทธพงศ์เท่านั้นที่เข้าหาเยื่อสังหารัางนี้เพราะเขามีงานขางบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับของชำรวยและเช่นเดียวกันกับพันตรีคอรินที่จัดการของตนแล้วกลับมาแลกเปลี่ยน ก, นกันกับของจายุทธพงศ์ อาการที่ทั้งสองเอื้ออาทรต่อกันนั้นนับเป็นสิ่งน่ายกยองและน่าขบขันอยู่ในทีจ่ายยุทธพงศ์วิทยุรายงานผลอีกครั้งเรียบร้อยครับพี่โอเคคอยกําลังที่เหลือเมื่อรู้ว่าไม่มีคําสั่งให้ทําอย่างอื่นนอกจากให้คอยจึงกระจายกําลังออกด้วยความเคยชินทุกคนตระหนักดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมามุงล้อมกันอยู่อย่างนั้นหลังแต่จะพลาดท่าเสียทีกัฝ่ายตรงข้ามที่อาจโผล่เข้ามาพอดีเท่านั้น แล้วจ่าดาวเหนือก็สั่งการทันทีหลังจากปรึกษาบางเรื่องกับพันตรีโรเจอร์แล้วโอเคหยุดเล็กชัดสามคนประจําอยู่ที่ด่านนั้นเลยที่เหลือหกคนเป็ประจําที่บังเกอร์ปืนกลปโตบังเกอร์ละสองคนก็พอการกลับเข้าไปคราวนี้ตรวจตาให้ดีก่อนนะเว้ยไม่ใช่เสือกผีผามเข้าไปแล้วเจอกับระเบิดละซวยเลยอยากคิดว่ามันไม่รู้นะเว้ยว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างเราระวังตอนเย็นที่คนจากข้างในจะออกไปเสริมก็แล้วกันใจเย็นไว้หน่อยพวกเราคิดว่าในวันสองวันนี้งานคงเสร็จว่ะ ยังไงยังไงอย่าเสี่ยงดยไม่จำเป็นอาวุธเราดีกว่ามันอยู่แล้วถ้ารู้จักวิธีใช้เราย่อมได้เปรียบเสมอไปได้เลยพี่แล้วข้างนอกมันคงมีจุดตรวจอีกนะพี่เออนั้นช่ามันเถอะพราะมันคงไม่กลับเข้ามาหรอกหรือถ้ากลับเข้ามาก็คงไม่พร้อมกว่าพวกข้างในที่ออกไปแน่อันนี้ดับสูนได้เลยเราไม่ต้องจัดการเรื่องศพหรอกเพราะคืนนี้เป็นคืนพระเดศศึกอยู่แล้วถึงมันจะรู้จะเห็นศพของพวกมันก็สายเกินไปแล้วเข้าใจจ่าดาวเหนือพูดตอบออกไปด้วยอารมณ์แจ่มใสลรอยทําให้ลูกน้องสดชื่นหัวใจไปด้วย ความตั้งใจที่จะทำงานเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนี่คือหลักกิตวิทยาที่ว่าในตำราแต่จ่าดาวเหนือก็ไม่ได้ทำตามตำราแต่ทำไปด้วยจิตวิญญาณและจิตใจของตนจริงๆดังนั้นจึงดูสดใสและชัดเจนกว่ากันในแง่ของความรู้สึกความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งสองสาวมูเซอร์ดำจ้องการปฏิบัติหน้าที่ของตาฟูเยยังไม่วางตาภาษาที่เธอทั้งสองไม่รู้เรื่องนั้นทาให้เกิดความสนใจที่จะอยากรู้บาง ใจของหญิงสาวรู้สึกสงสารและเหนื่อยแทนกับงานที่คลำเคร่งแม้ไม่รู้เรื่องที่พวกเขาพูดกันแต่อากับกิริยาร่วมทั้งสายตามันฟ้องตัวเองตลอดเวลาตาฟูเยหิวไหมตาฟูเยยิ้มเราก้มมองเวลาเห็นว่าเพิ่งจะบ่ายสองโมงยังไม่ทันจะตอบก็พ่ันแววเสียงเครื่องบินดังมาอีกจึงหันไปกดขีวิทยุแทนนอสตาจากซันไลท์เปลี่ยนโอเคซันไลท์ตอนนี้คุณอยู่ไหนอยู่ที่บอกอกําลังเตรียมการเรื่องของคุณนอะ โอเคทางผมพร้อมแล้วนะทางคุณล่ะเฮ้บ hey, er, ังเกอร์ปืนกลปตอรถจุดตรวจของมันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหรอโถ oh, แล้วคุณยังผมจะไปโกหกคุณทําไมเล่าตอนนี้คนของผมพร้อมจะนําร่องให้เครื่องของคุณลงได้แล้วนะโอเคงั okay, ้นคอยผมหน่อยก็แล้วกันของผมก็ใกล้เต็มทีแล้วตอนนี้กําลังระดมคนไปทีคล้ายวังเวียงนะ่ะคิดว่าอีกสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงคงพร้อมว่าแต่คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าผมคิดวาคุณน่าจะาแก๊สน้ําตาหรือแก๊สอะไรก็ได้ที่ไม่อันตรายถึงชีวิตมาใช้หน่อยนะไม่ต้องห่วงนอารเื่องนี้ผมเตมไว้าร งั้นผมก็ไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะผมจะคอยคุณก็แล้วกันทั้งสองระงับวิทยุไปเครื่องบินลำที่ทำหน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอดก็ต้องจากไปด้วยจากดาวเหนือพยายามเงันมองหาเครื่องบินลำนั้นแต่ก็จนปัญญาที่หาไม่เห็นเพราะมันสูงเกินไปนั่นเองแบบนี้เชื่อว่าพวกที่อยู่ในค่ายแม้จะแว่วแว่เสียงบางก็คงไม่สงสัยอะไรว่าทาไมมีเครื่องบินมาบินบ่อยเหลือเกินในระยะนี้ สามูเซ่ดำสองคนอยากจะถามเกี่ยวกับที่ตาฟูเยพูดทางวิทยุว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ก็ไม่รู้จะตั้งคําถามยังไงก็เลยไม่ถามทุกครั้งที่ตาฟูเยของพวกนางทําการรับส่งวิทยุพวกนางจ้องมองจนตามไม่กระพริบในสายตามีแต่ความชื่นชมความศรัทธาความมีน้ําใจดีเป็นพื้นฐานพลอยทําให้อะไรอะไรมันเป็นดีเป็นงามไปหมดจาา่าดาวเหนือเองก็ไม่ได้สนใจแต่ก็เห็นอยู่ว่าทั้งสองคนให้ความสนใจ บางครั้งหันมาสบตาด้วยก็ต้องพบอาการสะเทินอายที่เลือดฝาดแห้งวยสาวฉีดแก้มจนแดงความปั่นป่วนแทบบ้าคลังของท้องทะเลยอมเกิดมาจากความสงบเงียบที่ใครๆเคยว่ากันไวคงจะจริงเพราะในวันนี้วันพรุง่งการหลั่งเลือดฉลมดินจะเกิดขึ้นณสมรภูมิแห่งนี้หุบสามอ่อยจะถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์แห่งการสู้รบเพื่อช่วงชิงความยิ่งใหญ่ตามรัฐีอำนาจนิยม พันตรีจ้างวันยงพันตรีคำพายวิไลพันธแถวสิทธิราชคือสามอันดับแรกที่ต้องทําการดับสูนให้ได้หลายต่อหลายครั้งที่ภาพบุคคลเหล่านี้ปรากฏให้เห็นในความรู้สึกซึ่ดูเหมือนความมุมานะอดทนอดกลั้นต่อการรอคอยจะเพิ่มขึ้นเป็นพลังใจเครื่องบินที่บินมารับข่าวสารทุกสองชั่วโมงอย่างตรงเวลาเป็นตัวเร่งอย่างดีช่วยให้จิตใจฮึกเหิมกระนั้นนักล่ารับจ้างทุกคนก็ยังใจเย็นพอที่จะคอยเวลา คำเตือนของหัวหน้าชุดที่มีมาอยู่เรื่อยๆถึงแผนการปฏิบัติของฝ่ายตนต่อความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงคามจากดาวเหนือมักอ่านเกมฝ่ายศัตรูได้อย่างปลุกโปลงในทุกๆครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากันอย่างหนีจุดซุ่มทุกจุดไม่มีใครคิดจะคุยหรือเล่นหรือพักผ่อนประสาททุกส่วนเปิดกว้างสุดสปีดเพื่อรับรู้เหตุการณ์ที่อาจจะแทรกซอนเข้ามาข้อพิสูจน์สําหรับการประเมินสถานการณ์ของจ่าดาวเหนือก็คือ ทหารราวจํานวนสี่คนที่ออกจากค่ายเพื่อออกมาติดตามพวกที่ไม่กลับเข้าค่ายจุดแรกที่จะดาวเหนือประจําอยู่นั่นเองซึ่งก็ไม่ยากอะไรเมื่อไอ้พรสามารถทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีเยี่ยมจนสามารถรู้ตัวล่วงหน้าสามารถวางแผนสังหารได้ตั้งแต่เหยื่อสังหารยังอยู่ห่างในระยะเกือบห้าร้อยเมตรโดยอาวุธที่เพิ่มขีดความสามารถกับฝีมือที่เหนือชั้นกว่าเพียงสามกระบอกก็พอเพียงที่จะเด็ดชีพถึงสี่ชีวิตได้ จุดฝังตรงคามที่จ่ายุทธพง์กับลูกน้องอีกสองคนอยู่รวมเป็นสามคนต้องหนักกว่าทางหัวหน้าชุดเล็กน้อยเพราะทหารเราสองคนจะจุดตรวจ ด, ด้านนอกที่ต้องกลับเข้ามาสมทบกับพวกจุดตรวจที่ปากทางด้านในมันมาเพียงสองและเจ้าลิดเดธอะไรมารบมับมือกับมือสังหารที่มีจํานวนถึงสามแต่พวกที่ไปจากภายในค่ายที่ต้องออกไปประจําจุดตรวจเป็นการเสริมกําลังตอนกลางคืนที่ออกไปพร้อมๆกันถึงสี่คนนี่สิที่ชุดของจ่า ย, ยุทธพง์ต้องใช้ฝีมือมากกว่าปกติสักหน่อย ยื่อสังหารที่ทำการแบ่งมอบคนละหนึ่งนั้นเมื่อเสร็จสิ้นไปด้วยกระสุนนัดแรกและนัดเดียวแล้วระหว่างที่ปืนต้องทําการบรรจุกระสุนนัดต่อไปเข้ารังเพลิงมันมีโอกาสที่จะชาตัวออกจากจุดอันตรายได้แต่แล้วมันก็ไม่รอดจากการที่มันต้องโดนเพียงนัดเดียวแล้วตายไปเลยไม่ต้องมาทรมานทระกรรมกับความเจ็บปวดมันกลับต้องมาพบความเจ็บปวดที่สุดแสนสาหัสความเร็วของคนหรือจะท่าวิถีกระสุนเมื่อนัดแรกจับเข้าที่โคนขาขวาอย่างจัง ร่างทางล่างล้มพวบลงกองกับผื้นพยายามเกลือกกลิ้งเข้าหาที่กำบังให้ได้แต่ก็ยังช้าอยู่ดีเพราะกระสุนนัดที่สองเจาอที่ชายโครงยังเหมาะหมิงมันยังไม่ตายสติที่เตือนมันว่าต้องสู้แม้จะเป็นการสู้ก่อนตายก็ตามมือที่ขวาอาการออกแรงเต็มทีจะเอาอาวุธขึ้นประทับป่าให้ได้การที่มันมองไม่เห็นศัตรูแต่ศัตรูเห็นมันตลอดเวลานั้นเสียเปรียบอย่างที่สุด มือสังหารไม่มีทางจะยอมให้อาก้ากระบอกนั้นส่งเสียงได้เป็นอันขาดดังนั้นก่อนที่มันจะได้ใช้ความกล้าหาญครั้งสุดท้ายมือสังหารระดับจ่ายุทธภง์ก็จับเป่าเขาที่หัวกระโหลกมันอย่างแม่นยำสมองมันหยุดสั่งงานทันทีนับเป็นการจบเกมแบบเด็ดขาดโดยไม่มีข้อต่อรองได้ใดทางสินตอนที่ยี่ส แม้แต่ที่บังเกอร์ปืนกลปตอทั้งสามจุดเมื่อไหนใครมีการทำงานแบบเป็นระเบียบประจำมือสังหารก็เลยต้องสังหารมันตามระเบียบเหมือนกันแต่งานนี้เล่นไม่ยากจริงๆเพราะมันมาแค่สองคนเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเสริมจากเดิมที่มีสี่ให้เป็นหกสำหรับการปฏิบัติการในเวลากลางคืนมือสังหารยิ้มแก้มแทบปริที่เห็นคนตาบอดเดินเข้ามาให้คาดังนั้นบังเกอร์ที่มันสร้างนั่นแหละสมควรที่จะเป็นรังตายของมัน เผชิญคาที่ใจเย็นเล่าน้ำแข็งเอ็นกายพิงผนังบังเกอร์ยังสุขารมลมกระทั้งเหยื่อสังหารเดินเข้าสู่ประตูช่องทางเข้าบังเกอร์อาการในมือมันจักท่าไม่พร้อมหยิงแต่มือสังหารใจสปอร์ตพอร์ที่จให้โอกาสมันยกปืนขึ้นมาเสียก่อนแต่ก่อนที่นิ้วของมันจะได้เข้าไปสัมผัสกับโครงไกลกระสุนชนิดหัวระเบิดก็พุ่งเข้าสู่หน้าผากมันเสียจแล้วเป็นการยิงชนิดจอสัมผัสกันเลยเป้าหมายที่ห่างกับปากลำกล้องแค่ระยะเดียวมีแต่เด็กเท่านั้นที่ต้องเร็ง บาดแผลที่หน้าผากเล็กเท่าความกว้างของหัวกระสุนเขม่าดินปืนจับดำจนได้กลิ่นกระสุนไม่ทะลุเพราะมันระเบิดตัวเองอยู่ภายในขวานทะลวงไปทั่วมันสมองเสียงปืนไม่เสียงดังเช่นเดียวกับเสียงร้องที่ไม่ดังด้วยร่างนั้นคก็ขดซุดตัวลงนอนกองราบกับพืน้นดวงตาเบิกกว้างเปิดค้างอยู่อย่างนั้นอย่างที่โบราณว่ายัางคงกังวลในเรื่องราวต่างๆของชีวิตจึงตายตาไม่หลับมือสังหาร ไม่ลืมที่จะเก็บของชํารวยไปฝากพักพวกด้วยความปรารถนาดีจ่าดาวเหนือรายงานเหตุการณ์เหล่านั้นให้ทางบอกทอราบเมื่อเวลาสองทุ่มพอดีหลังจากนั้นจึงเริ่มพักผ่อนเมื่อพันตรีโรเจอร์รับที่จะเข้าเวีนผัดแรกดูเหมือนค่ำคืนนั้นเขาไม่มีอารมณ์จะพูดคุยหยอกล้อ ก, อกับสองสาวมูเซ์ดำออสเตรเลเลยขณะเดียวกันสองสาวก็ไม่ลบกวนแต่กระนั้นจ่าดาวเหนือเอง ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาทางอารมณ์อีกจนได้เมือ่อมือนิ่มๆ น, น, น้อยๆจำนวนถึงสี่มือจากสองคนเข้ามาบีบๆนวดๆตามร่างกายด้วยความหวังดีและเคารพรักใจที่เหนื่อยเพลียขี้เกียจจะปฏิเสธเลยปล่อยให้มันเลยตามเลยพยายามข่มความรู้สึกนึกคิดให้ออกจากปลายนิ้วมือสี่มือนั้นกระทั่งรับไหลไล่ความรู้สึกไปเสียงหายใจที่สม่าเสมอกับอาการกล่นเบาๆสองสาวเข้าใจ จึงพลาออกมาจากล่างของตาฟูเยแล้วมอบลาบเคียงข้างด้วยความสุขใจแล้วด้วยความเคยชินของตัวเองทีิจาดาวเหนือสะดุ้งตื่นมาเมื่อเวลาเกือบจะตีสี่รู้สึกว่าคืนนั้นตนเองไม่ได้ตื่นมาเข้าเวรเลยก็ออกสงสัยอยู่เหมือนกันทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเมเจอร์ Major, เข้าเวรมานานหรือยังครับตั้งแต่ห้าทุ่มอา้าวนั่นมันก็เลยเวรผมมาตั้งนานแล้วสิครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะตาผมกะจะให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่ผมเข้าแทนเอง ทำไมล่ะครับผมเห็นว่าคุณเหนื่อยมากอะ่ะไม่เห็นเหนื่อยอะไรนี่ครับไม่ได้เดินได้วิ่งอะไรเลยวันๆเอาแต่นั่งกับนอนแต่คุณใช้สมองมากเหลือเกินนี่เอาเถอะคุณนอนต่อไปแล้วกันมีอะไรผมปลุกเองยังไม่ทันที่จ่าดาวเหนือจะได้ตอบอะไรทันแววเสียงเครื่องบินดังมาให้ได้ยินหากเดาไม่ผิดนั่นเป็นเสียงเครื่องบินแบบไอพลความเร็วเหนือเสียงเสียงนั้นคลางกระหึ่มบนท้องฟ้งฟาเบื้องสูงจ่าดาวเหนือกระชับแจ็กเก็ตฟิวเขาอิบเพื่อผ่อนคลายความหนาว ก็จะหันไปคว้าวิทยุเพื่อกดขี่แจ้งสัญญาณที่อยู่อัตโนมัติผมแจ้งเขาไปแล้วนอสตาเขามา น, านานแล้วเหรอครับประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เฮ้ยผมไม่เข้าใจเขามาทําไมคงเป็นแผนป้องกันเบื้องสูงนั่นแหละหมายความว่าไงครับงานนี้มีประเทศจีนเข้ามาเกี่ยวด้วยเราไม่แน่ใจว่าข่าวของเราจะรั่วหรือไม่หากข่าวรั่วไปถึงเมืองจีนน่ะทางจีนน่ะจะมีการปฏิบัติการบางอย่างในเชิงตอบโต้ก็ได้ดังนั้นเราจึงควรมีมาตรการบางอย่างป้องกันเอาไว้บ้าง จาดาวเหนือไม่รู้หรอกว่าข่าวที่พันตรีโรเจอร์รู้มานั้นแท้จริงมาจากการติดต่อกับนักบินบนเครื่องนั่นเองแต่จาดาวเหนือก็ไม่ได้สอบถามอะไรอีกนอกจากพยักหน้ารับทราบและยอมรับว่าแผนการของพันเอกนอร์แมนรอบครอบถึงระดับชาติกันเลยทีเดียวความเงียบเข้าครอบคลุมอีกครั้งในใจคิดอยู่เหมือนกันว่าพวกไหนใายมันก็คงรู้สึกต่อเครื่องบินลบที่กลางกระหึมยุบนหัวมันครั้งนี้เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่ามันจะปฏิบัติยังไงกันบ้างเท่านั้นเราเสียงเรียกจากพันเอกนอร์แมนก็ดังมาโนสตาจากซาร์ไรเปลี่ยนสวัสดีตอนเช้าตรู่ครับซาร์ไรเปลี่ยนโอเคสวัสดีอีกสองสามนาทีสิ่งที่คุณต้องการจะมาถึงนะจ่าดาวเหนือต้องงงต่อคําว่ามาถึงของพันเอกนอร์แมนคิดว่าแกคงอยู่แถวแถวนี้แนะ่มาเลยทั้งผมพร้อมแล้วคุณกําหนดจะส่งลงหรือยังเรียบร้อยผมจะส่งลงทางด้านหลังเนินที่พวกเราอยู่นั่นแหละ คุณรู้ได้ไงว่าพื้นที่นั้นลงได้ผมยังไม่ได้แจ้งให้คุณรู้เลยนะไม่เป็นไรผมมีภาพถ่ายทางอากาศชนิดพิเศษที่การทาเฉพาะบริเวณแจ๋วยิ่งกว่าการลงไปเดินดูด้วยตาสกนี่คือความพร้อมลบของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอภิมหาอํานาจของโลกเงินเพียงตัวเดียวที่สามารถสร้างความพร้อมลบทุกชนิดได้แม้แต่ชีวิตคนที่ไม่มีเครื่องจกักรกลใดๆในโลกสร้างได้แต่เงินสร้างคนได้หรือใครจะเถียง เพียงสอนาทีจริงๆที่พันเอกหน่อแมนพูดไว้เสียงเครื่องบินที่แม้มองไม่เห็นตัวเครื่องก็พอจะบอกได้ว่านั่นคือหอเสียงที่สนั่นวันไหวกึกกล้องไปทั่วทั้งฝุ่แสดงถึงปริมาณที่ไม่สามารถนับจํานวนได้เมื่อแยกเสียงเหล่านั้นได้จะได้ยินเสียงเครื่องบินแบบไอโพดหลายลําแผ่เสียงเครื่องยนต์บนท้องฟ้าที่สูงกว่าระดับหอเสียงวีดวิวก่อนที่ตัวจะเข้ามาตามแบบฉบับของเครื่องบินที่ความเร็วเหนือเสียง สร้างให้เกิดความสยองขวัญจนแทบจะขี้เยี่ยวราดนั่นคือแสนยานุภาพที่มนุษยชาติจะพึงกลัวคราวใดที่นักบินต้องเร่งความเร็วดึงเครื่องให้สูงขึ้นในทางดิ่งเสียงจะดังหนักขึ้นอีกหลายเท่าตัวสองสามมูเซอร์ดำตกใจอย่างหนักจนต้องหันเข้าพึ่งพิงอ ก, อกของตาฟูเยความสาวทุกเก็บไว้จนลืมคิดไปว่าส่วนใดของร่างกายบางที่ควรสงวนไม่ให้ไปกระทบกับส่วนใดของร่างกายชายในความมืดนั้น จากดาวเหนือที่กลายเป็นตาฟูเยรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นปกติของผู้ชายเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเลยตามเลยเสียงฮอที่อยู่ในระดับความสูงไม่มากนะักรายรอบขุนเขาดังกระหึ่มประมาณ5นาทีเสียงนั้นเริ่มห่างออกไปจากเสียงแรกที่หายห่างไปกลับมีเสียงใหม่เข้ามาแทนนั่นแสดงว่าการส่งลงและลอกแรกสาเร็จแล้วแล้วเสียงที่มาใหม่ก็คือแลลอกสอง พวกนักล่าหลับจ้างไม่รู้หรอกว่างานนี้กองทัพสหรัฐโดยแผนของพันเอกนอร์แมนต้องทุ่มเถเครื่องบินกีเครื่องกีเที่ยวบินสําหรับการรำเริงกําลังรบที่จะเข้าปฏิบัติการยึดพื้นที่เกือบครึ่งชั่วโมงสําหรับนาทีแห่งความเอ็ดอึง่งตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรกับใครได้เพราะฟังกันไม่รู้เรื่องกระทั่งหอลำสุดท้ายที่พอจะแยกเสียงได้ว่านั้นเป็นหอแบบสี่นุกที่บรรทุกได้คราวละ30สิคนเสียงเครื่องบินไอพ่นยังไม่เลิกหลา F4 แฟนทอมจะฐานบินจงังหวัดอุดรธานีประเทศไทยที่รับภารกิจสร้างเสียงอัมพรางการเคลื่อนที่ของเรากำลังรบที่จะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่พร้อมกับการสกัดกันเครื่องบินศัตรูจากนอกประเทศที่อาจจะเข้ามาขัดขวางงานนี้นานเหมือนกันที่กว่าเครื่องบินลำสุดท้ายจะออกจากพื้นที่นอสตาผมจะลงไปนาคอยรับผมด้วยทําไมต้องรับล่ะครับคุณจะโดดร่มลงเหรอเอาแนะ่เดี๋ยวก็รู้เองแหละเสียงหอยกลําที่บินมาเดียว ตรงดิ่งเข้าหาจุดที่จ่าดาวเหนือประจําอยู่เสียงนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ทางทิศด้านที่ผ่านเข้ามาก่อนถึงช่องทางเข่าคายระดับที่ต่ําลงไปเล็กน้อยก็เชื่อว่าปลอดภัยดีสําหรับการส่งลงเพียงสองนาทีจริงๆเราหอรานั้นก็ดึงตัวเองถอยห่างไปชุดปฏิบัติการใช้กล้องเล็งกลางคืนส่องดูเห็นทหารอเมริกันจานวนสิบสองคนกําลังเดินทางตรงดิ่งมาที่พวกเขาอยู่ปืนที่เห็นในมือนั้นเป็นแบบเดียวกันกันกบที่เขามีอยู่ แล้วก็กําลังเหล่งตรวจเส้นทางขึ้นมาด้วยพันตรีโรเจอร์ลุกไปต้อนรับผู้บังคับบัญชาตามแบบธรรมเนียมทหารแต่จ่าดาวเหนือยังคงนั่งอยู่กับที่เดิมไม่ได้สนใจมองแขกผู้มาเยือนในายามวิกาลนั้นแต่กลับสายสายตากลาดตรวจพื้นที่ไปรอบๆไอ้่อนต้องทําหน้าที่อย่างหนักต่อการตรวจการตามเส้นทางเข้าสู่ค่ายฝึกนั้นเพราะการที่มีหอมาลงเพียงลําเดียวเดียๆแบบนี้หอนํานั้นต้องไม่ใช่ธรรมดาแน่โอเคโนสตาเริ่มแผนได้หรือยงัง ผมว่าเคีเนลสั่งคนของคุณให้กระจายกำลังเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าครับเพราะศัตรูที่อยู่ในค่ายเนี้มันไม่ได้หูนุ่ตาบอดแล้วมันก็ยังยิงปืนอาฆาเป็นด้วยนะครับเคีเนลคิดว่าเรามีเสื้อเกลอะอย่างดีหรือไงเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นน่ะผมว่ามันคงป้องกัน r p g ์ไม่ได้หรอกนะ่จาจะาดาวเหนือไดา้ยาวเพราะต้องอธิบายเหตุผลด้วยอเมริกันที่มักจะลบแบบสบายใจจนเคยตัวความสูญเสียมากต่อมากมาจากความประมาทฝีมือคู่ต่อสู้และครั้งนี้ก็เช่นกันอาการตื่นเต้นต่อสถานที่ใหม่ จนลืมไปว่าที่นี่คือสมอภูมิไม่ใช่สถานที่ปิกนิกนั่นแหละพันตรีโรเจอร์จึงต้องสั่งการพวกเราทุกคนกระจายกำลังออกไปทั้งสองด้านที่ผมอยู่นี่ใช้แนวสันเนินไปที่วางตัวหาที่กำลังให้ดีที่สามารถต้านทานได้ทั้งปืนเล็กและจรวดอา g พจีแต่ละคนจัดระยะห่างระหว่างบุคคล10เมตรไปเลยเมเจอร์เตือนเรื่องกับระเบิดด้วยโอเคพวกเรา ด้านหน้าระยะ100เมตรประมาณตีเนินข้างล่างเต็มไปด้วยกับระเบิดนะเรื่องนี้ต้องระวังกันหน่อยแต่ถ้าใครอยากจะได้ไปเป็นของที่ระลึกก็ไปเก็บเอาเองไม่มีใครห่วงพันตรีโลเจออดไม่ได้ที่จะติดตลกในคําเตือนนั้นกําลังพลเหล่านี้ล้วนเป็นพลทหารและนายสิบที่ติดตามมาในฐานะคุ้มกันพันเอกนอร์แมนทันทีที่ได้รับคําสั่งทุกคนต่างกระวีกระวาดเข้าที่กําบังด้วยความตั้งใจที่มากเกินไปจนบางครั้งเสียงพูดออกจะดังเกินความจําเป็นจดต้องเตือนกันอีกรอบจึงเงียบลงได้ เอาไงต่อนอสตาพันตรีโนแมนหันมาถามพร้อมชืองมองไปทางสาวมูเซอร์ดำทั้งสองด้วยความสนใจแต่ดูเหมือนงานจะสําคัญกว่าจึงยังไม่สอบถามอะไรหมาความว่าไงครับก็กําลังที่มาสิจใจบุกเลยไหมอย่าเพิ่งเลยครับบุกเขาไปตอนนี้มีหวังตายด้วยกับระเบิดหมดแน่ที่นี่มันเยอะจริงๆผมไม่เคยเห็นที่ไหนมันจะมากมายเท่าที่นี่เลยผมว่าร้อยสว่างก่อนก็ได้ถ้ารอจนสว่างพวกมันก็เตรียมตัวทันนะสิมันต้องไปเตรียมอะไรนักหนาแล้วครับตอนนี้มันก็พร้อมกันหมดแล้ว ว่าแต่ว่าเครเนลเช็คหรื อ, อยังว่าทุกชุดลงเรียบร้อยหรือเปล่าตอนนี้วางตัวกันแนวไหนจริงสินะผมลืมสนิทเลยโอเคโรเจอร์คุณตรวจสอบให้หน่อยแล้วกันชุดรบวันนี้ปูม้า1นึถึงสิวางกําลังแล้วส่งลงเป็นวงรอบตามเข็มนาฬิกาพันตรีโรเจอร์อดที่จะหัวเราะออกมาในความมืดนั้นเสียไม่ได้ในความตื่นสนามของผู้บังคับบัญชาของตนจึงจัดการตามที่สั่งปล่อยให้ทั้งสองปรึกษากันต่อไปเคอร์เนลเอาพลังมาทั้งหมดเท่าไหร่เขาวันเนี้สําหรับที่นี่500คนตามที่คุณบอก ส่วนอีกชุดที่จะไปสกัดกองคาราวานผมเตรียมไว้หนึ่งรคนเดี๋ยวคงมากันใช้กําลังพวกไหนครับเนี่ยฐานม้งของนายพลวงังเตาจากค่ายทหารลาบวังเวียงคุณคิดว่าเป็นไงท่านม้งพวกนี้ต่างกับฐานเผ่าอื่นไหมต่างนะมันต่างแน่นอนครับเพราะมันคนละเผ่ากันแต่ถึงยังไงมันก็ยังเป็นลาวเหมือนกันอยู่ดีนั่นแหละแต่วันนี้คงจะดีเพราะเป็นการลบกันระหว่างม้งกับลาวผสมจีนนิดหน่อยพระเอกนอร์แมนเริ่มมองนาฬิกาที่ข้อมือ เวลาปาเขาไปตีห้าครึ่งกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีแสงสว่างสายหมอกยามเช้าหนาทึบจนมองออกไปได้ไม่เกินห้าหกสิบเมตรจ่าดาวเหนือต้องย้ำเตือนลูกน้องและให้พันตรีโรเจอร์เตือนพวกผู้มาให้ระวังการลุกฝ่าสายหมอกเข้าไปให้มากผู้มาหกจำนวนสามสิบนายพร้อมลุกอยู่ที่ปากทางเข้าออกด้านจ่ายยุทธพงศระคาดว่านั่นคือเส้นทาง อ, อกจากคายที่สามารถเดินทางออกนอกแผ่นดินลาวไปได้เลย ส่วนเส้นทางอื่นเท่าที่ตรวจดูแล้วไม่ปรากฏดังนั้นเพียงสองช่องทางที่มีอยู่ตอนนี้จึงต้องเสริมกำลังไว้ให้เข้มแข็งกว่าจุดอื่นทางนี้ไม่รวมกับกำลังที่มีหน้าที่คุ้มกันพันเอกนอร์แมนที่มีภารกิจต่างหากตอนที่ยี่สกตอนจบเวลา6โมงตรงพอดีไม่เกินแม้แต่วินาทีเดียว ที่เสียเฮลิคอปเตอร์คํารามลั่นท้องฟลาอีกครั้งในขณะที่ F4 แฟนทอมที่หายไปชั่วครู่ก็กลับมาด้วยพันเอกนอร์แมนหันมาพูดกับจ่าดาวเหนื่ออีกครั้งพอรู้ว่ากําลังจะถูกตั้งคําถามนอร์สตาต่อไปนี้เป็นฮอรกันชิปทั้งหมดสําหรับที่นี่สี่เครื่องแล้วก็ที่กองคาราวานอีกสามเครื่องที่นี่คุณสั่งการได้เลยนะผมว่าให้เมเจอร์เป็นคนสั่งการดีกว่าครับเพราะยังไงก็เป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันมาย่อมพูดรู้เรื่องดีกว่าคนที่เพิ่งมาหัดพูดครับโอเค นาโรเจอร์คุม จ, จัดการได้เลยพันตรีโลเจอร์ยกวิทยุประจำตัวขึ้นมาเราเริ่มกรอกเสียงหลังจากที่หอพวกนั้นพยายามเรียกหาสันไลท์มาหลายครั้งแล้วโอเคบลูด็อกจากซันลท์เปลี่ยนเอาเลยไหมสันลท์เปลี่ยนโอเคเอาเลยคุณตรวจพิกัดผุก่อนนะผมจะทําสัญญาณสร้าง ส, สองครั้งยาวหนึ่งครั้งคุณดูที่จอรเรดาร์เห็นแล้วบอกผมด้วยก็แล้วกันพันตรีโรเจอร์กดขี่ที่วิทยุแบบเปิดเปิดปิดปิดให้เป็นจังหวะตามที่นัดหมาย ทางนี้เนื่องจากวิทยุทุกเครื่องต่งางก็เปิดสัญญาณเหมือนกันหมดจนสัญญาณโชว์ที่จอเรดาร์บนเครื่องบินเป็นจุดสีแดงวางเรียงรายเป็นวงกลมโดยที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าของใครดวงไหนเป็นดวงไหนจึงต้องทําสัญญาณแยกต่างหากแบบนี้โอเคสันไลท์เห็นแล้วว่ามาเลยบลูด็อกจากจุดที่ผมอยู่นี่นะมุม230อยสาดีกรยระยะ1000เมตรคือจุดศูนย์กลางเป้าหมายคุณทิ้งไว้สโมคลงมาก่อนโอเคเริ่มได้เลยขอบคุณสันไลท์เดี๋ยวผมจัดการ คิี้กันชิบลำหน้นตีวงออกไปเล็กน้อยเพื่อตั้งลำให้เข้าไปในแนวบินทิศทางตามองศาที่ได้รับมาไม่มีแสงไฟหรือแสงสว่างใดๆจากเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นหรือเครื่องอื่นๆที่ความสูง 5,000 ฟุตสามารถได้ยินเสียงชัดเจนนักบินที่มีเครื่องช่วยบินอัตโนมัติแม้ไม่เห็นลักษณะภูมิประเทศก็สามารถบินได้ไม่ต้องกลัวแม้แต่จะชนกันเองคนที่ชำนาญบวกกับเครื่องมือที่ทันสมัยยอมช่วยให้อะไรตรงมีอะไรมันง่ายไปเสียหมด พวกในค่ายคงจะสงสัยเหมือนกันทําไมปืนกล 12.7 ปตอของมันจึงไม่ยอมยิงเสธธียทีมาบัด น, นี้ถึงจะหลุก็คงไม่มีความหมายใดๆอีกแล้วเพอะความพินาศย่อยยับที่เปรียบเสมือนอวาสานของค่ายฝึกกําลังจะมาถึงนั่นเองเมื่อเฮลิคอปเตอร์นํารองเข้าถึงจุดที่สั่งเสียงระเบิดไม่ดังหนักดังที่พื้นดินประกายไฟลูกใหญ่ส่องรอดตรงไม้ทึบออกมาให้เห็นพลันควันสีขาวเงินยวงก็พุ่งพลวยออกมา ทันทีที่มันสัมผัสกับแสงสว่างจากภายนอกแม้จะมีเพียงน้อยนิดแสงที่เลื่องราวกับสะท้อนได้ก็ปรากฏแก่กสายตาของทุกคนแม่นยำจริงๆนี่คือผลการทำงานของเครื่องคำนวณที่ใครๆเรียกมันว่าคอมพิวเตอร์โอเคบลูด็อกออนทาร์เกตคุณซันโวได้เลยไม่ต้องเลี้ยงยิงไปจุงกวจะสั่งหยุดโอเคไมไม่ต้องตอบหรือถามอะไรอีกบูด็อกลำนั้นเริ่มสายกระสุนขนาด 5.56 ม mm. มตร จากคือคนเอ็มหกสิบจำนวน2กระบอกจากสองข้างลําตัวทันทีเป็นการประเดิมเป้าหมายดูดอกลํานั้นบินเป็นวงได้ครึ่งวงของพื้นที่เป้าหมายเราดึงตัวโว้ก อ, อกทางด้านขวายอย่างรวดเร็วดูดอกลําต่อไปพุกเขาใส่ทันทีด้วยการนัดหมายกันอย่างหนีจากวิทยุบนเครื่องการชีมลําแล้ว ล, ลําเล่าในจํานวนสี่ลำนั้นต่างพลัดกันวนเวียนเข้าไปอย่างมีระเบียบ สียง M60 ที่พ่นกระสุนลงมายังไม่มีอันตามแบบฉบับของเศรษฐีสงครามกิ่งไม้ใบไม้ร่วงหล่นคลั่งพลูร่วงสู่พื้นไม่มีใครรู้หรอกว่าคนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาไม้นั้นจะยังอยู่ดีไหมนอกตาทำไมพวกมันไม่ยิงตอบโต้มาบ้างละ่ะก็มันมองไม่เห็นแล้วมันจะยิงได้ไงล่ะครับอีกอย่างมันเป็นหน้าที่พวกปืนกลสิบสอปตอที่สันเนินนั่นเมื่อพวกนี้ไม่ยิงก็เลยไม่มีใครยิงคุณว่าพอหรือยังปล่อยไปเรื่อยๆก่อนเถอะครับ แล้วพวกที่คารวานนั่นแหะครับเป็นไงบ้างพวกนั้นงานกําลังดำเนินไปเรื่อยๆกันชิปเขาทําการยิงแล้วพวกส่งลงก็ลงแล้วการชิปขนลุ้ที่ตั้งเป้าหมายได้ยังไงล่ะครับใครเป็นคนบอกเขาไม่ต้องบอกหรอนอสตาเรา Star, ตรวจสอบข่าวเกี่กับที่ตั้งพวกนี้มาตอนตีสี่แล้วการชิปก็เลยเข้าสู่พิกัด น, นั้นเลยส่วนกําลังที่จะเข้าสกัดกั้นนั้นอนะเราวางห่างจากจุดพิกัด น, นั้นประมาณสองพันเมตรเอาบนเส้นทางนั้นเลยเรามีแผนการยว่าพวกที่แตกมาจากกองคารวานจะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเดินทางกลับมาที่ค่ายนี้ จาดาวเหนือไม่ตอบแต่กลับไปสนใจกับพิกัดบนแผนที่พรอะจุดที่อยู่ของกองคาราวานลงไปเราปลดจุดที่อยู่ห่างออกไปสองกิโลเมตรดูสิว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่กับแผนการของพันเอกนอร์แมนเราก็ต้องหัวเราะคืณเอลครับ กำลังร้อยคนที่จุดสกัดกั้นคงต้องล้มเหลวซะแล้วหรืมั้งเอา้าทําไมละ่ะก็จุดนี้มันห่างจากที่ตั้งค่ายนี้แค่8ดกิโลเมตรพวกนั้นมันต้องเห็นการโจมตีที่ค่ายนี้ด้วยโดยเฉพาะการชิปที่กําลังบินอยู่เนี่ยแล้วตอนนั้นเคอรเนลคิดว่ามันจะย้อนกลับมาที่ค่ายนี้เหรอโอ้ก๊อดผมพลาดไปอย่างมากเลยไม่เป็นไรครับเคอเนลเราแก้ไขด้วยการส่งกันชิปตามไปซ้ำมันอีกวันนี้ทั้งวันเรายอมทุ่มเทกระสุนสักสอง 2,000 นัดให้การชิปวานลงไปให้เต็มแผ่นดินเลย กระสุนผมสองแ 0,000 นัดแรกกับกระสุนมันสอง0 0ื่นนัดมันคุ้มกันไหมนอสตาคุ้มสิครับเพราะกระสุนของมันสองห0ื่นนัดนั่นนะ่ะมันรวมชีวิตคนเราเข้าไปสองหมื่นคนนะครับโอเคอย่างที่คุณว่ามันก็ถูกเอาละนั้นผมว่าตามคุณจากดาวเหนือแอ บ, บยิ้มในใจที่เห็นการทํางานแบบขี่ช้างจับตะกแห่งของกองทัพสหรัฐอเมริกาพอเป็นเสรษฐถีสงครามทําให้เขายอมทุ่มเททุกๆอย่างที่สามารถหามาได้เพียงเพื่อจะแลกกับชีวิตคนโดยเฉพาะคนของเขา แล้วตอนนี้ทางกองคารวานเขารายงานผลมาบ้างหรือยังล่ะครับรายงานมาบ้างแล้วได้ผลเกินคาดอาเมนเจ้าดาวเหนือรับตาปีเมื่อพับผลที่ตกเป็นเหยื่อระสุนปืนกลทางอากาศทั้งคนตายคนพิการที่ไม่มีโอกาสช่วยได้แม้กระทั่งตัวเองภาพของคนที่กระสกกระเสริงเข้าที่กําบังบางคนไปผลบางคนไปไม่ผลบางคนยังไม่ตายต้องมาโดนสาเลยตาย าสังหาทางภาค พ, พื้นไม่มีสิทธิ์แยกเพศและไวยทุกชีวิตมีสิทธิ์เหมือนกันหมดคือตายทางนี้พอละมั้งเนาะสตาตามใจครับพอไปได้โรเจอร์คุณสั่งถอนกันชิปเราให้ปูม่าทั้งหมดลุกได้เลยเสนาธิการใหญ่กองกําลังศาสตรฐอเมริกาสั่งเสร็จทังตรีโรเจอร์สั่งเสร็จกันชิปชุดนั้นก็บินออกทันทีเพื่อเปิดทางให้ชุดปฏิบัติการทางภาค พ, พื้นเข้าทํางานมงููม่าจํานวนสิชุดที่ปากทางเข้าค่ายทั้ง12ดสาน จะต้องเตรียมรับและเตรียมหนุนเมื่อกําลังในค่ายอาจแบกวงล้อมออกมาเสียงผู้คนคึกคักขึ้นเสียงร้องเสียงชัยโยเสียงโห่แบบเอาชัยสร้างขวัญตามระษามงหวังเป่าดังสับสนไปทั่วทั้งหุบขณะเดียวกันตั้งแต่เริ่มกระสุนนัดแรกมานั้นยังไม่มีเสียงปืนจากในค่ายดังออกมาเลยแม้แต่นัดเดียวใครจะคิดอย่างไรไม่ทราบแต่จ่าดาวเหนือกําลังคิดว่านี่มันอะไรกันหรือว่าในนั้นจะเป็นค่ายหลังไม่มีคนอยู่ อีกใจกลับคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อกําลังที่ต้องออกมาสับเปลี่ยนหน้าที่กันที่สันเนินและที่ช่องทางเข้าออกดูกเป็นปกติเป็นไปตามคาดการทุกอย่างเสียงก๊าบรเบิดดังขึ้นมาสนั่นวันไหวประกายไฟวูบวาบกลุ่มควันสีดาทะมึนลูกแล้วลูกเล่าที่ลอยขึ้นสู่เบื้องสูงเหนือกลุ่มแมกไม้ไม่ใช่เพียงสี่หรือห้าลูกแต่มันเป็น 10. สิบจานวนทั้งหมดตลอดทั่วทั้งภูมยังไม่มีทีท่าว่าเสียงก๊าบรเบิดนั้นจะหมดสิน เคลื่อนที่เข้าไปหากอยากรู้ไปได้ไกลแค่ไหนกลุ่มความรับประกายไฟนั่นแหละเป็นตัวฉี้บอกเสียงภูม่าไม่รู้ว่าชุดไหนรายงานเข้ามาว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ลุกต่อไปได้รัฐมนตรีโรเจอไม่ฟังเหตุผลสร้างลุกๆูกเดียวที่หมายเท่านั้นที่ต้องการในตอนนี้ทุกภูม่าฟังทั้งนี้ใครบาดเจ็บจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าใครตายได้ห้าเท่าเมอบให้ลูกเมียภารกิจวันนี้หากสําเร็จสามารถยึดค่ายแห่งนี้ได้กองทัพจะจ่ายเงินเพิ่มให้อีกคนละห้าร้อดอลลาร์ แต่ถ้าใครถอยคนนั้นถูกฆ่าทิ้งพวกมึงกลัวด้วยเหรอวะว่าไอ้พวกเรารุ่มหัวแดงมองกลัวมันเหรอวะฮะมึงกลัวเรารุ่มหัวแดงเยไยพันตรีโรเจอร์ยัดทั้งเงินทั้งหลั ก, กจิตวิทยาเขาไปไม่ต้องห่วงเลย ว, ว่าขวัญที่ทำทักและเจอจะเจองนั้นพลันกลับคืนมาอีก พลัดกาลังไม่รู้ว่ามาจากไหนกําลังทั้งหมดร้องโห่หา่าล้านป่า ย, ยังพร้อมเพรียงกันต่างดานหน้าลุกคืบยังไม่เสียดายชีวิตเพื่อนคางเขียงแม้จะล้มดาวดินไปบนที่อยู่กระโดดข้ามชาร์จยาวต่อไปอีกจุดไหนที่กับระเบิดทํางานแล้วจุดนั้นคือจุดที่ปลอดภยัยหลายคนพุ่งตัวเข้าไปอาศัยพื้นที่กาําบังแม้ถึงชั่วครู่ก็อย่างดีตัวการด้านหน้าเราช์จต่ออย่างรวดเร็วขึ้นชื่อวมงแล้วทหารมงมักคุยว่าตัวเองนั้นเป็นนักรบเผ่าที่เก่งที่สุด ในจำนวน68ชนเผ่าในประเทศเลาวเสียงระเบิดดังมาอีกคราวนี้ดูเหมือนแนวลุกของพวกเขาจะล้าเข้าไปอีกกว่า200อเมตรเสียงปืนจากในค่ายดังออกมาแล้วปริมาณที่มากมายจนเสียงนั้นลัวที่ยิบจนไม่สามารถแยกแนวเสียงได้สกายไฟปากลําก้องส่องออกมาให้เห็นน้อยเต็มที่สายหมอกที่ยังไม่จางจนการมองเห็นทําได้ในระยะที่แสนจะจํากัดพวกลุกลุกหนักเข้าไปอีกพวกในค่ายก็ระดมหนักขึ้นเช่นกัน ปืนคละเคลาเสียงระเบิดแสดงว่าทั้งสองฝ่ายตั้งไม่ยอมซึ่งกันและกันอาพีที่อหน้าสูงพวกปืนเล็กเริ่มแผ่เสียงออกมาแล้วขณะที่เสียงโห่ฮาของมงที่ยอมแล้วแม้ความถ่ายกลับดังแทรกเข้ามาอีกในระยะที่บางจุดมองเห็นมันได้แม้สโตร ล, ลางก็ตามอา พ, พีที่ยิงได้แล้วมีหรือที่ม7 2คู่แข่งกัน ร, ระหว่างอาวุธของทั้งสองค่ายจะไม่ยิงออกไปบางในจํานวนนั้นไม่มีฝ่ายไหนอันปริมาณการยิงกันเอาเลย อำนาจการยิงใครสูงกว่าคนนั้นย่อมมีสิทธิชนะพวกในค่ายที่เป็นฝ่ายตั้งรับดูจะได้เปรียบมงที่เป็นฝ่ายลุกโดยเฉพาเรื่องที่กำบังฝ่ายตั้งรับหยืดล่องเลดที่สูงระดับอกฝากหลั ก, ลกพ้นกระสุนออกไปมงที่ลุกเข้าไปตั้งต้องหลมล่วงราวกับใบไม้ที่ถูกปลิดกระนั้นยังไม่คิดจะถอยเมื่อศักดิ์ศรีของเผ่าและเงินเปนสิ่งรอ่อบทไม่มีการตายฟรีทุกสิ่งทุกอย่างในสมรรภูมิแห่งนี้ล้นเป็นเงินเป็นทองทั้งสิน้น ไม่ไหวเราสันไรคนของผมตายไปกว่าครึ่งแล้วไม่เป็นไรเก็บศพคนตายไว้เอามารับเงินพันตรีโรเจอร์ไม่ถามโดยวันนั่นเป็นภูมาหม่เลขอะไรคิดอยู่อย่างเดียวต้องลุกเข้าไปให้ได้เท่านั้นพันเอกนอรแมนหันมาทางจ่าดาวเหนือเหมือนจะสอบถามอะไรบางอย่างเรามีทางประเดศึกได้ไหมนอสตามีครับถ้ามีเงินให้พวกเขาเรื่องนั้นไม่อันอยู่แล้วงี่ก็เพิ่มให้เขาอีกคนละห้าร้อยสิครับรับรองงานนี้เสร็จในชั่วโมงนี้แน่พันตรีโรเจอร์รับนโยบายและคําสั่งแล้วสั่งการทันทีเงิน ใคร่ๆก็ชอบเมื่อมันเพิ่มปริมาณงานก็เพิ่มด้วยกําลังฝ่ายลุกลุกหนักกว่าเดิมทันทีเสียงปืนทั้งสองฝ่ายด้วยปืนนานาชนิดที่มีอยู่ดังสวนการเล่ากับประทัดในงานวัดเสียงระเบิดดูจะลดลงแล้วแสดงว่าแนวลุกนั้นผ่านพื้นที่ดงกับระเบิดไปแล้วนั่นเองเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งร้ยเมตรที่คิดว่าฝ่ายลุกจะเข้าถึงตัวฝ่ายรับแล้วจากดาวเหนือต้องถึงกระเป๋าลมออกจากปากด้วยความโล่งใจอันตรีนอมันหันมาดูเห็นแปลกใจเลยถามอะไรเหรอ นึกว่ามันจะแหวกวงล้อมทางนี้มันไม่มาทางนี้ก็ดีเราจะได้ไม่เหนื่อยที่คุณหมายความว่าไงโนง่งนี่ครับฝั่งด้านตรงข้ามที่ออกขวาไปหน่อยมันระดมยิงด้านนั้นอย่างหนักน่ะมันกําลังจะแหวกออกแล้วครับจ่าดาวเหนือชี้บอกแล้วนั่งลงกอดเข่าด้วยความสบายใจในขณะที่ด้านนั้นไม่มีคนของเขาวางอยู่ถึงไม่เป็นการเสี่ยงที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพันเอกนอมแมนโดยตรงเท่านั้นฟรีโรเจอร์เข้าใจในคําบอกนั้นเป็นอย่างดีซึ่งสั่งการทางวิทยุอีก ผมว่าสิผมว่าฮะมันกำลังจะแหวววงล้อบอกด้านนั้นยิงนี้นะ่ะเขาไปอีกคนที่มองเหตุการณ์อยู่บนเบื้องสูงย่อมเห็นได้ชัดเจนกว่าไม่น่าเชื่อว่าตรงจุดนั้นจะมีทางออกไปนอกค่ายได้แต่กล่าหับจ้างยอมรับว่ามันพังได้ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะดูไม่ออกเอาเลย อาวุธสารพัดชนิดที่จะพึงมีรละดลมเข้าใส่กันดังแรงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะจุด ข, ของปูม่าสี่และแต่ทางด้านอื่นกลับลดลงยิง่งผิดสังเกตไม่ต้องบอกหรือสร้างอีกทที่ด้านหน้าของโตนลดเสียงปืนลงกําลังมงถือโอกาสลุกเร็วทันทีและทั้งเข้าถึงแนวร่องเลนแล้วใสา่ร่องเลนนั้นเป็นแนวยิงต่อไปเบร์สตาทางด้านกองคารวานเรียบร้อยแล้วนะคนของมันตายเป็นเบื่อเลยของที่บรรทุกมาเป็นอาวุธระเบิดจริง นักบินเป็นคนยึดได้เหรอครับท่านเอกนอร์แมนทำตาเหลือกมันได้ยินคำถามแบบุณควรอย่างนั้นปล่าหรอกมันระเบิดเองเมื่อตอนโดนทำลายสินั้นก็ดีไปผมดีใจด้วยที่นักบินรอดจากระเบิดพวกนั้นได้ท่านเอกนอร์แมนไม่พูดอะไรอีกหันมาสนใจทางด้านพันตรีโรเจอร์ต่อแล้วหาทางพูดแกล้งก่าดาวเหนือบ้างโรเจอร์งานนี้เสร็จแล้วคุณใช้เวลาเดินกลับสักกี่วันเฮ้ยเคนเนลผมกลับฮอสิจะให้ผมเดินได้งไง พันตรีโรเจอร์ไม่รู้ว่าบัตหนี้มีคนที่เขากําลังพูดแดกดันกันอยู่ก็เลยผอยหน้าตาเหลือล่าไปด้วยคิดว่าเป็นเรื่องจริงมันแหวกออกด้านนั้นได้จริงโรเจอร์พันเอกนอรแมนเปลยขึ้นเมื่อเห็นว่าแนวลุกด้านนั้นต้องหยุดสนิทเพราไม่สามารถจะฝ่าแนวลุกของพวกในค่ายหรือ ย, ยันให้มันถอยหลังได้ตรงกันข้ามที่ฝ่ายนั้นสามารถลุกคืบหน้าไปได้เรื่อยๆด้วยซ้ารู้สึกว่าอาวุธจมพวกแก๊สน้ําตากับระเบิดนาปามไม่ได้ใช้กันเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับ อยู่เพื่งบินทิศสนามบินโน่นน่ยแต่เขาสามารถเอามาถึงที่นี่ได้ภายใน10นาทีหลังสั่งการผมไม่ต้องหรอกครับจะเรียบร้อยอยู่แล้วนี่เสียงปืนลดปริมาณลงเหลือเพียงปรับปลายที่สามารถนับจํานวนได้เมื่อฝ่ายในค่ายจํานวนหนึ่งสามารถแหวกวงล้อมออกไปได้แสงไฟในค่ายเริ่มปรากฏเมื่อมงบางส่วนที่ลุกเข้าไปได้ก่อนทําการเผาอาคารต่างๆในค่ายนั้นแสงไฟช่วยศาสตร์สองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพันตรีโรเจอร์สอบถาม ถ, ามถึงเหยื่อะไรสําคัญ คำตอบที่ได้มาก็คือพันตรีจ้างวันยงท้าวสิทธิราชกับเพื่อนนักศึกษาอีกสมคนตายในสนามรบนักศึกษาอีาคนพร้อมด้วยพันตรีคำไผยวิไลพันธ์ได้รับบาดเจ็บถูกจับกลุมตัวไว้ได้แต่ที่น่าเสียดายก็คือกําลังฝ่ายมงที่เข้าโจมตีต้องตายลงกว่า100คนบาดเจ็บกว่า200คนดังนั้นงานที่หนักในตอนนี้คือการลําเลียงคนเจ็บคนตายออกจากพื้นที่ที่ยังเหลือกับระเบิดอีกไม่ใช่หน้อย สิ้นเสียงปืนพันความสงบลมลืนก็กลับคืนมาพัานเอกนอแมนเดินมาที่จ่าดาวเหนือโดยมีสองสาวมูสดำเคียงข้างอยู่นอสตาร์เนี่ยเหละผู้หญิงมูสดำที่คุณว่าใช่ครับหน้าตาสวยดีขอผมเถอะเขาไม่ใช่ของผมแร้วครับคอร์เนลต้องการก็ขอเจ้าตัวเขาเองแล้วกันว่าแต่คอร์เนลจะเอาเขาไปทําอะไรครับผมไม่มีลูกผมต้องการได้ครับลูกบุญธรรมผมจะส่งเขาไปอยู่สหรัฐคุณช่วยพูดกับเขาให้ผมทีสิจ่าดาวเหนือพูดทันทีด้วยความจริงทุกประการ ไม่มีการสร้างสถานการณ์หรือคู่เข็นเปรียบเทียบใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาเองไม่มีความคิดเห็นใดๆสำหรับเรื่องนี้แต่แล้วคำตอบที่ออกมาจากปากของสองสาวก็คือไม่เอาไม่เอ า, เอาข้าไม่เอาข้าไม่ไปเขาจะไปบ้านตาฟูเยค่าจะไปอยู่กับตาฟูเยทั้งสองคนพูดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นการพูดที่ออกมาจากใจจริงจากดาวเหนือถึงกับอาปากขางมีอาการตะลึงไปชั่วครู่ พยายามอ้างถึงความสะดวกสบายที่จะได้เป็นลูกบุญธรรมของพันเอกนอร์แมนสักเท่าไหร่คายืนยันก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งสองสาวเข้ามากอดแขนและร่ำระรักร้องไห้โหด้วยความเสียใจเก่งว่าตาฟูเยจะผักใส่ให้ไปจริงๆเอาล่ะนอสตาผมล้มเลิกความคิดนี้แล้วถ้าสองคนนี้เขาไม่ต้องการอย่างนั้นผมคิดว่าผมก็เป็นคนที่มีมนุษยธรรมเหมือนคุณเหมือนกันผมเชื่อใจใคุณถ้าอานั้งานเนี้ยผมขอให้คุณแก้ปัญหาเ อ, าเองก็แล้วกันหรือจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกมา พระเอกนนมันตัดบทแสนจะง่ายไดย้จาาดาวเหนือเลยต้องจำใจกล้ามกลืนภาพที่ตนเป็นคนไทยมีเมียชาวเขาพอมูเซอรดำที่ได้ไปจากสมอ ร, รภูมิปรากฏออกมารางๆให้เห็นเมียสองคนพี่น้องที่รักใกล้กลมเกลียวกันคงจะดีแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างว่าแต่ว่ า, เ, ววาเจ้าจะไม่ยอมกลับบ้านเจ้าแน่นะจะลาเจพือ แน่นอนค้าไม่กลับข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องอีกแล้วค้าจะไปกับตาฟูเยถ้าตาฟูเยไม่ให้ข้าไปค้าจะฆ่าตัวตายจลาสาวคนที่ทําท่าจะเอาจริงมาคว้าปืนจากตาฟูเยเอาไปถือแต่ตาฟูเยกลับหัวเราะเพราะรู้ดีว่าสาวเจ้าไม่รู้วิธีใช้มาหรอกผลก็คือสาวเจ้าร้องไห้ดังกว่าเดิมอีกพราจากตาฟูเย่หันไปกอดจนกลมระหว่างพี่กับน้องจ่าดาวเหนือที่กําลังพบกับปัญหาชีวิต ปล่อยให้สองสาวกอดกันต่อไปไม่คิดจะเข้าไปปลอบแต่อย่างใดโดยสังเกตจากท่าทีที่แกเองล้มตัวลงนอนกับพื้นจุดบุหรี่อัดเข้าปอดแล้วตามด้หมักฝรั่งแก้เสียงสองสาวเข้ามาพร่ำวอนอีกครั้งด้วยน้ําตาที่นองนากระทั้งจ่าดาวเหนือต้องพูดออกมาเป็นการยอมแพ้เอาล่ะเอาล่ะไปเข้าไปแต่ถ้าลําบากแล้วจะมาว่ากันทีหลังไม่ได้นะนั่นแหละทั้งสองคนจึงหัวเราออกมาได้ท่ามกลางสายน้ําที่ลางออกมาจากเบ้าตาทุกคนที่อยู่ในวงนั้น แม่ไม่รู้เรื่องของภาษาแต่ก็พอจะเข้าใจในอากับกิริยา น, นั้นได้และยิ่งเข้าใจท่องแท้ขึ้นเมื่อสองสาวมูเซดดำนั้นเป็นจำนวนเพิ่มของยอดผู้โดยสารขึ้นมาอีกสองคนโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน